ในจำนวนพระอาจารย์ทางปักใต้ที่สูงส่งด้วยภูมิจิตภูมิธรรมเป็นที่เลื่อมใสของศรัท ธ, ธาสาธุชนภาคใต้นั้นมีหลวงพ่อชัยปุรินทะโกเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นตอนเมื่ออายุสิบเจ็ดปีในท่านบัพชาเป็นสมณเนยอยู่ที่วัดแก้วโกวร า, รามจังหวัดกระบี่เมื่อเดือนมิถุนายนปี2 5 1พห้าสิบเจ็ดหลังจากที่สอบได้นักธรรมตรี มีความรู้ทางปริยัติและบาลีอันเป็นภาษาหลักของพระคัมภีร์ต่างๆในพระพุทธศาสนาแล้วก็ใฝ่าหาความสงบในฝ่ายปฏิบัติธรรมกรรมฐานครั้นมีโอกาสฟังการบรรยายธรรมของหลวงปู่จำเนียนศรีละเศธโถ ท, ที่วัดพุครีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วท่านก็เกิดความเลื่อมใสยอย่างแก่กล้าก็ติดตามไปศึกษาธรรมปฏิบัติที่วัดธรรมเสือ หลวงปู่จำเนียนก็เมตตาสอนการทำสมาธิแบบสติปัฏฐานสี่กำหนดกายเวทนาจิตธรรมกำหนดกายเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในกายเมื่อปฏิบัติถึงขั้นแยกจิตแยกกายออกจากกันได้ความหลุดพ้นก็ย่อมรออยู่ไม่ไกลมีโอกาสกำจัดกิเลสได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแน่นอนเรียนรู้รรมปฏิบัติพอสมควรแล้วก็ร่วมกับคณะพระทูดง ติดตามไปแสวงวิเวกยังป่าใหญ่ภาคเหนือซึ่งคงความเป็นดงดิบยิ่งกว่าปัจจุบันอีกทั้งเมืองเหนือเมื่อครึ่งศตวรรษก่อนยังมีพระอริยเจ้าจำมันสาอยู่หลายรูปได้ไปถึงวัดดอยแม่ปังกราบนมัส ก, การหลวงปู่แหวนสุจิโนรู้สึกตื่นเต้นยินดีที่มีวาสนาใกล้ชิดกับพระอรหันต์สมัยปัจจุบัน ตลอดจนได้กลับฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์อีกหลายท่านก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางปฏิบัติจิตยิ่งขึ้นเมื่อใกล้ขบันษาก็กลับปักใต้จำมันษาอยู่ที่วัดถ้ำเสือกระทั่งผ่านไปสี่ปีที่ได้รับการอบรมในทางธรรมกระทั่งหลวงปู่จำเนียรศีละเสถัวท่านเห็นว่ามีแววเอาดีในชีวิตนักบวชได้ก็เมตตาชี้แนะเคล็ดลับต่างๆให้เป็นพิเศษ ตอนที่อยู่วัดถ้ำเสือสองพันสาท่านได้ทุดงไปยังภาคเหนืออีกครั้งหนึ่งตั้งใจจะไปให้ถึงสุดเหนือที่แม่้องสอนระหว่างทางก็ผ่านเมืองเก่าแห่งหนึ่งในเขตอำเภอศรสีสํารงจังหวัดสุขโขทยัยก็ปักกรดพักแรมใกล้ๆซ า, ากปรากพังของเมืองเก่าบำเพ็ญเพียนที่นั่นอยู่สามคืนกลางดึกคืนแรกนั่งสมาธิอยู่ในกรดก็เกิดนิมิตในสมาธิ แห็แสงสว่างพุ่งจากเนินดินคล้ายๆเจดีเก่าแล้วตรงมากระทบท่านจนรู้สึกเย็นวูบไปทั้งเนื้อทั้งตัวต่อมาท่านก็ยังนิมิตเห็นเช่นเดิมครบทั้งสามคืนก็เกิดความสงสัยขึ้นมาก็เลยอธิษฐานขออยู่ต่อก็เกิดนิมิตเหมือนเดิมทุกประการกระทั่งคืนที่หคราวนีินิมิตในสมาธิปรากฏให้เห็นบุรุษลึกลับร่างสูงใหญ่ อยู่ในชุดเหมือนกับคนสมัยโบราณมาบอกว่าสิ่งที่ได้เห็นทุกคืนนั่นก็คือพระบรมสารีริกธาตุเขาบอกว่าจงนำไปสร้างพระาธาตุเยดีแล้วเก็บรักษาพระาธาตุไว้เกิดนิมิตเห็นสถานที่บนเขาก็ให้สร้างเห็นในทุ่งนาก็สร้างในทุ่งนาถ้าเกิดนิมิตแล้วสร้างไม่ได้เดี๋ยวข้าจะไปช่วยว่างั้นท่านก็เลยตัดสินใจรับอาราธนานิมนต์ พลันก็มีะ อ, อบดินสีทองส่องแสงสว่างอยู่ในะ อ, อบแล้วก็ปรากฏให้เห็นพระบรมธาตุลักษณะใสแวววาวเท่ากับมเมล็ดข้าวสารรุ่งขึ้นท่านก็ลองค้นหาดูก็พบจริงๆดังนิมิตรทุกประการก็เลยนำติดตัวไปด้วยเสมอท่านกลับปักใต้ก็เรียนให้หลวงปู่จำเนียนทราบหลวงปู่จึงบอกให้สร้างพระธาตุเจดีที่วัดธรรมเสือ ท่านก็ลองนั่งสมาธิตรัว ด, ดูหลายครั้งก็ไม่ปรากฏนิมิตอะไรตกลงก็รอไปสร้างที่อื่นเนื่องจากคนโบราณผู้ลึกลับกําชับท่านว่าให้เห็นนิมิตก่อนแล้วถึงจะสร้างสำเร็จปีพุทธศักราช2520อายุท่านครบบวชท่านเดินทางกลับไปอุปสมบทที่วัดแก้วโกวรารามเหมือนเดิมโดยมีท่านเจ้าคุณพระสุตาวุฒิวิสิ์เป็นพระอุปชา มีฉายาในทางธรรมว่าบุรินทะโกบวชเสร็จแล้วก็กลับวัดธรรมเสือศึกษาธรรมะปฏิบัติอีกปีหนึ่งก็กลับลาหลวงปู่จำเนียนไปบุกเบิกก่อตั้งวัดร้ำเสือน้อยที่อำเภออ่าวลึกร่วมกับภิกษุที่เป็นศิษย์หลวงปู่จำเนียนโดยท่านรับเป็นสมภารเจ้าวัดอเป็นวัดเล็กๆสร้างใหม่ระยะแรกก็เทศนาธรรมโปรดญาติโยมอย่างเดียวจนโยมคนนึงพูดอย่างน้อยใจบอก ท่านน่ะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แค่ให้พรก็ศักดิ์สิสทธิ์แล้วไม่ต้องทำพิธีอะไรก็ได้คือหมายความว่าเป็นพระดีอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นพระขลังด้วยตอนเป็นคารวะท่านเคยร่ำเรียนพุทธาคมกับคุณตาก็เลยนำมาลงเลขเสกยันให้ชาวบ้านด้วยความเมตตากระทั่งบันนึงผู้นำท้องถิ่นมาร้องเรียนกับท่านเรื่องลูกศิษย์ได้ของดีไปแล้วฮึกเหิมมาก เชี่ปร่นสดมลักขโมยก็เป็นการใหญ่เมื่อก่อนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังพอจะปราบปรามโจรผู้ร้ายได้แต่พอผู้ร้ายได้ของดีจากท่านก็ทําให้ปราบยากมากบางก็หนังเหนียวยิงพันไม่เข้าบางก็เหยียบกับระเบิดก็ไม่เป็นไรมิจฉาชีพเหล่านี้โกยเงินได้เยอะแล้วบางรายก็ซื้ออิดหินปูนทายมาถวายให้สร้างวัดผู้นําท้องถิ่นคนหนึ่งโกรธมากถึงกับตะวาดใส่ท่าน ท่านเป็นพระประเภทไหนอ่ะบวชถือศีลแต่ทำคนให้เป็นโจร น, นี่ทําไม่ใช่พระนี่จะยิงทิ้งซะเดี๋ยวเนี้คำพูดดังกล่าวอุปมาเหมือนกับท่านอาศัยผ้าเหลืองคุ้มตัวเป็นคนที่ขลาดตาขาวก็เลยตัดสินใจลาศึกเมื่อปี2523แต่ว่านุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติตนเช่นพระภิกษุเคร่งๆคร่งทุกประการ ปรากฏว่าตอนที่เป็นพักขาวนี่ถูกลอบยิงหลายครั้งหลายหนแต่น่าอัศจรรย์ที่กระสุนไม่ระคายผิวมีแต่รอยเขียวช้ำติดตัวอยู่นานพอดูจนพวกที่รอบยิงแจ้งว่าเลิกจองเว้นแล้วเรื่องเก่านี้ขอให้เลิกแล้วต่อกันสรุปว่าท่านใช้บาปที่ลงของให้คนชั่วไปทำร้ายคนดีนานเส้นหนึ่งปีเต็ม แล้วก็กลับไปอุปสมบทอีกครั้งณวัดคลองท่อมจังหวัดกระบี่เมื่อปีพุทธศักราช2525บวชคราวนี้ได้จาริกธุดงไปภาคอีสานกลาบน้ำมสการขอฟังธรรมจากหลวงปู่ชาสุพัทโพระอรหันต์แห่งวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีทำให้เข้าใจในทางธรรมลึกซึ้งขึ้นระหว่างธุดงเดียวไปปกักรดพระแรมกลางป่าช้า ในเขตอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์เกิดนิมิตในสมาธิเห็นพ่อท่านคล้ายแห่งวัาสวนขันเมตตามาสอนกรรมาฐานให้ต่อมาเมื่อจิตเจริญกรรมาฐานปรากฏว่าสามารถเข้าถึงธรรมซึ่งยังไม่เคยรู้เห็นมาก่อนความกังวลต่างๆที่เคยมีก็มาลายหายไปสิน้นก็เริ่มท่องทุดงอย่างจริงจังติดต่อกันนานถึงสิบห้าปีเต็ม แต่ว่าช่วงขบันศาส่วนใหญ่จะกลับไปจำบันสาที่วัดถ้ำเสือมีอยู่คราวหนึ่งท่านทุดงไปถึงปลายเขตแดนจังหวัดกระบี่บริเวณที่เรียกกันว่าเขาสะเพราะว่ามีแอ่งน้ำโบราณขนาดใหญ่อยู่ตรงเชิงเขาหน้าที่แห่งนี้เองได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดสยดสยองทำลายขวัญรุนแรงที่ไม่มีวันลืมตลอดชีวิตทั้งนี้ก็เพราะตามปกติวิสัยของพระทุดงกรรมฐาน ถ้าพบป่าลึกแห่งไหนมีธรรมชาติน่ารื่นรมเป็นป่าใหญ่หลายหมื่นไร่สงบสงัดจากผู้คนและอรารยธรรมแผ่นใหม่ท่านก็จะพักแรมนานหน่อยยิ่งมีแหล่งน้ำฉันน้ำช้อยู่ใกล้ๆก็ยิ่งสะดวกต่อการเจริญสมณธรรมเป็นอย่างมากระหว่างปักรลอดทำความเพียรอยู่บริเวณใป้าร่มไม้ใกล้เขาสะที่เป็นสะน้ำโบราณคืนหนึ่งท่านเดินจงกรมอยู่หน้าหลด อยู่ดีๆท่ามกลางความมืดสลัวของราวป่าห่างออกไปไม่ไกลนักปรากฏมีบุรุษลึกลับร่างสูงใหญ่มหือมาผิดมนุษย์หน้าตาดูน่ากลัวมากในตาแดงฉานเหมือนกับมีเปลวไฟลุกโชนอยู่ตลอดเวลาเลือเห็นเพียงแวบแรกก็ทำบกขนลุกเกรียวไปทั้งเนื้อทั้งตัว บุรุษผู้มีความสยองตั้งแต่หัวจะรดเท้ากำลังทำอากับกิริยาประหนึ่งเดินจงกรมเหมือนกับท่านไม่ทันสังเกตว่ามาทางไหนอยู่ๆก็ปรากฏร่างให้เห็นดื้อๆอย่างไม่น่าเป็นไปได้เวลานั้นท่านกำลังเดินจงกรมมีสติมั่นคงรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ใช่นั่งหลับตาให้เกิดภาพเห็นในในิมิสสมาธิ ร่างนั้นจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาหรือพูดผีปีศาจอะไรก็ไม่แน่ใจนักรู้อย่างเดียวว่าน่ากลัวที่สุดเดชบุญท่านปฏิบัติธรรมจาริกทุดงท่ามกลางป่าเขาเผชิญบรรยากาศน่ากลัวมานักต่อนักทําให้สามารถควบคุมสติแนบแน่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่สติหลุดอย่างที่เขาเรียกว่าทมแตกยังสามารถสื่อถึงกันแบบส่งกระแสจิตถึงจิตอีกฝ่ายนึงได้ ได้ยินบูรุษลึกลับพูดอะไรออกมาฟังไม่ได้สับจับใจความได้เพียงบูรุษร่างมหืมาร่างนี้เป็นผู้อารักขาผืนป่าที่ท่านมาบำเพ็ญเพียรอยู่แล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองชื่อตัดจันการมาของตัดจั น, นมาอย่างประสงค์ร้ายมีรังสีอมมาหิตแผ่ซ่านมากระทบจิตท่านอย่างรุนแรง ท่านองคอยระวังตัวอย่างเต็มที่ไม่มีกระจิตกระจจะทำความสงบให้เข้าถึงสมาธิได้แล้วหลังจากประกร่างสร้างความสยองอยู่พักใหญ่บุรุษลึกลับชื่อตาจันก็พาตัวเองหายลับไปกับความมืดของราวป่าทิ้งความหวาดระแวงไว้กับท่านตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่าจะพลวดพราจากความมืดมาถึงเนื้อถึงตัวท่านเมื่อไหร่ คืนต่อมาท่านก็เดินจงกรมครบกำหนดเวลาที่ตั้งใจไว้ก็นั่งพักบนอาสนะในกรดรู้สึก ง, ง่วงมากเนื่องจากคืนก่อนมัวแต่ระแวงภัยไม่เป็นอัลลับะนอนเหลือจะฝืนนั่งทาสมาธิได้ไหวก็เลยเอนนอนพักผ่อนสังขารสักหน่อยกระทั่งใกล้รุ่งประมาณสักตีสามเกือบเกือบตีสี่ท่านก็ถูกรบกวนเป็นครั้งที่สองคราวนี้มาอย่างมุ่งร้ายหมายขวัญเต็มพิกัด ยื่นเท้าใหญ่มหืมมาเข้ามาถึงในกรดเหยียบลงบนยอดอกแล้วกดท่านไว้แน่นอยู่กับที่พอสะดุ้งลืมตาตื่นก็กระดิกกระเดี้ยไม่ได้เลยเหมือนกับถูกรถบทถนนทั้งคันแล่นเข้ามาทับไว้ท่านรู้ทันทีว่าคืนนี้ร่างลึกลับเขาเอาจริงแล้วก็เอาเป็นเอาตายด้วยถ้าไม่เหยียบย่ำให้กระอักเลือดก็แปลว่าเอาขระนืบตายขา ข, าขวาเท้าแน่นอนแต่พระธุดงกรรมฐานส่วนใหญ่จะอธิษฐานสละตาย ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่ผืนป่าก็บอกตัวเองว่าเรามาปฏิบัติถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาตายเป็นตายเป็นไรก็เป็นกันตั้งอกตั้งใจรวมสติให้แน่วแน่เข้าสู่องค์สมาธิชั้นเอกคตารมคือมีอารมณ์จิตเป็นหนึ่งเดียวตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคลอนแคลนท่านก็เกิดอาการแปลกประหลาดขึ้นทั้งที่ถูกเหยียบยอดอกซ้ำยังเพิ่มแรงเหยียบกดลงมาจนหายใจไม่ออก รู้สึกมีตนเองอีกร่างหนึ่งลุดออกมาจากร่างที่โดนฝ่าเท้าเหยียบย่ำอยู่ได้เห็นเจ้าของฝ่าเท้าเป็นบุรุษลึกลับร่างใหญ่ยังขยักวัดแจ้งฝ่าเท้าที่ยื่นเข้ามาในกรดนิยายนว่ามนุษย์ธรรมดาหลายเท่ามีหน้าละถึงทำให้ท่านขยับเขยื่อนเนื้อตัวไม่ได้แม้แต่นิดเดียวร่างอีกร่างหนึ่งที่แยกจากร่างเดิมคาดว่าน่าจะเป็นกายทิพย์ รู้ว่าขืนอยู่ต่อไปคงไม่ได้การก็เลยชิงแยกออกมาซะก่อนส่วนร่างที่เป็นกายหยาบนะจะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างก็ไม่รู้เห็นแต่นอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ใต้ฝ่าเท้าบุรุษลึกลับแต่ท่านก็ไม่เสียดมเสียดายอะไรกับกายเนื้อซึ่งขณะนี้ไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใดก็กล่าวขึ้นฉันเมตตาจิตว่าอาตมาเป็นบรรพชิตจาริกทุ ด, ดงบําเพ็ญเพียรอยู่ตามป่าตามเขาเพื่อแสวงความหลุดพ้น เห็นบริเวณเขาสะนสงบวิเวกดีก็เลยพลักแรมบำเพ็ญเพียรชั่วคราวไม่คิดจะมาแย่งชิงที่ทางของใครทั้งสิ้นโยมไม่รู้เหรือว่าการเข็นฆ่าผู้สงสีนั้นมีกรรมอันหนักนะมีทุคติวิบาทนรกเป็นที่หมายเบื้องหน้า<ะ>เดือดร้อนแสนสาหาัสใช้นี่บาปกรรมไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีบุรุษลึกลับสงบนิ่งฟังอยู่สักพักก็ถอนเท้าจากยอดอก ร่างที่นอนแน่นิ่งอยู่ในกรดขณะเดียวกันท่านได้สํารวมจิตแพ่งสมาธิไปที่กายหยาบนั้นก็ทําให้กายวิญญาณกลับคืนไปรวมเป็นร่างเดิมรู้สึกตัวลุกขึ้นนั่งได้อีกครบหนึ่งแต่ในหัวอกในยังเสียดยอกอยู่ไม่หายส่วนร่างลึกลับก็ก้าวอาจอาจอย่างลำพองในความยิ่งใหญ่ของตนแล้วหายลับไปกับความมืดของราวป่าทิ้งให้ท่านดูแลอาการบาดเจ็บอยู่เพียงลําพังรูปเดียว ประสบพการเฉียดตายอันน่าสยองคืนนั้นแทนที่ท่านจะกลัวกลับมุ่งมั่นจะปฏิบัติธรรมที่ป่าแห่งนี้ต่อไปอีกเพราะคิดว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจรอให้ท่านหาความรู้จากมันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจึงอยู่ตลอดชีวิตการทุดงร่วมยี่สิบปีทําให้ทราบว่าทุกพื้นป่าในมีอันตรายรอต้อนรับผู้ที่บุกรุกถิ่นที่อยู่ท่านก็เคยเผชิญภัยในดวงดิบมาสมควร แต่ก็ไม่มีป่าแห่งไหนที่มีอาถรรพ์ร้ายแรงและเขย่าวขวัญสั่นประสาทมากเท่าที่นี่ท่านจึงตัดสินใจพักแรมอยู่บริเวณเขาสะอันเป็นแอ่งน้ําโบราณต่อไปอย่างไม่มีกําหนดหลายคืนต่อมาท่านได้ประชญหน้ากับร่างลึกลับนี้อีกหลายครั้งปรากฏว่าท่าทีของบุรุษผู้แสนดุร้ายในเริ่มเปลี่ยนไปในทางเป็นมิตรมากขึ้นหลังจากมาทําด้อมด้อมมองๆ อ, อีกพักใหญ่ก็แสดงตัวเป็นกัลยาณมิตร คบหากับท่านอย่างมีไมตรีซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ใช่การนั่งปฏิบัติจิตแล้วเห็นในนิมิตสมาธิเป็นการพบเจอกันอย่างมีสติตื่นรู้ตัวทุกอิริยาบถถือเป็นความอัศจรรย์แห่งพรงไัรได้เลยทีเดียวทั้งที่ความจริงถ้าจะว่าไปแล้วบุรุษลึกลับก็คืออมนุษย์เราดีๆนี่เองแต่เหตุฉนไหนจึงสแสดงร่างเป็นตัวเป็นตนเหมือนประกอบด้วยท่าสี่ คือดินน้ำลมไฟไปได้ก็ไม่รู้ส้ำย่างเป็นนักปฏิบัติธรรมตัวกลั่นอีกด้วยระยะหลังๆเขาลดขนาดร่างกายให้ใหญ่กว่าคนธรรมดาไม่มากนักเพราะตกค่ำจะออกมานั่งสมาธิเดินจงกรมด้วยกันกับท่านทุกคืนน่าอัศจรรย์มากบุรุษลึกลับบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าป่าเจ้าขาวทําหน้าที่อารักขาขุมทรัพย์โบราณในป่าแห่งนี้เจ้าป่าเล่าให้ฟังว่าย้อนอดีตไปเมื่อหลายพันปีก่อน ตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธศาสนาเข้ามายังสุวรรณภูมิทางแหลมมาลายูซึ่งปัจจุบันก็คือมาเลเซียป่าเขาแห่งนี้เคยมีวัดสำคัญอยู่แห่งหนึ่งมีนักบวชที่เป็นพระดีพระขลังหลายท่านแต่ก็หนีไม่พ้นกฎแห่งพระไตรลักษ์คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นเหตุให้วัดวาอารามที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตมีสภาพเป็นวัดร้างหลังการล่มสลายของอาณาจักรสีวิชัย ตัวเองในงเก็บรักษาพระพุทธรูปโบราณไว้สามองค์ยินดีจะถวายให้ท่านแต่ขณะนี้ฝังอยู่ใต้ดินมีรากไม้งอกงามไปทับไว้ขอถวายท่านอาจารย์ไปกราบไหว้บูชารุ่งขึ้นเมื่อค้นหาตามจุดที่เจ้าป่าเจ้าเขาบอกท่านก็พบต้นไม้ใหญ่กับรากไม้ที่ผุพังแล้วลองคุ้ยดินดูก็พบแผ่นหินทับอยู่ท่านงัดแผ่นศิลานั้นขึ้น ก็พบพระพุทธรูปทองสัำริดลักษณะเหมือนศีลาแลงดูอีกทีก็เหมือนแท่งเหล็กแล้วก็ไม่รู้ว่าทั้งสามองค์เป็นพระพุทธรูปปางอะไรท่านยกมือไหว้แล้วก็ลองยกดูปรากฏว่าทุกองค์หนักมากไม่สมดุลกับขนาดขององค์พระเลยสงสัยว่าใช้วัตถุอะไรสร้างพระพุทธรูปขึ้นมากันแน่ถึงได้หนักขนาดนี้แต่ก็อารัธนาทั้งสามองค์ติดย่ามไว้ตลอด เวลาจะถวายความเคารพ บ, บูชาก็นิมนต์ขึ้นไว้บนขวาบาทพร้อมกับพระบรมธาตุคืนต่อมาท่านนั่งทำสมาธิแล้วเกิดอัศจรรย์ยังรู้อดีตชาติตัวเองอย่างไม่คาดววนแต่ท่านไม่ขอเปิดเผยเพราะแต่ก่อนนั้นถ้าจะได้รู้เห็นอะไรสิ่งนั้นจะมาปรากฏให้ทราบเองช่วงขณะที่จิตหลุดออกจากร่างโดยไม่ใช่การถอดกายทิพย์ ท่านพบตัวเองมาอยู่ตรงหน้าหลวงปู่ลึกลับไวยชรารูปหนึ่งซึ่งไม่บอกว่าท่านเป็นใครบอกแต่ว่าที่เรียกมานี่เพื่อถ่ายทอดวิชาให้วิชาของหลวงปู่นิรานามนี้เกี่ยวกับการควบคุมจิตหากทําไม่ครบทุกอย่างนะกิเลสจะหมดไปเองในไมช่ช้าหลวงปู่มีวิธีอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายจดจําได้เร็วและแม่นยําแต่การปฏิบัติจริงนั้นไม่ง่ายเลย ต้องใช้สมาธิและเวลาในการควบคุมจิตนานมากนับจากคืนนั้นเป็นต้นมาท่านก็สามารถกำหนดจิตแล้วถอดกายทิพย์ไปเรียนวิชากับหลวงปู่นิรนามเป็นแรมเดือนทำให้ความรู้เดิมที่ร่ำเรียนมานี้แน่นขึ้นส่วนเจ้าป่าก็ยังไปมาหาสู่กันฉันมิตรเหตุการณ์ช่วงนั้นถือว่าสุดแปลกประหลาดมหัศจรรย์ไม่มีวันลืมไปตลอดทีเดียว ช่วงที่ปักลดพักแรมอยู่บริเวณเขาสะแองน้ำโบราณกลางป่าลึกเชิงเขาท่านอิมเอิบในธรรมสามารถอดอาหารได้ครั้งหนึ่งเป็นสิบวันเวลาออกบินทบาตในหมู่บ้านใกล้ที่สุดซึ่งไกลามากเนี่ยท่านจะแวะรับบาตรที่บ้านคนยากคนจนมีพ่อบ้านชื่อในเขียดมีศรัทธาในทางธรรมแก่กล้าบางวันไม่มีอะไรก็เอาข้าวเปล่ากับเกลือใส่บาตรให้ ท่านก็ตั้งใจไปรับบาตรทุกครั้งเนื่องจากการทำบุญกับพระที่เพิ่งออกจากฌานสมาบัตินมีอานิสงส์ใหญ่ท่านตาเห็นคืนต่อมาท่านนั่งปฏิบัติจิตเกิดนิมิตในสมาธิเห็นงูเห่าใหญ่เลื้อยมาแผ่แม่เบี้ยใกล้กรดมองเห็นเลขสามตัวที่ลายของงูชัดเจนพอกำหนดจดจำได้แม่นยำงูเห่าก็บอกทางกระแสจิตว่ามาให้เห็นเท่านั้น ถ้าเอาไปบอกใครมันจะมาฉกกัดให้ตายทันทีท่านก็ไม่คิดจะเป็นผ้าบอกใบให้หวยกับใครทั้งสิน้นกระทั่งออกมาบินธบัติที่บ้านในเขียด ก, ก็เกิดเวทนาที่บ้านของเขาทั้งเล็กทั้งซอมซอ้อผุพังเต็มทีลูกๆ ก, ก็เริ่มแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวแล้วก็ถามเขาว่าทําไมไม่ทําบ้านให้ดีกว่านี้เขาก็บอกว่าแต่ละวันเนี่ยยังแทบจะไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อหาได้เท่าไหร่ก็ใช้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปวันวัน ไม่มีปัญญาจะซ่อมแซมบ้านหรอกรุ่งขึ้นท่านยะไปบินธบัตรที่บ้านหลังนั้นอีกคราวนี้ลูกสาวในเขียดออกมาตักบัตรยังบอกเลขสามตัวให้รู้พร้อมกำชับว่าให้ซื้อเพียงยี่สิบาทแล้วก็อย่าไปบอกต่อให้ใครรู้นะได้เงินมาแล้วจะได้ทำบ้านให้ดีขึ้นลูกสาวก็รีบไปบอกพ่อแม่ซึ่งดีใจในเมตตาจิตของท่านแล้วก็ทาตามที่กาชับไว้ทุกประการ ได้เงินมาซ่อมแซมบ้านสมเจตนารมณ์ของท่านตกค่ำวันเดียวกันท่านเดินจงกรมตอนหัวค่ำตามปกติปรากฏว่างูเห่าในนิมิตมีตัวตนอยู่จริงและก็ทำตามคำขู่มันตรงเข้ามาฉกกดที่นักแข่งท่านเต็มรักเลยทีเดียวก่อนที่จะเลื้อยลดคดเคี้ยวหายไปกับความมืดท่านแข็งใจคลองจีวรครบชุดนั่งขัดสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ในกรด ถ้าจะตายก็ขอตายให้สมศักดิ์ศรีพุทธบุตรคือมรณภาพในอิริยาบถนั่งปฏิบัติธรรมสมาธิพิษงูเห่าก็แล่นไปทั่วสารพางกายทำให้ความรู้สึกทั้งหมดดับวูบลงเหมือนกับเทียนสิ้นแสงกายวิญญาณออกมาล่องลอยอยู่ภายนอกกรดยังเห็นกายหยาบตัวเองนั่งขัดสมาธิอยู่ที่เดิมจากนั้นกายวิญญาณก็ล่องลอยไปเรียรยีพื้นดินจนถึงสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่ง เป็นสำนักที่อยู่ของพญายักทั้งยาวทั้งใหญ่มหือมากำลังม้วนร่างนอนขนดอยู่ดูราวกับภูเขาลูกย่อมๆแล้วก็พูดภาษามนุษย์ได้บอกว่าเราคือพญาแห่งงูทั้งหลายในโลกที่มาปรากฏก็เพื่อช่วยเหลือว่าแล้วก็ให้คาถาสำคัญไว้บทหนึง่งบอกว่าเวลาเข้าป่าแล้วท่องพระคาถานี้งูหรือสัตว์มีเขี้ยวทั้งหลายจะไม่ทาอันตรายท่าน ก่อนวิญญาณจะกลับร่างพญา ง, งูยักษ์กำชับท่านในทำบุญอุทิศกุศลให้บรรดา ง, งูทั้งหลายทุกปีแล้วบอกงูไปว่าอย่าไปทำร้ายมนุษย์ถ้าหากมนุษย์เคยช่วยชีวิตไว้ก็หาทางช่วยมนุษย์บ้างหลังจากนั้นท่านก็เลยปล่อยงูทุกปีโดยเฉพาะงูเห่าปีละก้าตัวโดยให้ลูกศิษย์ซื้อจากที่พวกเขาจับงูมาขายส่วนคืนนั้นเมื่อท่านท่องพระคาถาแล้ววิญญาณก็กลับมาที่ร่างในกรด แต่เข้าร่างไม่ได้ก็เลยอธิษฐานจิตถึงพญางูตัวนั้นตอนพบเจอกันยังนึกว่าเป็นวิญญาณพญางูแต่ที่ไหนได้มีพญางูเลื้อยมาจริงๆความใหญ่มห่อือจนมองดูเหมือนจะมันแน่นทึบไปทั้งป่าเพราะความใหญ่บทบังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของพญางูช่วยให้บิญญาณท่านคืนสู่กายหยาบได้พิษงูเห่าก็มาลายหายไปหมดไม่เจ็บปวดส่วนไหนของร่างกายอีก มันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อย่างแท้จริงที่ท่านตายแล้วฟื้นคืนชีพได้เองส่วนพยางูช่วยเหลือเสร็จก็เลือ้อยหายเข้าป่าไปแต่ไปตอนไหนไม่ทันเห็นพะมัวแต่กังวลกับการกลับเข้าร่างอยู่นับแต่นั้นเป็นต้นมาท่านสามารถนั่งทางไหนรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้แม้จะไม่แสดงให้ใครเห็นก็ไม่พ้นการสังเกตของคนใกล้ชิดไปได้ปีพุทธศักราช2529 ท่านออกจากป่ามาเยี่ยมโยมแม่ซึ่งปีนั้นย้ายมาอยู่บ้านบางเหรียงไม่นานต่อมามีผู้เฒ่าชาวบางเหรียงถึงแก่กรรมแบบไร้ญาติขาดมิตรท่านกับญาติโยมที่สนิทกันก็เลยเป็นธุระจัดพิธีศพให้ที่วัดบางเหรียงซึ่งเวลานั้นเป็นวัดเล็กๆชำรุดสุดโสมรกชัดไปด้วยป่าหญ้าและวัชพืชมีสภาพเป็นวัดร้างจนวักกวไกยของชาวบ้านอาศัยเป็นแหล่งหากิน สาธุชนส่วนหนึ่งนีมนใ้ท่านอยู่จำมันสาจนกว่าจะมีภิกษุมาอยู่ประจำแต่ว่าท่านเป็นพระป่าทุดงฝ่ายอรัญวญาสีไม่เคยอยู่จำมันสาวัดไหนนานๆท่านก็เลยขอคิดดูก่อนเมื่อไตร่ตรองดูแล้วโยมแม่ก็แก่ชรามากแล้วเจ็บป่วยอยู่เสมอท่านจากมาตั้งแต่อายุสิบห้าปีควรจะอยู่ดูแลใกล้ชิดโยมแม่สัก พัรษาหนึ่งก็เลยตอบตกลงกับสาธุชนแถบถิ่นบางเหรียงปีนั้นมีภิกษุสามเณรสองสามรูปไปอยู่ที่วัดด้วยในช่วงก่อนเข้าพรรษาเพียงวันเดียวไม่นานต่อมาท่านก็เริ่มเป็นที่รู้จักในนามพระอาจารย์ชัยแห่งวัดบางเหลียงด้วยความที่ท่านสามารถนั่งทางในรู้เห็นอนาคตช่วยผู้มีทุกข์เดือดร้อนให้พ้นทุกข์ได้เป็นอันมาก สาธุชนเหล่านั้นจึงร่วมทุนร่วมใจกันพัฒนาวัดโดยท่านไม่ได้บอกบุญเรียอะไรใครจนคืนสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกคำรบหนึ่งมีภิกษุสงฆ์สามเณรจำมันสามากพอสมควรเพราะมีถาวนวัตถุมากมายเหมือนวัดขนาดใหญ่ตั้งแต่รรษาแรกที่ท่านรับเป็นสมผานเจ้าวัดพระบรมธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองโบราณในจังหวัดสุขโขทยัยได้แสดงพุทธพินิษานให้ท่านทราบว่า ควรจะสร้างพระธาตุเจดียด์บนยอดเขาลานใกล้กับวัดบางเหลียงองค์พระธาตุเจดีย์จึงอุบัติขึ้นด้วยพุทธานุภาพและบุญบา ร, รมีของพระาจารย์ชยัยซึ่งถือมติว่าบารรพชิตเนี่ยสำคัญอยู่ที่พระวินัยหากไม่ปฏิบัติตัวให้อยู่ในวินัยสงฆ์ก็ไม่ต่างอะไรกับชาวบ้านห่มจีวอนภูมิชาติกำเนิดของพระาจารันชัยนี่ท่านเกิดปีพุทธศักราช2500 จงกับวันคืนสิบห้าคำเดือนหกปีรากาณบ้านทุ่งสูงตำบลนานเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โยมพ่อชื่อนายไขย่โยมแม่ชื่อนางนุ่มแก้วมามีพี่น้องร่วมสายโลหิตเจ็ดคนท่านเป็นคนที่ห้าชื่อสมชัยแต่ไม่ทราบว่าผิดพลาดทางทะเบียนสมโนครัวอย่างไรชื่อท่านในทะเบียนบ้านก็เลยกลายเป็นชื่อพิสารไปได้ตอนยังเด็ก ทางไปโรงเรียนต้องผ่านโรงธรรมมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่องค์หนึ่งเวลาได้ค่าขนมจากแม่จะซื้อธูปเทียนมาจุดบูชาพระนั่งมองพระพักพระพุทธรูปครั้งละนานๆด้วยความรู้สึกอิ่มเอิบใจคุณตาของท่านชื่อปลอดชูเชือ้อเคยบวชเป็นพระทุดงเห็นหลานชายชื่นชอบในทางธรรมก็เลยสอนให้รู้จักสวดมนต์ไหว้พระตลอดจนถ่ายทอดพุทธาคมอันเข้มขัง รู้วิธีลงเลขเสกยันอีกทั้งสามารถนั่งสมาธิได้นิ่งครั้งละนานๆพออายุได้สิบเจ็ดปีจึงบับพชาเป็นสมณเณรดังที่ได้กล่าวไปแล้วจากการบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเอาจริงเอาจังและมีประสบการณ์ต่อมาได้เป็นสิทธิหลวงปูน่นิรนามทางจิตตลอดจนเป็นสิทธิสายปฏิบัติของหลวงปู่จำเนียนสีละเศธโถแห่งวัดถ้ำเสือ ทำให้ท่านสามารถรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางเหลียงหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือวัดราชอุปถัมภ์อำเภอทับปุตจังหวัดพังงามีภูมิจิตภูมิธรรมสูงส่งลึกซึ้งเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของสาธุชนพุทธบริษัททางปักใต้ตอนล่างอย่างกว้างขวางใครมีทุกข์เดือดร้อนท่านจะช่วยหาทางขจัดบัตรเป่าทางจิตหมดทุกข์หมดโศกทุกรายไปท่านมีสมมณะศักด พี่พระครูปรลัดพิสารปูรินตะโกแต่ว่าสาธุชนรู้จักท่านในนามหลวงพ่อพระอาจารย์ชัยอันเป็นนามเดิมของท่านส่วนที่ว่าชื่อพิสารนั้นเป็นการผิดพลาดทางเทคนิคดังกล่าวแล้วท่านบรรยายธรรมสอนสั่งท่านเนรทั้งหลายว่าการปฏิบัติธรรมถ้าเอาตัวหนังสือในกระดาษมาเถียงกันเทียงกันวันยังค่าก็ไม่สิ้นสุดเรียนบาปก็สงสัยบาปเรียนบุญก็สงสัยเรื่องบุญ เรียนนรกก็สงสัยนรกเรียนสวรรค์ก็สงสัยสวรรค์สงสัยเรื่องพรหมโลกพระนิพพานเรื่องแปลตเรื่องผีพระธรรมคัมภีร์ท่านแสดงไว้ถึงไหนก็สงสัยถึงนั่นเรียนถึงพระนิพพานก็ไปตั้งเวทีเถียงกันว่านิพพานมีหรือไม่มีสุดท้ายก็ให้กิเลสมันลบทิ้งหมดบาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์นรกไม่มีนิพพานไม่มีนี่คือกิเลสของนักปริยัต แต่ไม่เคยนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเลยเอาพุทธศาสตร์ไปเทียบกับวิทยาศาสตร์ถ้าอะไรจับต้องไม่ได้ในี่ถือว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไม่เชื่อถือพระเนียนจึงควรหันมาปฏิบัติกันให้มากกว่านี้ต้องปฏิบัติถึงจะรู้ของจริงคนจริงกับของจริงน่มันอยู่คู่กันไม่งั้นบวชมาก็เสียเวลาเปล่า ปัจจุบันหลวงพ่อชัยปูรินทะโกมีอายุได้64ปีบวชได้44พรรษาครับหลังจากสร้างวัดบางเหรียงจังหวัดพังงาให้มั่นคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชนเป็นปึกแผ่นแน่นหนาดีแล้วท่านก็ได้ริเริ่มจัดสร้างวัดบางโทงจังหวัดกระบี่เป็นาศาสนาสถานอีกแห่งหนึ่งเพื่อเผยแพร่พระธรรมคาสอนให้แพร่หลายยิ่งขึ้นไป เท่าที่ความสามารถของท่านจะทำได้ครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งในสาระประวัติของพระเดชประุลหลวงพ่อชัยปุรินทะโกครับเรื่องแปลกๆวันนี้ครับเป็นเรื่องที่อาจารย์ทองทิวสุวรรณทักน์ซึ่งอาจารย์ยอดถือเป็นครูบาอาจารย์ ท่านได้บันทึกไว้ท่านบันทึกไว้ว่าข้าพเจ้าขึ้นดอยอินทนนท์เมื่อต้นปีนี้ด้วยความอนุเคราะห์จากกุณเสถียรประเสริฐหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ด้วยการจัดยานพาหนะตลอดจนการนำไปยังสถานที่ต่างๆของดอยนั้นจนถึงสถูปที่ฝังอัฐิของพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ ซึ่งสูงที่สุดของดอยคือ 2,500 ขว้าเมตรจากระดับน้ำทะเลพระเจ้าอินทรวิชานนท์นี่เป็นอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ที่มีความรักความหวงแหนดอยอินทนนท์เป็นอย่างยิ่งไม่ยอมให้ใครขึ้นไปทำลายไม้บนเขาลูกนี้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าอยากจะให้ความสวยงามของไม้ดอกไม้ใบบนดอยเนี่ยคงอยู่ นานแสนนานความรักความหวงแหนดอยอินทนนท์เช่นนี้ก็เป็นเหตุให้ท่านสั่งแก่คณาญาติของท่านไว้ว่าถ้าหากว่าท่านสิ้นพระชนไปแล้วก็ขอให้แบ่งอัธิส่วนหนึ่งของท่านไปบรรจุไว้บนยอดดอยหลวงด้วยเมื่อพระเจ้าอินทรวิศยานนท์สิ้นชีพตักใสคณาญาติทั้งหลายจึงตอบสนองคําสั่งโดยแบ่งอัธิส่วนหนึ่งขึ้นมาขึ้นช้าง เดินทางถึงสาวันสามคืนจากตีนดอยไปจนกระทั่งถึงยอดสูงสุดแล้วก็สร้างพระสถูปบรรจุอัฐิของท่านไว้บนนั้นตราบเท่าทุกวันนี้พระสถูปแผงนี้เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในท้องที่และจังหวัดใกล้เคียงทั้งมีความเกรงกลัวต่อความศักดิ์สิทธิ์ของบิญญาณพระเจ้าอินทราวิชยานนท์ที่ปกปักรักษาป่าบนดอยจนพากันขนานนามว่า เจ้าพ่ออินทนนท์อภินิหารของเจ้าพ่อนี่มีมากมายเกินกว่าจะพรรณนาถ้าจะให้กล่าวเป็นสังเขปแล้วก็พอจะพูดได้ว่าถ้าผู้ใดเดินทางขึ้นไปบนดอยอินทนนท์แล้วขาดความเคารพและกระทำการอันเป็นที่ลบหลู่ดูหมิน่นก็มักจะปรากฏว่าคนผู้นั้นจะหายสาบสูญไปโดยหาร่องรอยไม่ได้หรือไม่ก็เสียสติวิกลจริตละเมอเพ้อพกไปตามๆกัน แต่บางคนอาจจะพบอุบัติเหตุถึงชีวิตก็เป็นได้เมื่อครั้งที่คุณเสถียรประเสริฐเป็นมักกุเทศนำข้าพเจ้าขึ้นไปบนดอยนั้นก็เผอิญได้พบเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองอยู่กล่าวคือได้มีรถสองแถวคันหนึ่งบรรทุกผู้โดยสารประมาณสิบเจ็ดสิบแปดคนวิ่งขึ้นไปบนดอยอย่างรวดเร็วทั้งทั้งที่หนทางบนไหลเขาบางตอนมีป้ายประกาศเตือนให้ระวังอันตรายจากรถที่สวนมา แต่ปรากฏว่าโชเฟอร์รถสองแถวคันนั้นก็หาได้เพลาฝีมือการขับขี่แต่ประการใดไม่คงจะเป็นเพราะเชื่อมือตนอย่างเหลือเกินก็อาจจะเป็นได้รถแลนด์โรเวอร์ของเรานี่ไปถึงยอดดอยอินทนนท์หลังจากที่พวกเรากำลังจะทยอยขึ้นรถกลับก็มีหลายคนที่ส่งเสียงเอะเฮาโดยเฉพาะโชเฟอร์คนนั้นเสียงดังกว่าเพื่อน สังเกตดูว่าคงจะกินเหล้ากันมาไม่น้อยทั้งผู้หญิงผู้ชายเสร็จแล้วคุนเสถียรพาขาพเจ้าเดินหลีกจากคนกลุ่มนั้นขึ้นไปเคารพเจ้าพ่ออินทนนท์บนเนินเตี้ยๆที่มีพระสถูปสถิตยอยู่เราสองคนก็พูดคุยกันบนนั้นชั่วครู่ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นต้นไม้ใหญ่หลายต้นมีตะไคร่น้ำเกาะเขียวคล้ำไปหมดตามซอกหินผามีน้าที่มีวาบางๆเหมือนกับแผ่นน้าแข็ง แสดงให้เห็นถนึงความหนาวเย็นขนาดหนักบนยอดดอยข้าพเจ้าชวนคุณสเสถียรลงจากดอยหลังจากกราบลาเจ้าพ่ออินทนนท์เพราะทนความหนาวไม่ไหวมันเย็นจนใบหูชาไปหมดรถแลนด์โรเวอร์ก็พาเราลงมาจากความสูงชันค่อยๆวิ่งไปตามถนนอันราบเรียบเป็นระยะทางจากยอดดอยประมาณห้ากิโลเมตรก็ได้เห็นภาพที่น่าสยดสยองปรากฏแก่สายตา นั่นก็คือมีคนสองสามคนนอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่กลางถนนสายนั้นเบื้องหน้าของเราแล้วก็มีรถยนต์บรรทุกของทหารอากาศจอดอยู่ใกล้ๆและมีทหารอากาศหลายนายกําลังวิ่งพลุกพล่านชุลมุนคุณสเสถียรกับข้าพเจ้าก็จอดรถชิดริมทางแล้วก็รีบกระวีกระวาดลงจากรถจิบวิ่งไปดูเหตุการณ์จึงได้ทราบว่ารถสองแถวคันที่เอเอะเฮหาบนยอดดอยเมื่อครู่ใหญ่นี้เอง ขับไปชนราวเหลก็กริมถนนที่เขากั้นเอาไว้แล้วกระโจนตกลงไปในเหวทั้งคันเลยทีเดียวไม่ได้ยินเสียงโอดโอยแม้แต่แอะเดียวเงียบกริบทั้งผู้ที่นอนเกลือกอยู่บนถนนและผู้ที่ตกไปพร้อมกับรถคันนั้นทหารอากาศเริ่มให้ความช่วยเหลือด้วยการนำขดเชือกมนิลาเส้นใหญ่มาผูกปลายด้านหนึ่งกับราวเหล็กแล้วก็โยนเชือกลงไปเบื้องล่างที่เห็นลิบรว นายทหารผู้ควบคุมสั่งการนายทหารที่แข็งแรงล่ําสันไตลงไปตามเชือกอย่างรวดเร็วคุณสเสถียนพาขบัตเจ้าไปยืนชิดริมหน้าผามุมหนึ่งแล้วชะโงกหน้าลงไปดูข้างล่างขบัตเจ้าหยิบกล้องสองทางไกลออกจากกระเป๋าเสื้อส่องดูท้ามกลางหมอกสีขาวจางแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นระเกะระกะก็มองเห็นเศษเหล็กของรถสองแถวกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ ร่างของชายหญิงสิบบาคนนอนระเนระนาตอยู่ในที่ใกล้เคียงบางคนนอนหงายสองมือแบไปข้างๆบางคนนอนคว่ำหน้าและบางคนซบ อ, อยู่บนง่ามไม้ใหญ่ข้าพเจ้าก็ส่งกล้องให้คุณสัจเถียนดูบ้างคุณสัจถียนส่องดูสักครู่ก็ร้องเอะอะแล้วชี้ให้ข้าพเจ้าดูอีกครั้งจากเลนของกล้องคู่นั้นข้าพเจ้าก็เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งตัวยังเล็กๆอยู่ นั่งอยู่บนหน้าอกคนตายศพหนึ่งแกกำลังแหงหน้ามองทหารอากาศที่ต่เส้นเชือกลงไปเกือบจะถึงพื้นล่างอยู่แล้วน้ำตาของแกไหลาอาบแก้มทีเดียวสักพักใหญ่เชือกก็กระตุกจากเบื้องล่างทหารที่อยู่ข้างบนก็ช่วยกันดึงเชือกเส้นนั้นด้วยความพร้อมเพรียงเด็กผู้ชายคนนั้นถูกช่วยขึ้นมาจากเหวเป็นคนแรกแกปลอดภัยทุกอย่างไม่มีบาดแผลแม้แต่น้อย นอกนั้นตายเกลี้ยงไม่มีเหลือสักคนเดียวข้าพเจ้าเข้าไปปลอบประโลมแกให้หายตกใจแล้วค่อยๆพูดกับแกโดยเฉพาะคุณสักเสียนซึ่งเป็นคนเชียงใหม่พูดภาษาพื้นเมืองกับแกด้วยความอ่อนโยนจนกระทั่งรถพยาบาลจากตีนดอยที่ได้รับการติดต่อจากวิทยุมาถึงก็เลยรับแกไปตรวจร่างกายศพต่อมาก็ค่อยๆทยอยขึ้นมาจากเหวทีละคน ทหารอากาศทำงานหนักจนถึงคนสุดท้ายที่เราจำได้ว่าเป็นโชเฟอร์ฝีมือเหลือกำลังผู้นั้นใบหน้าของเขาแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีคอหักจนหมุนได้รอบคุณสเสถียรเล่าให้ฟังในขณะที่เรานั่งรถกลับมาสำนักงานว่าเด็กที่รอดตายแกบอกว่าขณะที่รถตกลงเหวนั้นมีคนแก่อุ้มแกไว้ตลอดเวลาไม่ยอมปล่อยจนรถแตกกระจาย ถึงได้วางแกลงบนหน้าอกของศพของน้าชายที่พาแกมาเที่ยวแล้วก็หายไปไหนไม่รู้ข้าพเจ้าฟังแล้วขนลุกแต่อดถามต่อไปไม่ได้ว่าผมเห็นเด็กคนนั้นแขวนพระไว้องค์หนึ่งคุณสัเดียนทราบไหมว่าเด็กแขวนพระอะไรคุณสัเดียนบอกว่าผมดูแล้วเป็นพระรอดเนื้อเขียวปือเด็กแกบอกว่าเป็นของปู่ให้ ก่อนที่ปู่จะตายครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่อาจารย์ทองทิวสวรณทั์ท่านเล่าให้ฟังครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังดีเคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับตาทองหรือว่าพ่อใหญ่ทองที่ชาวบ้านก็เรียกเนี่ยแกมีอาชีพหาของป่าขาย มีเมียชื่อยายพยอมสองผัวเมียไม่มีลูกยายพยอมช่วงนี้แกปวดเข่าเพราะอายุแกหกสิบกว่าแล้วแกก็เลยต้องอยู่บ้านไม่ได้ไปช่วยสะทองหาของป่าจะหาเก็บยอดชะอมบ้างเก็บผักหวานที่อยู่ใกล้ๆบ้านทั้งสองในอยู่กันมานานแกเป็นคนนิสัยดีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็รักและนับถือแกทุกคนสะทองแกชอบเข้าป่าคนเดียว โดยไม่ชอบไปเป็นกลุ่มแกรู้แหล่งดีว่าตรงไหนมีหน่อไม้เยอะมีเห็ดชนิดต่างๆเยอะบางครั้งก็ขึ้นเขาได้ของมาแกก็จะขายให้นังลีที่เป็นแม่ค้าคนกลางที่รับซื้อของป่าถึงจะราคาจะถูกสักหน่อยก็ไม่มีใครต่อว่าเพราะว่าหนทางที่จะไปตลาดนี่มันไกลแต่ทองนี่มักจะกลับบ้านค่าอยู่เป็นประจำแกทําอยู่แบบเนี้ย หลายสิบปีสมัยก่อนก็จะมียาพยอมไปด้วยแต่ตอนนี้ตาทองต้องไปคนเดียวมีมีดเสียมเล็กๆคู่กายโพกปลาคม้ า, า, ม, ามีเข่งผูกสายสะพายหลังเข้าป่าไปทุกวันก็ได้ของมาทุกวันบางทีแกก็ตีพึ่งกลับมาด้วยชีวิตก็ปกติสุขดีกินอยู่ง่ายๆเช้ า, ยชาๆยายพยอมก็จะห่อข้าวให้ตาทองไปกินในป่ามีน้ําไปกระบอกนึงกับข้าวก็มีแต่ของแห้งปลาระะ อืบางทีก็มีจิ้งหรีดทอดจั๊กจัน่นปลาส้มเนื้อตาแค้งบ้างก็แล้วแต่จะมีอะไรจิ้มกับข้าวเหนียวก็อร่อยอย่าบอกใครเลยวันหนึ่งตาทองแกเก็บของป่าได้เยอะกว่าทุกวันเตรียมที่จะเดินกลับบ้านแต่เดินยังไงก็หาทางลงจากเขาไม่ได้เหมือนกับมันสลับทิศทางไปหมดแกเดินอยู่นานก็คิดว่าคงหลงป่าแล้วละ่ะยุงก็เริ่มมาแล้วแกก็เลยสมควายด้วยเศษไม้ใบหญ้า ใจก็วิตกอยู่เหมือนกันแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวเช้าค่อยว่ากันอาจจะหาทางกลับได้แกก็นั่งมวลยาสูบใบตองที่ติดตัวมาทุกวันน้ำในกระบอกก็จวนจะหมดตาทองก็ยกมือไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาไหว้เทวดาฟ้ า, ฟาดินขอให้คุ้มครองอย่าให้มีสาร้ายมารบกวนเมื่อท้องฟ้ามืดมิดก็เห็นแต่ั้างขาวบินออกหากิน แกนั่งอยู่โคนต้นไม้ใหญ่มีกองไฟสุมไล่ยุงประมาณสองทุ่มตะทองก็ได้ยินเสียงย่ำใบไม้อยู่ใกล้ๆตัวก็ว่าระแวงว่าอาจจะเป็นสัตว์ร้ายหรือเปล่าสักพักก็ปรากฏร่างของผู้ชายแก่รุ่นราวคราวเดียกกะแก่เดินเข้ามาหาอา้าวพี่ชายมาจากไหนล่ะเนี่ยหลงป่าหรือไงตะทองแกถามแต่ว่าผู้ชายคนนั้นไม่ตอบนะนั่งลงข้างๆตะทอง แสงจากกองไฟทําให้เห็นใบหน้าผู้ชายคนนั้นชัดเจนหน้าตาเป็น่นาเกรงขามใบตองกับยาเส้นเหลือเยอะไหมขอขาสูบสักมวนสิอ้าวได้เลยได้เลยอว น, นี่ไม่ขีดไวแล้วนี่ใบตองกับยาเส้นแม่กาลังเห่าอยู่พอดีมีพี่ชายมานั่งเป็นเพื่อนก็นดีหน่อยเออผู้ชายแก่คนนั้นก็หัวเราะฮือๆ อ, อยู่ในลําค อ, อ, อขอบใจนะที่แบ่งยาเส้นให้ แหมนานแล้วไม่ได้สูบเออแล้วพี่ชายอยู่ที่ไหนได้ฉันไม่เคยเห็นหน้าเลยก็อยู่แถวนี้แหละไม่ค่อยได้ออกมาให้ใครเห็นนะครับอยู่คนเดียวก็เหงาเหมือนกันคืนนี้มีเอ็งมานั่งคุยด้วยข้าก็ดีใจผู้ชายคนนั้นว่าแล้วก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดีตัดทองก็คิดในใจผู้ชายคนนี้หลงป่าหรือว่าไม่ใช่เพราะว่ามาตัวเปล่าๆไม่มีมีดไม่มีเสียมติดไม้ติดมือมา แถมไม่ได้โพกผ้าเสื้อผ้าก็ดูสะอาดเสื้อสีเทาดูเงางามเหมือนกับมีเลื่อมลายทองผสมดูงามตาเหมือนกับคนรวยแต่ตาทองก็ไม่ได้ถามอะไรมากรอให้เช้าเพราะคิดว่ายายพยอมคงเป็นห่วงแล้วตาทองก็หิวข้าวก็ยกน้ำที่มีอยู่น้อยนิดขึ้นดื่มผู้ชายแก่ก็บอกว่าหิวละสิน้าก็หมดเหร อ, อน้ำหมดแล้ว ขอโทษนะที่ไม่ได้แบ่งให้พี่ชายไม่เป็นไรหรอกข้าไม่หิวหรอกเอากระบอกน้ำมาเดี๋ยวข้าตักน้ำที่ลำธารมาให้กินไม่ต้องหรอกพี่ชายเดี๋ยวก็นอนพักแล้วแล้วก็อีกอย่างมันก็มืดแต่พี่จะไปยังไงไปได้ข้ารู้ว่าลำธารมันอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วผู้ชายคนนั้นก็เอากระบอกน้ำไปตาทองก็มองตามไปอย่างงงงมองตามร่างชายคนนั้นที่เดินหายไปในความมืด ร่างนั้นหายไปเร็วมากตะทองก็คิดว่าอืมตัวแกคิดมากไปหรือเปล่าในป่าเขาเวลานี้มีเพื่อนร่วมชะตากรรมเพิ่มอีกคนก็ยังดีกว่าอยู่คนเดียวแกคนนั่งคิดอะไรอยู่เพลินๆก็ต้องสะดุง้งเมื่อผู้ชายคนนั้นยื่นน้ำให้พร้อมกับมะม่วงป่าสามสี่ลูกกำลังหาหๆเอา้าพี่ชายทำไมมาเร็วนักล่ะชายแกก็ไม่ตอบว่าอะไรนะแต่บอกให้ตะทองปอกมะม่วงกินแก่หิว ตาทองก็กล่าวขอบคุณที่แถวบ้านเองผู้คนคงเยอะสินะก็เยอะอยู่แต่พี่ชายแต่ฉันแปลกใจมืดอย่างเงี้ยพี่ชายเก็บมะม่วงเห็นได้ไงอ่ะอย่าสงสัยอะไรมากนะเลยกินๆไปเถอะอีกสามสี่วันถึงจะออกจากป่าได้อ้าวทำไมพี่พูดแบบนั้นลนะ่ะพรุ่งนี้เช้าฉันก็จะพยายามหาทางออกให้ได้นะอีกแก่ที่บ้านมันคงจะเป็นห่วงแย่เออนะอยู่คุยงานสักสองําวัน มีข้าอยู่ทั้งคนเป็นเพื่อนจะไปกลัวอะไรไม่ได้กลัวอะไรมากหรอกเป็นห่วงเมียเดี๋ยวเมียเขาเจะห่วงอะ่ะอา้าวแล้วพี่ชายไม่อยากกลับบ้านเหรอไม่กลัวเมียเป็นห่วงเหรอฮะพี่ข้าอยู่ตัวคนเดียวมานานแล้วเองเป็นคนดีข้าก็เลยอยากอยู่คุยด้วยไว้วัหนหลังเรานัดเจอกันตอนหาของปากก็ได้ฉันเต็มใจจะคุยด้วย ผู้ชายคนนั้นก็หัวเราะเสียงกล้องกลางวานไปทั้งป่าตาทองนั่งพิงต้นไม้ผู้ชายคนนั้นก็นั่งพิงด้วยคุยกันถูกคอจนตาทองลืมเรื่องหลงป่าแล้วก็เผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้เตือนขึ้นมากลางดึกก็ไม่พบร่างผู้ชายคนนี้แล้วแกก็สงสัยว่าหายไปไหนแกก็เลยไม่นอนอีกเติมเศษไม้ลงไปในกองไฟให้สว่างคิดว่ามีคนมาตามก็จะได้เห็นแก ก่ขอกองไฟเนี่ยทางด้านยายพยอมแกก็บอกญาติญาติของแกแหละของตดทองพร้อมกับเพื่อนบ้านให้ช่วยกันตามหาตั้งแต่สองทุ่มทุกคนก็พร้อมใจกันตามหาครัวตาทองจะไปหลมอยู่กลางป่าหรือว่าอาจจะถูกสัตว์ร้ายทําร้ายเอาทุกคนก็ร้องเรียกหลายคนก็จุดคบเพลิงแยกย้ายกันหาจนดึกตด ท, ทองเห็นคนมาตามหาอยู่ไม่ไกล ตะทองแกร้องเรียกแต่ไม่มีใครได้ยินหรือว่าเห็นแกทั้งที่ก่อไฟเว้สว่างจ้าตะทองลุกขึ้นเดินไปหากลุ่มชาวบ้านแต่มันเข้าไปใกล้ไม่ได้เหมือนจะมีอะไรกั้นไว้ตะทองก็พยายามร้องเรียกแต่ผู้คนก็เดินผ่านไปในชีวิตที่เดินหาของป่าของแกไม่เคยหลงทางเอ๊ะทำไมวันนี้คืนนี้ถึงเป็นแบบนี้หรือว่าแกจะถูกผีบังบท แกก็นั่งพนมมือนึกถึงคุณพระคุณเจ้าให้ช่วยคุ้มครองจนเช้าแกก็แบกสัมภาระออกเดินหาทางออกจากป่าใจก็คิดว่าผู้ชายคนนั้นนะคงจะเดินหาทางออกจากป่าล่วงหน้าไปแล้วจะเดินจนหมดแรงใกล้บ่ายก็หาทางออกไม่ได้แต่แกก็ยังเดินต่อไปตะทองก็เห็นชาวบ้านเดินร้องเรียกแกอยู่ไม่ห่างตาทองก็วิ่งไปหาอีกขรอยู่เน่ขอยู่เน่เฮ้ย แต่ทุกคนมองไม่เห็นแก่แล้วแกก็ไม่สามารถเดินเข้าหากลุ่มชาวบ้านได้ทั้งที่อยู่ใกล้ก <alis kidding S 1> ันจนกระทั่งท้องฟ้าเริ่มมืดขังข่าวบินออกหากินถ้าทองแกคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้แกคงตายอยู่ในป่าแน่อ่าวันทั้งวันก็กินแต่น้ําท้องก็ร้องแกเอาไม้ขีดจุดไฟให้มีแสงสว่างนั่งกอดเข่าอยู่ใต้ต้นว่าสักพักก็ได้ยินผู้ชายคนแก่เมื่อคืนเนี่ร้องทักหิวเหรอ อ่ะนี่กล้วยกินซะผู้ชายคนนั้นก็ยืนให้เอา้าพี่ชายยังหาทางกลับไม่ได้เหรออืมข้าออกจากป่านี้ไม่ได้หรอกเองอยากกลับบ้านมากเหรอะใช่ฉันอยากกลับบ้านเห็นคนมาตามหาแต่ฉันเข้าไปหาเขาไม่ได้อะ่ะเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งคงจะบดบังตัวฉันไว้ขอให้ลูกช้างกลับบ้านได้ด้วยเถอะเออกลางคืนบนเนี่ยมันยังหนาวเน็บเหลือเกินเออ ข้าเห็นใจเองวะเดี๋ยวพรุ่งนี้เองก็จะกลับได้แล้วกินกล้วยซะก่อนจะได้มีแรงน้นอนซะพรุ่งนี้ก็จะได้กลับบ้านอา้าวแล้วพี่ชายรู้ได้ไงว่าฉันจะได้กลับบ้านขารู้คนลวกันนะเชื่อกระเถอะชายแกว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วก็เอนกายนอนบนพื้นที่ที่มีแต่ใบไม้ข้างๆตัวตะทองตะทองก็รู้สึกอบุญใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก กินกล้วยเกือบหมดหวีดื่มน้ำด่แกคิดว่าเหลืออยู่นิดหน่อยเพราะว่าช่วงกลางวันแกจิบทีละนิดทีละนิดพกรวมหมดแต่ก็ต้องแปลกใจที่น้ำนั้นเต็มกระบอกมันเป็นไปได้ยังไงแกหันไปมองร่างผู้ชายที่นอนอยู่ข้างๆแกก็ต้องตกใจที่เห็นเป็นโครงกระดูกเฮ้ย hey, ผีหลอกแกขยี้ตาโดดางออกไปแกมองไปอีกทีก็เห็นชายคนนั้นลุกขึ้นนั่งมองแกอ่า เองเป็นอะไรไอ้ทองอ๊ด ฉ, ฉันเห็นพี่ชายมีตะโคลงกระดูกอะเฮ้ยตาขวาดไปแล้วข้าก็เป็นน้องข้าอย่างเงี้อะแล้วแล้วรู้ได้ไงว่าฉันชื่อทองก็ข้าได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกเองนอนเยอะแต่ทองนี่อดปรวาไม่ได้นอนหลับหลับตื่นตื่นแต่พอใกล้สว่างก็ไม่เห็นชายคนนั้นแล้วทางด้านยายพยายอมกับญาติก็นําเครื่อง เส้นไหวมาไหวเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งเล่าทั้งเป็ดทั้งไก่ผลไม้หลายอย่างเท่าที่จะหาได้เสร็จแล้วก็ออกตามหาตาทองกันอีกเกือบเที่ยงก็ไปพบตะทองอยู่ที่ตีนเขาของอีกฟากหนึ่งคราวนี้ตาทองเรียกทุกคนได้ยินทุกคนก็ดีใจยายพยอมก็รออยู่ที่บ้านพอรู้ว่าเจอตาทองแล้วก็ดีใจอย่างมากก็ร้องไห้ด้วยความดีใจตาทองก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่อยู่ในป่าให้ทุกคนฟัง ผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตะทองถูกผีเจ้าป่าบังบทแล้วก็ชายคนนั้นก็คงจะเป็นผีเจ้าป่าที่นั่นแหละยังดีที่แกมีเมตตาทําให้ตาทองได้กลับบ้านบางคนนะโดนบังบทจนเสียชีวิตก็มีนี่ก็คงเป็นเพราะตาทองจะเป็นคนดีเจ้าป่าเจ้าขาวถึงแค่อยากคุยด้วยแล้วก็ปล่อยตัวมาเรื่องเนี้ยพี่สอนซึ่งเป็นคนทางอีสานเล่าให้ฟังครับ แล้วก็แก่ก็ยืนยันด้วยว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยครับบ้านของคุณสวงอยู่ใกล้กับสะพานที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้านแล้วก็มักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่เป็นประจำอันนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน บางครั้งก็ตายหมู่จนสะพานที่ว่านี้ได้รับการขนานนามว่าสะพานผีสิงหรือสะพานมรณะไม่ไกลาจากหมู่บ้านเท่าไหร่นักจะมีป่าช้าของวัดซึ่งชาวบ้านใช้จะเป็นที่ฝังศพของคนตายโหงซึ่งจะเป็นคนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงป่าช้าที่ว่านี้อยู่ลึกจากถนนใหญ่เข้าไปไม่ลึกเท่าไหร่นักแล้วก็มีถนนตัดผ่านสําหรับให้ชาวบ้านสัญจรไปมาหาสู่กัน ตามชนบทในผ้าอีสานนั้นจะมีประเพณีตลอดทั้งปีแล้วก็มีทุกเดือนที่เ็เรียกกันว่าหีสิบสองแต่ว่าบางท้องที่ก็ขาดขาดหายหายไปบ้างเพราะความไม่พร้อมในหลายๆลยอย่างคุณสวงเป็นคนบ้านนอกก็เลยได้คลุกคลีกับงานประเพณีมาตั้งแต่เด็กมีทั้งงานเศร้างานรื่นเริงแต่ไม่ว่าจะเป็นงานเศร้าหรืองานรื่นเริงก็ตามมักจะนามาซึ่งเห่ร้าย แล้วก็จบลงด้วยความเศร้าซ้าซ้อนเสมอโดยเฉพาะการทะเลาะวิวาทหรือว่าคมเน้นกันในงานแล้วก็ทำร้ายกันจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถึงตายอีกอย่างก็มาจากอุบัติเหตุของคนที่เดินทางมาร่วมงานหรือว่าขณะที่เดินทางกลับก็มีหมู่บ้านของคุณสวงมีทางเข้าได้หลายทางแต่ที่ใกล้และสะดวกที่สุดก็คือเส้นทางที่ตัดผ่านป่าช้าของหมู่บ้านนั่นแหละ เพราะถ้าไปเข้าหมู่บ้านอื่นที่ถนนดีกว่านี่จะต้องอ้อมไกลปราชาหมู่บ้านก็รกทึบหน้าสะพึงกลัวตกคํำก็มักจะได้ยินเสียงแปลกๆดังหวยหวนโดยเฉพาะในคืนวันพระชนิดได้ยินแล้วขนลุก ข, ขนชันเคยมีพระธุดงมาปักหลดบ่อยๆบางรูปก็เพ่นหนีจนจีวปรปลิวกันคืนนั้นแหละแต่ก็มีหลายรูปที่อยู่ได้นานหลายวัน หากไม่เกี่ยวกับเรื่องศพแล้วชาวบ้านก็ไม่อยากจะเข้าไปในป่าช้ากันนักหรอกเพราะมีแต่ศพคนตายหงทัทางนั้นเรื่องความดุร้ายไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามีคนหลายคนเจอมาแล้วคุณสวงเคยไปร่วมงานฝังศพญาติญาติบ่อยครั้งจะว่ากลัวก็กลัวจะว่าไม่กลัวก็ไม่กลัวเพราะในเมื่อคนอื่นเขายังไม่กลัวแล้วก็อีกอย่างที่นาของคุณสวงก็อยู่ติดด้านหลังของป่าช้าด้วย พ่อของแกมักจะไปนอนปักเบ็ดที่นั่นพอสองสามทุ่มก็กลับเข้าบ้านพ่อเคยเอาคุณสวงไปเป็นเพื่อนด้วยครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนั้นเล่นเอาแกถึงกับเข็ดขยาดไม่กล้าไปอีกเลยเพราะหลังจากปักเบ็ดแล้วได้ยินเสียงโครมโครมดังมาจากเบ็ดอันหนึ่งพอแกวิ่งไปกู้ก็เจอเอาเบ็ดเปล่าแถมเหยื่อที่เสียบไว้ก็ใหญ่และเหม็นโชยหึง่งคล้ายๆไส้หมูเน่า คือนั่นแกกับพ่อถึงกับทิ้งคันเบ็ดแล้วเพนแข่งกันอุตลุดได้แผลฟกช้ำดำเขียวไปตามตามกันและหลังจากนั้นคุณสวงก็ไม่กล้าออกไปปักเบ็ดที่นั่นในตอนค่ำอีกเลยกระทั่งโตเป็นหนุ่มแล้วความกลัวผีก็ค่อยๆลดไปเยอะสาเหตุหนึ่งก็คงจะมาจากที่แกไปยืนดูศพที่เกิดจากอุบัติเหตุบริเวณสะพานผีสิงบ่อยๆนั่นเอง เมื่อเห็น บ, บ่อยก็เริ่มชินแล้วก็กล้าพอที่จะเข้าไปช่วยเหลือจับโน่นจับนี่จนกระทั่งหายกลัวไปในที่สุดคุณสวงมองคนตายที่ไม่ปกติธรรมดาแล้วก็อดสังเวชไม่ได้บางศพกรแขงขาดบางศพกระคอขาดเป็นที่น่าสยดสยองแต่ก็ยอมรับเหมือนกันว่าเป็นคนที่กลัวผีอยู่เหมือนกันเพราะศพกับผีหรือวิญญาณนนะั้นมันคนละเรื่องกันศพก็คือศพส่วนผีก็คือผีนะ เรื่องที่แกจะเล่าให้ฟังเนี่ยอันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองตอนนั้นแกเองก็เพิ่งจะแต่งงานมีครอบครัวใหม่ๆแฟนเป็นคนหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันและแกก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างบ้านตัวเองกับบ้านพ่อตาแม่ยายบ่อยๆมีอยู่วันหนึ่งแฟนเขาอยากจะกลับไปนอนบ้านพ่อแม่เพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันจะถึงงานประจําปีของวัดหรือว่างานบุญบ้านแล้ว ซึ่งคนที่อยู่จะต้องจัดเตรียมปัดกวาดทําความสะอาดบ้านเรือนเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะเอาพระป่ามาทอดที่วัดแล้วก็ในช่วงนี้ญาติพี่น้องที่ไปทํางานอยู่กรุงเทพและต่างจังหวัดก็ไปจะพากันกลับภูมิลําเนาใครที่มาไม่ได้จะฝากโน่นฝากนี่มาแทนเป็นเงินบ้างเป็นข้าวเป็นของบ้างบุญบ้านของแฟนคุณสวง์จัดก่อนบุญบ้านคุณสวงคประมาณหนึ่งเดือน ตอนแรกก็ว่าจะนอนค้างที่บ้านพ่อตาแม่ยายเหมือนกันแต่ก็เป็นห่วงวัวควายอ่าที่เลี้ยงเอาไว้ห้าหกตัวยิ่งขโมยก็ชุมขนาดกลางวันแสกๆพวกมันยังต้อนเอาไปเฉยเลยเมื่อไปถึงบ้านพ่อตาแม่ยายเราก็ต้องช่วยทํางานบ้านทั้งปัดกวาดทั้งทําความสะอาดอะไรที่รกรุงรังรกหูรกตาก็เก็บเก็บไปทิ้งซะบ้างอะไรที่เผาได้ก็เผาทิ้งไปคุณสวงก็อยู่ช่วยงานพ่อตาแม่ยายจนกระทั่งครบค่ํำถึงได้ขอตัวกลับ และพ่อตาก็ได้เอาข้าวที่เพิ่งไปเอามาจากโรงสีใหม่ๆให้คุณสวงเอาใส่ท้ายรถกลับไปกินหนึ่งกระสอบปุ๋ยเย็นนั้นคุณสวงก็กินข้าวร่วมกับพ่อตาแม่ยายและญาติญาติของแฟนอีกหลายคนนอกจากข้าวปลาอาหารแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเหล้าและเหล้าที่เอามาประดับวงข้าวก็คือสาโทที่พ่อตาหมักเองแล้วเพิ่งจะผ่าน้ําเมื่อเช้านี้เองพ่อตาทําไวหลายไหยเพื่อต้อนรับคนที่จะมาร่วมงานวัด และไหที่แกเอามาฉลองก่อนก็เพื่อจะชิมดูว่าได้ที่หรือเปล่าแต่รสชาติของสาโทคือนั้นก็ถือว่าเยี่ยมเพราะว่าออกหวานแล้วก็เปรี้ยวนิดๆคุณสมวงเองไม่ค่อยถนัดสาโทเท่าไหร่เพราะเคยกินแล้วเมาค้างอยู่สองสาวันแทบจะลุกไม่ขึ้นพอคอแห้งก็ขวาขันน้ําขึ้นดื่มไม่นานหรอกท้องไส้มันก็เริ่มปานป่วนโอกอากแล้วอาเจียนออกมาอีกเล่นเอาเข็ดขยาดมาตั้งแต่นั้น แต่เมื่อพ่อตาขยันขยอให้ชิมก็ต้องชิมอย่างเสียไม่ได้เพราะชิมได้แก้วแรกก็มีแก้วที่สองตามมาแต่แกก็พยายามดื่มน้อยที่สุดเพราะจะต้องขับรถมอเตอร์ไซค์กลับไปนอนพ้าวัวควายที่บ้านแล้วก็อีกอย่างแกก็รู้ซึกลถึงฤทธิเดชของสาโทดีก็เลยดื่มแต่พอเหมาะพอควรตอนแรกกกะว่าสักทุ่มกว่าก็จะกลับแต่ทําไปทํามาก็เกือบสามทุ่มแล้วพ่อตาแม่ยายก็บอกให้นอนด้วยกัน แต่ว่าคุณสวงเป็นห่วงวัวและควายก็ขอตัวกลับแลแฟนก็ตามลงมาบอกให้คุณสวงขับไปตามถนนใหญ่ไม่ให้ขับผ่านหน้าประชา้าเพราะว่ามันมืดค่ำแล้วนั่นเองแฟนคุณสวงออกจะเป็นห่วงอยู่เหมือนกันตอนที่ลงมาส่งก็สองจิตสองใจว่าจะกลับไปด้วยหรือเปล่าแต่คุณสวงก็บอกว่าจะกลับคนเดียวได้ไม่ต้องเป็นห่วงพรุ่งนี้เช้าต้อนบัวต้อนควายไปเข้าปูงแล้วจะแวะมาอีกที ซึ่งแฟนแกก็พยักหน้าเอาตามนั้นคุณสวง์ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านตามลำพังแต่เมื่อพ้นท้ายหมู่บ้านก็ตัดสินใจเลือกใช้เส้นทางลัดเพราะถ้าออกไปทางถนนใหญ่ก็ต้องขับเลยไปอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้ววกกลับมาทำให้เสียเวลาเปล่าๆแล้วแถมยังเปลืองน้ำมันซะอีกด้วยก็เลยตัดสินใจใช้ทางลัดแม้ว่าจะต้องผ่านประชาก็ตาม ในใจนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเส้นทางนี้ก็เที่ยวไปเที่ยวมาตั้งแต่เล็กจนแต่งงานก็ไม่ได้คิดกลัวอะไรตอนออกมาจากหมู่บ้านก็ฮัมเพลงอยู่ในใจมาตลอดแต่พอใกล้จะถึงปา่าช้ากลับฮัมไม่ออกเอาดื้อๆแถม ท, ทําท่าขนลุกขนชันขึ้นมาอีกตัางหากแต่ไหนๆก็ตัดสินใจมาทางนี้แล้วแล้วก็เหลืออี ก, มอกไมก่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงบ้านแล้ว ก็เลยบิดคันเร่งให้เร็วขึ้นแล้วก็พยายามมองใกล้เอาไว้ไม่หันซ้ายหันขวาหรือมองไปข้างหน้าไกลนักตอนถึงเขตป่าช้านั้นไม่เท่าไรแต่พอถึงทางแยกที่จะเข้าไปในป่าช้านั่นแหละได้เรื่องมีเงาดำพุ่งออกมาจากข้างทางที่อยู่ตรงข้ามกับป่าชา้าเหมือนคนที่กำลังวิ่งตัดหน้าเล่นเอาคุณสวงถึงกระจายหายวาับเหยียบเบรกเหยียบเหียบมั่วไปหมดก่อนที่จะเสียหลักล้ม คนไปทางรถไปทางและกระสอบข้าวสารก็ขาดหลุดจากท้ายรถมอเตอร์ไซค์ล่นไปกองอยู่ทางเข้าป่าช้าพอดีคุณสวงก็หลุดปากออกมาเฮ้ย hey, ใครวะบ้าชิบหายไม่มีเสียงตอบมิตรลมที่พัดกันโชคมาวูบใหญ่พร้อมกลิ่นเหม็นอับโชยเข้าจมูกทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้กลิ่นอย่างนี้มาก่อนเครื่องยนต์ยังดังกระหึ่มอยู่แต่พอแกก้มลงจับจะตั้งขึ้นเานั้นแหละ มันก็ดับออกไปดือด้อแกก็รีบยกขาคร่ำไปอีกทางแล้วก็ดันคันสตาร์ทออกก่อนจะสตาร์ทอย่างรวดเร็วเหมือนหัวเทียนบอดเพราะว่าสตาร์ทเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ติดตอนนั้นคุณสวงก็เริ่มรู้แล้วว่ากําลังประเชิญกับอะไรอยู่แต่ความโมโหมันกลับมีมากกว่าความกลัวก็หลุดปากออกไปอีกแม่งติตดสักทีสุวะไอหัวเทียนบ้าเพิ่งจะเปลี่ยนใหม่ไม่กี่วันนี่เองว่าแล้วออกแรงสตาร์ทจนเท้าระบบไปหมด แต่สตาร์ทยังไงก็ไม่ติดจนต้องลงจากรถมอเตอร์ไซค์ลกเข็นเอาไปเพื่อไปให้พ้นจากบริเวณนี้แต่เข็นได้หน่อยเดียวก็สะดุดกึกเหมือนกับมีใครมาแตะเกียร์จนกระทั่งคุณสวงแทบจะขมัมแต่ที่แน่ๆก็คือความระบมที่เกิดขึ้นและไม่รู้ว่าจะมีบาดแผลที่ไหนด้วยหรือเปล่าโห้เว้ยคนยิ่งกลัวผีอยู่ด้วยกลัวหรอกลัวก็เรื่องของเองนี่ข้าไม่เห็นกลัวอะไรด้วยนะ มันเป็นเสียงที่ดังขึ้นท่ามกลางสายลมที่พัดอยู่คุณสวงหันไปทางต้นเสียงก็เห็นแต่เงาดำเรือนลางไม่ชัดเท่านั้นแล้วก็ต้องปล่อยรถมอเตอร์ไซค์ลกโวยอ้าวอย่างไม่คิดชีวิตปากก็ร้องตะโกนไปตลอดทางช่วยด้วยปีหลอกช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกเฮ้ยกลับมาเอารถก่อนนี่เฮ้เฮเฮ้กลับมาเอารถก่อ น, น มีเสียงดังไล่หลังแต่แกไม่สนใจอะไรอีกแล้วไม่รู้แม้กระทั่งที่ว่าตัวเองวิ่งอยู่นั้นน่ะไปทางไหนแล้วก็หลุดจากถนนเอาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จนกระทั่งรุ่งเช้าถึงได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนอยู่ปากทางเข้าป่าชา้าแสดงว่าทั้งคืนเนี่แกวนเวียนอยู่แถวเนี้ไม่ได้ไปไหนทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งข้าวสารก็ระเนรานาดอยู่ใกล้ๆนั่นเองแล้วอย่างนี้จะให้คุณสวงคิดเป็นอื่นไปได้ยังไงล่ะครับถ้า ไม่ใช่ผีเมื่อต้นปี2530คุณปรีดาได้รับข่าวสะเทือนใจข่าวหนึ่งซึ่งตอนนั้นคุณปรีดากำลังศึกษาอยู่ที่กรุงเทพข่าวที่ว่าก็คือหลานวัยเก้าขวบของแกถึงแกความตาย แกก็แทบช็อกเลยทีเดียวเพราะว่าหลานคนนี้รักแก ม, มากหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูไปที่ไหนไหนก็มีแต่คนเอ็นดูมีขนมก็ให้กินมีเงินก็ให้ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากๆก่อนนั้นประมาณหนึ่งปีคุณปีดาเคยเดินทางไปเยี่ยมบ้านและหลานๆก็ตรวจดูลายมือของหลานทุกคนลายมือหลานคนเนี้ยแปลกมากสั้นจนหน้าแปลกใจคุณปรีดาก็สะดุดใจและเก็บเอาความฉงนใจเอาไว้ในใจคนเดียว ว่าเด็กคนนี้อายุน่าจะไม่ยืนแต่ไม่เฉลียวใจพูดได้ใครฟังพอมาทราบข่าวก็ตกใจมากๆไม่น่าจะจากไปรวดเร็วอย่างนี้คือวันนั้นในกลางเดือนพฤศจิกายนปี2530ทั้งภาคใต้น้ำกำลังจะนองเพราะเป็นช่วงเดือน12หลานชายของคุณปีดาแสดงลักษณะแปลกหลายประการเช่น ไปโรงเรียนก็ไม่เป็นอันเรียนหนังสือนั่งมือลอยอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปกติเด็กจะมีนิสายร่าเริงเข้ากับเพื่อนปูงเก่งแต่วันนั้นหงอยเหงาเงียบขรึมไม่เล่นหัวกับเพื่อนอย่างเคยหลบไปนั่งอยู่คนเดียวจนครูประจาชั้นแปลกใจเข้าไปสอบถามหลายประการแต่ก็ตอบอย่างเลื่อนลอยลักษณะเหมือนคนไม่มีสติไอศครีมรสที่เคยชอบก็ไม่กินกลับไปกินไอศครีมรสที่ไม่เคยกินเลย ปกติจะกลับโรงเรียนพร้อมกับพี่ชายเพราะอยู่โรงเรียนเดียวกันกลับกันด้วยรถจักรยานแต่วันนั้นแปลกกว่าทุกวันขอเดินกลับเองพร้อมกับเพื่อนสามสี่คนเมื่อมาถึงบ้านแกจะต้องรีบอาบน้ำทำการบ้านทานขนมที่น้านาแล้วก็แม่เตรียมเอาไว้ให้แต่วันนั้นก็แปลกอีกทุกคนในบ้านไม่เห็นแกมาบ้านเลยทั้งทั้งที่แกนำกระเป๋านังสือมาเก็บแล้วก็เปลี่ยนชุดนักเรียนแล้วนำไปเก็บไว้อย่างดีในตู้ แม้กระทั่งนาสาวของแกเองก็บอกว่านั่งอยู่หน้าบ้านเตรียมขนมไวรอรับหลานกลับจากโรงเรียนก็ไม่เห็นแกเดินมาบ้านเลยมารู้อีกทีแกก็จมน้ำตายซะแล้วณที่ตรงนั้นคลองหลังบ้านพักอำเภอเขาชัยสนซึ่งมีสะพานโคง้งรถไฟพาดผ่านได้มีเหตุการณ์คนตกน้ำตายทุกปีปีหนึ่งก็คนสองคนเสมอหมุนเวียนไปมานานตั้งแต่ไหนใครก็จาไม่ได้ สอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ทุกคนก็บอกว่าพอถึงเดือนตุลาพฤศจิกายนของทุกปีถึงจะป้องกันยังไงก็จะต้องมีคนผลัดกันจมน้ำตายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งทั้งที่น้ำก็ไม่ลึกมากแต่ว่ามิตรศีษะผู้ใหญ่ยืนชูมือเท่านั้นแม้ในปี2 5 3 3ก็มีข่าวลงหนังสือพิมพ์ทีเดียวสองศพก็ที่ตรงบริเวณนั้นนั่นแหละตรงนั้นวันนั้นวันที่หลานตายเนี่ยเพื่อนเพื่อนแกวิ่งมาบอก ว่าหลานคุณปรีดาตกน้ำตายเวลาประมาณ4โมงเย็นทุกคนก็วิ่งออกไปช่วยเหลือค้นหาศพกันจ้ารวันด้วยการเปิดประตูน้ำระบายน้ำออกจนเหลือลึกประมาณเอวผู้ใหญ่มีชาวบ้านช่วยกันค้นหาศพตั้งแต่เวลา4ม่มงเย็นจนถึง6โมงเย็นก็ยังไม่พบ ปายาติผู้ใหญ่ก็เลยเดินทางไปหาคนทรงเจ้าที่ตำบลใกล้เคียงว่าเป็นอย่างไรเจ้าผู้เข้าทรงก็บอกว่าเวลาทุ่มเจ็ดนาทีนีนจะต้องพบศพแน่นอนก็เลยให้แม่ของเด็กจุดธูปสามดอกบูชาที่กองเสื้อผ้าของเด็กปรากฏว่าหนึ่งทุ่มเจ็นาทีตรงญาติที่ช่วยงมหาศพก็ได้พบศพของหลานชายตรงที่ที่ค้นหากันอยู่นั่นเองลักษณะศพนั่งสมาธิตายอยู่ติดกับพื้นดิน ทั้งๆ ท, ที่น้ําก็ไหลแต่ศพกลับนั่งเฉยอยู่และที่ตรงนั้นก็มีการค้นหากันอยู่หลายคนก่อนหน้านี้ก็หาไม่เจอเพอถึงเวลาที่เจ้าบอกก็ได้พบศพบได้เออนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากแม่ของผู้เป็นเด็กเล่าให้ฟังว่าก่อนท้องอ่าเด็กคนนี้ฝันไปว่าได้มีผู้หญิงชาราเดินถือไม้ทามาหาพร้อมกับจูงเด็กน้อยผู้ชายแม่นุ่งผ้าหน้าตาน่ารักผิวขาวหน้าเห็นดูมาก บอกว่าจะขอฝากเด็กคนนี้เลี้ยงสักระยะหนึ่งได้ไหมตอนแรกพี่สาวก็ปฏิเสธแต่พอมองไปเห็นเด็กหน้าตาน่ารักก็เลยรับไว้โดยยายผู้ชาราบอกว่าขอฝากเลี้ยงสักหกเจ็ดปีนะแล้วจะมารับกลับต่อมาสักแปดถึงเก้าเดือนพี่สาวก็คลอดเด็กคนนี้ซึ่งมีหน้าตาตรงกันในฝันเปรียบทีเดียวแต่เธอก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟัง จนกระทั่งวันเด็กตายลงศพของเด็กตั้งไว้หน้าบ้านเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในคืนนั้นมีผู้พบเห็นคนแก่ชราผู้หญิงแต่งชุดดําผมเเผวรุงรังมานั่งอยู่ที่ข้างโลงศพหน้าบ้านนั่นเองซึ่งดึกสงัดมากแล้วตอนแรกผู้พบเห็นก็แปลกใจว่าใครมานั่งเฝ้าศพเด็กน้อยนี้แต่พอเดินก็ไปใกล้คนแก่ชรานั้นก็หายไปไม่ปรากฏว่ามีใครเลยรุ่งเช้าจึงนําเรื่องไปเล่าให้ใครต่อใครฟัง เรื่องต่างๆของเด็กน้อยหลานชายของคุณปีดาคนนี้ก็ได้เปิดเผยขึ้นโดยแม่ของแกเองสิ่งที่น่าแปลกและน่าศึกษาก็คือคุ้งคลองหลังบ้านพักอำเภอเขาไชยสนนั้นก็ยังปรากฏว่ามีคนทั้งเด็กผู้ใหญ่ตกน้ําตายอยู่ทุกปีจนกระทั่งบัดนี้แล้วจะไม่เรียกว่าแรงริษเจ้าที่ได้อย่างไรถ้าไม่เชื่อก็ลองสอบถามชาวบ้านเขาไชยสนอำเภอเขาไชยสนจังหวัดพัทลุงดูนะครับ คุณปีดาว่าอย่างนั้นครับเรื่องแรงฤทธิ์เจ้าที่นี่ครับในจังหวัดสุพรรณบุรีมีวัดเก่าแก่เป็นจำนวนมากวัดบางยี่หนก็เป็นวัดที่สร้างประมาณปีพศ2350มีชื่อเดิมว่าวัดบางชีหนมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบางยี่หนเมื่อพศ2420เจ้าอาวาสองค์แรกมีนามว่าหลวงพ่อแดง จะอาวาัตองค์ต่อมาก็คือหลวงพ่อม่วงหลวงพ่อหวาดหลวงพ่อดาหลวงพ่อป่วนหลวงพ่อเลื่อนและปัจจุบันก็คือท่านพระครูสุวรรณกุณากรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดบางยี่หนก็ได้แก่หลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่จากคําบอกเล่าของชาวบ้านชื่อลุงบุญมาว่าหลานชายของแกไปซื้อรถกระบะวันแรกที่ถอยรถไปแดงออกมาก็เกิดเรื่องทันที หลานชายได้ไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลโดยจอดรถไว้ที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลพอเยี่ยมเพื่อนเสร็จก็จะกลับบ้านเดินมาตรงที่จอดรถก็ต้องใจหายพอรถหายไปแล้วหลานก็รีบไปแจ้งความตำรวจก็รีบตั้งด่านสกัดแต่ก็ไม่พบรถหลานชายเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่าลุงแกก็บอกว่าลุงเข้าจใจความรู้สึกของเขา คนอื่นๆหากเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็ยากที่จะทําใจรถคันเนี้หลานซื้อมาด้วยเงินสดราคาเกือบเจ็ดแสนบาทสู้อุตสาหเก็บเงินเก็บทองมาตั้งหลายปีทุกคนในบ้านก็ได้แต่ปลอบใจลุงนะนับถือหลวงพ่อขาวมาตั้งแต่เด็กหากจะถามว่าทําไมถึงนับถือท่านลุงก็ตอบไม่ได้เหมือนกันทั้งทั้งที่ท่านก็ไม่เคยแสดงอภินิหารอะไรให้ลุงเห็นแม้แต่ครั้งเดียว แต่ลุงมีความเชื่อว่าท่านเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วลุงบุญมาก็บอกกับหลานชายว่าน่าจะลองไปบนหลงพ่อขาวให้ช่วยตามรถแม้ว่าความหวังมันค่อนข้างจะลังเลือนก็ตามตอนแรกนี่เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องที่ลุงพูดลุงเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่ก็ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนที่นั่งฟังอยู่ข้างๆเขาพูดขึ้น ว่าหลวงพ่อขาวน่ะศักดิ์สิทธิ์จริงๆเมื่อไม่นานมานี้รถเครื่องพ่อเขาหายพ่อมาบนหลวงพ่อขาวคืนต่อมาตำรวจตามรถเครื่องคันนั้นเจอเมื่อหลานชายลุงบุญมาได้ฟังเขาก็เริ่มเกิดความเลื่อมใสศรัทธาก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้หลวงพ่อขาวพร้อมกับบนขอให้ได้รถคืนลุงบุญมาเล่าว่าเย็นวันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งข่าวให้ทราบ พบรถคันที่ถูกโจรกรรไปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมองได้ว่ามีเรื่องของความบังเอิญเข้ามาเกี่ยวข้องการที่หลานชายของลุงพลได้รถกลับคืนอาจจะเกิดจากความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่บังเอิญเจ้าของรถได้มาบนหลวงพ่อขาวคนไทยมีความเชื่อและศรัทธาในอำนาจเรนลับสิ่งใดๆที่เกิดขึ้น ถ้ายังไม่มีคําตอบหรือว่าหาคําตอบไม่ได้ก็มักจะโยนไปให้เป็นเรื่องของอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากการสอบถามชาวบ้านบางยี่หนุนเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อขาวก็วได้รับการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงโอ้ยหลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับนอกจากเรื่องตามของหายแล้วครับอิทธิฤทธิ์หรือความศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่พวกชาวบ้านให้การยอมรับก็คือเรื่องห้ามไม่ให้ฝนตก เวลาชาวบ้านหรือว่าที่วัดในมีการจัดงานหากฝนฟ้าทำท่าว่าจะตกชาวบ้านก็จะมาบอกหลวงพ่อขาวขอให้ท่านช่วยห้ามฝนเมื่อปีที่แล้วอดีตผู้ใหญ่บ้านวิชัยได้จัดงานแต่งงานลูกชายปรากฏว่าเย็นนั้นมีงานเลี้ยงแขกเรือมาในงานหลายร้อยคนเมฆฝนก็ตั้งเขามาแต่ไกลเสียงฟ้าร้องหึมหึม ผู้ใหญ่วิชัยก็เลยไปบอกหลวงพ่อขาวปรากฏว่าขณะมีงานเลี้ยงเนี่ยไม่มีฝนตกลงมาแม้แต่หยดเดียวแต่พองานเลี้ยงเลิกโอ้โหทีนี้เทลงมายังกับฟ้ารั่วซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากครับซึ่งเรื่องนี้ผู้ใหญ่วิชัยท่านก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงวัดบางยี่หนน่ะเป็นวัดเก่าแก่มีอายุเป็นร้อยร้อยปี สิ่งที่คนทั่วไปให้ความสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของพูดผีปีศาจถามว่าวัดบางยี่หนนี่ผีดุหรือเปล่าผู้ใหญ่วิชัยก็ตอบทันทีว่าโอ้โ oh, ห oh, สมัยก่อนวัดนี้ผีดุมากผู้ใหญ่วิชัยบอกว่าเรื่องเนี้ยผมเจอกับตัวเองเลยครับตอนยังเป็นเด็กผมจะมาวิ่งเล่นในวัดด้านหลังวิหารหลวงพ่อพระนอนนะมีศาลเจ้าที่หลังหนึ่ง ในศาลในมีตุกตาเสียกบาลซึ่งชาวบ้านนำมาเพื่อจะสะเดาะเคราะห์แต่ด้วยความเป็นเด็กก็เลยไม่รู้เรื่องเห็นตุกตาสวยดีแล้วก็มีหลายตัวหากเราแอบขโมยไปสักตัวก็คงไม่มีใครรู้หรอกผมก็เลยแอบขโมยกลับบ้านปรากฏว่าคืนนั้นนะครับโดนเล่นงานทันทีผู้หญิงแก่ๆเดินเข้ามาชี้หน้าบอกให้ผมรีบเอาตุกตาไปไว้ที่เดิม พอพูดจบก็ใช้มือตีที่ขาข้างขวาตอนนั้นรู้สึกเจ็บมากเลยเสร็จแล้วผมก็ตกใจตื่นปรากฏว่าขาข้างขวาผมขยับไม่ได้เลยมันรู้สึกปวดมากมองดูปรากฏว่าเห็นเป็นรอยมือคนอย่างชัดเจนผมก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในพ่อแม่ฟังทุกคนต่างตกใจจากนั้นก็พาผมมาที่ศาลเพื่อเอาตุ๊กตาไปคืนพร้อมกับทำพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมได้กระทาล่วงเกิน ผมไม่เข้าใจเลยจริงๆความผิดเล็กๆน้อยๆซึ่งผมไม่ได้ตั้งใจและเราก็ยังเป็นเด็กแต่ทาไมถึงโดนลงโทษแรงเหลือเกินทุกวันนี้ศาลเจ้าที่นั่นก็ยังตั้งอยู่ที่เดิมภายในศาลก็ยังมีตุ๊กตาเสียกบาลซึ่งชาวบ้านเขานำมาสะเดาะเคราะห์ตั้งเรียงรายแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งอีกแล้วครับเมื่อถึงหน้าหนาวคนก็มักจะนึกถึงเชียงใหม่ท่านบุ้ฟัง คนที่ไปเชียงใหม่แล้วเดินทางไปถึงเชียงใหม่แล้วต้องการไปให้ถึงก็คือการขึ้นไปน้ำสการทัาทาาที่บนดอยสุเทพแล้วก็กลับลงมากราบไหว้อนุสาวรีของครูบาศรีวิชัยรพระภิกษุผู้บุกเบิกและตัดถนนขึ้นสู่ยอดดอยจนกระทั่งเป็นเส้นทางที่ใช้กันในปัจจุบันนี้แต่ว่าน่าเสียดายที่ท่านทั้งหลายไม่ได้เดินทางขึ้นไปให้ไกลกว่านั้น เพราะถ้าจะว่าไปแล้วบนยอดดอยสุเทพยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่รอให้ท่านได้ขึ้นไปสัมผัสและค้นหาไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านชาวเขามากมายที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของกลุ่มของเผ่าเอาไว้ไม่ยอมให้วัฒนธรรมคนเมืองขึ้นมาแปดเปื้อนในขณะเดียวกันท่านที่สนใจในเรื่องของโบราณคดี ที่บนยอดดอยแห่งนี้ก็ยังมีเรื่องราวสนุกสนานของตำนานเก่าแก่ แ, กแห่งเมืองเชียงใหม่โบราณสถานมากมายหลายท่านที่ยังไม่รู้ที่มาที่ไปและในขณะเดียวกันก็มีเรื่องราวที่ลึกลับชวนให้พิศวงสงสัยบนยอดดอยสุเทพก็มีมากมาย เ, เช่นเดียวกับโบราณวัตถุโบราณสถานที่ยังคงรกร้างอยู่กลางป่ากลางเขาท่านผู้ฟังเคยได้ยิน คำว่าสันกูไหมครับโบราณสถานที่เก่าแก่นานกว่าพันปีที่ว่าเนี่ยตั้งอยู่บนจุดที่สูงเหนือขึ้นไปจากดอยสุเทพเยื้องไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกว่าจะปีนเขาขึ้นไปถึงนั้นก็ต้องใช้เวลาในการเดินป่านานกว่าชั่วโมงสถานที่แห่งนี้ควรเรียกกันว่าสันกูไม่มีใครรู้ว่าสันกูแห่งนี้สร้างขึ้นมาสมัยไหนกันแน่ นอกจากเพียงแต่สันนิษฐานกันว่าสันกูดังกล่าวสร้างขึ้นมาเมื่อครั้งที่พระฤาษีวาสุเทพซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาอูชุ บ, บันพศหรือว่าเขาอ้อยที่เรียกกันว่าดอยสุเทพในปัจจุบันนี้ได้พบกับกุมารีกุมารีที่ถือกำเนิดอยู่ในรอยเท้าช้างหนึ่งคู่รอยเท้าแรดหนึ่งคู่และก็รอยเท้ากระทิงหนึ่งคู่ ซึ่งท่านก็เกิดมีจิตเมตตาก็นำอกุมารและก็กุมารีทั้งหมดนั้นไปเลี้ยงเอาไว้ที่ในอาสมอธิษฐานน้านมให้เกิดจากในนิ้วมือเลี้ยงดูกุมารากุมารีทั้งสามคู่จนเติบใหญ่แล้วก็จัดการให้แต่งงานกันตามรอยกําเนิดที่เล่ามาแล้วต่อมาในวันหนึ่งเล่าว่าได้มีนางมรุกีนางวางตัวเมียตัวหนึ่งมากินต้นไม้ใบหญ้า ในสถานที่ซึ่งพระฤาษีไปถ่ายมูดไว้เป็นเนืองๆจนกระทั่งนางเนื้อนั้นมีคันและตกลูกออกมาเป็นมนุษย์ชายหญิงสองคนเมื่อฤาษีเห็นเข้าก็เกิดความเมตตาก็นำเอามาเลี้ยงไว้เหมือนเดิมจนกระทั่งกุมารกุมารีคู่นั้นเติบโตใหญ่ขึ้นมาก็ให้ชื่ อ, อกุมารว่ากุณนะกุมารและส่วนกุมารีนะ่ะให้ชื่อว่ากุปติอ่ากุปติกุมารีท่นเมื่อ กุมารกุมารีทั้งสองเติบใหญ่ขึ้นมาท่านก็เนรมิตนครให้เป็นที่อาศัยตั้งอยู่ใกล้กับเชิงบันพศนั้นเ ร, เรียกว่าเมืองมิขะสังคนาครกุณกุมารปกครองสังคนาคร อ, อยู่ประมาณสาสิบปีในที่สุดก็ทิววงคตไปพระฤาษีจึงอภิเศกให้กุณริกราศราซึ่งเป็นบุตรนั่นขึ้นมาเป็นราชาผู้ครองเมืองต่อไป แต่ด้วยเหตุที่ว่าบรรดาบุตรของกุนนักกุมานแต่ละองค์นั้นโง่เขลาหาได้ตั้งอยู่ในความดีไม่ชอบทำอะไรตามใจตัดสินคดีความครั้งใดก็เอาแต่ใจตัวชั่วช้าซะจนผู้คนต่างพากันเกลียดชังจนหลบหน้าหนีหายในครั้งหนึ่งเล่า ว, ว่าได้มีหญิงชรามาร้องทุกข์ตะกุณนริกนาสรากล่าวโทษว่าบุตรของตัวนหยาบช้าทารุนต่อมารดาทุบตีนางได้รับความเจ็บปวดเวทนาแสนสาหัส แต่กุนาริกนาสรารตัวตัดสินความว่าธรรมดาในกลังสดานหรือว่าระคังเนี่ยถ้าลูกอ่าไม่โดนลูกตีแล้วก็จะไม่มีเสียงหรอกอ่าลูกตีแม่นั้นไม่เป็นโทษหรอกว่าแล้วก็ไล่ให้หญิงชาราออกไวจากเมืองหญิงชาราผู้นั้นเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ได้แต่ท่ำบุญรำพันจนบรรดาทิวดาทั้งหลายได้แต่เวทนาจนพากันพิโรดในความโง่เขลาของคุนนริ ก, กนาสราหญิงนัก จึงบันดาลให้ผู้คนพากันพละหนีออกไปจากเมืองที่ว่านี้แล้วก็บันดาลให้น้ําป่าหลากไหลเข้าท่วมเมืองจนจมอยู่ใต้บัาดาลหลังจากที่เกิดเรื่องดังกล่าวนี้ขึ้นมาจึงทําให้เประฤศรีรู้สึกสังเวชใจ ย, ยิ่งนักในที่สุดท่านก็ตัดสินใจรีกายขึ้นไปอยู่บนยอดดอยไม่ได้สนใจต่อเรื่องราวอันใดอีกต่อไปจนกระทั่งเมื่อสหายผู้เป็นฤรืีนักพรตแห่งเขาหลวงและเขาสมอคอน ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ปลุกปลอบใจช่วยท่านสร้างเมืองขึ้นมาใหม่แล้วก็อัญเชิญพระธิดาแห่งเจ้ากรุงลาโวที่มีนมามประจามมาเทวีขึ้นครองเมืองเรื่องราวที่มีมาแต่หัวหลังจึงได้หยุดยั้งลงไปจากใจคนจนหมดสิน้นเมื่อคัานฤาษีวาสุเทพหมดอายุไขท่านได้กลับขึ้นไปบำเพ็ญพจนอยู่บนยอดดอยสุเทพและละสังขารที่บนยอดดอยแห่งนั้น และในการต่อมาจึงปรากฏว่าได้มีผู้มาสร้างสถูปเจดีย์เอาไว้บนยอดภูเหนือเมืองเชียงใหม่ซึ่งใครต่อใครเรียกสถูปที่พังทลายลงไปเหลือแต่ซากแล้วนั้นว่าสันกู่มาจนกระทั่งทุกวันนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องเล่าที่ต่างออกไปจากนั้นเช่นกันว่าสันกู่ที่บนยอดดอยสุเทพนั้นไม่ได้สร้างขึ้นมาเมื่อพันพปีหรอกหากแต่สร้างขึ้นมาในสมัยพระเจ้ากาวีละผู้ครองนครเมืองเชียงใหม่ แต่จะสร้างขึ้นโดยสาเหตุใดนั้นะไม่มีใครรู้เช่นเดียวกันพอกับอีกตำนานหนึ่งซึ่งเล่าว่าสร้างขึ้นมาก่อนหน้านั้นด้วยสถานที่แห่งนี้เดิมทีเป็นอาสมที่ปฏิบัติธรรมของมรรดาผู้บำเพ็ญพรตเป็นฤาษีทั้งหลายที่ได้มาอาศัยอยู่บนยอดดอยแห่งนี้ก่อนที่จะร้างไปจนกระทั่งกลายเป็นสถูปที่ถูกทอดทิ้งรกร้างอยู่กลางป่าเหนือภูเขาสูงเรื่องเล่าทั้งหลายเหล่านี้ไม่สามารถที่จะนำมาประมวลให้เป็นเรื่องเดียวกันได้ แต่เมื่อประมาณห้าสิบปีล่วงมาแล้วนั้นหลังจากที่สถูบเก่าแก่แห่งนี้ปรักหักพังลงไปจนเกือบสิ้นแล้วได้มีนายพรานผู้หนึ่งขึ้นมาล่าสัตว์บนยอดดอยแล้วก็หลงเข้ามาในบริเวณสันกูแล้วก็พบว่าที่บนยอดภูเขาแห่งนี้ก็มีผู้คนมากมายกำลังทำพิธีบวงสวงกันอยู่พรานป่าผู้นั้นด้วยความศรัทธาจึงได้แบกเนื้อที่ล่าได้แล้วนั้นเข้ามาเพื่อที่จะให้ชาวบ้านทั้งหลาย ได้นำไปปรุงเป็นอาหารมาถวายแด่พระภิกษุแต่ปรากฏว่าเมื่อนายพรานเดินเข้ามาพร้อมกับแบกเนื้อที่ล่าได้อยู่บนบา่าก็บังเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นมาเมื่อบันดาชาวบ้านเหล่านั้นพรันก็พากันวิ่งหนีหายไปจนหมดสิน้นแล้วแสงไฟที่สว่างสวายอยู่นั้นก็พลันวูบวับดับลงไปสถานที่โล่งกว้างใหญ่ซึ่งใช้เป็นที่ทาพิธีก็กลายเป็นป่าทึบที่รกชัดเหมือนเดิม เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นนายพรานก็ได้ย้อนกลับลงมาเล่าเรื่องให้ชาว บ, บ้านที่ในหมู่บ้านได้ทราบทุกคนจึงพาขึ้นไปค้นหาแต่ว่าก็หาไม่พบลานพิธีแห่งนั้นจนกระทั่งวันเวลาล่วงเลยไปเมืองเชียงใหม่ก็จะโดนรุดหน้าขึ้นไปจนได้มีการตรัดถนนใหญ่ขึ้นสู่ดอยสุเทพเรื่องราวที่เล่ากันถึงสันกู่บนยอดดอยแห่งนี้ก็มีคนลืมเลือนไปในที่สุด จนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้มีคณะเดินป่าของบรรดานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เดินดอยขึ้นมาจนกระทั่งถึงยอดภูแห่งนี้แล้วก็ได้มีคนสังเกตเห็นฐานเจดีย์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั้นปกคลุมอยู่ด้วยเถาวัลย์จึงได้มีการช่วยกันถางป่าออกไปจนในที่สุดก็แลเห็นโบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดดอยบนจุดที่สูงที่สุดของดอยสุเทพแม้จะไม่มีใครทราบหรือพิสูจน์ได้ว่าสันกู่ที่พบนี้สร้างขึ้นในสมัยใด แต่จากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่จากการสำรวจรูปแบบการก่อสร้างนั้นทําให้หลายคนเชื่อกันว่าหากไม่มีอะไรผิดไปจากนี้สันกู่ดังกล่าวก็คงจะเป็นสถูปเจดีซึ่งครั้งหนึ่งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่พระเรีวาสุเทพได้เร้นกายมาพักอาศัยอยู่ปัจจุบันนี้มีเส้นทางที่เดินสามารถเข้าไปถึงสันกู่ได้หากแต่ว่าท่านจะต้องใช้เวลาเดินทางขึ้นมาจากที่ตั้งของวัดพระาธาตุดอยสุเทพ ไปตามเส้นทางที่ตัดตรงขึ้นสู่ยอดเขาไปจนสุดที่จุดชมวิวจากนั้นต้องเดินตัดป่าที่เป็นเส้นทางเดินเท้าเข้าไปก็จะพบสันกู่แห่งนี้ตั้งตรงงานอยู่โดยที่ก็ยังมีผู้คนที่มีความศรัทธาต่างก็บุก ป, ป่าฝ่าดงเข้ามาสักการะอยู่กันเป็นประจำเช่นเดียวกันครับ มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแปลกๆครับเรื่องมนต์ดำขเขมรเรื่องเกิดปีพศ2531ช่วงนั้นฤดูฝนคุณสุเทพเนี่ยเพิ่งจะ ย, ย้ายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านที่บางบัวทองเป็นบ้านท้วแถวยาวเหยียดเฉยคืนฝนตกพอฝนขาดเม็ดก็จะได้ยินเสียงกบ เสียงเขียดร้องกันระงมเพราะว่าอยู่ติดกับที่ดินที่เขาทํานาหว่านข้าวกันนาข้าวเขียวเขียวเวลากลางวันเนี่ยมองสบายตาเรียกว่าเป็นทาวเฮาชายทุ่งในบรรยากาศดีเหลือเกินอยู่มาไม่กี่วันต่อมาก็ชักมีข่าวไม่ค่อยจะดีมีข่าวว่ามีบ้านห้องที่ถัดไปสงห้องทําห้องเนี่ยมีอยู่ห้องหนึ่งเขาเพิ่งย้ายมาอยู่เหมือนกัน ห่างจากบ้านของคุณสุเทพไปสักสามสามห้องบ้านนี้มีปัญหาหน้ากลัวจนทํำไปรู้สึกกลัวกันไปทั้งแถวว่าที่บ้านของตัวจะเจออะไรอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าคือเขาย้ายมาจากบางแคเขาว่าที่เก่านะเช่าเขาอยู่เจ้าของขึ้นค่าเช่าทุกปีมันแพงเลยทนไม่ไหวมาซื้อบ้านของตัวเองดีกว่าพ่อนส่งไปเรื่อยๆกว่าจะหมดไปเองก็จะได้บ้านเป็นของตัวเองเข้าสักวันดีกว่าไปเช่า จ่ายค่าเช่าไปสักร้อยปีก็ไม่มีวันจะได้บ้านเป็นของตัวเองเขาก็เลยตัดสินใจกันว่าเอาอยางงี้ดีกว่าครอบครัวของเขานะ่มีห้าคนพ่อแม่แล้วก็ลูกๆอีกสามลูกเขาก็ผู้หญิงสองคนผู้ชายคนหนึ่งไอ้คนสุดท้องอย่างตัวเล็กๆอยู่เลยทั้งครอบครัวผิวขาวเหมือนคนจีนยกเว้นคนเป็นพ่อเท่านั้นที่ผิวดำแดงเข้มกว่าคนอื่น พราก็เป็นคนไทยบ้านเดิมอยู่นะครสวรรค์มาทํา ง, งานกรุงเทพมาพบรักกับเจ้าสาวมีเชื้อจีนของเขาที่บางแคนั่นแหละแล้วก็แต่งงานกันจนมีลูกสามคนที่ว่านสองสามคืนแรกที่พวกเขาย้ายเข้าไปอยู่ที่ทาวเฮาเนี่ก็ยังไม่มีอะไรสี่ห้าคืนต่อมาจึงเริ่มรู้สึกว่าที่บ้านเขามันมีอะไรแปลกๆคือทาวเฮาของเขามันมีสองห้องนอนห้องน้ํามีห้องเดียวอยู่ชั้นล่าง พ่อแม่นอนกันในห้องด้านหน้าก็มีลูกชายตัวเล็กๆนอนด้วยส่วนห้องเล็กด้านหลังลูกสาวสองคนนอนอที่นี่เสียงมันเกิดที่ชั้นล่างเป็นเสียงเคาะกุ๊กกุ๊กกุ๊กดังอยู่ในตอนดึกเสียงเคาะนี่ดังจนคนเป็นพ่อตื่นขึ้นมานอนฟังเสียงกุ๊กกุ๊นี่จะเคาะสองสามทีแล้วก็หยุดอหยุดแล้วสักอึดใจก็เริ่มเคาะใหม่ที่แรกเขาคิดว่าเสียงนั้นมันดังมาจากข้างบ้าน คนอยู่ทาวเฮาจะรู้ดีว่าบ้านข้างๆทําทเสียงดังกุกกะเนี่ยห้องอยู่ติดกันมันจะได้ยินเขาก็เลยเลิกสนใจแล้วหลับตานอนต่อไปดึกดคืนต่อมาเขาก็ตื่นเพราะเสียงเคาะนั่นอีกเขาก็นึกสงสัยว่าไอ้ข้างบ้านเนี่ยเขาลุกขึ้นมาทําอะไรกลางดึกกลางดื่นอย่างนี้เขาไม่นึกว่ามันดังอยู่ในบ้านเขาเองเขาก็เลยนอนหลับต่อจนกระทั่งวันต่อมาเพื่อนบ้านทางซ้ายมือซึ่งเป็นสองผัวหนุ่มเมียสาวนี่ยังไม่มีลูก คนเป็นผัวถามเขาว่าพี่ได้ยินเสียงใครเคาะอะไรหรือเปล่ามันดังมาสองคืนแล้วตอนดึกๆเขาก็นึกแปลกใจก็กลับย้อนถามไปว่าเอาที่บ้านไม่ได้ทำเหรอหนุ่มคนนั้นเขาก็บอกว่าเปล่าแถมยังบอกด้วยบอกว่ามันดังมาจากทางบ้านพี่อะแหละเขาบอกว่าที่เขารู้ก็เพราะเขาลุกขึ้นมาเงี่ยหูฟังจับทิศทางดูพอตอนเย็นอีกบ้านติดกันขวามือก็ถามอีกในทานองเดียวกันว่า แล้วก็บอกว่าที่บ้านเขาไม่ได้ทําอะไรเขาก็บอกดังมาจากบ้านพี่แหละอนะพี่คนนั้นก็งงอะสิเป็นคําพูดเดียวกันคือดังมาจากทางบ้านของเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคืนนี้จะต้องลุกขึ้นมาดูแล้วพอเขารอจะจับหาต้นเสียงคืนนั้นกลับไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบกริบเจ้ะคืนต่อมามันถึงได้ดังขึ้นมาอีกพี่คนนั้นก็ตื่นแล้วก็เริ่มค้นหาความจริงว่าต้นเสียงนี่มันดังมาจากตรงไหน เขาก็ออกมาจากห้องก็รู้ว่าเสียงดังมาจากชั้นล่างย่องลงบันไดอ่าไม่เปิดไฟละ่ะจะได้รู้ว่าแท้จริงมันเพราะอะไรตัวอะไรต้องมาทำเสียงแน่ๆเขาเล่าว่าคิดแบบนั้นว่าถ้าเปิดไฟแล้วเดี๋ยวมันจะหนีไปมันจะทำให้ไม่รู้แน่ชัดเขาก็ลงมาถึงตีนบันไดแล้วเสียงเคาะดังดั ง, ดงหยุดหยุดเขาก็ยืนนิ่งในความมืดฟังอยู่จนจับทิศทางได้ว่ามันน่าจะดังมาจากพื้นตรงช่วงกลางบ้าน มันดังเหมือนกับเสียงคนเอาอะไรแข็งๆมาเคาะหรือว่ากระทุ้งพื้นเขาก็จะลดปลายเท้าย่องย่องไปจนเกือบจะถึงจุดนั้นเสร็จแล้วเสียงนั้นก็หยุดกึก๊กเขาก็ยืนนิ่งรอฟังอยู่นานมันก็ไม่มีเสียงอะไรแต่พอเขาหันกลับก้าวขึ้นบันไดมันก็ดังขึ้นมาอีกกุ๊กกุ๊กเขาก็รีบไปที่จุดนั้นแค่ก้าวขาได้ก้าวเดียวมันก็เงียบกล็บเหมือนกับไอ้ตัวที่ทําเสียงนั้นมันรู้ว่าเขากําลังจับสังเกตมันอยู่ เขาก็เลยขึ้นไปนอนแล้วคิดว่าคงจะมีตัวอะไรอยู่ใต้พื้นบ้านอืมเดี๋ยวมันก็คงจะไปที่อื่นเนี้ยเขาเล่าแล้วก็บอกเพื่อนบ้านอย่างนี้ในวันต่อมาแต่เอาเขาจริงๆมันกลับไม่ยอมไปไหนมันเคาะทุกคุกหน้าลำคาญอยู่ทุกคืนคืนแล้วคืนเล่าทีนี้เสียงนั้นยังได้ยินมาถึงบ้านคุณสุเทพที่ว่าเนี้ยอ่าคุณสุเทพยังตื่นยมาฟังจะดูมันคนแถวบ้านก็ต่างได้ยินต่างก็พูดคุยกันเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ถามไทยกันเวลาเจอหน้าว่าได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่าอ่าเมื่อคืนได้ยินไหมทาวเฮาแถวยาวนะั้นมีบางห้องที่เจ้าของยังไม่ย้ายเข้ามาอยู่แม้มันก็ยังคงปิดตายแต่ส่วนใหญ่ย้ายเข้ามาอยู่กันแล้วแล้วก็มีบางบ้านที่กําลังจัดการต่างๆกับบ้านของตัวอยู่ในที่สุดพี่เจ้าของบ้านที่ชื่อสมานเนี่ยเนะี่ะที่มีเสียงเคาะเนี่ยก็แจ้งไปยังหมู่บ้านว่ามันเกิดเสียงนะัะน่าจะมีอะไรอยู่ ใต้พื้นบ้านว่างอันทางโครงการพอเขาได้รับแจ้งตอนบ่ายๆวันนั้นเขาก็ส่งช่างให้มาดูช่างก็มาเคาะพื้นตรงนั้นเคาะไปเคาะมาอยู่หลายทีเขาก็สายหน้าบอกทําอะไรไม่ได้เพราะมันดังอยู่ใต้พื้นคุยกับเจ้าของบ้านอยู่พักหนึง่งช่างที่ทางโครงการอยู่บ้านส่งมาก็คิดเหมือนกับเจ้าของบ้านนั่นก็คือมันน่าจะมีตัวอะไรเข้าไปติดอยู่ตรงช่องว่างใต้พื้นนั้นช่างอธิบายว่าใต้พื้นบ้านทุกหลังจะมีช่องว่างอยู่ เหมือนกับได้ถูนบ้านเตี้ยๆทางโครงการไม่ได้ถมดินสูงติดพื้นเขาก็ว่าไม่ว่ามันจะเป็นแมวเป็นหมาหรือว่าเป็นงูเป็นตัวตะกรวดเนี่ยนะนะมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าหนีออกไปไม่ได้มันก็จะต้องอดตายอยู่ตรงนั้นอ่ะนะนะเขาก็บอกว่าแต่ไม่ต้องห่วงหรอกพี่ถ้ามันเข้ามาได้มันก็ต้องออกไปได้ว่าอย่างนั้นเขาก็เอาไม้หน้าสามกระทุงพื้นเบาๆเพื่อให้มันหนีไปแล้วก็ยังบอก คุณสมานเจ้าของบ้านให้ทาอย่างเนี้ยเวลาที่ได้ยินเสียงมันในกระทุงแบบเนี้พี่สมานก็ทําตามคําแนะนําคือ น, นั้นเพราะมันมีเสียงเคาะดังขึ้นมากลางดึกเขาก็รีบลงบันไดามาคว้ามไม้ที่วางไว้แล้วลงมือกระทุงเบาๆพอเขากระทุ้งพื้นเสียงเคาะก็หยุดกึกเขาก็ดีใจว่ามันได้ผลแต่จริงๆแล้วมันก็แค่ทําให้มันเงียบไปเดี๋ยวเดียวคืนต่อมาก็ดังอีก เขาก็กระทุงอีกคืนต่อมาก็ดังอีกเขาก็ต้องลงจากชั้นบนมาชั้นล่างเพื่อทํำให้มันหยุดเรืยมันช่าง น, น่ารําคาญเลอจริงๆเขาก็เริ่มบ่นอย่างหงุดหงิดให้เพื่อนบ้านฟังเพื่อนบ้านก็รา่าเพราะต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงนั้นอ่ะ แ, แถมเสียงที่เจ้าของบ้านกระทุงพื้นด้วยเจ้าของบ้านที่เป็นพี่ผู้หญิงหน้าตาจีนๆที่เพื่อนบ้านเขาเรียกเจหมอนเจหมอนเนี่ยไม่ค่อยได้พูดอะไรมากอะ่ะปล่อยให้ผัวจัดการไป แต่เมื่อผัวจัด ก, การไม่ได้เธอก็เริ่มบ่นอย่างหัวเสียให้เพื่อนบ้านได้ยินแต่จริงๆแล้วเจมอนก็งุดห ง, ง, ง, ง, งิดกับเรื่องนี้มาโดยตลอดนะหล่อนเป็นคนพูดข อ, องตัวเองบอกนี่มันอะไรกันก็ไม่รู้ใครเอาตัวอะไรมายัดใส่ไว้ใต้บ้านฉันเนี่ยซื้อบ้านแถมตัวประหลาดหรื อ, อยังไงกันวะนี่แต่แล้ววันหนึ่งเจ๊ก็ฉุกคิดบางอย่างขึ้นมาได้ก็รู้สึกร้อนใจมากว่าเหตุที่เกิดนี่มันอาจจะไม่เขาทีอาจจะไม่ใช่หมาใช่แมวหรือว่าตัวอะไรบางอย่างที่ผัวคิด ก็เคยได้ยินเรื่องเหนือธรรมชาติที่บ้านญาติเธอมาแล้วที่ว่าย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ๆนะโดนผีเล่นงานจนนอนไม่หลับกันทั้งบ้านจนต้องหาทางแก้โดยให้หมอผีมาจัดการแต่อันนั้นมันเป็นบ้านเก่าซื้อต่อเข้ามาอีกทีอันนี้มันบ้านใหม่เอี่ยมเลยเจ๊นะ่ะเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อนบ้านก็ว่าบ้านนี้ก็ปลูกใหม่ๆเพิ่งจะแล้วเสร็จนะเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่กันไม่น่ามีอะไรหรอกเรื่องพูดผีปีศาจนะมันมักจะเกิดกับบ้านเก่าๆที่เคยมีคนอยู่คนอาศัย แล้วก็มีคนตายที่บ้านหลังนั้นจริงๆแล้วเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยคิดไปในทางนั้นกัหรอกทั้งพื้นดินที่ปลูกทา้าวๆก็เป็นท้องนามาก่อนไม่ได้ว่าเออมาปลูกบนปัดช้ามาปลูกคร่อมวัดอะไรอยู่อย่างนั้นแต่ก็มีบางคนพูดว่ามันก็ไม่แน่นะที่นาก็อาจจะมีอะไรไม่ค่อยดีก็ได้มันก็น่าคิดอยู่ที่ว่าแม้แต่ที่นาก็อาจจะมีสิ่งที่น่ากลัวสิงสู่อยู่ได้เหมือนกัน พอเจอชาวนาที่เขาเดินมาดูนาข้าวของเขาคุณสมานเจ้าของบ้านนั้นเห็นขา้าวเรีบออกไปถามว่าพี่พี่แถวนี้มีอะไรที่น่ากลัวบ้างหรือเปล่าอย่างผีอย่างวิญญาณคนตายอะไรอย่างเงี้ยพอดีเย็นนั้นนะ่ะคุณสุเทพอยู่แถวหน้าบ้านก็เลยเดินเข้าไปฟังที่เขาคุยกันเจ้าของนาที่ถูกถามนะเป็นผู้ชายวัยกลางคนเขาก็ขมวดคิ้วเขาก็บอกทำนาแถวนี้มาตั้งแต่เกิดเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินหรือว่าได้เจออะไรที่น่ากลัวเลย แล้วก็ย้อนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นละ่ะคุณสมานเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังเขาก็นึกนึกดูแล้วก็ว่าเคยได้ยินมีคนโดนงูกัดตายอยู่บ้างเหมือนกันในท้องทุ่งนี้แหละคนเก่าๆ เ, เขาพูดกันแต่ว่าไม่น่าจะใช่แถวๆที่ปลูกบ้านนะมันน่าจะห่างออกไปอีกเสร็จแล้วเขาก็ชี้ไปทางอื่นแล้วเขาก็แนะนําให้ไปหาหลวงพ่อที่วัดใกล้ๆหมู่บ้านให้นิมนต์ท่านมาปัดรังควานขับไล่สิ่งชั่วร้ายไปเสีย ก็น่าจะลองดูนะไม่เสียหายอะไรนี่อืมเขาคนแนะนําสายๆวันต่อมาเขาขับรถไปคุยกับหลวงพ่อที่วัดนิมนต์ท่านมาท่านก็มาทําพิธีให้แต่หลังจากคืนนั้นน่ะเสียงเคาะก็ยังดังอยู่เหมือนจะท้าทายตอบโต้นั่นก็คือดังแรงขึ้นจนไม่น่าเรียกว่าเคาะแต่กลายเป็นเสียงกระทุ้งไปแล้วเสียงดังถี่กระช้น ก, กึกกึกกึกเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างใต้กําลังโมโหเดือดดนัน เหมือนกับว่าการนิมนต์หลวงพ่อมาทําพิธีเนี่ยทำให้มันโกรธเสียงนั้นดังรุนแรงจริงๆอยู่ที่บ้านคุณสุเทพยังได้ยินชัดเจนยังกะมันจะสะเทือนมาถึงบ้านแก่ด้วยทีเดียวเจหมอนแต่งตัวออกจากบ้านไปที่สํานักงานหมู่บ้านไปคุยกระทังโครงการด้วยตัวเองไม่ให้ผัวไปแล้วอ่าหลังจากคุยกันแล้วก็ถึงขั้นจะทุบพื้นบ้านเปิดออกดูว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรอยู่ใต้นั้นแต่ว่า คุณสมานคัดค้านประการซ่อมพื้นหลังจากทุบนั้มันอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมเจ๊กก็เกิดลังเลกลัวบ้านพังสองผัวเมียก็าหาเรือกันจนเห็นว่าควรจะทําบุญบ้านเอาลองดูวิธีนี้ก่อนมันไม่ทําให้บ้านเสียหายในกรณีมนพระมาทําบุญบ้านเพื่อนบ้านใกล้ๆที่ว่างก็ไปทําบุญด้วยกันคุณสุเทพก็ไปด้วยก็ยังนึกวันๆใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเสียงเคาะขึ้นมาในระหว่างนั้นสงสัยจะกลเาหนุนแผ่นหนีกันขึ้นมามั่งแหละ เพราะว่าเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ก็กลัวๆ ก, กันอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยคิดกันว่ามันน่าจะเกิดจากพูดผีแต่ไม่มีใครพูดให้หอ่าเข้าหูเจ้าของบ้านเท่านั้นแหละมันไม่ใช่เรื่องดีแล้วก็กลัวๆปากเจมอนแกนอยู่เพราะว่าการพูดจาของเจมอนนี่แกออกจากเข้มข้นอยู่หลังจากทําบุญกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลประพรมน้ำมนต์พระท่านก็กลับวัดไม่ว่าใครก็คงจะนึกเบาใจว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวเกิดหรอก ที่บ้านนั้นคนไปทําบุญก็ล้อมวงกินข้าวกันแต่ปรากฏว่าพอจะลงมือกินก็กลับกินกันไม่ได้เลยไม่ว่าใครตักใส่ปากก็ไปคําแรกก็ทําหน้าชอบคนไปตามๆกันแต่ยังไม่กล้าจะเอ่ยปากออกมาแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะคุณสุเทพกลับบ้านแล้วไม่ได้อยู่กินข้าวกับเขาทีนี้พี่ผู้หญิงข้างบ้านคนที่ก็ไปด้วยเนี่ยเขาเล่าว่ากินเข้าไปคํานึงแกงเขียวหวานเห็นมันน่ากินพอกินเข้าไปก็หน้าเบ้เลย มันเปรี้ยวมันบูดแล้วมองในชามแกงเห็นฟองเดือดปุดปุดแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรการที่ข้าวแกงบูดอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ว่าใช้น้ําประปาบาดาลหมู่บ้านมาต้มยําทําแกงแต่ความจริงเรื่องเนี้ยปัญหานี้รู้กันตั้งแต่ย้ายเขามาอยู่ก็ว่าได้ต่างก็ใช้น้ําถังที่ซื้อเขาต้มแกงกันบ้านนี้เขาก็ไม่ได้ใช้น้ํานั้นต้มแกงเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ใช้ แต่ว่าข้าวแกงของพวกเขาที่นําไปทําบุญก็ปรากฏว่าบูดเหมือนกันไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหาสาเหตุกันไม่ได้แต่หลังจากวันที่ทําบุญเสีย ง, งเคราะเยียบหายไปถอนหายใจโล่งอกไปตามกันไม่แต่เจ้าของบ้านเพื่อนบ้านก็เช่นเดียวกันครอบครัวนั้นก็รู้สึกว่ามันปลอดโปร่งโล่งอกดีแล้วก็คิดเรื่องทํำมาหากินกันคุณสมานน่ะเป็นคนชอบทํากับข้าวต้มแกงแบบไทยๆมีพิมือ เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านกันใหม่ๆร้านข้าวแกงมีอยู่ร้านเดียวขายดีมากก่อนจะย้ายมาที่หมู่บ้านเนี้ยเขาก็ค้าขายข้าวแกงอยู่ก่อนแล้วข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้หมอข้าวเตาไฟอะไรต่างๆเขาก็มีอยู่แล้วเขาก็ตั้งใจมาแ ล, แล้วว่าจะมาขายข้าวแกงเขาก็เลยทําขายแต่ขายที่บ้านไม่ได้ต้องใส่รถเข็นเอาไปขายที่ถนนสายใหญ่กลางหมู่บ้าน เพราะว่าที่นั่นถือเป็นตลาดเล็กๆที่ค้าขายกันอยู่มีร้านกับข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายผักผลไม้ร้านขายขนมหวานเมื่อคุณสมานทําแกงขายเขาก็ต้องแปลกใจนั่นก็คือต้มแกงที่พวกเขาช่วยกันทําขึ้นมามันบูดเร็วจนคนที่ซื้อไปกินกลับมาต่อว่าเป็นความจริงที่เถียงไม่ได้เพราะดมดูแล้วชิมดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนที่ซื้อไปก็กลับมาต่อว่ากันเต็มหน้าร้านเลยบางคนก็ว่าเอาแรง แต่ก็มีอยู่หลายคนที่มาบอกมาพูดดีๆมาบอกว่าน้ําประปาบาดานที่หมู่บ้านสูบขึ้นมาให้ใช้เนี่ยเอมันใช้หุงข้าวต้มแกงไม่ได้หุงข้าวข้าวก็บูดเร็วเอามาทําแกงแกงก็บูดกินไม่ได้ให้ซื้อน้ําถังที่ร้านแก๊สน่ะน้ําดีกินได้ต้มแกงหุงข้าวได้คุณสมัมาก็บอกไปว่าไม่ได้ใช้น้ําบาดานก็ซื้อน้ําถังมาใช้แหละนอกจากอาหารบูดเน่าเร็ว ปรากฏว่าไอ้เสียงเคาะรุนแรงใต้ถุนบ้านก็หวนกลับมาด้วยเหมือนกับรุมกระหน่ำซ้ำเติมกันใหญ่เจหมอนก็ว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาอยู่เฉยไม่ได้แล้วไปหาพระอาจารย์ที่เขาว่าเก่งๆมาทำพิธีเมื่อพระไม่ได้ผลก็ใช้หมอผีแต่ไม่ว่าหมอแถกหมอไทยก็ยังไม่ได้ผลอะไรเกิดขึ้นลงงท้ายก็ต้องพึ่งหมอผีขเขมรซึ่งแม่ของคุณสมานเขาแนะนา หมอผีคำเหม็นเนีมาทำพิธีในวันอาทิตย์คนส่วนใหญ่อยู่บ้านกันพอหมอในตัวอผอมๆผิวดำคล้ำเยอะท่องมนต์คาถาเสียงดังน่ากลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปดูเพราะเขาว่าถ้าสิ่งร้ายๆมันถอนออกจากบ้านแล้วมันอาจจะวิ่งเข้าตัวคนได้อย่าได้ไปขวางทางมันเป็นอั่นขัดถ้าบาังเอิญไปยืนเก๊ๆกลางๆของวิ่งเข้าตัวก็มีหวังย่ำแย่แน่หลังจากนั้นก็เงียบกริบจะไม่มีเสียงเคาะแล้วข้าวแกงก็ไม่บูดค้าขายได้ไม่มีอุปสรรค เป็นเรื่องหน้าแปลกแท้ๆหมอผีน่ะรู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรทำเจ้าของบ้านว่าทำให้ใครโกรธเคืองหรือว่าเจ็บใจบ้างหรือเปล่าเจ้าหมอนก็ยอมรับว่ามีอยู่บ้างแค่มีปากมีเสียงเถียงกันไม่ไร้ายแรงอะไรก็เถียงกับพวกลูกค้าที่เรื่องมา ก, กันแหละแต่มันตั้งแต่ตอนที่ค้าขายอยู่ที่เก่าพอมาอยู่ที่นี่แล้วมันเลมีเรื่องกับใครนี่หมอผีก็บอกว่าเขาทาของใส่บ้านเอาไว้ สองผัวเมียคิดกันว่าศัตรูเก่าไม่น่าจะรู้จักบ้านหลังนี้จงกระทั่งมันนึกออกกันในภายหลังเมื่อคุณสมานก็พูดขึ้นมาว่าตอนที่บ้านใกล้จะสร้างเสร็จวันอาทิตย์นั้นนะ่ะมาดูบ้านเจอว่ามีคนงานสองผัวเมียผิวดำๆเข้าพักอยู่ในบ้านทําบ้านช่องเลอะเทอะตอกตะปูวงกบขึงราวผ้ากันอิรุงตุงนางระโยงระยางงเกงในผ้าถุงตากันน่าเกลียด จะหมอนก็เลยว่านี่มันบ้านของฉันนะฉันซื้อแล้วเสร็จแล้วก็ชีนิ้วไล่ตะเพิดห้คนงานเก็บข้าวของออกไปแล้วยังพูดแรงๆไปอีกหลายคำมันนึกกันดูเอสองผัวเมียเ น, นี่ยอาจจะเป็นคนขมเนที่มาทำงานก่อสร้างเพราะว่าพูดไทยกันไม่ค่อยชัดพวกเขาคงโกรธถึงได้ทำของใส่เพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าเออมนดำขมเเขนก็ต้องแก้โดยหมอผีขมนั่นแห ะ, ะถูกต้องแล้ว ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งก็นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับยายของคุณเสมอที่ชื่อยายเต็มเนี่ยแกมีเรื่องเล่าอยู่เรื่อยแกเล่าว่าอยู่มาปีหนึ่งหน้าแล้งอากาศร้อนมากเลย ร้อนแล้วก็แห้งแรงน้ํางี่แห้งขอดไม่ว่าในลําคลองหรือว่าในหนองน้ําชาวบ้านก็เดือดร้อนกันมากบ่อเก่าๆที่ทิ้งร้างเอาไว้ก็ต้องไปลอกไปขุดกันใหม่เพื่อให้ตาน้ํามันทะลักน้ําขึ้นมาพอมีน้ําในบ่อก็ไปตักไปหาบกันเอามาใส่โอ่งที่บ้านเอาไว้กินเอาไว้ใช้หุงข้าวต้มแกงล้างถ้วยชามน้ํากินก็แขวงสารส้มเอา แต่บางบ้านก็ยังมีน้ำฝนเอาไว้กินเพราะว่ามีโอ่งหลายใบส่วนบ้านที่ไม่มีน้ำฝนจะกินก็อย่างที่บอกล้ก็ต้องกินน้ำบ่อกันโดยแขว่งสารส้มสหน่อยให้มันตกตะกอนนอนก้นก็ดื่มกินกันได้แล้วในปีนั้นแหละหญ่เต็มแกเล่าว่ามีคนหนึ่งโดนยาสั่งไอตอนที่เกิดเรื่องนั้นคนก็กลัวกันมากเลยจะกินอะไรก็ต้องคอยระวังกันตลอด ใครเอาอะไรมาให้ก็จะไม่กินกันเลยทั้งที่เป็นคนคุ้นเคยสนิทสนมกันก็ยังอดว่าระแวงไม่ได้ที่แรกยายเต็มก็คิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแกไม่เข้าใจเลยแต่แกก็กลัวมันมากเหมือนกันในตอนที่แกยังเด็กๆอยู่นั้นแกเคยกลัวว่าตัวแกเองจะไปโดนยาสั่งเขาแล้วพอไปกินอะไรเขาสักอย่างที่เขาสั่งมาให้กินแล้วตายแกก็จะไม่มีโอกาสรู้เลยว่าเขาสั่งมาอย่างไง แต่พวกผู้ใหญ่เขาว่ามันก็มีทางที่จะรู้ได้ว่าในอาหารที่จะกินน่ะมียาสั่งหรือเปล่าถ้าหากว่ามีงาช้างชิ้นเล็กๆที่เขาทำเป็นแหวนหรืออะไรสักอย่างที่เอาติดตัวไปได้แล้วจุมลงไปในอาหารถ้าอาหารนั้นเปลี่ยนสีก็อย่าไปกินในนั้นน่ะมันมียาสั่งเย่เต็มแกรู้จักกับคนที่โดนยาสั่งด้วยชื่อตบไผ่ ตาไฝ่ในแกมีฝอยสีดําเม็ดเบลอและที่หัวคิว้วก่อนที่ตาไฝจะตายเย็นวันนั้นแกยังแวะมาที่บ้านยายเต็มมาคุยเรื่องลูกสาวคนเล็กที่กําลังตั้งท้องอยู่ยายเต็มก็คุ้นเคยกับคนในครอบครัวนี้ดีตาไฝนี่อายุหกสิบละตัวสูงใหญ่แกแข็งแรงมากก็ถือว่าแกเป็นคนดีเพียงแต่ว่าแกมีเรื่องเสียหายอยู่บ้างก็คือแกไปแอบมีเมียอีกคนหนึ่ง ตอนแรกชาบ้านไม่รู้ต่อมาก็รู้กันหมดรวมทั้งเมียแกและลูกๆของแกด้วยแกก็ว่าแกไม่รู้จะทำยังไงสงสารผู้หญิงคนนั้นที่เป็นแม่ไ ม, ม่ไม่มีใครเลื อ, อยู่บ้านคนเดียวญาติพี่น้องก็ไม่มีก่อนนั้นแกเคยช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ก็เลยเกิดความสนิทสนมกันแล้วก็ได้เสียเป็นเมียผัวกันแม่ไม่คนนั้นชื่อเจี๊ยบหน้าตาดีผิวขาวอายุสี่สิบผัวตายเพราะว่าบ้านโดนปล้น แล้วก็ไปสู้กับโจรพวกโจรใจบาปหยาบช้ามโนมีดฟันจนล้มตึงตายคาบันไดบ้านความจริงก็มีผู้ชายมาชอบแม่หม้ายคนนี้หลายคนเหมือนกันแต่นางไม่ชอบใครจนมาตกลงปลงใจกับตาไฝที่อายุห่างกันตั้งยี่สิบปีค่ำวันที่เกิดเหุร้ายกับตาไฝนมันเงียบมากจนหญ่เต็มรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่าง คิดอย่างนั้นแค่อึดใจเดียวก็มีคนร้องบอกเสียงโหวกเวกทําลายความเงียบใย่เต็มได้ยินเสียงนั้นว่าตาไฝตายแล้วเย่เต็มก็รีบถามว่ามันจริงหรือเปล่าคนที่ส่งข่าวก็บอกว่าจริงตายที่บ้านตายตะกี้นี้เองถามว่าเป็นอะไรคนนั้นก็บอกไม่รู้รู้แต่ว่าตายแล้วใย่เต็มรีบลงเรือนลูกสาวตามไปด้วยไปกันที่บ้านหลังใหญ่ของตาไฝ ตอนที่ไปถึงนะมีคนอยู่กันเยอะแล้วเกือบจะเต็มบ้านแต่ละคนก็ล้วนแต่อยากรู้อยากเห็นกันทั้งนั้นสีหน้าสีตาบ่งบอกชัดมากสอบถามกันว่าแกเป็นอะไรตายแกไม่ได้เจ็บป่วยอยู่ก่อนนี่อึกอักก็ตายเออมันน่าสงสัยมากยายติ๋วเมียตาไฝบอกว่าตาไฝกินข้าวแล้วบ้วนปากแล้วนั่งพักต่อมาก็เอ็นหลังมาดูอีกทีแกไม่หายใจแล้ว ตาเลื่อนนี่เป็นญาติกระตาฝอยก็ตรวจ ด, ดูตามเนื้อตามตัวก็ไม่พบบาดแผละอะไรแต่แกเห็นว่ามีความผิดปกติอยู่ที่เล็บมือเล็บมือมันเป็นสีเขียวก็ถามลูกเมียตาฝอยว่าเมื่อเย็นกินอะไรกันเข้าไปยายเตียวเมียตาฝอยก็บอกว่ากินแกงเนื้อมะเขือพวงกันแกว่าตาฝอยคงจะโดนยาสั่งซะแล้วละเล็บเขียวขนาดนั้นทุกคนก็กินแกงเนื้อหมอนั้นก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไร แกรีบบอกให้ไปหารังจืดมาล้างพิษเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนรังจืดกับน้ำสาวข้าวกินเข้าไปทุกคนเลยคนอื่นไม่เป็นอะไรเพราะคนอื่นไม่ได้โดนยาสั่งส่วนตาไฝ่นั่นโดนเขาสั่งมาให้กินแกงเนื้อตายแกก็เลยตายคนอื่นไม่โดนสั่งก็ไม่เป็นไรแต่กินรังจืดป้องกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย ในเมื่อเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องย้อนหาเหตุกันว่าตนะัฝไฝน่ะไปกินข้าวบ้านใครบ้างหรือไปกินอะไรมาบ้างตาฝัยไม่ได้ไปกินข้าวนอกบ้านที่ไหนนอกเสียจากไปบ้านเมียน้อยของแกเพราะฉะนั้นคนที่ตกเป็นเป้เปาสงสัยก็คือนางเจี๊ยบแม่ไม้คนนั้นลูกของตาฝ้าไปคาดเค้นเอาความจริงกับนางเจี๊ยบว่าวางยาฆ่าพ่อของพวกเขาหรือเปล่านางเจี๊ยบก็สาบานว่าไม่ได้ทํา พูดพลางร้องไห้ไปด้วยด้วยความเสียใจแล้วก็ตกใจกลัวนางบอกว่าจะเอาไปสาบานที่ไหนก็ได้ไม่ได้ทําอะไรอย่างนี้เลยได้ถามกันมานอกจากตาฝัยกินข้าวบ้านนางแล้วไปกินข้าวบ้านอื่นด้วยหรือเปล่าที่แรกนางก็บอกว่าไม่รู้แต่แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าตาฝายเล่าว่านายอ่องชวนไปกินข้าวที่บ้านอ้างว่ามีเรื่องจะคุยด้วยเมื่อหลายวันก่อนนี้ตาฝายก็ไป แล้วก็กลับมาบอกว่าไม่เห็นนายอ่องจะคุยเรื่องอะไรในายไฝก็ยังพูดพูดอยู่ว่ามันแปลกๆอยู่นะพวกลูกๆของตาไฝก็ไปที่บ้านของนายอ่องไปสอบถามเอาความจริงแต่นายอ่องก็ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรก็ชวนมากินข้าวมาคุยกันเท่านั้นเองพ่อของพวกเขาตายไปทั้งคนเอาความผิดใครไม่ได้เลยพอตาไฝจากไปแล้วนายอ่องก็เข้าใกล้ชิดนางเจี๊ยบแต่นางเจี๊ยบไม่สนใจ เขาก็พยายามตื้อต่างๆนานาก็ไม่สำเร็จในอ่องคนนี้แอบรักแอบชอบนางเจี๊ยบอยู่แต่ตาฝ่าย ไ, ไม่รู้เรื่องหรอกนอ่องนี่อายุสี่สิบห้าปีรู้จักมักคุ้นกับนางเจี๊ยบนางเองก็รู้สึกว่าเหมือนเขาจะชอบนางแต่เขาก็ไม่ได้พูดเอ่ยปากหรือว่าแสดงให้ชัดเจนออกมานางก็เลยไม่ได้สนใจมากนะักเขาเป็นคนไม่เคยพูดเป็นคนเงียบๆผิวคล้ำๆตัวผอมๆตาเล่ข้างหนึง่งว่ากันว่าเป็นคนปากเหม็นมาก เขาตือนางเจีย๊ยบจนหมดความอดทนจนในที่สุดเขาก็พูดออกมาเองว่ากูเป็นคนเอายาสั่งให้ไอ้ฝัยกินเองแหละพอนางเจีย๊ยบรู้ก็เอาไปบอกกับลูกๆของตาฝายพวกลูกๆ ก, ก็ไปเอาเรื่องกันในอ่องแต่เขากลับทําไม่รู้ไม่ซีบอกหนะ้าตาเฉยว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนางเจีย๊ยบนั่นแหละคงจะทําเองแล้วก็โยนความผิดให้เขาแต่ว่าชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าจะต้องเป็นในอ่องนั่นแหละ ตอนหลังก็เลยไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ในอ่องเพราะกลัวจะโดนยาสั่งนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของยาพระครับเรื่องมันก็ออกจะน่าแปลกมันแปลกตั้งแต่ทีแรกที่ว่ามีคนเห็นพระสองรูปมาที่บ้านป้าทองเจอือที่บ้านป้าทองเจือเนี่ยมีคนนอนป่วยอยู่ แต่ว่าป้าทองเจือเจ้าของบ้านเนี่ยกลับเห็นพระเพียงรูปเดียวเท่านั้นเอ๊ะมันยังไงกันแน่อาเรื่องนี้ป้าทองเจือเล่าให้ฟังว่าลุงสมบูรณ์ผัวของแกในป่วยเป็นมะเร็งที่ตับเขาอายุมากแล้วหมอเขาให้กลับบ้านก็กลับมารักษากันที่บ้านป้าทองเจือและลูกๆ ก, ก็ช่วยกันหาอยู่หายาอื่นๆ น, นอกจากอยู่ยาของหมอเพื่อที่จะต่อลมหายใจให้ลุงสมบูรณ์ใครว่าอะไรดีก็ต้องลองดู มันไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วนี่เพื่อลุงสมบูรณ์จะยังพอมีบุญหลงเหลืออยู่บ้างก็จะได้อยู่กับลูกหลานต่อไปอีกหลายหลายปีตอนที่ลุงสมบูรณ์ยังแข็งแรงดีแกชอบไปวัดไปช่วยงานอยู่ที่วัดไปคุยกับพระแก่ชอบคุยกับพระหลายรูปด้วยกันไม่ว่าใครก็เห็นว่าแกเป็นคนดีมีอัจฉริยะใสเพราะแกเจ็บป่วยก็พากันสลดใจสงสารแกแต่ก็ไม่รู้จะช่วยกันได้ยังไง หม อ, อยังหมดปัญญานอกเสียจากว่าจะมีปฏิหาริย์เท่านั้นแกชอบพอมากๆอยู่กับพระรูปหนึ่งพระนุ่มที่บวชมาหลายพรรษาชื่อพระนพะดลก่อนโน้นเวลาไปวัดถ้ามีเวลาว่างก็จะคุยกับพระรูปนี้แหละพระนพะดลนี่แหละเรื่องชีวิตเรื่องพระธรรมคำสั่งสอนต่างๆที่นำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ พระนพดลรู้ว่าลุงสมบูรณ์กลับมานอนป่วยอยู่ที่บ้านแต่ท่านไม่ได้ไปเยี่ยมเลยท่านรู้สึกสงสารไม่อยากเห็นสภาพของคนป่วยที่นอนรอความตายลุงสมบูรณ์นอนอยู่ก็เหมือนกับนอนรอความตายจริงๆก็หมดทางรักษากันแล้วเอาตัวมาไว้ที่บ้านก็พยาบาลกันดูใจกันคงจะแย่นะ่ะคงจะอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานแต่พอตอนบ่ายๆของวันนั้นป้าทองเจือก็แปลกใจมาก มีพระมาที่บ้านท่าทางรีบร้อนมากพระรูปนั้นก็คือพระนพดลที่ชอบพอกับลุงสมบูรณ์แล้วก็คุ้นเคยกับป้าทองเจือไปทำบุญที่วัดแล้วก็เคยพูดคุยกันท่านมาที่บ้านท่านไม่เคยมาที่บ้านเลยท่านมาพร้อมได้ห่อกระดาษสีน้ำตาลท่านบอกว่าข้างในน่ะเป็นสมุนไพรต่างๆมาถึงก็บอกว่าให้รีบเอาไปต้มเลยเดี๋ยวจะไม่ทันการแล้วเดี๋ยวมันจะช้าไป บ้านทองเจือก็รีบจัดแจงแต่ระหว่างที่เดินจะเข้าไปในครัวนั้นก็ต้องผ่านห้องที่ผัวนอนป่วยอยู่ก็เลยแวะดูผัวว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะบอกเขาด้วยว่าได้ยาดีมาแล้วลองยาขนานนี้ดูพระท่านเอามาให้ปรากฏว่าไปดูแล้วลุงสมบูรณ์นอนนิ่งใจหายแวบก้มลงฟังที่จมูกไม่ได้ยินเสียงหายใจเลยไม่มีลมหายใจแล้วหอยาแทบจะหลุดจากมือ รีบไปบอกพระนพดลว่าลุงสมบูรณ์จากไปแล้วพระหนุ่มนั่งนิ่งตาเบิกโพรงจ้องหน้าป้าทองเจอือเสร็จแล้วก็ค่อยค่มองไปยังประตูห้องทิตาสมบูรณ์นอนป่วยป้าทองเจือก็คืนห่อยาให้พระพระก็ค่อยค่ลุกขึ้นทำท่าเหมือนจะเดินไปดูคนตายแต่แล้วก็เปลี่ยนใจหันกลับไม่ได้บอกกล่าวก็เดินออกจากบ้านไป หลานๆก็ถามป้าทงเจือว่าตะกี้นี่พระมาสององค์แล้วหายไปไหนองค์หนึ่งเห็นกลับไปองค์เดียวป้าทองเจือก็บอกว่าพระมาองค์เดียวแต่หลานๆก็ยืนยันว่ามาสององค์นาป้าทองเจือก็ถามเพื่อนบ้านที่อยู่กันแถวใกล้ๆบ้านเพื่อนบ้านก็เห็นกันว่าพระมาสองรูปแล้วเข้าไปในบ้านทั้งสองรูปเลยป้าทงเจือก็งงมากเพื่อนบ้านบอกด้วยว่ารูปหนึ่งอายุมากกวา่าเป็นพระทุดง ป้าองเจือพะรู้ก็ยิ่งแปลกใจแกก็นึกว่าบางทีตัวแกเองอาจจะหูตาไม่ดีดูไม่ท่วทีเพราะรีบร้อนที่ท่านเอายามาให้พระนพดลท่านเสียใจมากที่ได้ยามาแล้วแต่กลับช่วยคนป่วยไม่ได้ท่านเล่าให้ฟังหลังจากงานศพว่าที่เอายามานั้นนะ่ะก็เพราะว่ามีพระอีกรูปนึงเอามาให้ท่านท่านเองไม่เคยรู้จักพระรูปนั้นมาก่อนอ่า เรื่องน่าแปลกใจที่เกิดขึ้นอีกก็คือเมื่อท่านเล่าว่าหอยาหอนั้นหายไปจากย่ามพอมาจากบ้านถึงวัดก็หาไม่เจอแล้วไม่รู้ว่าลืมไว้ที่บ้านป้าทองเจือหรือว่าตกหายคือป้าทองเจือนี่เอาหอยานั้นคืนให้ท่านแล้วยืนยันได้ว่าคืนท่านไปแล้วจริงๆเพราะว่าไม่ใช้แล้วท่านจะได้เอาไปให้คนอื่นเสร็จแล้วหอยาหายไปไหนป้าทองเจือค่อยๆนึก ก็จำได้ว่าพระท่านในยัดเอาใส่ลงไปในย่ามเรียบร้อยแล้วท่านถึงได้กลับออกจากบ้านนี่ก็นับว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่เข้าใจยากอีกเรื่องหนึ่งว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงพระนพะดลท่านยังเล่ารายละเอียดต่อไปอีกว่าท่านเคยนอนคิดจะหายาดีๆถูกกับโพาที่ไหนมาให้โยมสมบูรณ์เวลาสวดมนต์ทำวัดอยู่บางทีจิตก็แวบคิดถึงเรื่องนี้ด้วยก็เพราะว่าชอบพออยู่กับโยมคนป่วย เคยคุยกันมานานหลายปีแกเป็นคนดีก็มักจะคิดว่าคนดีๆก็ไม่น่าจะต้องมาเป็นโรคร้ายแล้วถ้ามันเป็นเข้าไปแล้วก็น่าจะมียาดีๆรักษาโรคนั้นได้คืนนั้นท่านก็ฝันเห็นพระรูปหนึ่งเอาหอยามายื่นให้ในฝันก็ดีใจจะช่วยโยมสมบูรณ์ได้แล้วแต่พอตื่นควานมือหาหอยาก็ไม่พบจะแล้วจงกระทั่งบ่ายวันต่อมานั้นท่านฉันเพลแล้วก็ กำลังกวาดลานวัดอยู่พอเงยหน้าก็พบพระตุดงมายืนอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ยื่นหอกระดาษสีน้ำตาลให้แล้วถามท่านว่ามีคนป่วยอยู่ใช่ไหมเอายานี้ไปให้เขาเสาะคนป่วยคนไหนอะครับคนป่วยที่เป็นมะเร็งตับปะท่านก็นึกได้ทันทีว่าลุงสมบูรณ์นั่นเองรีบเอาไปต้มให้กินเสะเดี๋ยวจะไม่ทันการท่านก็เลยรีบเอายามา แต่มันก็ไม่ทันซะแล้วพระรูปที่ท่านเอายามาให้พระนพดลก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนรับหอยามาก็ตื่นจากผวังมองหาพระทุดงท่านไม่อยู่แล้วเอ้หมายความไปยังไงก็รีบวางไม้กวาดเดินตามหาก็ไม่เจอตัวท่านก็รีบเอาหอยาไปที่บ้านเร่งรีบจะให้ทันเวลาป้าทองเจืยมมีความเชื่อว่าสามีไปดีเพราะเขาเป็นคนดีจะต้องไปสวรรค์ ตลอดชีวิตเขาไม่เคยทำบาป ท, ทำกรรมอะไรร้ายแรงเขาใจบุญสุนทานด้วยแล้วที่ทำให้แกเชื่อมากๆเลยก็คือตอนขาดใจสิ้นลมนั้นมีพระมารับเอาดวงวิญญาณไปพระธุดงที่แกมองไม่เห็นตัวท่านนั่นแหละตอนที่ป้าทองเจือแกเดินแวะไปดูผัวแกรู้สึกว่ามีใครสักคนเดินสวนทางแกออกไปจากห้องนั้นลมวูบผ่านตัวแกแล้วแกก็เห็นเงารางๆแวบๆอีกด้วยก็น่าจะเป็นพระธุดง แต่แกก็ไม่เข้าใจว่าพระทุดงรูปนั้นมาจากไหนท่านคงไม่ใช่พระธรรมดาอย่างแน่นอนท่านสามารถที่จะไม่ให้คนบางคนเห็นตัวท่านป้าทองเจือก็เลยมั่นใจว่าผัวของแกตายดีมีพระมารับดวงวิญญาณจะได้ไม่เคว้งคว้างอยู่นานเพราะวิญญาณที่ใช้เวลานานกว่าจะหาทางไปได้นี่มันไม่ดีแล้วถ้าบังเอิญมีผู้อื่นมารับมันก็ไม่ดีเหมือนกับพระรับไป แกเชื่อว่าลุงสมบูรณ์ผัวแกต้องไปสวรรค์แน่นอนครับหากว่าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองชัยภูมิจะมองเห็นภูเขาสีเขียวพาดอยู่ตลอดแนวขอบฟ้าทางทิศเหนือเป็นแนวยาวอันที่จริงเทือกเขาแห่งนี้มีชื่อทางราชการว่าเทือกเขาพูแลนคาประกอบด้วยภูเขาเล็กๆหลายลูก แต่ว่าชาวบ้านเรียกรวมๆกันว่าเขาเขียวหากข้ามทิวขาวลูกนี้ไปก็จะเป็นอำเภอภูเขียวมีเรื่องเล่าว่าที่เชิงเขาแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งปลูกอยู่บนเนินที่มีบริเวณไม่มากนักมีต้นไม้ใหญ่น้อยล้อมรอบด้านหลังเป็นเทือกเขาสูงด้านหน้าไกลออกไปก็เป็นลำธารสายหนึ่งที่มีน้ำใสไหลรินตลอดปีแล้วก็มีน้าตกเล็กๆที่สวยงามกระท่อมหลังนี้ ปูกสร้างง่ายๆด้วยการนำต้นไม้เล็กมาประกอบเป็นเสาแล้วก็คือคานปูด้วยกระดานควากยกสูงจากพื้นดินเพียงหน้าอกหลังคาก็มุงด้วยใบยตองตึงชายวัยเจ็ดสิบปีผู้หนึ่งร่างผอมสูงแต่งตัวผิดจากชาวบ้านทั่วไปเป็นลักษณะของนักพรสเขานั่งอยู่บนพื้นบ้านที่ทำไดยปีกไม้หยาบๆอ่าแล้วก็มีตั้งสำหรับรองเขียนหนังสือสูงประมาณหนึ่งศอกและมีความกว้างพอประมาณ สำหรับเป็นโต๊ะอ่านและเขียนหนังสือได้บนตังก็มีใบลานผูกหนึ่งวางอยู่เขาก็พลิกอ่านใบลานนั้นทีละแผ่นอย่างพินิจพิจารณามันเป็นหนังสือตำรายาภาษาขอมที่เขาได้รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษวันนั้นใกล้ค่าแล้วขณะที่เขากําลังอ่านทบทวนตํารายาอยู่นั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นดีเชิงเขาไกลออกไปทําให้เขาเสียสมาธิก็เลยเก็บหนังสือใบลานนั้นเสียแล้วลุกออกไปยืนที่นอกฌาน มองไปยังบริเวณที่มาของเสียงปืนแล้วก็รำพึงออกมาบอกว่าเออเบียดเบียนกันอีกแล้วเนาะเขาก็กลับเข้าไปภายในกระท่อมส่วนหนึ่งก็เป็นที่นอนของเขาก็มีเสื้อขาวๆปูมีหมอนใบหนึ่งแล้วก็ผ้าห่มผืนหนึ่งเหนือหัวนอนเป็นหิ้งพระขนาดเล็กมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งทำด้วยไม้ตั้งอยู่บนตังทางด้านขวาขององค์พระก็เป็นแจกันทาจากกระบอกไม้ไผ่มีดอกไม้ป่าประดับอยู่ ตรงกลางเบื้องหน้าองค์พระเป็นกระถางทูปทำด้วยดินปั้นที่เขาทำเองมีทูปแล้วก็เทียนไขจำนวนหนึ่งวางอยู่ใต้ตังเขาจุดทูปทเทียนปักไว้ณนะที่ของมันแล้วก็กราบพระเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าขอคุณพระรัตนตรัยคุณเจ้าป่าเขาเขียวได้โปรดประทานความเมตตาแก่สพรพสัดด้วยเถอะขอให้ช่วยบรรดาลจิตบรรดาลใจของพวกเขา ให้มีเมตตาต่อกันด้วยเถอะอย่าเข็นข่าหมายมั่นปั้นมือเอาชีวิตกันเลยคันแล้วเขาก็คลานไปนอนลงบนเสือ่อเอามือทั้งสองวางไว้ที่หน้าอกพักผ่อนอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาขณะที่เขาเคลิ้มเคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่นหูของเขาก็แววได้ยินเสียงครางเบาๆมาจากที่ใดที่หนึ่งเขาก็ลืมตาตื่นแล้วก็ลุกจากที่นอนเดินไปยืนอยู่ที่นอกชานไม่มีเสียงอะไรปรากฏอีกแต่เขามั่นใจว่าเสียงคลางนั้น เป็นเสียงของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอนแต่แม่ทราบว่าเป็นผู้ใดด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมเขาก็เดินลงจากกระท่อมตามทางเดินลงไปสู่ลําน้ำซึ่งเป็นเส้นทางเดียวที่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ที่กลางทางเดินนั้นห่างจากกระท่อมไม่ถึงหนึ่งเส้นเขาก็พบเสือโครง่งตัวหนึ่งนอนหายใจรวยรินอยู่มีเลือดสดๆไหลเปรอะบริเวณซอกคอของมัน เขานึกรู้ทันทีว่าเสือตัวนี้ถูกยิงคงจะเกิดจากเสียงปืนดังเมื่อสักครู่เนี้เขาก็เดินเข้าไปใกล้ๆพบว่ามันนอนหลับตาไม่กระดุกกระดิกแต่พิจนารณาดูแล้วเขาเชื่อว่ามันคงหมดสติไม่ถึงจะตายเพราะมันยังหายใจอยู่นักพรตเดินกลับไปที่กระท่อมของเขาแล้วก็กลับมาพร้อมได้ยาสมุนไพรจำนวนหนึ่งเขานั่งลงข้างๆเออนอนเฉยๆลูกนะเดี๋ยวพ่อจะช่วยชีวิตเจ้า เขาค้ำดูแผลที่ถูกยิงแล้วพบว่ า, ามีลูกปืนเม็ดตะกัว่วลูกหนึ่งติดอยู่ในเนื้อบริเวณซอกคอของมันเขาก็แคะลูกปืนนั้นออกแล้วก็เอายาสมุนไพรอุดรูปากแผลเป็นการห้ามเลือดแล้วก็รักษาแผลไปในตัวแล้วก็เอายานนะั้ส่วนหนึ่งยัดเข้าไปในปากของมันเสร็จแล้วก็เอามือลูบหัวเสือเป่าหัวมันสามทีเออขอให้หายนะลูกเขาก็เดินกลับไปที่กระท่อมตามเดิมโดยหวังว่าเสือที่ได้รับบาดเจ็บตัวนั้นคงจะหาย วันรุ่งขึ้นเขาเดินออกจากกระท่อมไปจะพระลาดทิตยังไม่ขึ้นเ่าตั้งใจว่าจะไปดูเสือตัวนั้นว่ามันหายจากอาการบาดเจ็บหรือไม่หรือว่ามันตายแล้วเมื่อไปถึงบริเวณที่เสือนอนเจ็บอยู่นั้นเขาพบว่าไม่มีเสืออยู่น่าตรงนั้นแล้วแสดงว่ามันฟื้นขึ้นมาในเวลากลางคืนแล้วก็ลุกเดินเข้าป่าไปเขาก็ยิ้มด้วยความพอใจย้อนหลังไปก่อนเหตุการณ์นี้นายสีกับนายมั่นชายวัยเดียวกันอายุประมาณสามสิบห้าปี เป็นชาวบ้านอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากตีนเขาไม่ไกลมีอาชีพทำไร่ทำนายามว่างงานก็เข้าป่าหาเก็บของป่ามาขายแล้วก็เข้าป่าเพื่อล่าสัตว์เป็นครั้งเป็นคราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในป่าที่เชิงเขาเขียวในมีสัตว์ป่าจํานวนอ่าพวกเก้งแล้วก็หมูป่าชุกชุมวันไหนโชคดีพวกเขาได้หมูป่าสักตัวก็สามารถจะนําไปทําอาหารสู่กันกินทั้งครอบครัวที่เหลือกินก็นําไปขาย การล่าสัตว์ก็เลยเป็นอาชีพเสริมอย่างหนึ่งของพวกเขาอยู่มาวันหนึ่งทั้งสองได้เข้าป่าตั้งใจจะไปหาของป่าแล้วก็ตีพึ่งเมื่อตะวันบ่ายคล้อยพวกเขาก็เตรียมลงจากเขาพร้อมด้วยน้ำพึ่งจำนวนหนึ่งบังเอิญระหว่างทางได้พบกระเสือโคร่งตัวหนึ่งนอนอยู่ในขวดหินในระยะไกลนายนสีซึ่งไม่มีอาวุธใดๆนอกจากมีดก็รีบวิ่งหนีไปโดยเร็วแต่ในมั่นซึ่งเอาปืนไปด้วยก็หยุดยืนดูเสืออยู่ เขายกปืนขึ้นส่องเล็งไปที่ร่างของเสือซึ่งหมอบเฉยอยู่บนโขดหินนั้นเพราะเขาลั่นไกลปืนเสียงเปรี้ยงเสือตัวนั้นลุกขึ้นแยกเขี้ยวคำรามแล้วกระโจนลงจากโขดหินหายเข้าป่าไปต่อจากนั้นนายมั่นก็วิ่งตามนายสีไปโดยไม่สนใจจะเกิดอะไรตามมาเขายิงมันด้วยความขนองเท่านั้นน่ะมันเป็นเสือตัวเดียวกันกับที่นักพรตพบมันนอนเจ็บอยู่แล้วก็ให้ยารักษามันนั่นเอง อีกหลายวันต่อมาในสีกับในมั่นในนัดหมายกันเข้าป่าล่าสัตว์อีพวกเขามีปืนแก๊ปคนละกระบอกเตรียมอุปกรณ์พร้อมนําอาหารกลางวันไปด้วยแล้วก็พากันมุ่งหน้าไปที่เขาเขียวซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเพียงสองกิโลเมตรเท่านั้นหลังจากเดินลัดทุ่งนาที่โล่งเตียนไปแล้วก็ถึงเชิงเขาระหว่างทางพวกเขาก็พบเด็กเลี้ยงควายกลุ่มหนึ่งที่นําบัวควายหากินอยู่แถวนั้นเด็กเลี้ยงควายคนหนึ่งก็บอกน้า เมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นหมูป่าหลายตัวลงมากินน้ำที่หนองน้ำตรงนั้นน่ะเด็กเลี้ยงควายพูดก็ชี้ไปที่หนองน้ำข้างหน้าซึ่งอยู่ติดกัเชิงเขาพวกเขาก็เดินไปดูร่องรอยหมูป่าที่ริมหนองน้ำแห่งนั้นแล้วก็พากันแกะรอยตามฝูงหมูป่าไปหมูป่าฝูงนั้นพากันเดินไปหากินหน่อไม้ที่เชิงเขาเสร็จแล้วก็บ่ายหน้าขึ้นเข้าป่าทึบพวกเขาสะสกดรอยตามพวกมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปพบพุ่มสาบเสือ บริเวณกว้างมีถาวร น, นานาชนิดขึ้นหนาแน่นปกคลุมเหมาะจะเป็นที่หลับที่นอนของพวกมันเพราะเป็นการยากที่คนหรือว่าสัตว์อื่นจะมุดตามมันเข้าไปได้โดยที่มันไม่รู้ตัวเออมันคงนอนอยู่ในพุ่มไม้ทึบข้างหน้าแล้วนี่แหละในมั่นบอกอย่างงั้นพลังถือปืนเตรียมพร้อมในสีก็ลดปืนลงจากบ่าเอาแก๊ปติดจะง่อยนกปืนในลักษณะเตรียมพร้อมเหมือนกันเออล้วทํายังไงเราจะให้มันออกมาจากดงสาบเสือนั่นได้อ่ะ ไม่ยากอะเอ็งไปคอยดักทางออกของมันทางโน้นส่วนกูจะมุดเข้าไปในดงสาบเสือไล่มันออกไปเออถุกนุ่งในสีพูดแล้วก็เดินอ้อมบริเวณพุ่มสาบเสือนะั้นไปไกลพอสมควรกระทั่งไปถึงจุดที่คาดหมายว่าหากหมูป่าถูกไล่จากทางโน้นมันคงออกมาทางนี้แนะ่เมื่อคะเนว่าเพื่อนเดินไปถึงจุดหมายแล้วในมั่นก็ถือปืนเดินก้มก้มเงยเงยมุดเข้าไปในดงสาบเสือบางครั้งก็นั่งคุกข่าก้มมอง มองหาว่าหมูป่าพากันนอนอยู่ที่ไหนแต่ว่าปุ้มไม้ทึบมากมองอะไรไม่เห็นเขาก็เลยมอบงอบคลานคลานเข้าไปอย่างชา้าช้าสักครู่ใหญ่เขาก็ได้ยินเสียงลูกหมูหลายตัวร้องเบาๆเข้าใจว่ามันคงคงจะแย่งกันดูนมแม่นั่นเองยิ่งทําให้เขามีกําลังใจและมั่นใจว่างานนี้คงไม่เสียเที่ยวแน่ในมั่นก็พยายามเคลื่อนที่เข้าไปชา้าช้าเงียบเงียบไม่ก่อให้เกิดเสียงอะไรซึ่งจะทําให้หมูที่หลับนอนอยู่ตื่นก่อนที่เขาจะ ทันได้เห็นตัวมันแต่เขาก็ทําพลาดจนได้เข่าของเ้า ข, ข้างหนึ่งกดทับกิ่งไม้แห้งท่อนนึ่งทำให้ให้เกิดเสียงดังเปาะทันใดนั้นในระยะไกลออกไปประมาณสิบวาหมูป่าตัวผู้เคี้ยวงาง ง, งในลุกขึ้นยืนและส่งเสียงเตือนสมาชิกในกลุ่มในสีหยุดการเคลื่อนไหวใดๆมองขมิ้นไปยังหมูป่าตัวนั้นที่มองเห็นเป็นรูปร่างทำมือนอยู่ใต้พุ่มไม้เขาไม่พร้อมที่จะยิงเพราะว่ามือที่ถือปืนวางราบอยู่กับพื้น เขาค่อยๆ ย, ยกปืนขึ้นปากกระบอกปืนไปเกี่ยวเอาเถาวันทํำให้ใบไม้ไหวหมูป่ามองเห็นเขาแล้วมันส่งสัญญาณเตือนอีกครั้งแล้วหมูป่าทั้งฝูงก็ลุกพรวดพลาดพากันวิ่งคึกคั่กออกจากที่ซ่อนไปอย่างรวดเร็วนายมั่นไม่อาจจะยิงหมูป่าตัวใดได้เพราะพวกมันวิ่งกลูกันออกไปอย่างชุลมุนไม่รู้จะเล็งที่ไหนได้แต่ ง, ง้างนกปืนค้างอยู่เพียงอึดใจเดียวหมูป่าทั้งฝูงก็อันตราธานหายไปจากสายตา เขาก็ได้แต่ตะโกนร้องบอกเพื่อนบอกเฮ้ยหมูออกไปแล้วพร้อมกันนั้นเขาก็รีบมุดตามหมูออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อว่าจะทันได้เห็นตัวมันและได้ยิงสักตัวก็ยังดีในสียืนถือปืนจ้องคอยทีอยู่แล้วหมูป่าแตกตืนกรูกันออกมาจากพุ่มไม้ตรงหน้าเขาพอดีโดยมีแม่หมูวิ่งหางชี้ออกนำหน้าตามได้ลูกตัวเล็กๆ เ, เป็นพรวนมันเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นมากเขาปล่อยให้หมูแม่ลูกอ่อนหนีไปด้วยไม่อยากจะยิงมัน ยังมีหมูในฝูงอีกหลายตัวให้เลือกได้เขาก็เล็งไปที่หมูวัยรุ่นตัวหนึ่งแต่มันวิ่งเร็วมากเกรงว่าจะยิงไม่ถูกก็หันปากกระบอกปืนเตรียมมาที่ปากทางหมูออกกรอคอยตัวอื่นลักษณะการวิ่งอย่างแตกตื่นของหมูป่านั้นเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบมันไม่ได้วิ่งตามกันเป็นแถวเป็นแนวแต่มันวิ่งพลุกพล่านไปหมดกระจายออกไปเกือบจะทุกทิศทุกทางพร้อมๆกันเพียงชั่วอึดใจเดียวพวกมันก็หายวับไปแล้ว ในสีก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยแต่หวังว่าจะมีหมูบางตัวที่ล้าหลังไม่ออกมาน่าจะมีสักหนึ่งหรือสองตัวที่กําลังออกมาคราวนี้เขาจะไม่ยอมพลาดแน่ทันใดนั้นมีพุ่มไม้ไหวข้างหน้าในสีก็ไม่รอช้าอีกแล้วก็จ้องเล็งที่พุ่มไม้นั้นจนเหนี่ยวไกปืนทันทีเสียงเปรียงโอ้ยในสีตกใจมืออ่อนตีนอ่อนปืนหลุดร่วงจากมือ เขาวิ่งเข้าไปดูพบว่าหลังพุ่มไม้นั้นในมั่นนั่งคุกเข่าเอามือกุมแขนข้างหนึ่งมีเลือดทะลักออกมาเปียกชุ่มเสื้อไอ้ e y, บักสีมึงยิงกูในมั่นร้องออกมาใบหน้าบิดเบี้ยวแสดงความเจ็บปวดอ่าบักหาเอ้ยหมูเป็นผูมึงทำไมไม่ยิงไมายิงกูทำไมในสีนั่งลงยกมือไหว้ปลกุปลกปลุกขอโทษด้วยเพื่อนกูว่าจะยิงหมูไม่นึกว่าจะเป็นมึง ในมั่นถูกกระสุนปืนในสีที่บริเวณต้นแขนทั้งนี้เพราะว่าเขายกแขนข้างนั้นเพื่อปัดใบไม้ที่บังตัวพอดีแสดงว่าในสียิงแม่นเอาการอยู่ลูกปืนเพียงแต่ผ่านทะลุเนื้อต้นแขนน้องเข้าไปในสีก็ประคองเพื่อนออกมายังที่โลง่งจัดการปฐมพยาบาลโดยการฉีกเอาผ้าข้าม้ามาทำพันแผลแล้วก็พยุงในมั่นเพื่อนรักกลับบ้านเรื่องในมั่นยิงเสือและในสียิงในมั่นนี้เป็นที่รู้และร่ำเรื่องไปทั่ว หลายคนได้ยินได้ฟังและหัวเราะเยาะสะใจไม่มีใครนึกสงสารในมั่นเลยสักคนนักโดชราที่อาศัยอยู่ในกระท่อมที่เชิงเขาเขียวก็รู้ข่าวนี้เหมือนกันด้วยมีผู้คนไปมาหาสู่กันอยู่เสมอแล้วก็นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเล่าให้นักโพดฟังอีกสองปีต่อมาในมั่นและในสีพากันเข้าป่าเพื่อหาของป่าอีกวันนั้นพวกเขาไม่ได้อะไรนักนอกจากผักหวานแล้วก็ดอกกระเจียวคนละถุง ก่อนที่จะกลับบ้านพวกเขาพากันลงอาบน้ําที่ท่าน้ําใกล้ที่พักของนักพรชราแล้วก็ปรึกษากันว่าเอยเดี๋ยวไปหาปู่ด้วงสักหน่อยไหมไปเดียเผื่อจะได้ของดีจากท่านบางังเห็นเขาลือกันว่าปู่ด้วงในมีกระทะอาคมแก่กล้าไหนไหนก็มาถึงนี่แล้วแวะไปคุยกับท่านหน่อยก็ดีสองเกลือก็พากันเดินตามทางเดินขึ้นเขาไปก็พบกระท่อมนักพรตเมื่อไปหยุดยืนอยู่ที่ลานหน้าบ้านมองไปเห็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ตัวนึงนอนอยู่ที่นอกชาน คนทั้งสองตกใจหน้าซีดเผือดไม่กลาก้ากระดุกกระดิกเพราะกลัวเสือจะตื่นมาเห็นข้าวแล้วทำร้ายเอาได้ในใจคนทั้งสองต่างก็คิดตรงกันว่าเสือร้ายตัวนี้คงจะกินนักพสชราเข้าไปแล้วแล้วก็นอนพึ่งพุงอย่างสบายอารมณ์ขณะที่กำลังค่อยๆถอยหลังเดินอย่างช้าๆอยู่นั้นมีเสียงกระแอมไอดังมาจากในกระท่อมคนทั้งสองก็หยุดชะ ง, งักอยู่ต่างก็คลางแคลงใจไปตามๆกันไม่รู้ว่าเป็นการกระแอมไอของคนหรือผีกันแนะ่ ทันใดนั้นร่างของนักโพชาราก็ปรากฏขึ้นที่นอกชานเขายือนอยู่ข้างทางเสือมองมาที่แขกแปลกหน้าเอาขึ้นมาบนบ้านก่อนสิคนทั้งสองขนาดนี้แทบจะกอดกันกลมมองไปยังเสือด้วยสีหน้าแสดงความหวาดกลัวนักโพชาราก็หันไปทางเสือตัวนั้นก้มลงเอามือลูบหัวมันเบาๆเออไปก่อนนะลูกมีคนมาหาพ่อ เสือโคร่งตัวใหญ่ก็โงหัวขึ้นอ้าปากหาวยังเกียจคร้านแล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนมันหันหน้ามามองคนทั้งสองโดยดวงตาเฉยๆไม่แสดงความรู้สึกก่อนที่มันจะกระโจนลงจากระท่อมเดินลากหางเข้าป่าไปในมันและในสีตามจริงแล้วอยากจะไปจากที่นั่นโดยเร็วมากกว่าแต่เมื่อผู้เป็นเจ้าของบ้านกล่าวเชิญอีกเป็นครั้งที่สองพวกเขาก็ไม่อาจจะขัดได้ก็จำใจ ขึ้นไปบนบ้านน้อยหลังนั้นแล้วก็นั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่ที่นอกชานนั่นเองส่วนนักพทชารานั้นก็นั่งอยู่บนส่วนของบ้านที่ยกพื้นสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากโอภาปราัยแล้วในมั่นก็อดจะถามไม่ได้เออเสือตัวตะกี้นี่พ่อปู่เลี้ยงเอาไว้หรอครับไม่หรอกมันมาของมันเองอยากมามันก็มาอยากไปมันก็ไปเออก็แปลกนี่นะครับไม่แปลกหรอก พ่อเคยช่วยชีวิตมันไว้มันก็เลยรักพ่อมาอยู่เป็นเพื่อนพ่อเท่านั้นเองเอพ่อปู่เคยช่วยชีวิตมันมันป่วยเป็นอะไรนะครับเมื่อสองปีก่อนมีคนใจบาปหยาบช้า ย, ยิงมันแล้วมันก็สมซานมาให้พ่อใส่ ย, ยาให้เพราะมันหายดีแล้วมันก็มาอยู่กับพ่ออย่างที่เห็นนี่แหละในมันก็สะดุ้งเฮือกเพราะว่าสิ่งที่ชายชาราพูดนั้นแทงใจดําของเขาอย่างจัง เงือแตกเลยทีนี้อั้มอึ้งไปครู่ใหญ่ต่อมาในสีก็ยืน่นมือมาสกิดสีข้างถึงได้สติและสา ร, รภาพออกมาเอาคนที่ยิงเสือเมื่อสองปีก่อนนะคือผมเองนะครับ ป, ป้าปูชายชาราเขามองหน้าเขาอยู่ก่อนแล้วท่านก็ยิ้มอ่าเรื่องนั้นพ่อรู้อยู่แล้วแล้วก็รู้ด้วยว่าวันนี้เจ้าจะมาสา ร, รภาพความผิดในมันมีน้ําตาคลอเบ้าเลยเขาพนมมือก้มกราบแทบเท้าชายชาราแล้วก็ละล่ำลลัก กรุณายกโทษให้ผมด้วยครับป้าปูผมผิดไปแล้วผมขอสัญญาว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกแล้วครับคนที่ทำบาปนั้นนรกก็รับรู้นะคนที่ทำผิดแล้วสารภาพแล้วกลับตัวกลับใจได้นะั้นสวรรค์ก็รับรู้เหมือนกันนับแต่นี้ไปให้เจ้าจงเดินไปตามทางสวรรค์เถอะส่วนทางไปนรกนายอย่าไปอีกเลยลูกเอ้ยในสีถึงนั่งฟังอยู่นานแล้วก็ตรงเขากราบแทบเท้าชาชาราผมก็เหมือนกันครับป้าปู แต่ก่อนนี่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากนับแต่นี้ไปผมจะไม่ทำบาปอีกแล้วครับออสาธุขอให้เจริญเจริญเถอะะคุณปู่ด้วงใช้ชีวิตบ้านปลายของเขาอยู่ที่เชิงเขาเขียวแห่งนี้จนสิ้นชีวิตชาวชายภูมิที่รู้จักและเคารพนับถือก็เลยร่วมกันสร้างศาลประดิษฐานรูปปั้นของท่านไว้ณริมฐานน้าตกตาโตนเป็นอนุสร์อยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ครับ ประสบการณ์รเผชิญวิญญาณของหลวงปู่บุญมาที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้ครับเป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ท่านบวชได้ 3, สามพรรษาตอนนั้นยังเป็นพระหนุ่มเพิ่งจะย่างก้าวเข้าสู่ภาวะของพระภิกษุแต่ว่าเป็นการเข้ามาอย่างมีความมุ่งมั่นและมุ่งหมายถึงกับตั้งจิตอธิษฐานมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธศาสนาจนกว่าชีวิตจะหาไม่ แล้วก็มุ่งหวังจะบรรลุสู่มรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากสังสารวัฏให้ได้ในชาตินี้เพราะฉะนั้นหลวงปู่บุญมาท่านก็ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติธรรมทำความเพียรทางจิตทั้งวันทั้งคืนพันษาที่สามหลวงปู่บุญมาจำพรรษาอยู่ที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีพอออกพรรษาแล้วก็เดินทางไปช่วยพระอาจารย์บุญซึ่งเป็นอาจารย์เนี่ ตัดเย็บสบงจีบอลพอเสร็จงานก็กราบลามากับสามนเณรน้อยรูปหนึ่งเที่ยวทุดงไปทางแม่น้ำกำมสงครามโดยมุ่งหน้าไปบ้านนาดอกไม้แล้วก็ท่าวังกายก่อนจะถึงหมู่บ้านท่าวังกายท่านได้พบเห็นเหตุการณ์น่าสลดใจนั่นก็คือมีชาวบ้านซึ่งกำลังมีงานบุญแห่แหนตัดทุ่งมาเป็นขบวน พอถึงกลางทุ่งมีควายแม่หมันบ้าคลั่งวิ่งไล่ขวิดขบวนแห่จนชาวบ้านแตกกระเจงวิ่งหนีหญิงสาวอายุประมาณสักสิบแปบเกปีคนหนึ่งวิ่งหนีขึ้นไปบนต้นจานถูกควายไล่ตามแล้วก็พุ่งเข้าจนต้นจานหลายครั้งจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นตกลงมาตกลงมาที่วางเขาควายถูกควายขวิดถึงกับขาขาดสิ้นใจตายอย่างน่าอ น, นาถที่โคนต้นจานนั่นเอง มีคนในหมู่บ้านเอาปืนมายิงควายแม่หมันตัวนี้หลายคนแต่ว่าควายกลับไม่เป็นอะไรทั้งที่ถูกยิงหลายนัดแล้วมันก็หนีกลับเข้าป่าไปอีกเมื่อเหตุการณ์สงบหลวงปู่บุญมากับสามเณรก็เข้าไปในหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวภูไทยเวลานั้นน้ําฉันในกานหมดเกลี้ยงหลวงปู่กับเนรก็รู้สึกกระหายน้ําเป็นกําลังก็เอ่ยปากขอบินทบาทน้ําเพื่อจะเอามาฉันแต่หน้าประหลาดที่ไม่มีใครเอาน้ํามาถวายพระธุดง ซ้ำอย่างแสดงกิริยาวาจาไม่เคารพนับถือพระสงฆ์แม้แต่น้อยหลวงปู่บุญมาก็เลยให้เนนไปตักน้ำที่บ่อชายทุ่งซึ่งเวลานั้นมีผู้หญิงสาวชาวบ้านหลายคนกนาลังตักน้ำเอาขึ้นมาใชา้แทนที่จะมีใครช่วยตักน้ำมาเติมใส่บาตรให้เนนผู้หญิงพวกนี้กลับเมินเฉยเหมือนกันหมดทั้งยังพูดจากระแนกระแหนแสดงความรังเกียจซึ่งซึ่งหน้า หลวงปู่เดินตามมาแล้วก็บอกให้เนนเอาเชือกถึงกรดมาผูกมัดบาดให้แน่นแล้วหย่อนลงไปตักน้ําในบ่อเองคนมีอายุคนหนึ่งบ้านอยู่ติดกับชายทุ่งเห็นพระกับเนนกําลังตักน้ําด้วยบาดดูทุลักทุเลก็เลยเอาน้ําใส่ถังหิ้วมาถวายพอดีเนนตักน้ําขึ้นมาได้แล้วก็นํามาถวายให้หลวงปู่บุญมาฉันหลังจากฉันน้ําเสร็จแล้วหลวงปู่บุญมาก็สนทนากับคนมีอายุคนนั้นด้เขาเรียกว่าพ่อออกเนี่ยตามภาษาชาวบ้าน ได้ความว่าที่หมู่บ้านนี้มีวัดเหมือนกันแต่ไม่มีภิกษุสามเณรจำมันสาอยู่เลยก็กลายเป็นวัดร้างไปนานแล้วสาเหตุที่ไม่มีพระภิกษุสามเณรจำมันสาก็เนื่องจากชาวบ้านชาวภูไทยนี่ไม่ให้ความอุปถัมป์ตามสมควรพระเนนก็อยู่กันไม่ได้การที่ชาวบ้านไม่อุดหนุนค้ำจุนพระเนนถึงกับพระเนนต้องหนีหายไปจากวัดจนหมดก็ปล่อยให้วัดรกรางอย่างเนี้ยออกจะเป็นเรื่องประหลาดอยู่เพราะว่า ชาวอีสานโดยทั่วไปไม่ว่าจะยากดีมีจนขนาดไหนจะมีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ถือว่าการใส่บาตร ท, ทาบุญกับพระสงฆ์เนี่ยเป็นกุศลใหญ่แต่สำหรับหมู่บ้านนี้เหมือนกับหันหลังให้พระให้เนนไม่ยอมอุปถัมภ์เกื้อกูลมีหน้ำซ้ำยังแสดงกิริยาวาจาดูหมิน่นดูแคลนอย่างออกหน้าออกตาน่าจะมีสาเหตุแยกออกเป็นสองประการประการแรก พระเนยียนทำตัวเหลวไหลไม่สมควรให้ได้รับความเครารพศรัทธาหรือประการต่อมาชาวบ้านนับถือผีไม่นับถือพระวัดก็อยู่ไม่ได้ระหว่างที่สนทนากับพ่อออกอยู่นี้หลวงปู่บุญมาก็ปรารถว่ามีสถานที่ไหนที่สงบสงัดใกล้แหล่งน้ำบ้างท่านต้องการไปพักชั่วระยะหนึ่งเพื่อปฏิบัติธรรมพ่อออกก็บอกว่าแกน่ะเป็นชาวอุบลราชธานีมาทาสวนอ้อยอยู่ที่นี่ บริเวณสวนอ้อยของแกเนะี่ยพอจะมีที่ว่างแล้วก็อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านพอสมควรบ่อน้ำก็มีแต่บริเวณสวนอ้อยนะพวกสัตว์ดุร้ายเช่นหมีเสือมักจะผ่านเข้ามาอยู่เป็นประจํหลวงปู่บุญมาบอกว่าเรื่องสัตว์ร้ายนะท่านไม่กลัวหรอกเพราะว่าถือว่าไม่ได้มาอยู่อาศัยเพื่อเบียดเบียนใครทั้งสิน้นที่มาทำนักพักพิงชั่วคราวก็เพื่อปฏิบัติธรรมหวังผลนิพพานหลุดพ้นไปจากกิเลสกองทุกข์ หากจะมีหนี้กรรมต้องชดใช้ให้แก่สัตว์ดุร้ายทั้งหลายท่านก็ปรงชีวิตเพียงแค่นั้นท่านว่าอย่างนั้นยังไม่ทันที่หลวงปู่บุญมาจะตัดสินใจพาสมณีนไปพักที่สวนอ้อยพ่อออกผู้ใหญ่บ้านก็มานมัส ก, การท่านครั้วนทราบว่าพ่อออกนิมนต์ท่านไปพักที่สวนอ้อยก็รีบคัดค้านทันทีโดยอธิบายว่าที่บ่อน้ําในสวนอ้อยนั้นน่ะชาวบ้านจะไปตักน้ํามาใช้ทุกวัน แล้วก็ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงกลุ่มนี้ดูเหมือนจะตั้งตัวเป็นปรปักกับพระด้วยการแสดงกิริยาวาจาที่ไม่งามจะเป็นการรบกวนการปฏิบัติธรรมของท่านเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านก็เลยนิมนต์หลวงปู่บุญมากับสามเณรพักในหมู่บ้านสักคืนหนึ่งก่อนต่อวันรุ่งขึ้นจะได้หาสถานที่เหมาะสมให้ท่านอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ก็อนุโลมตามวันรุ่งขึ้นมีชาวบ้านคนนึงรับอาสาพาหลวงปู่บุญมาไปดูสถานที่ปฏิบัติธรรม โยมคนนี้ก็พาลูกชายฝาแฝดตัวเล็กๆอายุสักห้าขวบติดตามไปด้วยไปดูกันหลายแห่งหลายที่ทั้งในเขตปา่าช้าอันสงบสงัดแต่ก็ไม่ไม่ตกลงเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำพออาศัยจะใช้สงใช้ฉันได้กระทั่งโยมก็พามาตรงสุดชายที่ดินของเขาซึ่งมีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ด้วยเดินมาใกล้จะถึงหลวงปู่ก็ถามว่าที่มีน้าเนี่ยอยู่ตรงไหน แทนที่โยมจะชี้มือให้ดูกลับงอแขนใช้ข้อศอกชี้แทนทราบภายหลังว่าที่โยมไม่กล้าใช้มือชี้เนื่องจากกลัวผีกลัวผีมันจะโกรธที่พาพระธุดงค์มาอยู่ในเขตของมันหลวงปู่บุญมาจึงก็เดินไปตามทางที่โยมแสดงความหมายบอกเดินไปได้หน่อยหนึ่งก็เห็นต้นบกใหญ่ต้นหนึ่งเป็นต้นบกที่ใหญ่มากแผ่กิ่งก้านออกไปโดยรอบมีรัศมีไม่ต่ำกว่าสิบหกเมตร เลยออกไปอีกหน่อยก็มีต้นยางสองต้นขึ้นอยู่ข้างๆแล้วก็เป็นต้นยางที่มีขนาดใหญ่พอๆกันกับต้นบกใต้ต้นบกก็มีลูกบกหลน่นเกลื่อนไปหมดหากเป็นบ้านอื่นนี้ชาวบ้านจะมาเก็บเอาลูกบกบกไปกินเกลี้ยงไม่เหลือให้เห็นแน่นอนแต่ที่บ้านนี้กลับไม่มีใครกล้าเอาลูกบกไปกินเพราะว่าเคยมีคนมาเก็บลูกบกปรากฏว่าโดนผีทาจนชักดิน้นชักงอเล่นเอาชาวบ้านหวาดกลัวเป็นที่สุด ตังแต่นั้นชาวบ้านอยากจะกินลูกบกแค่ไหนก็ไม่มีใครกล้าบาังอาจมาแตะต้องเมื่อหลวงปู่บุญมาเดินเข้าไปดูที่ต้นบกใกล้ๆเห็นมีอักษรตัวยันสลักติดไว้บนลำต้นนอกจากนั้นก็มีตะปูสะกดตอกติดไว้โดยรอบต้นแล้วก็ยังมีเสี้ยนไม้คว้าผ่าตอกติดอยู่ด้วยแสดงว่าผีที่ต้นบกนี่เฮี้ยนน่าดูแล้วก็ทราบในเวลาต่อมาว่าผีที่สิงต้นบกเนี่ยดุร้ายเป็นที่หวาสยองของชาวบ้านแห่งนี้มานานแล้ว เคยมีหมอผีอาคมขลังมาทําพิธีสะกดผีร้ายที่ต้นบกนี้อย่างที่เห็นหลักฐานปรากฏติดอยู่ที่ต้นบกนั่นแหละหลังจากหมอผีทําพิธีแล้วคนในหมู่บ้านก็อยู่กันอย่างเป็นปกติสุขมาได้แค่ระยะหนึ่งพอครบสองเดือนผีต้นบกก็เปิดฉากอรารวาสใหม่เข้าไปสิงผู้ใหญ่บ้างเด็กบ้างในหมู่บ้านให้ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าส่วนหมอผีอยู่ดีๆก็ตายอย่างลึกลับชาวบ้านก็เชื่อว่าถูกผีทำ ทางจากต้นบกไปประมาณสักสิบเมตรเป็นแอ่งน้ำใสสะอาดลักษณะคล้ายๆหนองเลยจากหนองน้ำไปก็เป็นบ่อน้ำซับมีน้ำไหลซึมขึ้นมาตลอดเวลาพื้นที่บริเวณนั้นราบเรียบไม่เป็นหลุมเป็นบอ่อพอจะใช้เป็นทางเดินจงกรมได้หลวงปู่ก็บอกโยมว่าเอาที่ตรงนี้แหละเป็นที่ภาวนาโยมผู้นั้นแสดงท่าทีอึดอัดไม่ค่อยพอใจนักที่หลวงปู่บุญมาเลือกสถานที่ใกล้กับต้นบก อาจจะเนื่องจากเกรงว่าการมาปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามนเณรจะทําให้ผีต้นบกไม่พอใจก็ได้แต่เมื่อหลวงปู่ตกลงใจไปอย่างนั้นแล้วก็จําเป็นต้องตามใจท่านก็ลงมือทําแคร่ด้วยไม้ไผ่ซึ่งมีอยู่มากมายใกล้ๆบริเวณนั้นโดยยกพื้นสูงขึ้นมาจากพื้นดินประมาณห้าสิบเซนติเมตรแล้วก็ทําที่เดินจงกรมโดยหลวงปู่ก็ช่วยปัดขวานทาความสะอาดอีกแรงหนึ่งโยมกับหลวงปู่บุญมาก็มัวแต่อุ้นวายทําที่ปฏิบัติธรรม จนลืมว่ามีลูกชายแฝดของโยมนะเขาติดตามมาด้วยนึกขึ้นมาได้เหลียวหาไปรอบๆไม่เห็นก็ตกใจรีบออกไปตามโยมกับหลวงปู่ก็เดินมาที่ต้นบกเห็นเด็กแฝดนอนหมดสติอยู่ใต้ต้นบกทั้งคู่ปากยังคาบลูกบกเอาไว้นั่นเหมือนๆกันโยมตกใจรีบเข้าไปอุ้มลูกขึ้นมาปรากฏว่าเด็กตัวอ่อนระทวยเนื้อตัวเย็นเชียบเขยา่าเรียกยังไงก็ไม่รู้สึกตัวหลวงปู่บุญมาก็เลยบอกให้โยมพ่อเด็กถอยไป ให้กลับไปทำแครนั่งต่อส่วนเด็กสองคนนี้ท่านจะจัดการเองแล้วท่านก็สุดนั่งลงกับพื้นดินนำเด็กมาผ้าศีษากระตักท่านทั้งสองคนจากนั้นก็อธิษฐานจิตน้อมเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตเพื่อปกป้องอันตรายทั้งหลายไม่ให้กล้ามกลายต่อเด็กทั้งสองแล้วเจริญภาวนาเข้าสู่สมาธิ ประมาณชั่วโมงต่อมาเด็กสองคนก็รู้สึกตัวผิวเนื้อเย็นชี้บนี่เริ่มอบอุ่นกระทั่งเป็นปกติในที่สุดก็ลืมตาขึ้นลูกพรวดพลาดขึ้นมานั่งอย่างไม่หายตกใจหลวงปู่บุญมาต้องพูดปลอบกอนอยู่พักหนึ่งแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กก็อึกอักอึกอักอยู่นานก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่าทั้งสองคนเนี่ยอยากจะกินลูกบกก็เดินมาเก็บลูกบกเอาไปกินพอกัดลูกบกเท่านั้นไม่มี โอ้คือมีใครไม่รู้หน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวเอื้อมมือมาบีบคอจนสลบไม่รู้สึกตัวหลวงปู่บุญมาก็บอกกับเด็กว่าไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วคราวนี้อยากจะกินลูกบอกก็กินไปเถอะตามสบายเพราะว่าท่านขอเจ้าของให้แล้วแล้วก็หยิบลูกบอกส่งให้เด็กก็เอาไปกินโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นท่านก็พาเด็กแฝดไปหาพ่อพ่อก็ดีใจเหลือเกินที่ลูกไม่เป็นอันตรายพอทําแค่นั่งให้หลวงปู่เสร็จแล้วก็พาลูกกลับ เข้าหมู่บ้านก็ปล่อยให้หลวงปู่อยู่กับเนนตามลำพังหลวงปู่บุญมายอมรับว่าผีต้นบกต้นนี้มีจริงๆแล้วก็ร้ายไม่เชล่นการมาบาเพ็ญธรรมที่นี่เห็นทีจะหลีกเลี่ยงกา ร, รเผชิญหน้ากับพูดผีไม่ได้จะแล้วเพียงแต่ไม่รู้ว่ามันจะเฮี้ยนแค่ไหนเท่านั้นคืนนั้นหลวงปู่และสามเณรแยกย้ายกันปฏิบัติธรรมพอสมควรแก่เวลาก็จาวัดพักพรหลับนอน ตลอดคืนก็ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นป่าช้าก็สงบสงัดเงียบเชียบเช้า ว, วันรุ่งขึ้นเมื่อได้อารุณหลวงปู่บุญมากับสามเณรก็อุ้มบาทเดินเข้าไปในหมู่บ้านมีคนมาคอยใส่บาทไม่มากแต่ก็พอเพียงที่จะพระภิกษุจะหล่อเลี้ยงสังขานไปได้ระหว่างที่หลวงปู่บินทบาทมีชาวบ้านหลายคนแสดงกิริยาแปลกๆถามนั่นมาเมื่อคืนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอหลวงปู่ หลวงปู่ก็บอกไม่ได้ยินอะไรชาวบ้านก็ทำท่าไม่เชื่อบอกท่านว่าเมื่อคืนนี้มีเสียงดังมาจากต้นบกตลอดคืนเป็นเสียงคล้ายคนหลายคนพูดคุยกันถกเถียงอืึองแต่ฟังไม่ได้สับไม่รู้เรื่องหลวงปู่อยู่ใกล้ในน่าจะได้ยินหลวงปู่บุญมาท่านก็เฉยเสียไม่รู้จะโต้อตอบยังไงเพราะท่านกำเนินไม่ได้ยินจริงๆหลังจากกรับถึงที่พักในป่าชาแล้วก็ทำพัตกิจเรียบร้อย หลวงปู่บุญมากับสมณะลูกศิษย์ก็เข้าที่ปฏิบัติภาวนากระทำกิจกรรมฐานของท่านเป็นปกติเวลาผ่านไปหลายวันหลวงปู่ก็ยังไม่ได้เดินทางต่อไปที่อื่นเนื่องจากเห็นว่าบริเวณป่าช้าสงัดเงียบไม่มีใครเข้ามารบกวนเหมาะที่จะบาเพ็ญธรรมสักระยะหนึ่งและทุกเช้าที่ท่านเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านก็จะได้ยินชาวบ้านถาม ถามกันทุกวันว่าได้ยินอะไรหรือเปล่าเพราะว่าพวกเขาได้ยินเสียงพูดเสียงเถียงกันตลอดคืนติดต่อกันนับตั้งแต่หลวงปู่บุญมากับสามเณรเข้าไปอยู่ใกล้ๆต้นบกหลวงปู่ท่านก็ปฏิเสธทุกครั้งว่าไม่ได้ยินอะไรเรื่องนี้ออกจะแปลกไม่น้อยเพราะว่าหลวงปู่อยู่ใกล้ต้นบกมากที่สุดกลับไม่ได้ยินเสียงที่ชาวบ้านได้ยินทั้งที่หมู่บ้านอยู่ห่างออกไปเกือบสองกิโลเมตรเสียงพูดคุยถกเถียงกันซึ่งดังมาจากทิศทางที่ตั้งต้นบกดังติดต่อกันหลายวัน แม้ไม่อาจจะได้ยินถนัดชัดเจนแต่ว่าชาวบ้านก็พากันคาดเดาว่าพวกผีที่สิงสู่อยู่ที่ต้นบกเนี่ยอาจจะปรึกษากันอยู่นั่นคือจะขับไล่พระทุดงที่มาปฏิบัติธรรมในเขตห่วงห้ามของตัวไปหรือไม่หรือว่าจะยอมให้ท่านอยู่ต่อไปซึ่งการคาดเดาของชาวบ้านดูมันจะมีความจริงอยู่ไม่น้อยเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นในเวลาต่อมาคล้ายๆกับบ่งชี้ว่าบรรดาพูดผีที่ต้นบกใหญ่ ได้ตกลงที่จะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปนั่นก็คือไม่ยอมให้พระทุดงอยู่ในพื้นที่ห่วงห้ามของพวกมันคืนวันที่ห้าเป็นคืนสงัดเงียบแล้วก็เย็นเยียบกว่าทุกคืนที่ผ่านมาหลวงปู่ท่านก็จุดเทียนไปที่หน้าเพิงพักซึ่งโยมมาทําเพิ่มเติมให้ภายหลังแล้วก็จุดเทียนไว้ข้างทางเดินจงกรมอีกเล่มหนึ่งจากนั้นท่านก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาโดยเจริญสติกากับตลอดเวลา ทางออกไปประมาณมสามสิบเมตรสามเณรลูกศิษย์ก็ทำกิริยาเดินจงกรมเหมือนกันขณะหลวงปู่บุญมาสำรวมอยู่ในกิริยาท่านก็ได้ยินเหมือนกับเสียงคนเดินมาจากบ่อน้ำตรงมายัางท่านแล้วก็ไม่ใช่เดินเบาๆเช่นคนธรรมดาเดินลงส้นดังหนักหน่วงได้ยินถนัดคล้ายๆคนคนนี้สวมรองเท้าส้นเป็นเหล็กเวลาเดินเสียงตบตบหลวงปู่บุญมามองไปยังที่มาของเสียงก็ไม่เห็นมีใคร ท่านก็ไม่สนใจคงเดินจงกลมนั่นไปเรื่อยๆสักครู่เสียงนั้นก็หายไปเวลาผ่านไปพักใหญ่ท่ามกลางแสงเทียนที่จุดอยู่มีเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่เยื้องย่างออกมาจากเงามืดส่งเสียงครางกระหึ่มในลําคอหลวงปู่บุญมาเห็นเสือเต็มตาแต่ว่าก็ไม่ได้ตื่นสนกตกใจแต่ประการใดจิตยังควบคุมสติไว้อย่างมั่นคงท่านหยุดเดินชัวน่วขณะแล้วก็แผ่เมตตาให้จิตในยามนั้นห้าวหารไม่หวั่นไหว คิดอยู่ว่าหากจะถึงที่ตายเพราะเขี้ยวเหลบของสัตว์ร้ายเนี่ยก็ขอยอมตายตามกรรมละ่ะเสือตัวนั้นไม่ได้แสดงอาการดุร้ายกระหายเลือดมันหยุดจ้องมองหลงปู่สักครู่ก็หมุนตัวย่างเท้าหายไปในความมืดเสือที่เห็นนั่นจะเป็นเสือจริงหรือว่าเป็นพูดผีวิญญาณจำแรงแปลงตัวมาข่มขวัญพระให้เกิดความกลัวก็ยากจะคาดเดาพอเสือรับร่างไปแล้วบนทางเดินจงกรมก็มีเสียงกุบกับ เหมือนใครเดินไปเดินมาล้อเรียนลักษณะการเดินจงกรมได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวเจ้าของการหลอกหลอนด้วยเสียงไม่ได้ทําให้หลวงปู่บุญมาสะทกสะท้านแม้แต่น้อยท่านตั้งใจจะเดินจงกรมไม่ครบตามเวลาที่กําหนดไว้เมื่อเดินยังไม่ครบก็เริ่มต้นเดินต่อโดยไม่สนใจว่าจะมีเสียงขมขวัญดังอยู่ตรงไหนเดินไปจนสุดทางมองเห็นเนร น, น้อยลูกศิษย์ซึ่งกําลังเดินจงกรมเหมือนกันออกอาการกลัวเพราะผ่านประสบการณ์มาน้อย หลวงปู่บุญมาท่านก็ให้สติเนนไม่ต้องไปกลัวเสียงอะไรทั้งนั้นตั้งใจระลึกถึงพุทโทรธธรรมโมสังโฆเป็นอารมณ์ทุกลมหายใจเข้าออกไม่มีใครทำอะไรเนนได้หรอกเนนตอบกลับมาบอกว่าได้ยินเสียงโดนไม่เห็นตัวคนแล้วเนนก็เดินจงกรมต่อพยายามไม่สนใจแต่ว่าเสียงจะไปชวนให้หวันไหวเน่นอ่า มันก็น่ากลัวมากจะเน้นก็ใจแข็งทําจนครบกําหนดเวลาจึงเข้าที่พักส่วนหลวงปู่บุญมาวางใจไม่สนใจต่อสิ่งอื่นทํากิจของท่านครบถ้วนก็กลับไปที่เพิงพักแล้วนั่งภาวนาต่อคิดว่าคืนนี้เห็นทีจะไม่นอนกันละเนื่องจากไม่รู้ว่าไอ้สิ่งลึกลับนี่จะมาไม้ไหนต่อไปขณะนั่งภาวนาเพื่อรวมจิตเข้าสู่สมาธิจิตยังไม่ทันรวมลงสู่ฐานความสงบ เพิงพักที่สร้างอย่างหยาบหยาบเป็นที่พักคุ้มแดดคุ้มน้ําค้างชั่วคราวก็พลันลั่นเอียดเอียดหลวงปู่ลืมตาขึ้นก็เห็นเสาทั้งสี่ต้นโอนไปทางโน้นทีเอียงมาทางนี้ทีเหมือนกับมีมือยักษ์มาจับให้โยกคลอนหลวงปู่ท่านก็นั่งนิ่งปล่อยให้เพิงโอนเอ็นอย่างเนี้ยสองครั้งสามครั้งอะพอครั้งที่สามท่านก็บอกว่าอา้าวทําไมมาทํารุนแรงอย่างนี้ล่ะฮะอย่ามาทํากันเลย เดี๋ยวเราตกจากแค่นี่เอวเราก็จะหักขาก็จะหักนะมันเป็นกรรมนะถ้าเราเคยเป็นศัตรูคู่อริกันในชาติไหนก็ตามก็จงทําเราเถอะเราไม่ว่าอะไรหรอกเราขอบอกว่าอย่าไปทําให้สั ม, มเนรน้อยในว่าลัวตัวสันนะจะทําจริงๆก็ให้ทํากับเราเนี่ยจะทําให้เราตายก็จะสวายชีวิตนะเรามาอยู่ที่นี่ไม่ได้มารบกวนเรามาทําความเพียรเพราเราตะหัก ไม่ได้มาบดเบียดเบียนข่มเหงใครไม่ได้มายื้อแย่งเอาภูมิสถานบ้านเมืองเมืองของใครเรามาบำเพ็ญสมณธรรมชำระกิเลสตัณหาของเราตาหากแม้เราจะทนทุกข์ทรมานสักปานไหนก็ตามเราก็จะไม่ลดละความเพียรของเราไปนั่นข่ะเพราะว่าเราได้มอบกายถวายชีวิตอุทิศ ต, ต่อระศาสนาแล้วพูดจบท่านก็สงบจิตแผ่เมตตาออกไปยังผู้ลึกลับแล้วก็มีอำนาจเหนือมนุษย์ที่ตั้งตัวเป็นศัตรู เพิงพักที่โยกไหวเอ็นเอีย ง, ยงไปมาก็พลันสงบนิ่งและตั้งตรงเหมือนเดิมหลวงปู่ท่านคิดว่าสิ่งลึกลับที่ยังไม่รู้เป็นพูดผีวิญญาณตนไหนมากลั่นแกล้งในอาจจะเลิกลาไม่รังควานท่านต่อไปอีกเพราะท่านแผ่เมตตาให้ไปแล้วแต่ท่านคิดผิด เพราะว่าวิญญาณร้ายเนี่ยไม่ยอมเลิกรา ง, ง่ายๆตอนที่หลวงปู่บุญมากำลังภาวนาเพื่อเจริญสมาธิผู้ร้ายอสุรกายซึ่งมีฤทธิ์กล้าแข็งก็ปรากฏรูปร่างเป็นชายวัยชราแต่ว่ามีกายสูงใหญ่สูงถึงยอดไม้ตรงเข้ามายังเพิงพักของพระตดงแล้วยกเท้าถีบเพิงพักหลังน้อยพังถล่มโครมคลืนหลวงปู่บุญมาถึงกับพลัดตกลงมาจากแคร่ บาดผ้ารองนอนมุงกรดกระจายกันว่อนหลวงปู่บุญมากล่าวกับอสุรกายตัวร้ายที่ยืนจังก้าน่าเกลียดหน้ากลัวบอกว่าเหตุฉันไหนถึงได้ทำหยาบช้าถึงป่านนี้หากเราได้รับบาดเจ็บไม่สามารถปฏิบัติกิจของสมณะได้ในกรรมหนักจะบังเกิดแก่เจ้าเท่านั้นนะการมาประกฏของผู้ร้ายใจหยาบอยู่ในสายตาของสมณะลูกศิษย์โดยตลอด แม้จะเห็นหลวงปู่ลงไปนั่งอยู่บนพื้นดินแต่ว่าเนนก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่จะยืนตัวสั่นด้วยความกลัวเพราะว่าเพิ่งเห็นพูดผีวิญญาณร้ายสแสดงฤทธิ์อย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกหลวงปู่ท่านพิจารณาดูใจของตนตอนแรกก็มั่นคงสบายๆแต่พอพูดจาโต้อตอบออกไปคล้ายกับกระแสจิตมันเกิดช่องโหว่ขึ้นมาใจก็ชักจะเริ่มสั่นก็ท่านก็นึกโอ้ใจมันเกิดกลัวขึ้นมาแล้วสินะทั้งๆ ท, ที่ปากบอกว่าไม่กลัว เมื่อเป็นอย่างนี้หลวงปู่ก็พุ่งจิตเข้ายึดเหนียวพุโทโธเพียงสิ่งเดียวคิดแต่ว่าแม้ชีวิตจะปิดปลงลงไปก็ช่างมันชีวิตนี้มอบถวายพระรัตนตรยัยหมดสิน้นแล้วจะอยู่จะตายก็ช่างมันพราะจิตคิดได้อย่างนี้จิตก็บังเกิดความหานกล้าไม่กลัวต่อสิ่งใดทั้งสิน้นหลวงปู่ก็ลุกขึ้นเก็บอัรบริขารที่หลนกระจายเกลื่อนกราดไปวางบนบนแค่ตามเดิมเสร็จแล้วท่านก็ขึ้นไปนั่งภาวนาด้วยจิตอันสงบวางเฉย นั่งอยู่นานโดยไม่สนใจใยดีว่าอสุรกายจะอยู่หรือว่าจะไปแทนที่ผีร้ายจะเลิกราถอยห่างมันกลับจ้วงจาบหยาบช้าก้าวเข้ามาจับปรดที่ห้อยอยู่หมุนวนเป็นวงหลวงปู่จะห้ามยังไงมันก็ไม่ฟังกลับหมุนกรดแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งม้งกรดม้วนตลบขึ้นไปบนหลังคากรดหมดหลวงปู่ท่านก็รู้สึกสังเวชใจในโมหะของอสุรกายตัวร้ายเป็นอย่างยิ่ง ท่านคิดว่าเมื่อมันอยากแสดงศักดาอำนาจฤทธิ์บ้าของตัวก็ปล่อยให้มันแสดงจนเต็มที่สิ่งใดจะพังสิ่งใดจะถูกทำลายก็ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเถอะคิดอย่างนั้นแล้วท่านก็ลงจากแคร่มาเดินจงกรมต่อคราวนี้ผีรายหยุดแกล้งโดยการหมุนกลดแต่ว่าใช้พลานุภาพปีศาจเข้าข่มขวัญพระธุดงอ่าดนบรรดาในเกิดเสียงดังส น, นั่นวันไหวไปทั่วป่าที่ลายล้อมอยู่รอบด้านเป็นเสียงพายุ ือโหมเข้ามารอบทิศเสียงไม้ใหญ่หักถล่มลงฟาดพื้นเหมือนป่าทั้งป่าจะทลายราบลงไปในพริบตาเสียงของสายลมเสียงป่าถล่มโครมคลามอ่าหน้าที่ต้นไม้ใหญ่น้อจะโยกเอ็นระเนรนะนาแต่ประหลาดที่ต้นไม้โดยรอบกลับไม่ได้มีปฏิกิริยาอย่างใดต้นไม้ยังคงสงบนิ่งนะมันเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของอสุรกายผู้ร้ายบันดาลเท่านั้น หลวงปู่บุญมายังคงเดินจงกรมต่อไปโดยไม่กลัวจิตตั้งสงบตั้งมั่นวางเฉยต่อสรรพสิ่งที่รู้ว่าเป็นมายาจนกระทั่งเวลาล่วงเข้าตีหนึ่งเสียงก็ค่อยๆแผ่วจางเงียบหายไปจนหมดสิน้นพื้นที่ป่าช้าก็คืนกลับสู่ความสงัดเงียบอีกวาระหนึ่งหลวงปู่ท่านก็เดินกลับมาที่เพิงพักของท่านน้าประหลาดเพิงพักที่พังทลายเกือบทุกส่วนกลับคืนเป็นปกติเหมือนเดิม ไม่มีร่องรอยของการทำลายด้วยการกระทำของอสุรกายแม้แต่น้อยมันเกินกว่าที่จะอธิบายได้เช้าวันรุ่งขึ้นหลวงปู่กับสามเณรลูกศิษย์ก็เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเช่นปกติชาวบ้านที่ศรัทธาในพระธุดงค์ก็เตรียมข้าวปั้นอาหารห่อใบตองมาใส่บาตรถวายท่านตามกำลัาางศรัทธาแต่หน้าแปลกที่ไม่มีใครเอ่ยปากพูดถึงเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลย ทั้งๆที่ค่ำคืนค้อนดึกที่ผ่านมานี่อสุรกายผีไร้ปรากฏกายอารวาจกหลวงปู่บุญมาบรรดาในเกิดลมพายุพัดถลม่มทลายรอบป่าชา้าเสียงดันสนั่นวานไหวแต่ชาวบ้านภูไทยกลับไม่ได้ยินเลยเมื่อชาวบ้านไม่รับรู้สัมผัสเสียงเหล่านั้นก็เท่ากับวิญญาณรายในมีเจตนามุ่งหมายประทุสรายประทุดงแต่เพียงผู้เดียวฤทธิอนาจของมันจะไม่ปรากฏให้ผู้อื่นได้รู้ได้เห็น หลวงปู่กันเนงก็ปิดปากเงียบบินธบาเสร็จก็กลับไปที่พักในเขตที่ดินติดต่อกับประชาที่อยู่แล้วก็ทํากิจของท่านตามปกติหลวงปู่ก็กล่าวกันเนนบอกว่าการที่อสุรกายและวิญญาณมิจฉาทิฏฐิซึ่งสิงอยู่ในสถานที่นี้แสดงตนออกมารังควานพระเนนผู้ทรงศีลอย่างนี้แสดงว่ามันต้องการทดสอบความมุ่งมั่นเข้มแข็งของสมณะว่าจะยึดมั่นในพระธรรมตรัยเพียงแค่ไหน เพราะฉะนั้นเนนจงอย่าวหวั่นไหวหวาดกลัวมันหากเราถอนกรธออกไปจากที่นี่ก็เท่ากับเรายอมแพ้มันเพราะฉะนั้นขอให้เนนทําจิตใจให้กล้าแข็งอยู่ในสติยึดเอาคําภาวนาพุทโธแนบแน่นอยู่กับจิตอันตรายทั้งปวงไม่สามารถทําอะไรได้แน่นอนเนนก็รับปากตลอดวันนั้นหลวงปู่ท่านก็เจริญภาวนาเดินจงกรมสลับกันไปสลับกันมาจงกระทั่งเวลาวิกาลมาถึงอีกท่านก็ยังปฏิบัติธรรม ตั้งใจว่าคืนนี้จะละเว้นการนอนหลับทั้งคืนเพราะเชื่อแน่ว่าอสุรกายมันต้องมาอีกเพราะความมืดครอบงำเข้ามาเต็มที่หลวงปู่ก็จุดโคมไฟแขวนไว้ตรงเพิงพักแล้วท่านก็ออกไปเดินจงกรมตรงทางเดินล่วงประมาณตีหนึ่งผีรายก็เริ่มสัมดงเด็ดปรากฏเสียงพายุมาอีกทีแรกก็ไกลแล้วก็เคลื่อนใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เ, เสียงต้นไม้ใหญ่น้อยก็หักกระเนนระนาดโผมคลืนเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องน่ากลัว ถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญไม่ใช่พระภิกษุผู้ฝึ ก, กจิตมาอย่างเคี่ยกรำเห็นทีจะสงบจิตวางเฉยอยู่ไม่ไหวแน่แต่สำหรับหลวงปู่บุญมาแล้วท่านสามารถควบคุมสติให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวได้นะเวลานั้นพายุใหญ่ที่ได้ยินเสียงอื้ออึงกระนำมาถึงบริเวณที่เป็นที่ตั้งของเพิงแล้วถาโถมเข้าหาเหมือนจะขวาดให้ปลิวไปในพริกตา เพืองพักอันเป็นเสมือนกุฏิของหลวงปู่บุญมาแทบจะกลายเป็นที่ราบจากแรงพายุกล้าอัฐบริขารกระจายว่อนลงมาเกลื่อนดินแต่น่าประหลาดเพราะว่ามีพายุพัดปวนอยู่เพียงแค่บริเวณเพิงพักเพียงแห่งเดียวเท่านั้นส่วนต้นไม้น้อยใหญ่ที่รายล้อมอยู่รอบๆป่าช้าสงบนิ่งไม่ขยับไหวเป็นการบ่งให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีเจตนามุ่งร้ายหมายขวัญต่อพระภิกษุโดยเฉพาะ หลวงปู่ท่านเห็นบริหารท่านกระจัดกระจายกระเด็นกระดอนออกมาจากแค่พระแรงฤทธิ์ปีศาจก็พิจารณาโดยการวางเฉยมันอยากจะแกล้งใครแกล้งไปท่านยอมไปตามเก็บบริขารกลับคืนมาเสร็จแล้วพิจารณาอย่างนี้ก็ไม่ขัดขอ้องเดือดร้อนหลวงปู่ท่านทําความเพียรท่านต่อไปไม่แยแสสนใจว่าจะมีพายุฮือโหมกระหน่าแค่ไหนจิตใจของท่านนิ่งอ่าเสร็จแล้วในที่สุดลมพายุ จิตริอสุรกายก็ค่อยๆจางหายไปคล้ายกับเราพูดผีทั้งหลายยอมมือให้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่สามารถทำให้พระรูปนี้สะดุ้งกลัวได้แล้วตลอดคืนนั้นเหตุการณ์ก็เงียบสงบเสร็จแล้วพอเหตุการณ์สองคืนที่ผ่านมาชาวบ้านภูไทยไม่มีส่วนรับรู้อีกเหมือนเคยพอถึงคืนที่สามหลวงปู่ท่านก็เชื่อว่าผีร้ายคงไม่ยอมรามืออีกพอออกไปเดินจงกรมจุดเทียนปักไว้หลายแห่งหน้าเพิงพัก หัวท้ายทางเดินจงกรมแล้วก็ต่อไม้ใกล้ๆ ก, ก, กับทางเดินจงกรมอย่างนั้นท่านก็ปฏิบัติเรื่อยไปขาดคะเนว่าผีไร้คงจะต้องมาแสดงอิทธิฤทธิ์ก็เป็นไปอย่างที่ท่านคาดการเอาไว้ยังไม่ทันเที่ยงคืนมันก็มาปรากฏเป็นเงาทามึนดำมืดแล้วก็แยกย้ายกันบังแสงเทียนไขเอาไว้ทุกจุดความสว่างซึ่งพอจะมีอยู่ก็กลับกลายเป็นความมืดครอบงาไปทั่วอนาบริเวณ หลวงปู่บุญมาระเชิญกริดไร้ของอสุรกายหรือว่าโอปาติกะป่าช้ารกรางแห่งนี้มานักหนาแล้วเพียงแค่การมาปิดกั้นแสงสว่างจากเทียนไขนี่ไม่ทำให้หลวงปู่หวั่นไหวได้่าท่านวางเฉยก็อาศัยแสงดาวลางเลือนพอมองเห็นทางท่านก็เดินจงกรมต่อไปไม่สนใจใยดีผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเงาร่างผีไร้ก็สลายหายไปแสงสว่างจากเทียนไขก็สาดส่องอีกวาระหนึ่ง ท่ามกลางแสงสว่างซึ่งมีเพียงเล็กน้อยพูดผีวิญญาณแสดงรูปกายอันหน่าพรานปรึงของพวกมันต่อหน้าพระทูดงกรรมฐานภาพนั้นถ้าไม่ใช่พระภิกษุผู้มีจิตมั่นคงเห็นทีจะตกอยู่ในความหวาดหวั่นกระทั่งครองสติอยู่ไม่ได้เพราะว่าร่างกายที่ปรากฏอยู่เวลานั้นมันคือร่างร้ายสุดจะพระาบางก็หัวขาดเลือดอาบลงมาแดงฉานบางก็ล้ตัวขาดหายไป อวัยวะภายในห้อยย้อยลงมาเรียราชบางก็มีแต่หัวตัวไม่มีมีแต่ร่างวิกลวิการต่างๆนานาดูหน้าสยดสยองพองขนร่างร้ายเหล่านี้แออัดยัดเยียดรอบตัวท่านเต็มไปหมดสภาพสุดท่านพรึงปรากฏขึ้นระยะหนึ่งแล้วก็หายไปก็ปรากฏตัวขึ้นอีกเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเป็นอย่างเนี้ยอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่แทนที่จะอกสันขวัญหายกลับรู้สึกสังเวชสลดใจ ในรูปธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานของดวงวิญญาณเหล่านี้ท่านก็พยายามแผ่เมตตาให้ด้วยจิตเป็นกุศลแต่ว่าพลังความชุ่มเย็นดูเหมือนจะไม่ซึมซาบผ่านความหยาบกระด้างของเหล่าวิญญาณที่เห็นอยู่ได้เลยเมื่อไม่สามารถช่วยเหลือมันได้หลวงปู่บุญมาก็ต้องวางใจเป็นอุเบกขาหันมาสนใจกิตของท่านคือเดินจงกรมต่อไปครั้นท่านเดินไปข้างหน้าบรรดาร่างร้ายก็มาปรากฏอยู่ข้างหลัง พอท่านเดินย้อนกลับมาข้างหลังพวกมันก็มาประกฏอยู่ข้างหน้าบางกลุ่มก็เคลื่อนไหวมาประกบหลังตามติดแต่ไม่มีผูดผีวิญญาณตนไหนกล้าเข้ามาใกล้จนถึงขั้นสัมผัสแต่ต้องใช้ผ้ากาสสวพัดได้เมื่อหลวงปู่เดินจงกรมครบตามที่กาหนดแล้วก็กลับเพิงพักเจริญภาวนาผีร้ายและอสุรกายทั้งปวงก็หายไปล่วงเข้าคืนที่สี่อะ หลังจากหลวงปู่จงกลมแล้วก็กลับมาอย่างเพิงพักนั่งลงเตรียมเจริญสมาธิตั้นก็มองเห็นบรรดาพูดผีวิญญาณมาปรากฏร่างอีกแต่คราวนี้มีรูปกายเป็นคนธรรมดามายืนนิ่งเงียบรายรอบเพิงพักของท่านไม่ไดแสดงกิริยาการข่มขู่คุกคามแต่อย่างใดปรากฏกายอยู่เงียบๆนานพอสมควรก่อนจะหายไปแล้วตลอดคืนนั้นเหตุการณ์ก็สงบราบเรียบจนถึงรุ่งเช้าพอถึงคืนที่ห้า เมื่อความมืดย่างกลามาถึงหลวงปู่บุญมาก็ทำกิจของท่านเป็นปกติคือไหว้พระสวดมนต์จากนั้นก็เข้าที่เจริญสมาธิจิตรวมเข้าสู่ความสงบก็เกิดนิมิตเห็นบริเวณป่ารอบๆเพิงพักเป็นทุ่งหญ้ามีอนาบริเวณกว้างไกลบนพื้นที่นั้นมีรถบรรทุกทหารคล้ายๆกับรถ GMC ของทหารไทยวิง่งกันให้กวักไวบนรถมีทหารพร้อมอาวุธครบมือนั่งกันเต็มอตรา ผู้หนึ่งก็มีเฮลิคอปเตอร์บินร่อนลงมาสู่พื้นปุ่นและผงกระจายคลุ้งอ่ะแล้วก็มีทหารกลุ่มหนึ่งตรงเข้ามาหาหลวงปู่บุญมาที่อยู่ในเพิงทหารกลุ่มนี้มีท่าทางเป็นมิตรเมื่อมาถึงเบื้องหน้าหลวงปู่บุญมาก็นั่งลงด้วยกิริยาเรียบร้อยแสดงความเคารพนายทหารคนเป็นหัวหน้านั่งอยู่ใกล้หลวงปู่ถัดไปก็เป็นทหารพวกลูกน้องยศต่ำกว่าหลวงปู่ก็ถามว่าพวกโยมมีธุระอะไระเข้ามาหาอาตมานะฮะ หัวหน้าก็บอกว่ากระผมมากราบลาอัญญาคูธรรมครับจะย้ายบ้านไปอยู่ฝั่งซ้ายที่แม่น้ํางึมอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะมีคนรบกวนถ้าอัญญาคูธรรมไปทางนั้นขอนิมนต์แวะไปหาพวกกระผมด้วยสําหรับวันพรุ่งนี้ขอนิมนต์ัญญาคูธรรมไปพรมน้ําพระพุทธมนต์สวดเจริญโตให้พวกกระผมด้วยเวลาสามโมงเช้าจะมารับครับหลวงปู่บุญมาก็รับนิมนต์แล้วให้โอวาทแก่ทหารที่มาหาตามสมควรแก่กาละ เรื่องราวที่หลวงปู่บุญม า, ผาเผชิญกับผู้ผีปีศาจที่บ้านภูไทยนี้หลวงปู่เล่าไว้ในการแสดงธรรมครั้งหนึ่งท่านไม่ได้อธิบายรายละเอียดมากนะักเพราะฉะนั้นหากจะคาดเดาว่าบริเวณที่หลวงปู่บุญมาและสมเณรมาปฏิบัติธรรมทำความเพียรใกล้ๆกับต้นบกใหญ่อาจจะเคยเป็นที่ตั้งของกองทหารลาวมาก่อนสมัยที่ชาวภูไทยยังไม่มาปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยตั้งเป็นหมู่บ้านก็น่าจะเป็นได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ติดกับชายแดน และเมื่อทหารลาวกลุ่มนี้เสียชีวิตลงจิตวิญญาณเกิดผูกพันกับสถานที่ก็วนเวียนอยู่ไม่ยอมไปไหนตราบกระทั่งหลวงปู่ท่านมาปฏิบัติธรรมก็พยายามขับไล่ท่านหนีไปทุกวิถีทางแต่ไม่สำเร็จหลวงปู่บุญมาเล่าต่อไปว่าเมื่อถึงเวลาเช้าพวกทหารก็มารับท่านแล้วก็พาไปยังแม่น้ำขงที่นั่นก็มีเรือจอดอยู่เรียงรายท่านสังเกตเห็นในเรือนะมีไหกระเทียมอยู่จานวนหนึ่งสงสัยว่าจะเป็นหายเล้า เรือแต่ละลำมีทหารโูกหัวได้ผ้าแดงแล้วก็มีค้องกรองพร้อมเพรียงทหารถือพายเตรียมพร้อมนายทหารนิมนต์ท่านลงไปปราพรมน้ำพระพุทธมนตรในเรือท่านก็ทำให้พรมน้ำมนต์เสร็จแล้วก็ขึ้นมายืนบนฝั่งขบวนเรือก็เคลื่อนออกจากที่ไปได้ระยะหนึ่งก็หายวับไปทั้งขบวนแล้วก็ไปโผล่อีกฝ่าหนึ่งของฝั่งโขงซึ่งเป็นอนณาเขตของประเทศเลาวแลเห็นอยู่ไกลลิฟและยังเห็นคนบนเรือช่วยกันขนของขึ้นฝั่งอัญชุลมุน หลวงปู่ท่านเดินกลับมายัางที่พักของท่านเหตุการณ์ตอนนี้หลวงปู่บุญมาไม่ได้บอกว่าท่านรู้เห็นสภาวะดังกล่าวในนิมิตขณะเข้าสมาธิหรือว่าเห็นด้วยตาเนื้ออ่าโดยบุคคลอื่นซึ่งเป็นปุถุชนคนธรรมดามองไม่เห็นแต่ว่าท่านได้สรุปเอาไว้ในตอนท้ายก่อนที่ท่านจะจบการบรรยายธรรมว่าเรื่องที่กล่าวบรรยายมาแล้วนั้นอาตมาก็เล่าไปตามที่มันรู้มันเห็นตามประสบการณ์ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ผู้ฟังจะใคร่ครวญพิจารณาเอาเองเพราะนักปฏิบัติธรรมนี่อาจจะมีประสบะการณ์รู้เห็นไม่เหมือนกันก็ได้ดังนั้นการบรรยายก็สมควรแก่เวลาก็ข อ, อยุติเว่เพียงแค่นี้สำหรับหมู่บ้านของชาวภูไทยในเวลาต่อมาไม่ปรากฏว่ามีผีเข้าสิงอีกต่อไปใครอยากจะมาเก็บลูกบกเอาไปกินก็เอาไปได้อยากจะตัดไม้ในป่าก็ทาได้โดยไม่มีอาเพศเหตุร้ายเกิดขึ้น ชาวบ้านที่เคารพนับถือผีต้องคอยเส้นสวงพูดผีปีศาจเจ้าปู่เจ้าตาได้เข้าดำเข้าแดงเล่าหายไก่ตัวหัวหมูกค่อยๆเลิกประพฤติหันมาเคารพศรัทธาพระพุทธธรรมระสงค์ยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งรู้จักการไหว้พระรับศีลฟังเทศและเจริญภาวนาตามกำลังของตนครับท่านบุฟังเคยได้ยินคาว่าผีป่ามากไหมครับ เคยได้ยินไหมหรือว่าเคยเห็นไหมว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงวันนี้จะนำเอาเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่เขาวงกฏซึ่งเป็นเทือกเขาแนวยาวไปตามหมู่บ้านและอำเภอต่างๆแถบสกลนครกาลสิน์หรือมุกดาหารซึ่งว่ากันว่าป่าแถบนั้นยังไม่มีใครได้สำรวจอย่างจริงจัง ก็เพราะเหตุที่ครั้งหนึ่งนั้นในเขตอำเภอดงหลวงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงยังเป็นพื้นที่สีแดงสีชมพูเพราะว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วยังเป็นถิ่นที่มีผู้ก่อการร้ายชุกชุมดังนั้นแม้ว่าปัจจุบันนี้จะไม่มีหลงเหลืออยู่อีกในประเทศไทยแต่ว่าตามจุด ต, ต่างๆตามเส้นทางมุกดาหารเข้าดงหลวงแล้วออกอำเภอเขาวงกุจินาราย ในเขตจังหวัดกาลสินนั้นก็ยังมีป้อมทหารรักษาการอยู่ตามแนวทางเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากสภาพทั่วไปล้วนแล้วแต่เป็นป่าเป็นดงทั้งสิ้นเรื่องของเรื่องเริ่มจากการที่ได้มีชาวบ้านจํานวนหนึ่งขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ไปพบเข้ากับพื้นที่ประหลาดตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งนั้นว่ากันว่าในครั้งแรกทุกคนเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนั้นน่าจะเป็นค่ายของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ที่ทิ้งร้างเอาไว้หลังจากที่สลายตัวออกไปจากประเทศไทยแต่เมื่อพวกเขาได้พบเข้ากับเรื่องราวอันน่าสยองขวัญในกลางป่าแห่งนั้นเข้าส่วนหนึ่งซึ่งรอดชีวิตกลับลงมาเข้าแจ้งกับทางการเพื่อส่งหน่วยงานทางทหารขึ้นไปสํารวจว่าเป็นค่ายของใครหรือว่าเป็นสถานที่อะไรกันแน่หลังจากที่กองกําลังทหารได้เข้าไปรักษาการแล้วก็เคลียร์พื้นที่จึงพบว่าสถานที่แห่งนี้ ไม่น่าจะใช่เป็นค่ายของผู้ก่อการร้ายเหมือนอย่างที่ชาวบ้านเข้าใจเพราะว่าในพื้นที่ซึ่งรกร้างแห่งนั้นหลายคนได้พบกับสิ่งก่อสร้างต่างๆหลายอย่างโดยเฉพาะรูปเคารพที่พิสดารไม่เหมือนใครนั่นก็คือรูปปั้นวานอนพูดง่ายๆก็คือรูปปั้นลิงที่ถูกท่อทิ้งเอาไว้จนปรักพังอย่างมากมายในป่าแห่งนี้โดยมีคนเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวก่อนที่พวกเขาเหล่านั้น จะเข้าไปเจอเมืองวานอนแห่งนี้เข้าจนเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่แปลกพิสดารและมีความเป็นมาน่าสนใจเหลือเกินบุคคลคนนี้ชื่อนายบุญมานามสกุลเชียงรากน้อยพื้นเพเดิมเป็นคนอยุธยาแต่ว่าได้ขึ้นมาทำกิจการเกี่ยวกับป่าไม้อยู่ในจังหวัดมุกดาหารนานหลายปีมาแล้วจนเป็นที่รู้จักกันดีก็เป็นที่รู้กันว่าการทาไม้เนี่ยในบางครั้งก็ต้องมีการซิกแซกกันบ้าง นั่นก็คือการทําไม้เถื่อนเลี้ยงภาษีซึ่งข้อนี้ก็มีอยู่ทั่วไปซึ่งโรงงานของนายบุญมาเองก็ไม่ได้แตกต่างไปจากของใครๆแล้วก็ในครั้งนั้นลูกน้องของบุญมาคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าในเทือกเขาภูพานที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างสกลนครกาลสิน์และนะครพนมมีพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งป่ายังใหม่แล้วก็มีไม้พอที่จะแอบชักลากลงมาได้ เพราะว่าเส้นทางของป่าแถบนี้มีบริเวณกว้างแล้วก็มีทางออกหลายทางด้วยกันดังนั้นในวันหนึ่งบุญมาก็มอบหมายให้ในสีทาลูกน้องคนสนิทสีทานี่เป็นคนลาวมาจากอีกฝั่งหนึ่งที่ข้ามมาอาศัยทํางานอยู่กับเขานานหลายปีมาแล้วให้สีทานําทีมคนงานขึ้นเขาเข้าป่าไปทางอําเภอดงหลวงซึ่งเป็นเส้นทางที่ผ่านไปยังภูกําพรา ในสีทาเป็นผู้ชายวัยกลางคนอายุสี่สิบปีเสร็คิ้วหนาตาดุหน้าสี่เหลี่ยมกล้านแดดกล้านลมไม่ค่อยมีรอยยิ้มสักเท่าไหร่ในเวลาเดียวกันตามเนื้อตามตัวของสีทาก็สักยันดำรืดไปหมดทั้งตัวเหมือนกับพวกที่เล่นของเล่นคุณใสซึ่งก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปของคนฝั่งลาวอยู่แล้วสีทาเล่าให้ฟังบอกว่าเขากับลูกน้องสิบแปดคนพร้อมอาวุธ และเครื่องมือทำไม้ส่วนหนึ่งอันได้แก่เลื่อยไฟฟ้าได้ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนเพื่อที่จะได้โค่นไม้ต้นใหญ่เตรียมเอาไว้ก่อนที่จะลงมาให้ทางโรงไม้ได้จัด ก, การขึ้นไปชักลากลงมาต่อไปในการเดินทางของพวกเขานั้นสีทาบอกว่าเขาได้รับคำเตือนจากชาวบ้านที่อยู่ในแถวบ้านโพนพิสัยแล้วก็เคยขึ้นไปหาของป่าบนภูเขาแนะนาว่าถ้าหากขึ้นไปบนเขาแล้วไม่ควรที่จะค้างคืนอยู่บนภูเขา ขึ้นแล้วควรที่จะลงมาหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะผ่านไปทางหลุกหรือว่าที่ราบที่เป็นหุบเขาแต่ควรที่จะขึ้นเลยต่อไปแต่เมื่อเขาถามว่าทําไมพวกชาวบ้านที่เคยขึ้นไปหาของป่าเหล่านั้นก็ไม่ได้บอกกล่าวอะไรให้ชัดเจนสีทาบอกว่าเราเดินทางขึ้นเขาไปได้วันกับคืนหนึ่งครับพอพลบค่ําก็ช่วยกันแขวนเปลนอนกับต้นไม้ ช่วยกันอยู่ยามจนกระทั่งรุ่งขึ้นของอีกวันหนึ่งหลังจากที่เดินทางไปจนบ่ายคล้อยเมื่อลงจากยอดเขาลูกหนึ่งเราก็พบเข้ากับหลกที่พวกเขาบอกหลกหรือ ว, ว่าที่ราบกลางหุบเขาแห่งนั้นถ้าหากว่ามองไปก็คือหมู่บ้านชาวป่าดีๆนี่เองเพราะว่ามีเพิงพักมีกระท่อบที่อยู่อาศัยอยู่หลายครัวเรือนเหมือนกันแต่วันที่พวกเขาเดินทางไปถึงนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านคล้ายกับ หมู่บ้านร้างไม่มีผู้คนหรือว่าสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลยเงียบสงัดเหมือนกับป่าชา้าจะเห็นก็แต่สิ่งของเครื่องใช้ที่ตกหล่นแตกหักกระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกราดเหมือนกับว่าเจ้าของเนี่ยรีบร้อนจะไปไหนก็ไม่รู้คือตอนนั้นที่ผมเห็นนะบางแห่งก็รื้อถอนเสาเรือนไปบ้างแต่ไม่หมดทั้งหลังเหมือนกับว่าไม่มีเวลาพอที่จะทาอย่างนั้นกระสอบบางหลังก็ยังพอจะอาศัยหลบแดดหลบฝนได้ แต่ว่าบางหลังก็หักพังสุดโสมหมดแล้วสีทาเล่าว่าพวกเขาต่างรู้สึกแปลกใจเปน็นอันมากที่แลเห็นหมู่บ้านแห่งนี้ร้างผู้คนเพื่อผลต่างๆที่ปลูกเอาไว้ที่ชายหมู่บ้านก็ถูกทิ้งให้แห้งเหี่ยวคาต้นไม่มีคนดูแลสนใจคล้ายกับว่าพวกชาวบ้านเกรงกลัวอะไรบางอย่างจนไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ที่นี่ต่อไปได้ในตอนแรกนี่ผมเข้าใจว่าพวกเขาน่ากลัวโจรผู้ร้าย หรือว่าพวกลักลอบตัดไม้กลุ่มไหนซึ่งอาจจะผ่านมาแถวนี้ก็เลยหลบหลีไปเราก็ไม่ได้เอกใจอะไรแล้วก็คิดว่าถ้าหากว่าพวกมันมาเจอพวกเราเข้าก็คงจะเป็นคราวเคราะห์ของพวกมันบ้างละเพราะว่าพวกเราที่ขึ้นไปนะ่ะส่วนใหญ่มีอาวุธครบมือทั้งนั้นแต่ขณะเดียวกันการที่ได้เดินอยู่กลางหมู่บ้านร้างแห่งนั้นศีทาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนกับรู้สึกประหลาดขนลุกซาอยู่ตลอดเวลา ใช่เหมือนกับว่ามีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างที่ไม่อาจจะบอกได้เพราะว่าตัวเขาเองนั้นศึกษาวิชาและก็เรื่องราวทางไสยศาสตร์มาบ้างสีทาบอกว่าเขาเชื่อในเรื่องที่คนเฒ่าคนแก่บอกว่าถ้าพบหมู่บ้านร้างกลางป่าไม่ว่าจะสามารถนอนพักค้างคืนได้หรือไม่อย่าได้ชะล่าใจพักแรมในที่นั้นเป็นเด็ดขาดผมก็เลยบอกให้พวกเรานาะออกไปจากหมู่บ้าน เพราะไม่อยากแก้วฝ่าฝืนคำสั่งสอนของคนเฒ่าคนแก่แม้ว่าลูกน้องผมบางคนก็บอกว่าเราหน้าจะค้างคืนในกระท่อมของพวกเขานี่แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้างก็เลยบอกให้พวกเราทุกคนรีบๆออกจากหมู่บ้านไปซะดีกว่าหลังจากที่เสียเวลาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นกว่าชั่วโมงทุกคนก็ได้ชักชวนกันออกมา แต่ด้วยเหตุที่ว่าตะวันยามนั้นบ่ายคล้อยจวนจะสิ้นแสงอยู่แล้วสีทาจึงพาลูกน้องทั้งหมดออกไปพักแรมอยู่ที่บริเวณไร่ท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ราบเหมาะสำหรับการค้างแรมอย่างน้อยก็ในคืนนี้หลังจากที่จัดการหาที่พักได้แล้วทุกคนก็เริ่มหุงหาอาหารกินกัน ในขณะที่มีบางคนเหมือนกับที่ถือดีว่าตัวเองนั้นมีคาถาอาคมหรือว่ามีของดีมีอาวุธอยู่ในมือไม่กลัวอะไรตั้งใจเอาไว้ว่าจะเข้าไปนอนพักในหมู่บ้านดูทีสิว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งถึงแม้ว่าสีทาจะพยายามห้ามพวกนั้นเขาก็บอกว่าขอลองดูสักครั้งผมก็เลยไม่อยากจะห้ามยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุก็เลยคิดว่าเอาปล่อยมันสักนก็แล้วกัน ซึ่งพวกนั้นก็บอกว่าหนเดียวก็เกินพอสทธาบอกว่าหลังจากที่ออกมาจากหมู่บ้านนั้นแล้วเขารู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวยังไงก็บอกไม่ถูกเพราะรู้สึกว่าบรรยากาศทั่วไปแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันผิดแปลกแตกต่างไปจากสถานที่ที่เขาเคยไปพักแรมค้างคืนมาตลอดเวลาที่ยึดอาชีพตัดไม้อยู่ในป่าแถบนี้คือมันแปลกครับมันไม่มีเสียงลิงข้างบางชนีตามยอดไม้ ไม่มีแม้แต่วิแววของสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นเก้งเป็นกวางที่ร้องมาแต่ไกลหรือแม้แต่เสียงไก่ป่าที่จะขันมาเวลาที่ใกล้พรบค่ําแม้เพียงเสียงนกเล็กๆก็ไม่มีมันทําให้รู้สึกว่าจิตใจมันวังเวงผิดปกติจนอากาศที่มันหนาวอยู่แล้วก็ยิ่งทําให้หนาวสะท้านขึ้นไปอีกสิธาเล่าว่าคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงาย ทำให้ทุกคนที่นอนพักแรมอยู่ในที่ราบตรงนั้นสามารถมองเห็นดวงจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันในป่าท่ามกลางแสงเดือนหงายอย่างนี้แทนที่จะมีเสียงสิงสารสาัตว์ร้องแหวกราวไพรมาให้ได้ยินบ้างสักครั้งกลับเงียบสนิทจนทำให้สีทารู้สึกว่ามันเป็นคืนที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เขาเคยเข้าดงมา ด้วยเหตุนี้เขาก็เลยจัดให้ทุกคนได้อยู่เวียนยามกันตลอดเวลาโดยที่ปกติแล้วนั่นจะอยู่ยามกันผลัดละสองคนแต่ว่าคราวนี้สีทาสั่งให้ลูกน้องตั้งเวียนยามผลัดกันสี่ผลัดผลัดละสามคนเพื่อความสบายใจโดยกําชับให้ทุกคนห้ามหลับยามอย่างเด็ดขาดคืนนั้นผมนอนกระวนกระวายใจไม่หลับเลยครับเพราะว่าเป็นห่วงพวกที่เข้าไปนอนอยู่ในบ้านร้างในะไอ้พวกดื้อนะ ผมต้องลุกคือบันั่งสมาธิสวดมนต์ถึงสองหนถึงได้งีบหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้มาตื่นเอาอีกทีก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงเอะอะโวยวายของพวกที่อยู่ยามก็รู้ได้ทันทีว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นแล้วแน่ๆทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้นมาศรีทาเล่าว่าเขาได้ยินเสียงร้องเหมือนกับเสียงหอนแหลมคมมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งท่ามกลางความเงียบสงัด และเสียงนั้นมันมีอำนาจบาดเข้าไปในช่องหูเสียบแทงเข้าไปในหัวใจทำให้รู้สึกหนาวหนาวร้อนร้อ น, อนใจสัน่นจะเป็นไข้เสียให้ได้เสียงลูกน้องผมช่วยกันตีเกราะเคาะไม้กันเป็นการใหญ่เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรการเคาะไม้ให้เสียงอึกกระทึกนั้นอาจจะช่วยทำให้มันตื่นตกใจกลัวจนตระเวดหนีไปได้แต่ปรากฏว่าเสียงนั้นไม่ได้หายไปเลยมันเงียบลงไปสักครู่แล้วก็ดังขึ้นมาใหม่ คราวนี้เขาได้ยินชัดเจนทั้งสองหูว่ามันเป็นยังไงมันหนาวเข้าไปถึงขั้วหัวใจทีเดียวมันแหลมชนิดที่เรียกว่าถ้าอยู่ใกล้ๆแก้วหูคงจะแตกแน่ๆเสียงกู่ร้องที่ดังหวีดเข้ามานั้นมันทําให้คนที่ได้ยินเรู้สึกข่าอ่อนยวบลงเหมือนกับคนที่บดแรงหัวใจจะวายเอาเสียดือ้อสีทายกสองมือขึ้นอุดหูขณะที่ก้าวออกมาที่ลาน มองเห็นลูกน้องของเขาบางคนกำลังส่องไฟฉายวูบวาบไปมาบางคนก็ชูคบเพลิงขึ้นเหนือหัวสุมไฟในกองจนลุกโชนส่องสว่างสวยัยในขณะที่คนที่อยู่ยามก็กระชับปืนในมือเอาไว้พร้อมที่จะลั่นกระสุนเข้าใส่หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดปกติจู่โจมเข้ามาวูบหนึ่งนั้นสีทารู้สึกว่าตัวเองขนลุกสู้เมื่อได้ยินเสียงหวีดร้องอันเยือกเย็นนั้น มันไม่ได้ดังมาจากสถานที่อันไกลแสนไกลอย่างที่เขาคาดเอาไว้หากแต่มันดังมาจากในหมู่บ้านหมู่บ้านที่ลูกน้องของเขาสองสาคนแอบหลบไปนอนในกระท่อมเหล่านั้นนั่นเองสีธานักล่าจากแดนลาวผู้ข้ามขวงมาทำหน้าที่คุมคนเข้าตัดไม้ให้ในจ้างชาวไทยสำนึกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกลางดึกคืนนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาเสียแล้วเพราะว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่พิสดารไปจากนั้น ครับมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับผมเองผมก็ถือว่าสิทธิ์มีครูคนหนึ่งเหมือนกันผมลุยมาแล้วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำเมื่อรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เหตุธรรมดาอย่างแน่นอนในสีทาหนุ่มลาวผู้สักร่างจน ด, ดำพรึด ไปทั้งตัวก็ผู่ควายธนูขึ้นมาสามตัวจากนั้นก็ทำจิตให้สงบระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ให้ท่านมาช่วยและด้วยพลังจิตอันเข้มแข็งรวมไปถึงความเชื่อมั่นเลื่อมใสในวิชาไสยศาสตร์ที่ตัวเองร่ำเรียนมาสีทาบอกว่าหลังจากที่เสกเป่าคาถาใช้อาคมบังคับควายธนูทั้งสามตัวนั้นให้มีฤทธิ์เดชขึ้นมาตามที่ครูบาอาจารย์เคยสอน เขาก็เริ่มแลเห็นควายธนูเป็นรูปเงาดำค่อยๆโตขึ้นมามีเขายาวแหลมงงอย่างน่ากลัวปกติแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้ควายธนูเท่าไหร่นัก่ะครับครั้งนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่ตั้งแต่เรียนรู้มาพอรู้ว่าทำได้ผมก็ปล่อยควายธนูออกไปทีละตัวซึ่งมันก็กระโจนเข้าหมู่บ้านไปทันทีแต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องว่าคาถากากับ เจ้าควายธนูเพื่อป้องกันมันย้อนกลับคืนมาทำร้ายพวกผมด้วยเหมือนกันหลังจากที่ปล่อยควายธนูเข้าหมู่บ้านที่เป็นต้นเสียงประหลาดมาจากในหมู่บ้านนั้นแล้วศรีทาก็บอกให้ลูกน้องทั้งหมดที่มีปืนเตรียมตัวพร้อมจากนั้นเขากับพวกเหล่านั้นก็ค่อยๆ ย, ย, ย่องตามเข้าไปในหมู่บ้านช้าๆ โดยปล่อยคนที่เหลือเอาไว้สี่ห้าคนเพื่อจะดูแลข้าวของที่วางกองไว้ในที่พักอากาศยามดึกค่นรุ่งนั้นเยือกเย็นจนทําใหท้ทุกคนรู้สึกสั่นสะท้านไปทั้งตัวแต่สีทายืนยันว่าสั่นน่ะไม่ใช่โดยความกลัวแต่มันหนาวเยือกจริงๆเพราะว่าหลังจากที่เขาส่งควายธนูให้ล่นเข้าไปในหมู่บ้านนั้นแล้วเสียงวีดที่ดังเสียดแก้วหูก็หายไปเหมือนกับว่าสิ่งเลวร้ายซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ได้ถูกควายอาคมของเขากำจัดจนเตลดิดหนีไปแล้วแม้จะวันวันกลัวๆอยู่บ้างแต่ทุกคนก็ถือดีในอาวุธคู่มือที่ถืออยู่แล้วก็รู้ว่าถึงแม้จะมีเสือโคร่งบุกมาสักฝูงหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายกับพวกเขาได้ตราบใดที่ในมือยังมีปืนยิงเร็วพวกนี้อยู่ให้อุ่นใจสิทาเล่าว่าบ้านหลังแรกที่พวกเขาบุกเข้าไปคน้นเพราะมีคนเห็นว่าลูกน้องของเขาเนี่ยหลบมานอนอยู่ที่นี่ ดังนั้นเมื่อทุกคนพวดพราดเข้าไปก็ได้พบว่าที่บนพื้นดินนั้นลูกน้องของเขาสองสาคนเนี่ยบางคนกำลังนอนสลกสลายไม่ได้สติอยู่ส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งพอมีสติอยู่บ้างแต่ว่าใบหน้าซีดอ่อนแรงเต็มทีพอเขาเห็นหน้าพวกเราเท่านั้นมันก็ระรำระรักเล่าให้ฟังว่ามีอะไรไม่รู้เหมือนกับครึ่งสัตว์ครึ่งคนเดินสองขาขนยาวรุงรัง ตาแดงตัวใหญ่มากกว่าคนธรรมดาซะอีกบุกเข้ามาในหมู่บ้านขณะที่พวกมันกำลังนอนหลับกันอยู่คนเหล่านั้นเล่าให้ฟังว่าสัตว์ตัวที่ว่านั้นบุกเข้ามาแล้วก็ร้องเสียงแหลมๆจนเสียดเข้าไปในแก้วหูของพวกเขาคนที่ตกใจตื่นขึ้นมาในตอนนั้นถ้ากำลังขวัญไม่แกร่งพอก็จะรู้สึกอ่อนล้าแขนขาอ่อนเปลี่ยเพียงสลบไปทันทีสาหรับตัวมันนั่น คือหมายถึงเจ้าต่อยเจ้าต้อยเนี่ยพอได้ยินเสียงก็รีบเอามืออุดหูไว้ก็เลยไม่เป็นไรแต่ก็ดิ้นทุรนทุรายไปพักใหญ่เหมือนกันจนกระทั่งมันแหลเห็นเงาดําเหมือนกับควายวิ่งผ่านประตูกระต้อเข้ามาแล้วก็ตรงเข้าไปขวิดมันเขาบอกว่าควายธนูนะตัวแรกปาดกข้ไปใช้เขาขวิดเขาที่คอของมันมันโมโหมากก็เลยใช้สองมือจับเอาไว้แล้วหักเขา แต่ปรากฏว่ายังมีกวัยอีกตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาแล้วก็ไล่ไล่กันนั้นควายธนูที่เข้าไปต่อสู้กับมันก็มีถึงสามตัวด้วยกันทําให้มันต้องต่อสู้เป็นพลวันแล้วก็ไม่อาจจะสู้ได้ก็เลยล่าถอยออกไปก็ทําให้ลูกน้องของเขาทั้งสามคนนั้นรอดพ้นจากการถูกมันฆ่าตายอย่างหวุดหวิดแม้สีทาพยายามจะสักไซไล่เรียงอย่างไรลูกน้องของเขาก็ไม่อาจจะบอกได้ว่าเจ้าตัวประหลาดที่เข้ามานะมันมีหน้าตา ย, ยัางไงกันแน่ นอกจากจะบอกว่ารูปร่างมันครึ่งคนครึ่งลิงขนยาวรุงรังก็เท่านั้นเพราะว่าตอนที่มันโผพรวดเข้ามาในทุกคนต่างก็จวนจะสลบสลายกันแล้วตอนใกล้รุ่งสางหลังจากที่ช่วยกันสำรวจตรวจหมู่บ้านสีทาก็พบว่าลูกน้องของเขาคนหนึ่งซึ่งเป็นคนลาวที่ข้ามมาจากสุวรรณเขตหายไปคนหนึ่งไม่มีใครพบว่าเขาไปหลบนอนอยู่ที่ไหนทั้งๆ ท, ที่คนที่เข้ามานอนในหมู่บ้านบอกว่าพวกเขามาด้วยกัน ท้องฟ้าเวลานั้นแม้ว่าจะใกล้รุ่งสางพระอาทิตย์จวนจะขึ้นเต็มทีแต่กลับไม่มีแม้แต่เสียงไก่ป่าสักตัวจะขันเตือนป่าทั้งป่ายังเงียบสงบเหมือนป่าร้างราวกับว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เลยนอกจากกลุ่มคนที่เข้ามาตัดไม้กลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นหลังจากที่ช่วยกันค้นหาแล้วแต่ก็ไม่เจอแม้แต่วิแววของคนที่หายไป ทุกคนก็ช่วยกันก่อกองไฟให้ลุกโชดช่วงมากขึ้นจนกระทั่งเช้ามืดของวันใหม่มาถึงสีทาก็บอกให้ลูกน้องเตรียมหุงหาอาหารตั้งแต่เชา้าเพื่อที่จะได้เก็บของเตรียมมาไว้เขาตั้งใจเอาไว้ว่าจะออกไปค้นหาลูกน้องที่หายไปอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะย้ายออกไปจากบริเวณนี้เพราะว่ารู้ดีว่าในป่าแถบเนี้มีอะไรที่ไม่ปกติอาศัยอยู่ไม่เหมาะที่พวกเขาจะเข้ามาอีกต่อไป ในตอนสายวันนั้นเองที่ลูกน้องคนหนึ่งของเขาซึ่งออกไปปักน้ําที่ลําห้วยมาบอกกับศีทาว่าพบกรดของพระธุดงรูปหนึ่งมาปักอยู่ไม่ไกลจากที่พวกเขาพักเท่าไร <ulative> นักบรรดาคนงานทั้งหลายพอรู้ว่ามีพระธุดงมาอยู่ในแถวนี้ต่างก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะท่ามกลางป่าลึกแบบนี้ถ้าหากพระองค์นั้นไม่มีอะไรดีจริงๆทุกคนก็เชื่อว่าท่านคงไม่สามารถจะเข้ามาเดินธุดงในเขตป่าภูพานแห่งนี้เป็นแน่ ทุกคนก็ต่างกันช่วยกันจัดหาอาหารเท่าที่มีอยู่นั้นใส่หม้อหิ้วไปเพื่อที่จะถวายท่านระหว่างทางนั้นเองสีทาจงได้พบว่าคนงานของเขาที่หายไปตั้งแต่เมื่อคืนนั้นโซสัสโซเซไปนอนสลบที่ท้ายหมู่บ้านหน้าตาของมันซีดเผือดเหมือนกับคนไม่มีเลือดอยู่ในตัวจนกระทั่งซีดขาวไปทั้งร่างสีทาให้คนงานสองคนช่วยกันหามเจ้าหมอนั่นตามเขาไปด้วยเพราะไม่รู้จะทำยังไงดี แล้วก็ดูมันว่าตอนนี้อาการของมันก็หนักหนาสาหัสเอาการอยู่ไม่ใช่น้อยหลังจากที่ทุกคนได้ไปถึงกรดของพระธุดงนั้นทุกคนก็พบว่าท่านนั่งรอท่าราวกับจะรู้ว่ามีคนจะมานมัสการล่วงหน้าสร้างความแปลกใจให้กับสีทาเป็นอย่างมากเพราะว่าหลังจากที่กราบนมัสการท่านแล้วก็ถวายพัะตาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็ถามขึ้นมาตรงๆเออทีมาหาอาตมาเนี่ย สงสัยจะเป็นเรื่องผีที่เข้ามาอารวาดเมื่อคืนนะก็มังใช่ไหมทุกคนที่ได้ยินต่างพากันสะดุ้งแล้วก็หันไปมองหน้ากันเพราะว่าโดยความจริงแล้วยังไม่มีใครรู้ว่าเจ้าตัวประหลาดที่เข้าไปอารวาดเมื่อคืนน่ะเป็นผีเลยแม้แต่คนเดียวเออแล้วหลวงพ่อทราบได้ยังไงล่ะครับท่านก็หัวเราะเบาๆพลางบอกกับทุกคนว่าท่านรู้ตั้งแต่มาถึงบริเวณนี้แล้วว่าแถวเนี้ยมีวิญญาณพูดผีออกอารวาส แล้วเจวิญญาณตัวนั้นมันก็ไม่ได้เป็นวิญญาณธรรมดาเหมือนผีป่าผีเขาเพราะว่ามันมีตัวตนมีเลือดเนื้อเหมือนคนจริงๆมันเหมือนกับผีโป่งข้างแต่ว่าไม่ใช่ตัวมันใหญ่กว่านั้นมันมีความคิดมีความรู้สึกเหมือนกับคนเรานี่แหละแล้วที่ไอ้หมอนั่นมันเป็นอย่างนั้นนั่นนอนตัวซีดขาวอยู่นั่นเป็นเพราะมันดูดเลือดเอา หลวงพ่อบอกกับทุกคนว่าผีป่าที่บางคนได้เห็นเมื่อคืนนั้นน่ะถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับผีโป่ง ข, งข้างขนาดใหญ่ที่มีวิญญาณสิงสู่อยู่เพียงแต่ว่าผีโป่งข้างนั้นมันเป็นเพียงแค่ข้างแก่ที่มีอายุมากซึ่งบางคนบอกว่าข้างแก่พวกนี้เมื่อมันแก่ชราเต็มทีวิถีชีวิตของมันจะเปลี่ยนไปคล้ายกับข้างผีสิงเพราะมันจะทําตัวลึกลับชอบหลบซ่อนอยู่ตามถาม้าตามเขาแล้วก็ออกหากินในยามค่าคืน คอยดักกัดกินเลือดของสัตว์อื่นๆเหมือนกับมีผีเข้าสิงแต่สําหรับเจ้าตัวนี้หลวงพ่อบอกว่าถึงแม้มันจะกัดกินเลือดของคนและสัตว์ที่มันพบเห็นจะด้วยเหตุที่ว่ามันมีความเก่งกล้ามากกว่านั้นเนื่องจากมันเป็นผีป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มานานในยามกลางวันมันก็จะหลบไปอยู่ที่ไหนสักแห่งเพื่อความปลอดภัยแต่เมื่อถึงยามกลางคืนนั้นมันก็จะเป็นผีป่าที่ดุร้ายแล้วก็ไม่มีใครจะสามารถฆ่ามันได้ การที่อาตมามาปักปลอดอยู่แถวนี้ก็เพราะเห็นว่าพวกโยมนํามาพักแรมอยู่ข้างหมู่บ้านที่มันร้างไปก็เพราะไอ้ผีตัวนี้มันเข้ามาฆ่าคนฆ่าสัตว์แถวนั้นจนเกลี้ยงอันที่จริงอาตมาไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะมันไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่เพื่อที่จะช่วยปกป้องชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอาตมาก็เลยต้องพักอยู่ที่นี่ เพื่อที่จะช่วยพวกโยมได้จากไปอย่างปลอดภัยหลวงพ่อบอกว่าผีป่าตัวนี้อาศัยเลือดสัตว์และมนุษย์เลี้ยงตัวเองจนกระทั่งมันมีฤทธิเดชเก่งกล้าแล้วก็ออกอารวาสอยู่ในกลางป่าภูพานมานานจนชาวบ้านป่าที่อาศัยทำไร่แล้วก็หาของป่าอยู่ในบริเวณนี้ไม่เป็นอันจะทำมาหากินต้องหลบหนีไปอยู่ที่อื่นเมื่อพวกโยมมาก็ดีแล้วโยมอาตามาก็จะได้แนะทางให้ เพื่อจะช่วยให้มันได้พลนเวรพลนกรรมได้ไปผุดไปเกิดเสียทีคนที่ผ่านมาทางที่แถวนี้เขาจะได้ไม่ต้องได้รับอันตรายอีกสีธาเล่าให้หลวงพ่อฟังถึงเรื่องเมื่อคืนนี้ว่าเขาได้ปล่อยควายธนูออกไปสามตัวด้วยกันเพื่อจะเล่นงานเจ้าผีรายตัวนั้นแต่ไม่สามารถทำอะไรมันได้ ซึ่งในเรื่องนี้หลวงพ่อบอกว่าผีป่าตัวที่ว่านี้ไม่ใช่ผีธรรมดาหากแต่มันเป็นผีที่มีคาถาอาคมคุ้มตัวมันอยู่เหมือนกันดังนั้นของธรรมดาเหล่านั้นจึงไม่สามารถจะทำอันตรายมันได้แล้วเธออย่างนั้นผมจะทำยังไงถึงจะฆ่าไอ้ผีตัวนี้ให้มันตายได้ละครับหลวงพ่อครับท่านฟังแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่ว่าเอื้อมมือไปหยิบเอาของที่อยู่ในย่ามออกมา คอนึงนั้นเป็นสมุนไพรซึ่งท่านบอกว่าให้สีทาเอาไปต้มให้ลูกน้องคนที่นอนสมอยู่นั้นกินเข้าไปเพราะเป็นยาสมุนไพรเพิ่มเลือดลมซึ่งจะทําทให้คนป่วยมีแรงขึ้นส่วนอีกคอนึงเป็นธนูเล็กๆ เ, เหมือนกับธนูเด็กเล่นแต่คันธนูกับลูกศร น, นั้นมีสีดำมามืมราวกับว่าเป็นของเก่าเก็บท่านหยิบออกมาวางไว้ตรงหน้าสีทาพร้อมกับได้สายศิลอีก ข, ขดใหญ่ได้เส้นนี้ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน พวกโยมเอาไปล้อมที่พักเอาไว้นะแล้วก็อย่าให้ใครออกมาจากวงได้สายศิลป์อย่างเด็ดขาดเพราะว่าคืนนี้ไอ้ผีตัวนั้นมันจะต้องกลับมาแน่นอนท่านสอนในศีทษะทราบถึงคาถาสําหรับการผูกแล้วก็วงสายศิลปจากนั้นก็บอกว่าถ้าหากว่าอยากจะตามล่าผีร้ายตัวนั้นคืนนี้จําเป็นจะต้องมีคนกล้าจํานวนเก้าคนด้วยกันซึ่งจะมีใครรับอาสาบ้างซึ่งทุกคนต่างก็พร้อม สมัครใจหลวงพ่อให้คนงานคนนึงไปเด็ดใบไม้ขนาดเท่าฝ่ามือมาให้เก้าใบเมื่อได้ใบไม้มาตามสั่งแล้วท่านก็ลงมือบริกรรมคาถากับลงอักรรเลขยันเสร็จแล้วก็ส่งให้กับสีทาบอกว่าให้มอบให้กับคนที่จะออกไปตามล่าผีป่าในคืนนี้ให้พกติดตัวเอาไว้เพราะมันจะสามารถป้องกันอันตรายจากผีตัวนั้นได้จากนั้นท่านก็หยิบคันธนูกับลูกศรขึ้นมาซึ่งสีทาบอกว่า คันธนูกับลูกศรที่เขาเห็นนั้นมีอักขระเลขยันลงอยู่ก่อนแล้วหลวงพ่อท่านก็ยื่นส่งมาให้แล้วก็บอกว่าไอ้ผีร้ายตัวนี้มันฤทธิดเดชมากอาระยมกลางคืนนี่ใครจะสู้มันไม่ได้หรอกแต่ในเวลากลางวันนี่มันจะหมดฤทธิทำอะไรไม่ได้เพราะมันแพ้แสงอาทิตย์เมื่อถึงตอนนั้นมันก็จะหนีหายไปซ่อนตัวอยู่ในรังของมันโดยที่ไม่มีใครตามค้นพบได้ เพราะว่ามันจะพรางตาเอาไว้ทางเดียวเท่านั้นที่จะหามันให้พบก็คือใช้ธนูอันเนี้ยค้นหาซึ่งก็จะสามารถตามมันพบจนได้หลังจากนั้นหลวงพ่อก็อธิบายวิธีใช้ให้ทราบว่าเวลาที่ติดตามผีร้ายตัวนั้นอาจจะถูกมันลวงให้หลงไปอีกทางหนึ่งหรือว่าไม่สามารถที่จะค้นหารังของมันเจอก็ให้ว่าคาถาที่ท่านสอนให้แล้วก็อธิษฐานจิตนึกถึง พุตธคุณธรรมคุณก่อนที่จะเสี่ยงทางด้วยการเอาธนูขึ้นมาผ้าสายแล้วเล็งไปทางทิศที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางนั้นก่อนที่จะหันธนูขึ้นสู่เบื้องบนแล้วก็ยิงขึ้นไปตรงๆธนูจะตกลงมาแล้วก็ให้ค้นหาตามทิศทางที่หัวธนูชี้ไปหากว่าเรายังไม่แน่ใจหรือว่านึกสงสัยก็ให้ทำใหม่อีกครั้งโดยยิงขึ้นฟ้า ลูกธนูก็จะบอกเส้นทางเดิมให้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นกลางคืนมองไม่เห็นก็ให้เอาผ้ามาพันผูกติดเอาไว้แล้วก็จุดไฟยิงขึ้นฟ้าไปแสงไฟจากธนูก็จะบอกเส้นทางให้เห็นชัดเจนขึ้นหลังจากที่นั่งสนทนาอยู่กับหลวงพ่อจนได้เวลาทุกคนก็พากันกลับมายัางที่พักสีทาก็รีบให้ลูกน้องช่วยกันจัดการวนได้สายสินไปรอบๆ บ, บริเวณนั้น แล้วก็ห้ามไม่ให้ใครออกมานอกวงเด็ดขาดในยามค่าคืนหลังจากนั้นก็ช่วยกันต้มยาสมุนไพรให้กับคนป่วยดื่มเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้พักผ่อนซึ่งศรีทาบอกว่าหลังจากที่กินยาเข้าไปคนงานที่ป่วยก็มีอาการดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์คืนนั้นผมจัดการให้คนงานที่มีร่างกายแข็งแรงบึกบึนแปดคนรวมทั้งผมเป็นเก้าเตรียมตัวเพื่อจะตามล่าเจ้าผีร้ายตัวนั้น ถ้าหากมันมารังควานพวกเราอีกโดยแต่ละคนนั้นก็เอาใบไม้ปลุกเสกของหลวงพ่อ ใ, ใสัยในกระเป๋าอกเสือ้อพกติดตัวเหมือนกับยันกันผีพร้อมที่จะลุยกับมันให้แตกหักกันไปเลยสีทาบอกว่าพวกเขาตัดสินใจที่จะไม่เดินทางต่อไปจนกว่าจะปราบเจ้าผีร้ายตัวนี้ให้ได้ซะก่อนเพราะไม่รู้ว่าถ้าหากว่าเดินทางล่วงหน้าไปโดยที่เจ้าผีตัวนี้ยังอยู่แล้วมันจะตามล่าพวกเขาหรือเปล่า แต่ถ้าหากว่ายังปักหลักอยู่แถวนั้นแล้วก็มีพระทุดงององที่ว่านะอยู่ใกล้ๆก็สามารถที่จะวิ่งไปหาท่านได้ในยามคับขันก่อนค่ําคืนนั้นทุกคนต่างก็ช่วยกันหาไม้ฟืนแห้งมากองตุนเอาไว้อย่างมากมายเพื่อจะสุมกองไฟให้ลุกอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ดีว่าคืนนี้เจ้าผีตัวเดิมมันจะต้องย้อนกลับมารังควานอีกเป็นแน่นอนแม้จะตื่นเต้นว่ากําลังประเชิญอยู่กับอะไร แต่ก็แปลกที่พวกเรากลับไม่ได้รู้สึกกลัวเหมือนกับที่ได้ยินเสียงเมื่อคืนอาจจะเป็นเพราะเรารู้ว่าเรามีพระพระดีมาปักร์ดอยู่ใกล้ๆเราแล้วเราก็พร้อมที่จะลุยกับมันอยู่แล้วสีทธาบอกว่าถ้าหากว่ารู้ว่าพวกเขาเป็นพวกที่ชอบเสียงตายบ้าบินอยู่แล้วเจ้าผีรายตัวนั้นมันคงจะสำนึกได้ว่ามันไม่น่าจะมาต่อแย่คนพวกนี้เลยแต่ก็อย่างว่าดวงชะตาคนเรานะี่ยมันหาอะไรแน่ไม่ได้ เจ้าผีรายตัวนั้นมันอาจจะเป็นใครหรือเป็นอะไรสักอย่างที่ก่อเกิดขึ้นมาจากความคงครังของสายศาสตร์ที่ไม่มีใครพิสูจน์ได้แล้วมันก็ย่อมไม่รู้ว่าใครเป็นใครสิ่งเดียวที่มันรู้ก็คือใครหลงเข้ามาในขอบเขตที่มันยึดครองอยู่ก็จะต้องตายแล้วก็กลายเป็นเหยื่อของมันเท่านั้นดึกโ c คือนั่นขณะที่พระจันทร์กําลังลอยเรียรอยู่เหนือยอดไม้ทุกคนก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักดังผงผางมาแต่ไกล คล้ายกับว่ามีใครสักคนกําลังอารวาสอยู่ในหมู่บ้านแต่แปลกที่คืนนี้ไม่ได้ยินเสียงหวีดร้องของมันเหมือนกับคืนที่ผ่านมาไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในวงล้อมของได้สายสินก็เป็นได้จึงไม่ได้รับอันตรายหรือว่าได้ยินเสียงแสบแก้วหูนั่นซีทาเล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าผีร้ายตัวนั้นเมื่อรู้ดีว่ามันไม่สามารถจะฝ่าสายสินเข้ามาหาทุกคนได้ มันก็เลยอารวาดใหญ่ด้วยการหักกิ่งไม้ต้นไม้จนระเนระนาดไปหมดพอเรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนผมก็สั่งลูกน้องที่เหลือเฝ้าแคมป์ว่าอย่าได้ออกจากวงสายสินไปไหนจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วพวกเราทั้งเก้าคนก็พากันย่องตามออกไปหัวใจตอนนั้นก็สั่นระทึกอยู่ว่าใบไม้ปลุกเสกที่หลวงพ่อให้มานี่จะป้องกันมันได้ไหมแต่จากที่เราเห็นว่ามันบุกเข้ามาไม่ได้เพราะติดสายสิน ก็ทำให้ทุกคนใจชื้นขึ้นแล้วก็มีความเชื่อเพิ่มพลังทวีคูณขึ้นมาสีธาบอกว่าระหว่างที่เดินออกไปตามเสียงนั้นเขาสวดมนต์ชุมนุมเทวดาอยู่ในใจตลอดเวลาเพื่อที่จะอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ช่วยมาป้องกันภัยให้เขากับลูกน้องซึ่งแต่ละคนต่างก็สะพายปืนเต็มอัตราเน็บมีดเดินป่าสปาต้าพร้อมที่จะสู้ยิบตาถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงาย แสงจันทร์สาดส่องไปทั่วบริเวณสามารถแลเห็นได้ทุกขนทุกแห่งที่ราบโล่งในหมู่บ้านซึ่งหลังจากที่มันอลาว่าจนพอใจแล้วก็รู้ว่าคงจะทำอะไรกองคารวานนี้ไม่ได้แล้วเจ้าผีป่าตัวนั้นก็หันหลังกลับออกไปจากหมู่บ้านมันเดินลึกเข้าไปในป่าซึ่งสีทากับลูกน้องก็ได้แต่คอยย่องตามมันไปอย่างไม่ให้คลาดสายตาเพื่อรอเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นในรุ่งเช้าเพื่อจะเข้าจัดการกับมัน ท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องลงมานั่นะครับผมแลเห็นไอ้ผีตัวนั้นถนัดตาเรียกว่าถึงกระตะลึงจนแทบหงายหลังตพรหน้าตามันน่าเกลียดน่ากลัวจะว่าเป็นคนก็ไม่ใช่รูปร่างมันสูงใหญ่กว่าคนธรรมดาขนรุงรังเต็มตัวลูกตาโตกรอกไปกรอกมาเหมือนกับมีแสงไฟลุกโพร่อยู่ในนั้นถึงตอนนี้ผมถึงได้เชื่อแล้วว่าทาไมลูกน้องของผมถึงได้ตกใจจนหมดสติไป ในตอนที่เห็นมันครั้งแรกสิธาเล่าว่าเส้นทางที่มันเดินเข้าป่าไปนั้นช่วงแรกเป็นป่าโปร่งโล่งพอที่จะแลเห็นได้ดังนั้นทุกคนจึงสามารถติดตามมันไปได้อย่างสะดวกสบายไม่มีปัญหาจนกระทั่งเข้าป่าลึกไปแหละพระจันร์เริ่มที่จะคล้อยหายไปทางด้านหลังเขาเงาร่างที่ตามอยู่นั้นก็ทันหายวับไปในตอนไหนก็ไม่มีใครรู้ได้ ผมรู้สึกว่าเวลากลางคืนมันยาวนานมากสำหรับคืนนั้นที่เราเดินตามหลังมันไปเรื่อยๆใจผมก็ภาวนาให้พระอาทิตย์ขึ้นซยไวเพราะกลัวว่ามันจะหันมาไล่ล่าเอากับพวกเราแต่ก็แปลกที่ตลอดเวลาไอ้ผีตัวนั้นมันมุ่งไปข้างหน้าแต่เพียงอย่างเดียวแม้จะหันซ้ายหันขวาดูนั่นดูนี่อยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้หันมามองข้างหลังเลยว่ามีใครตามมาหรือเปล่า ซึ่งก็ทําให้พวกเรายิ่งนอนใจได้ว่ามันอาจจะเป็นเพราะบา ร, รมีหลวงพ่อที่ปลูกเสกใบไม้ให้พวกเราติดตัวมาก็ได้ถึงทําให้มันไม่สงสัยหรือว่ามองไม่เห็นพวกเราแต่เมื่อเจ้าผีร้ายหายไปอย่างกระทันหันอย่างนี้ก็ทําให้ทุกคนชักใจไม่ดีขึ้นมาเพราะว่าไม่รู้มันหายไปทางไหนครั้นจะจุดไฟเข้ากับหัวธนูยิงขึ้นฟ้าก็เกรงว่ามันจะหันมาเจอเข้า เมื่อรู้แน่กระใจว่าเจ้าผีร้ายตัวนั้นไม่ได้แกล้งกำบังตาให้พวกเขาหาไม่เจอในที่สุสีทาก็บอกว่าเขาตัดสินใจที่จะใช้ธนูไฟหาทิศทางหลบหนีเขามันแม้ว่าจะกลัวว่าเมื่อถึงตอนนั้นมันจะหันมาเล่นงานพวกเขาก็ตามผมยกคันธนูขึ้นพาดลูกศรที่พันผ้าชุบน้ำมันแล้วก็จุดไฟจนลุกโชนนึกถึงหลวงพ่อและครูบาอาจารย์เจ้าป่าเจ้าเขา ขอให้ลูกธนูชี้ทางไปของเจ้าผีร้ายเสร็จแล้วก็อธิษฐานตั้งคันธนูตรงขึ้นไปเหนือหัวแล้วกดยิงออกไปอเบาๆกะวายขึ้นไปสักวาร์สองว่าตำนองนั้นเสร็จแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็พลันบังเกิดขึ้นในขณะที่ทุกคนกําลังจ้องลูกธนูเมื่อยิงขึ้นไปแล้วว่าจะตกลงมาที่ไหนก็ปรากฏว่าลูกธนูที่พุ่งขึ้นไปประมาณสองสาวานั้นตกลงมาสักครึ่งหนึ่ง ก่อนที่มันจะตกถึงดินมันกลับพุ่งฉลบออกไปเหมือนผีพุ่งใต้บนท้องฟ้าโดยพุ่งไปอีกทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่เส้นทางที่ทุกคนมองเห็นเจ้าผีตัวนั้นมันหายวับไปศสิธาบอกว่ามันคงจะพรางตาไม่ให้ทุกคนตามไปพบรังของมันแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาจึงเชื่อในปาฏิหาริย์ของธนูไฟอันนั้นด้วยการสั่งให้ทุกคนเปลี่ยนเส้นทางอ่าเดินไปตามที่ธนูชี้ให้ตลอดเวลาที่ผ่านไปอย่างเชื่องชานนั้นทุกคนเดินติดตามเจ้าปีศาจ ร, ร้ายเหมือนกับว่า จะทันแหล่ไม่ทันแหล่เหมือนกับว่ามีมันเดินอยู่ข้างหน้าแต่ว่าไม่สามารถจะเดินตามได้ทันสักครั้งจนกระทั่งหายวับไปอีกแล้วคราวนี้ก็ไม่มีว่แววให้เห็นเลยการบุก ป, ป่ากลางคืนมันเดินลำบากมากนะครับเพราะว่าบางแห่งมีเถาวัลย์เลยพันเกะกะไปหมดฝ่าไปได้ยากเพราะดีที่แถวนั้นไม่มีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่เราก็เดินได้อย่างโล่งใจ บางครั้งเมื่อเราตามมันไม่ทันหรือไม่แน่ใจว่าผิดหรือว่าไปถูกทางเราก็จะใช้ธนูทำพิธีไปอย่างนั้นทุกครั้งจนกระทั่งรุ่งสางพอฟ้าสว่างทุกคนก็ช่วยกันดับไฟแล้วก็รู้แน่แกใจว่าเมื่อถึงตอนนี้เจ้าผีร้ายตัวนั้นจะต้องลงไปหลบอยู่ในรังของมันแล้วอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าแสงอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นมาเหนือท้องฟ้าและตัวมันเองก็ไม่สามารถจะใช้ฤทธิ์อนาจอะไรได้อีก แม้ว่ามันจะหายตัวไปแต่ทุกคนก็โล่งอกขึ้นเมื่อรู้ว่าเรามาถูกทางแน่แล้วก็นับจากนี้ไปจนขวาดวงอาทิตย์จะลับขอบว่าเราก็มีอำนาจเหนือกว่าเจ้าผีตัวนั้นอย่างเต็มตัวไม่ต้องคอยหลบหลบซ่อนๆตามหลังมันเหมือนอย่างเมื่อกลางคืนที่ผ่านมาอีกต่อไปทุกคนต่างช่วยกันเร่งมือค้นหาโดยใช้ธนูของพระธุดงเป็นเครื่องช่วยนำทาง จนกระทั่งติดตามไปถึงป่าทึบที่มีเถาวันขึ้นทึบไม่มีแสงอาทิตย์จะส่องถึงได้แม้ว่าจะเป็นยามกลางวันก็ตามทุกคนหมดหนทางที่จะตามเข้าไปในป่านั้นแม้ว่าลูกธนูจะชี้บอกว่ามันเข้าไปในนั้นก็ตามแต่ด้วยความรกทึบของป่าก็ทำให้ทุกคนหันหีหันขวางเพราะว่ามองไม่เห็นทางที่จะแทรกผ่านเข้าไปได้เลย ทิทาบอกว่าในตอนแรกเขาคิดว่าลูกธนูสับสนก็เลยทดลองเสี่ยงถึงสามผลด้วยกันก็ปรากฏว่าชี้ไปทางเดียวกันทุกครั้งจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเอามีดสปาต้ามาจากเอลของลูกน้องแล้วฟันถาวันถางทา ง, ทา ง, ทางบุกเข้าไปเพราะมั่นใจว่าไม่มีทางไปอีกแล้วนอกจากทางนี้หลังจากที่ช่วยกันฟันช่วยกันถางเพียงแค่ให้มันแหวกออกเป็นช่องเพื่อจะมุดเข้าไปได้ทีละคนก็ทําให้เสียเวลาอยู่นานถึงสองาชั่วโมง เพราะว่าทวันมันรกมากจนยากที่จะฝ่าเข้าไปไง่ายๆแต่เมื่อรั้นรอดก็ไปถึงข้างในได้ทุกคนก็ต้องตกตะลึงจังงานกับสิ่งที่ได้เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นกระดูกสัตว์มากมายที่กองสมุมกันอยู่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่ทั้งซากเก่าซากใหม่ต่างทรงกลิ่นเหม็นหืนจนแทบจะอาเจียนออกมาเมื่อถึงตอนนี้จึงได้รู้แล้วว่าทาไมสัตว์ในป่านี้ถึงได้หายไป ซึ่งก็คงจะถูกเจ้าผีร้ายตัวนี้มันจับมากินเลือดกินเนื้อตายอยู่ในสถานที่แห่งนี้นั่นเองทุกคนต่างพากันเอาผ้าขึ้นมาพันคลุมหน้าปิดจมูกเอาไว้เพื่อไม่ให้เป็นลมไปซสก่อนเพราะไม่มีเวลาจะรอท่าอยู่ได้อีกต่อไปแล้วศีทาบอกว่าเขารู้ได้ในทันทีที่เห็นกองกระดูกเหล่านั้นว่าเขาตามมันมาถูกทางแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ามันหายไปทางไหนไม่มีวี่แววร่องรอยให้เห็นอยู่เลย เขาเล่าว่าภายในรั้วเถาวันที่เขากับลูกน้องบุกเข้าไปนั้นถ้ามองเผินๆแล้วจะเหมือนกับว่าเป็นลานกว้างที่ห่อหุ้มเอาไว้ด้วยเถาวันที่เลื้อยสมอยู่เป็นกำแพงและในบริเวณลานแห่งนี้ก็มีเนื้อที่กว้างขวางเรียกว่าพอจะบรรจุคนได้เป็นร้อยเรียกว่าเป็นสถานที่น่าอัศจรรย์มากตอนนั้นผมหมดปัญญาจริงๆว่าจะตามมันไปทางไหนเพราะว่าในตอนแรกที่เราคิดว่าเรามาถูกทางแล้ว และที่แห่งนี้น่าจะเป็นสุสานของสัตว์ที่มันเอามากินแต่ตัวของมันล่ะมันไปอยู่ที่ไหนเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกับความน่ากลัวของผีป่าในตอนต่อไปนะครับรายการนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรและผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันใหม่พรุ่งเองครับสวัสดีครับ มาเกวียนถึงเรื่องของผีป่าภูพันต่อจากเมื่อวานนี้นายศรีทาเล่าว่ากระดูกสัตว์มากมายที่กองสมุมกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นทั้งซากเก่าซากใหม่น้ส่งกลิ่นเหม็นหึ่งจนแทบจะอาเจียนออกมาเมื่อถึงตอนนี้ถึงได้รู้แล้วว่าทำไมสัตว์ในป่านี้ถึงได้หายไปคงจะถูกเจ้าผีร้ายตัวนี้มันจับมากินเลือด ก, กินเนื้อตายอยู่ในสถานที่แห่งนี้นั่นเอง ทุกคนก็เอาผ้าขึ้นมาพันคลุมหน้าปิดจมูกเอาไว้เพื่อไม่ให้เป็นลมไปซะก่อนไม่มีเวลารอท่าอยู่ได้อีกต่อไปแล้วสีทาบอกว่าเขารู้ได้ในทันทีที่เห็นกองกระดูกเหล่านั้นว่าเขาตามมันมาถูกทางแล้วแต่ตัวมันสิไม่รู้มันหายไปทางไหนไม่มีวี่แววร่องรอยให้เห็นเลยเขาเล่าว่าภายในรัว้วเถาวัลที่เขากับลูกน้องบุกเข้าไปนั้นถ้ามองผิวเผินแล้วจะเหมือนกับว่าเป็นลานกว้างที่ห่อหุ้มเอาไว้ด้วยเถา ว, วัลที่เลื้อยสมเป็นกำแพง และในบริเวณลานแห่งนี้ก็มีเนื้อที่กว้างขวางเรียกว่าพอจะบรรจุคนได้เป็นร้อยเลยเรียกว่าเป็นสถานที่น่าอัศจรรย์มากตอนนั้นนะผมหมดปัญญาจริงๆว่าจะตามมันไปทางไหนเพราะว่าในตอนแรกก็คิดว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ที่แห่งนี้น่าจะเป็นสุสานของสัตว์ที่มันเอามากินแต่ตัวมันล่ะมันหายไปหลบอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็เลยต้องขอเสียงทายด้วยลูกธนูอีก ทิฏฐานเล่าว่าเขาหยิบธนูพร้อมลูกออกมายืนกลางลานนึกถึงครูบาอาจารย์และหลวงพ่อที่เป็นเจ้าของธนูรวมไปถึงเจ้าป่าเจ้าเขาให้ช่วยกันม า, าทำให้เจ้าผีตัวนี้สิ้นเวรสิ้นกรรมไปสทัทีป่าแห่งนี้จะได้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปอธิษฐานเสร็จก็พาดธนูขึ้นสายชี้ตรงขึ้นไปเบื้องบนแล้วก็ยิงท่ามกลางสายตาของทุกคนที่จับจ้องอยู่ธนูดอกนั้นพุ่งเลี้วขึ้นไปข้างบนแล้วตกวูบลงมา คราวนี้แทนที่มันจะฉลบออกไปกลับดิ่งลงมาปักลงบนกลางลานที่ปกคลุมด้วยใบไม้แห้งใกล้ๆกับที่นายสีทายืนอยู่จนเขาต้องกระโดดแทบไม่ทันเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าน่ากลัวเจ้าผีตัวนี้จะฝังตัวเองในพื้นดินข้างล่างนี่เป็นแน่ก็เลยตัดสินใจว่าจะช่วยกันขุดลงไปทุกคนต่างช่วยกันปัดเศษหินเศษใบไม้ที่ปกคลุมแถวนั้นอยู่ออก ถึงได้พบว่าใต้เศษใบไม้ที่กองสุมนั้นไม่มีหีบใบหนึ่งฝังอยู่ตรงนั้นจริงๆพอเห็นว่ามีหีบอยู่ตรงนั้นผมก็รู้ได้ทันทีว่าเราเจอมันแล้วผมก็เอาได้สายสินส่วนที่เหลือจากหลวงพ่อให้มานะครับขดเป็นวงกับกิ่งไม้ที่พวกเราเอามาปักไว้ล้อมหีบใบนั้นเป็นวงกลมกว้างก่อนที่จะช่วยกันงัดขวาหีบขึ้นมา ฝาหีบที่ในาสีทากับลูกน้องช่วยกันเปิดขึ้นมานั้นเป็นหีบไม้ที่มีดินเหนียวฉาบ ป, ปิดบนฝาเอาไว้จึงทําให้ไม่มีใครรู้ว่ามีหีบฝังอยู่ตรงนี้เพราะมันมีรอยดินปกคลุมอยู่เหมือนกับลานดินส่วนอื่นๆและที่สําคัญฝาหีบอันนั้นก็ไม่ได้มีการตอกตะปูเอาไว้ทุกคนจึงได้ช่วยกันยกขึ้นมาด้วยใจที่สั่นระทึกอยู่ตลอดเวลาและทันทีที่เปิดฝาหีบซึ่งในภายหลังทุกคนจึงได้รู้ว่าเป็นวาโล่งเนี่ยออกมา ทุกคนที่มองเห็นภาพในโรงนั้นถนัดตาก็ถึงกับต้องร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจอีกหนเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นอยู่ในหีบใบนั้นมันเป็นร่างของปีศาจ ร, ร้ายที่จะว่าคล้ายคนก็ไม่ใช่คล้ายสัตว์ก็ไม่เชิงมันมีรูปร่างเหมือนข้างตัวใหญ่แต่ไม่มีหางครึ่งคนครึ่งสัตว์ตัวขนาดเท่ากับคนธรรมดามีขนขาวตามหน้าตาและลำตัวใบหน้าของมันที่ลายเห็นนั้นน่าเกลียดหน้ากลัวมาก เขี้ยวที่มุมปากนัแหลมโงงออกมาดวงตาลืมโพรงเหมือนกับมีดวงไฟอยู่ข้างในแม้มันจะไม่กระดุกกระดิกเคลื่อนไหวแต่เมื่อได้เห็นสีหน้าของมันแล้วก็ทําให้ทุกคนรู้สึกสยดสยองเป็นอย่างยิ่งว่าตั้งแต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาก็ไม่เคยเห็นอะไรที่มันน่าเกลียดน่ากลัวอย่างนี้มาก่อนทุกคนช่วยกันขุดแล้วก็ยกลงใบนั้นขึ้นมาวางบนพื้นดินลูกน้องสีทาคนหนึ่งซึ่งยืนถือมีดอยู่ใกล้ๆ ยกมีดขึ้นแล้วก็ควันฉับลงไปก่อนที่ใครจะห้ามทันแต่กลับปรากฏว่ามีดเล่มนั้นกระดอนขึ้นมาเหมือนสับลงไปบนหนังอย่างคมมีดตีคมกริบกลับไม่ระคายผิวหนังของมันได้เลยแม้แต่น้อยแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีเนี่ยพี่เผาเลยสีทาบอกว่าเขาตัดสินใจทันทีเพราะรู้ดีว่าถ้าหากว่าคมอาวุธไม่ระคายผิวหนังของมันอย่างอื่นก็คงไม่ต้องพูดถึง สิ่งที่จะทำลายมันได้มีทางเดียวเท่านั้นก็คือเผาทำลายซากสังขารของมันให้สิ้นไปแต่เมื่อหอบเอากิ่งไม้มาทำฟืนเป็นหมอนรองแล้วก็จุดไฟก็ปรากฏว่าจุดเท่าไหร่ไฟก็ไม่ติดสักทีคราวนี้ศรีธาจึงรู้แน่แก่ใจแล้วว่าไอ้ผีร้ายตัวนี้มันยังมีฤทธิ์เดช ท, ที่จะลองดีกับพวกเขาอยู่ผมไม่รู้จะทำยังไงดีตอนนั้นโมโหก็โมโหก็เลยหยิบลูกธนูขึ้นมา ของหลวงพ่อนะครับแล้วก็แทงลงไปบนตัวมันยังไม่ในตั้งใจคือทำมาด้วยความหงุดหงิดมากกว่าแต่ว่าพอลูกธนูปักลงไปปรากฏว่าหนังหนาของมันกลับทะลุลงไปโดยง่ายมันก็แทงลงไปบนลูกโปง่งเพราะพอแทงลงไปลวดสีดําสนิทแล้วก็เหม็นหืนของมันก็ไหลทะลักออกมาและดูเหมือนว่าร่างของมันที่เห็นเป็นปกติอยู่นั้นก็ค่อยๆ ย, ยุบลงไปสีทาเล่าว่าเขาอาศัยในช่วงจังหวะนั้นให้ลูกน้องจุดไฟ ก็ประกาเลือดของมันที่ไหลออกมาแทนที่ว่จะเป็นน้ําแล้วดับไวกลับเป็นเหมือนน้ามันที่เพิ่มเชื้อไฟขึ้นมาจนมันลุกโผลงท่วมลงจนกระทั่งซ่าเขงมันมอดไหม้เป็นเท่า่านไปในที่สุดเมื่อกําจัดเจ้าผีร้ายลงไปได้แล้วทุกคนก็ล่าถอยกลับออกมาสีทาบอกว่าเขาแวะไปนมัสการพระธุดงรูปนั้นแล้วก็เล่าให้ท่านฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งท่านก็ได้แต่แผ่เมตตาแผ่กุศลไปให้มัน พร้อมกับบอกว่าอย่าได้จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันอีกเลยหลังจากที่จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทุกคนยังได้สำรวจหมู่บ้านแห่งนั้นอย่างละเอียดอีกทีหนึง่งจึงพบว่าที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเหมือนกับเป็นหอผีของหมู่บ้านนั้นมีรูปปั้นของลิงตัวหนึง่งทาด้วยสีดําวางอยู่บนหิ้งซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหมายถึงอะไรแต่หลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วทุกคนก็ล้มเลิกที่จะขึ้นไปตัดไม้เพราะถือว่าเลอกไม่ดีตั้งแต่ ตอนแรกแล้วไม่ควรที่จะขึ้นไปอีกจังนั้นก็เลยชักชวนกันกลับลงมาหลังจากนั้นแล้วผมก็ขึ้นไปช่วยหลวงพ่อท่านสร้างหมู่บ้านแห่งนั้นขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้มาอาศัยอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่มีใครมาหลวงพ่อท่านก็เลยขอให้พวกทหารบังชาวบ้านบังมาช่วยกันพัฒนาแล้วก็สร้างเป็นสำนักวิปัสนาขึ้นมาแทนที่โดยท่านเองก็ปักหลักอยู่ที่นี่มีพระสงฆ์กับสามนเณร หลายองค์ขึ้นเขามาเรียนวิปัสสนากับท่านด้วยหลังจากที่หลวงพ่อซึ่งตอนหลังชาวบ้านเขาเรียกหลวงปู่สอนปักหลักสร้างสำนักวิปัสสนาที่นี่ขึ้นมาได้ปีสองปีถึงได้มีชาวบ้านที่มีอาชีพทำไร่ได้เข้ามาอาศัยอยู่แถวนั้นหลายหลังคาเรือนซึ่งพวกเขาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีอาชีพหาของป่าขายและทุกคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครทราบว่าเดิมทีพื้นที่แถบนี้เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง เพราะไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีใครกล้าขึ้นมาทำมาหากินอยู่บนเนินเขาแถบนี้แน่นอนสำหรับสำนักวิปัสนาแห่งนี้ในเวลาต่อมาหลวงพ่อสอนได้จัดให้มีการทำพิธีบูชาผีป่าผีเขาเพื่อขอขมาซึ่งนายสีทาบอกว่าเขาขึ้นไปช่วยท่านอยู่จนกระทั่งงานบายศรีนั้นเสร็จสิ้นลงไปพร้อมกับที่ท่านได้บอกกับเขาว่าต่อแต่นี้ไปสานักวิปัสนาก็จะเป็นวัดป่าเทพวราราม แล้วก็จะไม่มีความน่ากลัวหลงเหลืออยู่อีกต่อไปน่าเสียดายที่ท่านไม่ยอมให้ใครถ่ายภาพด้วยเกรงว่าจะมีคนเอาภาพที่ว่านะไปทําอย่างอื่นอันจะทำให้ท่านผิดวินัยสงฆ์แล้วก็อาบัติแม้กระทั่งการเอาเรื่องราวของท่านมาเขียนถึงนั้นท่านก็บอกว่าอย่าเขียนไปในแนวอภินิหารเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกินวิสัยคนเราจะรับได้ดีไม่ดีจะกลายเป็นอวดอุตริมนุสธรรมต้องอาบัติประราชิกก็ทําให้ต้องหลุดจากการเป็นพระไปเปล่า สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังวัดป่าแห่งนี้ครับตาบว่าหากว่าขับรถไปจากมุกดาหารมุ่งหน้าไปทางเส้นที่มุ่งไปสู่อำเภอธาตุพนมเมื่อพบป้ายลูกศรบอกทางไปสู่เขตอำเภอดงหลวงแล้วก็ให้เลี้ยวเข้าไปซึ่งจากตรงนั้นท่านจะต้องขับรถวกไปตามถนนที่เรียบไปตามเชิงเขาจนเข้าสู่วัดภูคำพระของหลวงปู่คำน้อยแล้วค่อยสอบถามกับชาวบ้านแถบนั้นอีกทีเพราะว่าวัดแห่งนี้จะตั้งอยู่บนยอดเขากลางป่า ซึ่งดูมันว่าชาวบ้านแถวนี้รู้จักวัดป่าเทพวรารามแห่งนี้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันครับแถวภูพา น, นมีเรื่องอะไรแปลกๆน่ากลัวเยอะเลยอย่างเช่นเรื่องที่คุณเฉลียวเล่าให้ฟังว่าเมื่อปี2510คุณเฉลียวอายุ10ขวบแถวบ้านแกมีคนรวยตายเป็นเจ้าของโรงสีโดนยิงตายคว่ำอยู่คาหน้าโรงสีของตัวเองอแหละ ศพเท่าแก่โรงสีนี่ลงไปนอนอยู่ในโรงนี่เขาจัดงานใหญ่มากที่วัดใกล้ๆบ้านลูกเมีายญาติพี่น้องเขาเอาเงินทองของมีค่าใส่ลงมาในโรงเป็นจำนวนมากกองไว้ข้างๆศพแล้วก็ของมีค่าที่เขารักเช่นสร้อยคอเส้นเบรอร์นาฬิกาเรือนทองแหวนที่ติดนิ้วอยู่ก็ไม่ได้ถอดออกที่นี้พอตกดึกสงัดก็มีมือดีมาเปิดโงศพฉกเอาทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นไป ไม่มีใครรู้ว่าข่าวของหายไปหมดแล้วแต่เมียเท่าแกนะฝันฝันว่าเท่าแก่มาบอกบอกว่าเขาหมดเนื้อหมดตัวแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเมียไม่เข้าใจเล่าให้หลายคนฟังทุกคนก็ไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่ายังไงจนวันที่เผาศพสัสปรเร่อต้องเปิดโรงศพดูศพก่อนเผาเพอเปิดโลงก็พบว่าทรัพย์สินต่างๆที่ใส่ลงไปนั้นน่ะมันอันตรธานหายไปหมดแล้วไม่เหลือแม้แต่เศษสตัง ทีนี้ก็วุ่นกันใหญ่แล้วแทบจะไม่ได้เผาศพแต่ผลสุดท้ายก็เผาไปท่ามกลางความว่าวุ่นวุ่นวายถามหามือดีที่โฉกทรัพย์สินของคนตายเอาไปกันจ้าละวันทีเดียวไม่มีใครรู้ว่ามือดีนั้นเป็นใครเมียเท่าแก่แลเป็นคนไม่ยอมคนอยู่แล้วส่งสายสืบจ้างสายสืบให้สืบหาตัวหัวขมโมยให้จงได้ใช้เวลาอยู่เจ็ดวันก็รู้ว่ามีคนเห็นผู้ชายคนหนึ่งย่องไปที่ศาลาตั้งศพตอนดึก ที่เจ้าภาพแล้วคนเฝ้าศพอนอนก็นอนอย่างหมดแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครก็ยังไม่แน่ใจต้องรอพิสูจน์ให้แน่ชัดกันก่อนพยานที่เห็นเนี่ยเป็นเด็กเป็นเด็กผู้ชายคนนึงเป็นลูกศิษย์วัดปวดฉี่ลุกขึ้นมากลางดึกมองจากกุฏิพระไปเห็นผู้ชายคนนั้นสวมชุดสีดํากลมกลืนกับความมืดแต่ที่เห็นนั้นผู้ชายลึกลับคนนั้นไม่ได้อยู่ในความมืดแสงไฟจากศาลาส่องมาเห็นร่างนั้นกําลังย่องขึ้นศาลา เด็กบอกว่าเขาผมๆสูงๆผมยาวๆเมียเท่าแก่สั่งว่าจับให้มั่นคันให้ตายเอาติดตารางให้ได้รูปร่างลักษณะอย่างนี้คนพูดกันเมนเสียงเดียวกันว่าคล้ายๆในรังคนที่มาป้วนเปี้ยนอยู่ที่วัดมากที่สุดในรังคนนี้อายุใกล้จะห้าสิบแล้วไม่มีอาชีพอะไรวัดมีงานก็มาอาศัยกินข้าววัดมั่วกับเขาอยู่ในงานนั่นแหละช่วยเขาหยิบจับโน่นจับนี่บ้างก็เล็กน้อย พอเขากินก็กินกับเขาลูกเมียไม่มีอยู่บ้านเก่าๆโสมๆหลังเล็กๆอยู่ท้ายสวนมีเหล้ากินก็กินเหล้าไม่มีก็อดเอาใครเขากินเหล้าก็มักจะเรียบเคียงเข้าไปตีสนิทขอกินด้วยเคยลักไก่ชาวบ้านไปเชื่อกินหลายตัวแล้วแม้แต่ผลละหมา ก, กรากไม้ก็เอาเมียเท่าแก่โรงสีให้คนไปถามนายรังปฏิเสธเสียงแข็งว่าคนอย่างเขาไม่ทําอะไรชั่วๆอย่างนั้นหรอกเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรอายุไม่ใช่น้อยๆแล้ว คันขอให้เขาสาบานเขาโมโหใหญ่ไล่เตะลูกน้องเท่าแกวิ่งหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นทีนี้ก็เป็นอันค่อนข้างแน่ชัดว่าในรังจะต้องรู้เห็นกับทรัพย์สินที่หายหรือไม่ก็เป็นคนลงมือซะเองเมียเท่าแกพยายามในคนอื่นๆไปเรียบเคียงถามอีกในรังก็โกรธจัดทุกทีผลสุดท้ายก็เลยไปแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่ก็มาจัดการนำตัวไปสอบสวนนรังก็ปากแข็งทำยังไงก็ไม่ยอมรับ เจ้าหน้าที่ค้นบ้านก็ไม่พบหลักฐานอะไรผลสุดท้ายก็เอาผิดกับนายรังไม่ได้นายรังกลับบ้านคืนเดียวเท่านั้นก็ล้มป่วยหนักอาการคล้ายๆผีเข้าพูดไม่เขอยรู้เรื่องแต่มักจะพูดถึงเรื่องทรัพย์สินที่ศพเท่าแก่ปรากฏว่าเขาเดินไปที่หน้าโรงสีตอนหัวค่ําแล้วไปปีนต้นมะม่วงหน้าโรงสีหมาเห่ากันเสียงขร่ำเนี่ยอยู่ๆก็พลัดตกลงมาหมาก็ไล่ฟัดเขาก็วิ่งหนี ตกน้ำอ่าตกลงไปในคลองตะเกียกตะกายขึ้นมาได้ก็โดนหมารุมก็หนีลงไปในน้ำอีกเมียเท่าแกออกมาดูเห็นแล้วก็เรียกตำรวจอ่าจับตัวได้เขาก็เล่าว่าเขาเห็นตอนสับปปเปลือยยกศพลงลงเห็นข้าวของมีค่าแล้วอยากได้ก็เลยลักเอาไปขายเอาเงินกินเหล้าหลังจากที่ติดคุกไปพักหนึ่งแล้วออกมาที่นี่บ้าเลย อ่าบ้าๆบอๆพูดกับใครบอกกับใครว่าตัวเขาเองแหละเป็นเท่าแก่โรงสีโอเวนกรรมเนาะเออเดี๋ยวพักสักครู่ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดอรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องของหลวงปู่หงพรมปัญโย หรือว่าพระครูปราศาสตรพรมมาคุณสุสานทุ่งม น, นวัดเพชรบุรีอำเภอปราศาสจังหวัดสุรินทร์ให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันครับหลวงปู่หงษ์พรมปัญโยนี้ท่านมีนามเดิมว่าสุวรรณหงษ์นามสกุลจะมัวดีเกิดเมื่อวันที่ห้ามีนาคมพศสองพันสี่ร้อยหกสิบ เป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความกระตันญูกระตเวทีต่อบิดามารดาได้ช่วยเหลือกิจการงานทุกอย่างด้วยความวิริยะอดทนจนอายุได้ส8ปดปีอยู่แม่ก็ขอร้องให้บวชเนนด้วยสาเหตุเกรงว่าท่านจะไปมีเรื่องกับคนอื่นเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของวัยรุ่นอารมณ์ร้อนซึ่งโดยนิสัยของท่านแล้วเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งไม่กลัวใคร สุดท้ายก็เห็นแก่โยแม่ก็เลยตัดสินใจบวชแต่เพียงเจ็ดวันครั้นบัพชาแล้วอุปชาก็ตั้งนามให้ใหม่ว่าสามเณรพรมสอนอยู่มาได้สามวันขณะที่ท่านกำลังนั่งอยู่บนแคร่ไม้ใต้ต้นมะขามใหญ่ได้มีบุรุษหญิงชายแปลกหน้าทั้งมีอายุแก่และหนุ่มแต่งกายแบบชาวบ้านมาขอร้องให้เทศโปรดทีเถอะ สามเณรพรมสอนก็กล่าวว่าฉันเพิ่งบวชได้ไม่กี่วันในยังเทศไม่เป็นหรอกชายหญิงแปลกหน้าทั้งหลายต่างก็ให้ข้อแนะนําว่าท่านเจ้าขาท่านเทศไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ท่านทดลองว่านามูสามจบประเดี๋ยวท่านก็จะเทศได้เองนั่นแหละเจ้าค่ะสามเณรพรมสอนนั่งนิ่งและสงสัยว่าบุคคลทั้งหลายเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนอยู่ๆก็มาขอร้องให้เราเทศ แต่เมื่อลองคิดแล้วเขาบอกให้ว่านโมสามจบจากนั้นก็เป็นเรื่องที่ปากพูดไปได้เองนี่เป็นเรื่องเป็นราวชายหญิงทั้งหลายต่างก็พนมมือนั่งพนมมืออมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ครั้นเทศจบก็กราบขอบคุณขอลากลับหันไปอีกทางปรากฏว่าหายไปทางไหนก็ไม่รู้หากถามหลวงปู่ว่าทำไมสามเณรพรหมสอนจึงเทศได้ ท่านก็บอกว่ามันเป็นของเก่าหรือที่เรียกว่าธรรมบันดาลที่พาให้พูดกล่าวไปได้เองจากความตั้งใจที่จะบวชเพียงเจ็ดวันก็อยู่เรื่อยมาจนอายุครบยี่สิบปีพระอุปชาจึงอุปสมบทให้หนวัดเพชรบุรีตำบลทุ่งมนอำเภอปราศาสจังหวัดสุรินโดยตั้งนามฉายาให้ใหม่ว่าพรหมปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญาประดุดพรหม เมื่ออุปสมบทแล้วหลวงปู่หงก็ตั้งใจขยันหมั่นเพียรศึกษาพระปริยัติธรรมคำสอนของสมเด็จพระผู้มีพระภาคจ้าหลวงปู่เป็นผู้มีความวิริยะสูงจดจำท่องจำแม่นยำยิ่งนักทั้งฝักใฝ่หาความรู้เพียรหาครูบาอาจารย์อย่างไม่ลดละแม้จะห่างไกลไปยากสักแค่ไหนก็อุตส่าห์ดนด้นเดินทางไปเพื่อให้ได้ความรู้กลับคืนมาเป็นรางวัล ด้วยปณิธานมั่นที่จะโปรดลูกหลานญาติโยมในภายหน้าสืบไปครั้นอุปสมบทได้แล้ว 3, สามพรรษาจึงกราบลาพระอุปชาจาริกตุดงควัตตามแบบฉบับแห่งพระบรมครูอาศัยอยู่ตามโคนไม้นุ่งห่มก็ใช้ผ้าเพียงสามผืนทั้งถือที่สงบส ป, ปายะเช่นป่าชา้าเป็นที่จเจริญภาวนาทั้งเชา้าทั้งค่ำขบฉันพรตาหารเพียงมือเดียว ได้ท่องเที่ยวสู่เมืองขูขันจังหวัดศรีสะเกตเพราะเป็นเขตแห่งสัปปศาสัดมนตราจึงได้ขอเข้าศึกษากับครูบาอาจารย์ที่เป็นทั้งคารวะก็ดีเป็นผู้ทรงศรีลสมณะก็ดีจนเป็นที่พอใจแล้วจึงขออนุญาตลากลับเพื่อจาริกทุดงสู่กรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชาสือไปเมื่อทุดงข้ามขาเ ข, าเข้ า, เ ข, า, ขาเขตประเทศกัมพูชาอันเป็นที่ตรหนักอยู่แล้วว่าเป็นดินแดนแห่งอาณาจักรขอม ทินอาถรร์เป็นที่รวมแห่งสรรพศาสตร์ไสยเวทมนตรารุ่งเรืองนักคงจะเป็นด้วยบุญบา ร, รมีเก่าหนุนนำพาให้ได้พบครูบาอาจารย์เก่าเมื่อพบเห็นแล้วทุกครูอาจารย์ต่างก็พึงพอใจในพระภิกษุหงพรมปัญโยผู้สันโดษอ่อนน้อมท่อมตนยิ่งนักได้บังเกิดความเมตตาประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาทั้งเวทมนตคาถาเมตต า, ามหาเน กำบางังภัยทั้งคุ้มครองแค้วคลาดกันอาวุธปืนหอกดาบธนูหน้าไม้เขี้ยวงาช้างเสือหุงชี้พึ่งกันยาเบื่อทั้งคุณสายทำน้ำมนตรถอาบบ้าใบาจิตหลอนก็อ่อนโยนจนลุเลยข้ามดงสู่จังหวัดสารพัดไต่เขาและภูผาอาศัยหุบเขาข้างห้วยเอ็นกาย คำก็ภาวนาตลอดไปยามสองจิตใจบังเกิดธทรรมบันดาลพาไปพบกับพระอาจารย์ใหญ่องคงเทพธีวาได้ประสิทธิ์ประสาทวิช า, าประทานเสร็จสอนจบครบตำราพระภิกษุหงก็เกิดปิติทั้งสัาธาตั้งจิตกราบครูบาแล้วก็เงยหน้าขอชมบา ร, รมีทันทีที่ลืมตารูปท่านอาจารย์ใหญ่ก็จางหายไปทันที สุดที่จะเสียดายเพราะไม่ได้กล่าวคำว่าขอบคุณแก่ท่านผู้กรุณาประสาทวิชาคัานล่องไพรพนากลางป่าใหญ่อาัศาจรรย์ใจเป็นนักหนาเห็นเด็กร่างดำใหญ่ดูศิลาอ่าก็ทักทายว่ามาแต่ใดกุมารเดินล้มหงายหลังแล้วตั้งตรงทดลองใหม่ถักล้มมาด้านหน้าทดลองถึงสองครั้งให้ระอาก็แสดงกายาสูงใหญ่ได้ห้าเมตร แสดงเสร็จให้เกิดศรัทธาแล้วก็สั่งสอนถึงวิธีการสร้างกุมารทองให้ถูกต้องตามตำรับฉบับครูครั้นทุดงผ่านเขาพนาพลยนานอยู่ได้เกือบขวบปีจากนั้นจึงทุดงแวะผ่านบ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านบ้านครูภาษาไทยก็คือบ้านครูณหมู่บ้านนี้เองที่ชาวบ้านต่างกล่าวขานคุณงามความดีในวีรกรรมหลายๆสิ่งที่ไม่อาจจะลืมเลือนได้จากหัวใจของทุกคน แม้ว่าหลวงปู่จะทุดงกลับประเทศไทยแล้วก็ตามจนขณะที่หลวงปู่มีอายุย่าง85ปีจึงได้เดินทางกลับไปเยี่ยมชาวกัมพูชาอีกครั้งเมื่อชาวบ้านทราบข่าวว่าหลวงปู่จะมาก็ดีใจครั้นหลวงปู่ไปถึงชาวบ้านเกือบพันคนต่างนอนความเรียงรายตั้งแต่ถนนจนถึงสลาแล้วอาราธนาให้หลวงปู่เดินเหยียบบนหลังของเขาเหล่านั้น หลวงปู่จะไม่เดินชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมกล่าวว่ายอมพร้อมปลีกายด้วยความเคารพ บ, บูชาหลวงปู่ขัดก็ไม่ได้ก็ยอมเดินบนหลังของเขาเหล่านั้นแม้แต่ผู้เฒ่าอายุราวร้อยกว่าปีเมื่อทราบข่าวหลวงปู่หงมาก็อุตส่าห์ลากไม้เท้าหลังอองงกงกเงิ่นเงื น, ง น, งนเดินทางมากราบบูชาผู้ติดตามหลวงปู่ทุกคนต่างแปลกใจและถามว่าทําไมถึงได้ศรัทธาหลวงปู่ขนาดนี้ ทุกคนต่างก็ถึงบังอ้อเพราะว่าพอเท่าเล่าให้ฟังหลานเอ้ยถ้าวันนั้นหลวงพ่อไม่ได้อยู่กับเราแล้วหมู่บ้านครูทั้งหมู่บ้านก็จะแตกกระจายปนปี่ไปแล้วเพราะมันเป็นเรื่องแปลกตาเองก็ไม่เคยเห็นว่าลูกระเบิดแต่ลูกปืนใหญ่ขนาดลูกแตงโมนี่มันตกลงมาบนหลังคาหญ้าแฝกแล้วแปลกที่มันไม่ทะลุลงมา อ่าไม่หล่นกลับวิ่งครุกๆุ ก, กไปตามทางราชชายคาพวกเราก็นึกว่าต้องตายแน่ๆถ้าลูกระเบิดตกกระทบกับพื้นดินเสร็จแล้วก็มีเสียงดังตุบปรากฏว่าลูกปืนจมดินไปเกือบครึ่งลูกแต่มันอัศจรรย์มากหลานเอ้ยมันไม่ระเบิดเท่านั้นแหละเม็ดกรวดเม็ดหินแม้แต่ดินใต้แคร่ไม้ไผ่นี่เขายังขุดไปลึกเป็นเม็ดเอาไปปั้นเป็นลูกอมตากแดดครั้นหลวงพ่อกลับประเทศไทยไปแล้ว แค่ตัวที่ท่านนั่งก็ยังไม่มีเหลือชาวาบ้านเขาจุดธูปเอามาพลีแบ่งกันจนหมดไม่เหลือหรอพร้อมกายกมือไหว้ทางหลวงปู่หงพวกตายและชาวบ้านรอดตายมาได้ทุกคนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เท่ากับหลวงพ่อท่านมาชุบชีวิตให้ใหม่ทีเดียวดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทาไมชาวบ้านเขาถึงพร้อมใจกันยอมนอนคว่ำให้หลวงปู่ท่านเดินบนหลังของเขา ชาวบ้านทุกคนเคารพรักหลวงปู่เหมือนจะเป็นเทพของพวกเขาทีเดียวเพราะไม่ใช่ว่าหลวงปู่จะป้องกันภัยให้พวกเขาได้อย่างเดียวแต่หลวงปู่ได้แผ่เมตตาปล่อยสัตว์ขุดบอ่อขุดสะสร้างฝายน้ำล้นปลูกป่าปล่อยช้างอัวว้ายเต่างูตะขาบสัตว์ทุกชนิดและสั่งห้ามไม่ให้ชาวบ้านทาลายป่าไม้โดยอบรมสั่งสอนให้เห็นคุณและโทษของการไม่มีป่าไม้ไม่มีน้า จะเกิดความเดือดร้อนนานาประการพร้อมทั้งสอนให้ชาว บ, บ้านทุกคนถือศีลห้าห้ามดื่มเหล้าเมายาแล้วครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ท่านจะคุ้มครองทุกคนก็เคารพศรัทธาในหลวงปู่ได้ประพฤติปฏิบัติตามก็เลยมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขหลวงปู่หงษ์ท่านเป็นพระธุดงถือสันโดษโปรสัตว์จึงไม่ติดอยู่กับที่หรือว่าอมิสราบก็เลยลาญาติโยมเพื่อจะเรกสแสวงบุญต่อเรื่อยมา หลวงปู่หงทุดงจาริแสวงบุญเรื่อยมาอย่างเมืองพระตะ บ, บองขณะนั้นชาวเมืองเกิดความเดือดร้อนข้าวยากหมากแพงเกิดขโมยขจนุนชุกชุมแต่ยังมีกลุ่มโจนซึ่งมีหัวหน้าเป็นผู้หญิงมีลูกน้องห้าสิบกว่าคนมีนามว่ามะลิมะลินี่เป็นชื่อของสาวใหญ่ชาวขมิ้นถือกำเนิดที่เมืองพระตะ บ, บองในยุคนั้นแล้วต้องถือว่ามะลิเป็นสาวที่มีความงดงามมาก ความงามสมัยนั้นจะต้องมีผิวดำเป็นมันผมดำเงามีความงามสงา่าแขวงไปด้วยตบะบารมีประดุษนางพญาเพราะนางและมีสมุนพลพักบริวารประมาณห้าสิบคนทั้งนางและสมุนบริวาร น, นั้นล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ทางราชการของกัมพูชาต้องการตัวมากที่สุดเพราะมาลิและบริวารมีอาชีพในการจี้ปล้นแต่ก็เป็นโจรที่มีคุณธรรมเพราะว่าข้าวของที่ได้มาจากการปล้นนั้น นางได้แบ่งปันแล้วก็นำไปแจกจ่ายแบ่งต่อคนยากคนจนด้วยซึ่งการจี้ปล้นแต่ละครั้งจะปล้นจากคนรวยมาแบ่งคนจนหรือการจี้ปล้นแต่ละครั้งนั้นจะกระทำก็ต่อเมื่อพักพวกอดอยากไม่มีจะกินแล้วจึงทาการปล้นในการนำลูกสมุนออกปล้นแต่ละครั้งนางมาลิจะทำพิธีเบิกทางโจรด้วยวิชาัยยศาสตร์ โดยการตั้งขันทำน้ำมนต์เสร็จแล้วก็นำน้ำมน์นี้แจกจ่ายแก่พวกสมุนให้ดื่มกินกันจนครบจึงได้ออกทำการปล้นจนเป็นที่หวาดหวัน่นสะพึงกลัวต่อผู้มีฐานะร่ำรวยเดือดร้อนไปตามๆกันจึงได้นำความนี้ขึ้นร้องเรียนแจ้งต่อกฎหมายบ้านเมืองแต่ก็ไม่ได้รับผลสำเร็จแต่ประการใดเพราะว่ายามใดที่ทางราชาการออกวาดล้างไล่จับก็ไม่สามารถจะจับได้หรือว่าติดตามได้ทัน ขนาดประชิดตัวเห็นอยู่หลัดหลัดจับได้ก็ดิ้นหลุดหายตัวมองไม่เห็นต่อหน้าต่อตาอย่างหาสาเหตุไม่พบขนาดตำรวจรู้รังหรือว่าแหล่งที่อยู่ล้อมรอบไปแล้วก็ยังไม่อาจจะทําอะไรต่อสมุนของนางได้เมื่อตำรวจล้อมบ้านยามใดสมุนทุกคนต่างก็กระโดดลงอ่างน้ำมนตหายไปต่อหน้าต่อตาเช่นเดียวกันโดยที่บ้านเมืองนั้นต้องพบกับความผิดหวังร่ำไป และเมื่อทุกคนต่างทราบกิติศัพท์ของหลวงปู่หงพรมปัญโยว่าเป็นพระทุดงขวัตประพฤติดีปฏิบัติดีมีศัพพวิชาเรืองด้วยวิทยาอาคมอันแก่กล้าต่างก็นำความมากราบเล่าสู่หลวงปู่หงและขอความเมตตาช่วยเหลือปราบนางพญาโจรและพักพวกโดยเถิดหลวงปู่ก็ได้เมตตาสัตว์ที่ยากไร้อาหารที่พึ่งไม่ได้จึงได้ดาเนินเดินทางมาถึงบ้านของนางมะลิ แล้วก็นั่งภาวนาแผ่เมตตาบา ร, รมีอยู่หนบนบ้านของนางพญาโจรจนครบค่ำนางพญาโจรก็กลับมาถึงบ้านหลวงปู่กล่าวว่านางมะลิมาแล้วแต่ทุกคนก็ไม่อาจมองเห็นนางได้เลยแต่มะลินั้นไม่อาจที่จะรอดพ้นจากสายตาหลวงปู่หงผู้ทรงฌานแห่งทิพยาจากักรสุเดเจโตปริยญาณยาไปได้ว่านางนั้นต้องการอะไรแล้วก็จะประพฤติ ปฏิบัติเหตุการณ์อะไรต่อไปเป็นลําดับด้วยยานของอนาคตังสยานทั้งที่นางมาลิพยายามก้าวขาขึ้นบันไดด้วยวิธีใดๆก็ตามก็ไม่อาจจะขึ้นบันไดบ้านตัวเองได้จนหลวงปู่ได้กล่าวขึ้นว่าอา้าวขึ้นมาบนเรือนดินางถึงได้ขึ้นมาบนเรือนได้ทุกคนได้ยินเสียงเท้าคนเดินไปเดินมาแต่ก็ไม่อาจที่จะมองเห็นนางมาลิได้อยู่ดีนั่นเองจนหลวงปู่บอกว่านั่งลงสิ พร้อมกันนั้นหลวงปู่ได้ทําการถอนเวทมนต์ทั้งปวงทุกคนจึงได้เห็นว่านางมะลินั่งอยู่หน้าหลวงปู่ทันใดานางก็ชักปืนออกมาจากเอวหมายจะสังหารพระภิกษุรูปนี้เสียแต่นางก็ไม่ได้มีความไวเกินจากชานอันหยั่งรู้ของหลวงปู่ได้หลวงปู่ตบที่หัวเข่าของท่านแล้วบอกว่าติดเป็นที่แปลกนางมะลิมือติดอยู่ที่ปืนก็ไม่สามารถจะชักปืนออกมาจากเอวได้ สักครู่ต่อมาหลวงปู่ก็ถามว่ายอมเลยหรือยังถ้ายอมแพ้ให้กราบซะนางมาลิยอมแพ้และได้ก้มกราบแต่โดยดีแล้วก็นําปืนวางไว้ข้างหน้าสักครู่นางก็นึกว่าหลวงปู่ตายใจแล้วว่ายอมแพ้พอหลวงปูเ่เผลอด้วยสัญชาตญาณของนางพญาโจร น, นางก็ยื่นมือเตรียมหยิบปืนหมาจะสังหารหลวงปู่ให้สิ้นจงได้แต่ก็ไม่สามารถจะหลุดเลยจากญาณหลวงปู่ไปได้ หลวงปู่ก็ตอบหัวข่าวของท่านอีกครั้นแล้วก็บอกติดด้วยสัจจะวาจาและตบะบรารมีนางพญาโจรจะเอื้อมมือหยิบปืนยังไงก็ไม่สามารถหยิบได้เลย ท, ทั้งที่ปืนนั้นอยู่ข้างหน้านางห่างไม่ถึงศอกจากนั้นหลวงปู่หงก็กล่าวอบรมให้สติด้วยหลักแห่งศีลและเมตตาธรรมจนนางเกิดความละอายเกรงกลัวต่อบาปบังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ถวายตัวเป็นอุบาสิกาและขอสมาทานศีลแปดประพฤติดีปฏิบัติชอบจนถึงทุกวันนี้ณนะประเทศกัมพูชาซึ่งหลวงปู่ก็นับถือน้ำใจของนางมาลิทั้งต่างให้ความนับถือกันเป็นพี่น้องบุญธรรมร่วมชาตินี้ด้วยส่วนพักพวกสมุนบริวารต่างก็กลับตัวกลับใจหันมาประกอบสัมมาอาชีพประพฤติตัวถูกต้องตามกฎหมายเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองสืบไป หลวงปู่หงได้ทุ ด, ดงดานด้นมาถึงเขตตินแดนติดต่อระหว่างกัมพูชากับเวียดนามซึ่งขณะนั้นลทัทธิคอมมิวนิสต์กำลังเผยแพร่มีอิทธิพลต่อทวีปเอเชียอคาคเนย์เป็นอย่างมากได้มีหลายประเทศเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นลทัทธิดังกล่าวในจำนวนนี้ประเทศเวียดนามหรือที่เรียกกันว่าพวกเวียดกงก็เปลี่ยนระบบการปกครองไปแล้วระบบการปกครองลทัทธินี้สอนให้ไม่มีศาสนา มีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเทวดาหรือว่าวิญญาณทั้งหลายจึงได้ขวาดล้างลัทธิของทุกศาสนาให้หมดไปโดยสิ้นเชิงดังนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องศึกไปบ้างหนีออกนอกประเทศไปบ้างมิฉะนั้นจะถูกทำลายล้างเข็นฆ่าให้ตายให้หมดขณะที่หลวงปู่หงทุดองมาถึงนักเขตชายแดนประเทศกัมพูชากับประเทศเวียดนาม ท่นใดนั้นทหารเวียดกงก็แห่กันมาประมาณห้าสิบคนล้อมรอบกรดของหลวงปู่หงเพื่อจะจับนำตัวไปฆ่าแต่เมื่อเปิดผ้าคลุมมุ้งกรดดูก็เห็นแต่กรดว่างเปล่าคงมีแต่กา Nam ใส่น้ำตั้งอยู่กับบาทแล้วก็ถุงย่ามเท่านั้นแต่องค์หลวงปู่นั้นได้หายไปแล้วจึงทำให้นึกย้อนเหตุการณ์สมัยหลวงปู่หงผจญกับนางพญาโจรที่พาลูกสมุนโดดลงขันน้ำกลางบ้านหายไปกันหมด แต่ได้กราบเรียนถามท่านแล้วว่าหลวงปู่ใช้วิชานอวิชานี้หรือเปล่าหลวงปู่ท่านกล่าวตอบว่าทําไม่ได้หรอกเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ที่จะช่วยให้ศัตรูเห็นก็ได้หรือไม่เห็นก็ได้เป็นเรื่องที่บอกว่าหลวงปู่บอกว่าปู่ทําไม่เป็นหรอกซึ่งในการนี้ทหารเวียดกงจะค้นหาอย่างไรก็หาไม่เจออ่าไม่พบหลวงปู่หง ผลสุดท้ายท่านเมตตาแล้วก็สงสารพวกทหารเวชกองก็ปรากฏกายยอมให้ทหารเวทกองจับตัวไปโดยคิดตรงเสียว่าถ้าอดีตเคยเป็นศัตรูกันมาก็ดีเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรจะนําไปฆ่าแกงยังไงก็เชิญจับไปให้ถือว่าใช้เวรใช้กรรมกันเป็นชาติสุดท้ายจะได้เป็นอันตัดขาดหมดเวรหมดกรรมกันไปแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาก่อนแล้วแล้วก็อ่าขอให้คุณพระ สีรัตนตรัยรักษาครูบาอาจารย์รักษาคุ้มครองอย่าให้เป็นอันตรายแต่ประการใดเลยท่านใดที่หลวงปู่ปรากฏกายออกมาจากกรดนั้นทหารเวทโกงต่างตกใจขวันหนีดีฟอจึงได้นำปืนเ1็ประทับบ่าแล้วยิงถล่มสู่เป้าหมายเป้าหมายก็คือองค์หลวงปู่หงหลวงปู่ได้แต่ยืนเฉยไม่ได้สะทกสะทานหรือหวาดกลัวเสียงลูกปืนแต่ประการใดไม่ เพาะลูกปืนนั้นได้ตกลงกองอยู่หน้าด้านปลายเท้าของหลวงปู่นั่นเองห่างจากปลายเท้าประมาณหนึ่งวาระกระบอกปืนก็ยิงจนปากกระบอกแดงบางกระบอกลูกปืนไหลออกมาจากปากกระบอกเองซึ่งตามตำราท่านเรียกว่าปืนแตกน้ําคือลูกกระสุนจะด้านหรือหมดสภาพประดุดลูกปืนหรือว่าดินประสิวนั่นแช่อยู่ในน้ําเวลายิงจึงด้านและไหลออกมาเหมือนจะไหลมากับน้ําเขาก็เรียกว่าปืนแตกน้ํา ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของวิชาคงกระพันของท่านเมื่อทหารเวชยดกงจะฆ่าอย่างไรอย่างไรก็ไม่อาจฆ่าได้ทุกคนต่างก็จนใจผลสุดท้ายก็เข้ารุมจับหลวงปู่แล้วนํามาใส่กรงเหล็กนําเดินทางมาถึงท่าเรือจากนั้นก็ยกโรงเหล็กใส่เรือตังเกอออกสู่กลางทะเลสักครู่ต่อมาเวียดกงก็นําเชือกผูกโครงเหล็กแล้วยกโรงเหล็กถ่วงทะเลประมาณสิบนาทีต่อมาจึงได้สาวเชือกดึงโครงเหล็กขึ้นมา และทุกคนก็ต้องตกใจอย่างที่สุดเพรพาะพระภิกษุที่อยู่ในกรงเหล็กนั้นนั่งสมาธิเฉยไม่ได้สะทกสะทานตกใจกลัวต่อภยัยใดๆไม่แถมจีวรที่นุ่งห่มอยู่นั้นก็ไม่เปียกน้ําทะเลแต่ประการใดซึ่งการนี้ได้กราบเรียนหลวงปู่ว่าทําไมจีวรของหลวงปู่ถึงไม่เปียกน้ําหลวงปู่ท่านก็ตอบบอกว่าโอ้ศีลคุ้มคนเราถ้ามีศีลมั่นถือมั่นในปฏิปทาแห่งคุณพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์แล้ว เชี่ยว่าตกน้ำก็ไม่หลตกไฟก็ไม่ไประกอบกับการที่เรามีเมตตาอธิษฐานแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ก็ยังไม่สะใจพวกทหารเวทกงอยู่นั่นแหละเพราะว่าเขากลับมีคําสั่งให้เรือหาปลานั้นแล่นต่อไปอีกไกลแสนไกลจนเห็นแค่ขอบว่าจดผิวน้ำเท่านั้นจากนั้นก็นำกรงเหล็กหย่อนลงมาหาสมุทรอยู่นานประมาณสิบนาทีก็สาวเชื่อขึ้นมา ทหารเวียกงก็ต้องช็อกอีกเพราะว่าปรากฏว่าหลวงปู่ยังคงนั่งสมาธิเฉยดูดเดิมอยู่ในกรงเหล็กทําให้พวกทหารเวชยดกงน้ําหมดความสามารถที่จะประหารเข็นฆ่าพระภิกษุรูปนี้ได้จึงได้สั่งคนอ่าคนเรือหันหัวเรือกลับสู่ฝั่งของเมืองมีผู้กราบเรียนถามหลวงปู่ว่าเออหลวงปู่ทราบได้ยังไงครับว่าเป็นมหาสมุทรไม่ใช่ทะเล หลวงปู่ก็เมตตาต่อคอน้ําในมหาสมุทรนั้นจะเย็นมากกว่าน้ําในทะเลมากในที่สุดเรือหาปลาก็แล่นเข้าหาฝั่งอีกครั้งหนึ่งแต่ทหารเวชกองนั้นก็มาได้ละความพยายามแต่ประการใดต่างก็ช่วยกันยกโรงเหล็กลงแล้วก็รุมกระชากอง์หลวงปู่หงออกมาจากโรงเหล็กอีกสี่คนช่วยกันจับแขนทั้งสองขาทั้งสองอยู่ในลักษณะนอนควา่าจากนั้นก็นําเข้าสู่ปากจระเข้ใหญ่ซึ่งกําลังนอนหลับอ้าปากอยู่ สุดท้ายทหารเวียดกงก็ยอมแพ้ในอิทธิบุญบารามีของหลวงปู่จึงได้นำองค์หลวงปู่หงออกจากจรเข้ใหญ่พร้อมทั้งกราบถวายตัวเป็นศิษย์สืบมาหลวงปู่หงได้เดินทุดงจากเวียดนามสู่ประเทศกรัรมพูชาอีกครั้งหนึ่งขณะรุกขมูลอยู่กลางป่าใหญ่นั้นจึงเต็มไปด้วยสัตว์สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่น า, นานาพันทั้งช้างมาเสือกวางกระต่ายงู ที่น่าแปลกก็คือยามใดที่หลวงปู่ปักหลดพักแรมเวลาค่ําคืนน้นที่ไหนก็ดีมักจะมีช้างควางกระต่ายงูมาเป็นเพื่อนล้อมอยู่โดยรอบซึ่งหลวงปู่หงจะมีความสุขมากยามที่เงียบสงบและได้พบกับสัตว์ป่า น, านานานชนิดมารวมกันอยู่ข้างตัวท่านก็เรียกว่าเพื่อนของเราจนเวลารุ่งอรุณหลวงปู่หงจะบอกแกสัตว์ทั้งหลายว่าให้กลับเข้าป่าไปเดี๋ยวพวกคนป่าหรือว่านายพรานมาพบเข้าเขาจะทำร้ายเอา ให้รีบกลับเข้าป่าไปอ่าไปอย่างเป็นระเบียบแต่หน่าสงสารยังมีควางท้องแก่ตัวหนึ่งท้องแก่มากเดินไม่ค่อยไหวเพราะต้องอุ้มท้องเดินต้วมเตียมต้วมเตียมอุ้ยอ้ายอยู่หลังสุดสักครู่ก็มีพรานป่าออกมาจากริมป่าพร้อมด้วยอาวุธปืนประทับบ่าเตรียมที่จะจ้องสู่เป้าหมายก็คือควางแม่ลูกอ่อนแต่ในยามนั้นได้รู้ล่วงสู่ฌานสมาบัติของหลวงปู่หงจึงได้แผ่บรารมีทำคุ้มครองป้องกัน ทั้งได้กล่าวด้วยเมตตาธรรมแห่งสัจจะวาจาว่าอย่ายิงควางแม่ลูกอ่อนนะถ้ายิงเดี๋ยวปืนมันจะแตกแต่ด้วยความไร้เมตตาและขาดคุณธรรมของนายพรานแถมยังดื้อดันไม่ยอมเชื่อฟังคำห้ามปรามของพระภิกษสุสงฆ์ซึ่งขออภัยทานในชีวิตของสัตว์จึงได้ยกปืนยาวขึ้นประทับบ่าแล้วก็ลั่นกปืนขึ้นทันทีทันใดนั้นเองปากกระบอกปืนของนายพรานดื้อก็ลั่นเสียงดังเปรี้ย แต่เป็นเพียงให้หลับจำไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ประการใดด้วยความกลัวและตกใจพรานป่าใจบาปก็ยอมลดปืนลงเบื้องหน้าพร้อมกับก้มกราบขอขมาหลวงปู่ว่าจะไม่ประพฤติธรมเช่นนี้อีกหลวงปู่ก็ให้ อ, อวหะตักเตือนด้วยความเมตตาแล้วก็ให้พรจากนั้นพรานป่าจะได้ลากลับสู่ครอบครัวของตน คุณหมอชัดชัยด่านสุนทรในแพทย์ประจําโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้หยิบพระพิเนตปางอ้อมจกอาาักรวันเนื้อชานหมากกับพระพิม์ขุนแผนนชัยวรมันให้ชมพร้อมกับกล่าวว่าออแปลกนะพระเนื้อชานหมากทั้งสองเนี่ยมีเม็ดพระาธาตุผุดเรียงเต็มไปหมดบางองค์ก็มากบางองค์ก็น้อยแต่ส่วนใหญ่ที่พิจารณาแล้วพระพิมขุนแผนชัยวรมันจะมีเม็ดพระาธาตุขึ้นมากกว่า จึงได้พิจารณากันว่าพระธาตุที่ผุดขึ้นมามีสีขาวทราบภายหลังว่าการผสมผงสร้างพระชุดนี้ได้นําผงพระธาตุสีวลีซึ่งหล่นอยู่ก้นโหลกแก้วเมื่อครั้งที่คุณประดิษฐุประเสริฐทายาทศิทธิสายหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวจังหวัดฉะเชิงเาวนํามาถวายหลวงปู่จึงได้นําผงพระธาตุสีวลีผสมกับผงของพระพิมพ์ขุนแผ่นชัยวรมันประการที่สองเล็บของหลวงปู่นั้น งอกยาวได้ใสบ้างเป็นเม็ดใสก็มีประการที่สามอันว่าธาตุขันภายในกายเขาลงปู่เช่นเกษาเล็บน้ำลายผสมอยู่กับชานหมาก ang, มามามมาก็ตามเหล่านี้ละมังที่มาประชุมธาตุจนทําให้พระพิมพ์ขุนแผนชัยวรมันกับพระพิมพ์พระพิกเนตเนื้อผงชานหมากเหล่านี้ปรากฏเป็นธาตุขึ้นมาหรือแม้แต่พระผงรุ่นแรกพิมพ์นิยมพิมพ์ไกเสือก็ดีพระพิมพ์สมเด็จพระประธานก็ดีรุ่นฉลองชัยที่กดพิมพ์ ด้วยมือล้วนกรรมวิธีการสร้างแบบโบราณคือกดด้วยมือตัดขอบด้วยผิวไผ่หรือว่ามีดพึงลมตามธรรมชาติเพื่อจะนำมาสักการะบูชาก็ปรากฏว่า ง, งอกได้ปูได้มีเม็ดรพระธาตุงอกขึ้นเต็มทั้งองค์เช่นเดียวกันหลวงปู่หงท่านกล่าวว่าเราตั้งใจทำให้จริงๆแล้วก็ทำให้อย่างดีด้วยเพราะว่าคณะสิทธิ์เขตั้งใจทาเพื่อฉลองอายุครูบาอาจารย์ รูบาอาจารย์ก็ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนน้ำใจก็มีแต่ศีลปฏิบัติภาวนาแล้วก็น้ำใจที่เป็นบุญเป็นกุศลสะสมมาแต่การก่อนอธิษฐานขอช่วยลูกศิษย์ให้ได้ดีทุกคนแต่ขออย่างเดียวอย่าดื่มเหล้าหรือว่าผิดลูกเมียคนอื่นเขาอะไรก็ทำไม่ได้นะสำหรับเรื่องนี้ทำไม่นึกถึงคุณหมอชัดชยัยหมอดีฝีมือเยี่ยมแห่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์จได้ว่าวันที่คุณหมอชัดชัยได้ไปกราบหลวงปู่ ได้นำครอบน้ำมนตถวายหลวงปู่และหลวงปู่ก็ประสิทธิ์พร้อมกับขอน้ำมนของหลวงปู่เติมไว้เป็นประถมหลวงปู่เมตตาตักให้พร้อมกับกล่าวว่าให้น้ำน้ำธรรมดามาเติมใช้ได้ดีร้อยแปดประการท่านกลับมาบ้านคุณหมอก็นึกถึงหลวงปู่ดูว่าสแกว่าเวลาท่านสร้างพระมักจะนำพระแค่น้ำมน 1-2 หนึ่งถึงสองวันนำขึ้นมาพึ่งก็บังเกิดมีพระาธาตุผุดขึ้น เอถ้าหลวงปู่ของเราก็น่าจะทำได้เช่นเดียวกันเพราะบารมีธรรมจริยะปฏิปทาจึงทำให้เกสาที่บูชายังเป็นแก้วเป็นธาตุได้ครั้นเวลากลางคืนก็ฝันถึงหลวงปู่มาบอกว่าให้นำพระขุนแผนชัยวรมันแช่น้ำมนซึ่งประเดี๋ยก็เห็นเองคุณหมอชะชัยสะดุ้งตื่นแต่มีความรู้สึกว่าหลวงปู่มาพูดอย่างนั้นก็ได้อาราธนาพระขุนแผนชัยวรมัน อ, องละร้อยบาทนี่แช่น้ำมนประมาณหนึ่งถึงสองวันแล้วก็นำมาผึ่งวางไว้พอเวลาค่ำก็ได้พบเห็นว่าพระพิมพ์ขุนแผนชัยวรมันเกิดมีท่าใสาขึ้นจึงปลื้มปิติยินดีอย่างที่สุดเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าพระที่ชอบอยู่กับงูพระที่ชอบปล่อยงูพระที่มีงูเป็นทหารในยุคนี้หมายถึงพระภิกษุรูปใดหนึ่งเดียวในสยามแห่งอีสานใต้ที่กระทาการดังกล่าวนี้อ่า ทำไม่งูเชื่องสุดๆประดุดประไหลเพราะว่าหลวงปู่ท่านเป็นพระผู้มากด้วยเมตตาจิตต่อสัตว์ป่าแผ่บารมีธรรมสู่สัตว์โลกแม้แต่งูกับหนูก็อยู่ใต้โพรงหินได้โดยกันโดยไม่กัดกันไม่กินกันหรือว่างูอยู่กับกบในสระน้ำไม่ทำร้ายกันเป็นต้นสร้างความชงนแก่ผู้พบเห็นนักยังมีเหตุการณ์หนึ่งที่เคยได้ยินชื่อเสียงของหลวงปู่ใหม่ โดยได้ยินบุคคล ต, ต่างๆทั่วไปกล่าวขานกันว่าหลวงปู่องค์นี้อยู่กับงูชอบปล่อยสัตว์นาน า, นานชนิดจึงสนใจใคร่ติดตามไปจนถึงสำนักของหลวงปู่หงแล้วก็ต้องหายสงสัยหมดสิน้ขนขณะนั้นเวลาประมาณหกโมงเช้าหลวงปู่นั่งออกรับญาติโยมสักครู่ต่อมาก็ได้มีกระรอกขาวตัวหนึ่งไต่าสายไฟจากป่ามายังที่หลวงปู่นั่งรับแขกโดยไม่ได้เกรงกลัวบุคคลที่นั่งเต็มไปหมด โดยวิ่งโดยเท้าทั้งสี่แล้วก็มาหยุดอยู่ข้างหน้าหลวงปู่ทันใดนั้นกระรอกก็ยกขาคู่หน้าชูขึ้นคล้ายกับทาความเคารพพลางส่งเสียงร้องจี้จิกจิกแล้วก็วิ่งมาทางด้านขวาของหลวงปู่หงที่มีจานอางุ่นตั้งอยู่เจ้ากระรอกก็วิ่งรอบจานอางุ่นก็วิ่งกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นโดยไม่กล้าถือวิสาสะกินจนกระทั่งหลวงปู่ได้ยินเสียงคุกๆุก อ่าจึงได้หันมาทางจานอางุ่นด้วยอากาศกิริยาอมยิม้มแล้วก็พยักหน้าแล้วก็บอกว่าเอาสิเอาสิเสท่านั้นแหละเจ้ากระรอกก็ตรงเขากัดกินองุ่นในจานนั้นจากนั้นหลวงปู่ก็หันหน้ากลับมาทางญาติโยมแล้วก็บอกว่าเขากินไม่มากรอกลูกสองลูกประเดี๋ยวก็ไปแล้วก็เป็นไปตามคำพูดของหลวงปู่เพราะเจ้ากระรอกเขากินเพียงสองเม็ดจริงๆแล้วคลานออกไป แต่ที่แปลกประทับใจทุกคนที่ได้พบเห็นก็คือก่อนที่เจ้ากระรอกจะไปได้คลานสี่เท้าเข้ามาพอถึงด้านหน้าหลวงปู่ก็ยกเท้าคู่หน้าชูคล้ายๆพนมมือแล้วก็ส่งเสียงร้องจี้กิกๆแล้วก็หันหลังวิ่งตต่สายไฟกลับไปสู่ป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยสิ่งเหล่านี้คืออะไรทาไมสัตว์ป่าจึงต้องทำความเคารพทั้งมาแล้วก็ไปทุกคนต่างนึกคิดต่างชงนมึนงงไปตามๆกัน แต่สุดท้ายที่ทุกคนสรุปก็คือหลวงปู่องค์นี้ไม่ใช่พระธรรมดาแน่แม้แต่สัตว์ป่ายังทำความเคารพแล้วทำไมเราเป็นคนไม่ลองศึกษาจริยาวัดข้อธรรมและปฏิปทาของท่านทั้นเดินลงมายังข้างสลาก็ต้องผงะหงายเพราะได้เจอกับอสรพิษนามว่าแสงอาทิตย์งูแสงอาทิตย์นี่นอนกลิ้งหงายไปมาประดุดว่ามีแต่เขาเพียงคนเดียวอยู่ในโลกนี้เห็นแล้วน่ารักดี ดูแลเหมือนลูกสุนัขที่กลิ้งหงายไปหง า, ายมายามต้องแสงอาทิตย์อย่างนั้นอ่หลวงปู่หงท่านชอบปล่อยงูตะขาบแมงป่องก่อนจะปล่อยหลวงปู่จะเสกเป่าให้มันก่อนแล้วจึงปล่อยสัตว์ทั้งหลายไปเพื่อให้เขาเชื่องไม่ทําร้ายคนเป่าเพื่อเป็นเกราะกําบังคุ้มครองสัตว์นั้นๆเป่าเพื่ออธิษฐานให้สัตว์เหล่านั้นเมื่อละโลกนี้ไปแล้วขอให้เกิดเป็นคนอย่าได้เป็นสัตว์ต้องทุกข์ทรมาน เหล่านี้คือน้ำจิตน้ำใจอันเยือกเยน็นแผ่ไพสานไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายของโลกให้อยู่กันอย่างร่มเยน็นเป็นสุขและเลิกจากความเบียดเบียนซึ่งกันและกันและสิ่งนั้นก็ยอมทำให้เป็นสุขหลวงปู่หงได้เมตตาให้กัน้นรวดหนามเพื่อป้องกันสัตว์ลงไปเล่น เป็นที่น่ายินดีที่ทำงานเสร็จภายในหนึ่งวันด้วยการใช้กำลังแรงงานเพียงแปดสิบคนซึ่งรวมระยะเวลาร้อมประมาณเจ็ดไร่ขอกวา่าหลวงปู่กล่าวว่าปลื้มใจที่ทุกคนตั้งใจร่วมใจกันทำงานอย่างขมิขมันมีความรับผิดชอบใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทำหน้าที่ของตนให้สําลิจผลได้ในกิจการนั้ น, น, นงานสิ่งใดก็ตามเรามีความตั้งมั่นมีความโ ม, มนะมีความขยันหมั่นเพียร รู้จักอดออมเก็บความรู้สึกไว้ให้ใ ห, ใ, หให้ได้ผู้นั้นก็จะย่อมประสบผลสำเร็จในกิจการนั้นนั้นแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็ที่สำคัญก็คือจิตมีความไวมากในการสัมผัสรับรู้หากเราไม่รู้เท่าทันตัวจิตนี้แล้วเราก็ต้องตกเป็นเหยื่อของสิ่งภายนอกที่เข้ามากระทบทุกเรื่องไปและถ้ายิ่งมีการประทะโต้อตอบกันไปมาไม่รู้จักคมใจตนเองสิ่งที่จะตามมาคือความเสียหาย ดังนั้นขอให้ลูกหลานรู้จักอดออมข่มใจตนเองใครเขาจะว่าอย่างไรก็ขอให้นิ่งเฉยเสียเขาว่ามาเนะ่ยไม่ได้เจ็บปวดแต่ประการใดถ้าจิตใจของเราไม่ไปปรุงแต่งในคำพูดของเขานั้นๆว่าเจ็บปวดทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ทุกคนดูตัวเองดูใจตัวเองว่าตัวเราเองตำหนิใจตัวเองจนหาคำว่าตัวเราเองไม่ได้แล้วว่าไม่ดีจึงค่อยว่าผู้อื่นเขา ขอให้ระลึกถึงว่าคนเราทุกวันนี้มักมีอายุไม่ค่อยยืนยาวอยู่กันไปไม่ถึงร้อยปีก็ต้องจากกันไปทุกคนนี่คือความจริงแท้แน่นอนทุกคนที่ได้สดับจับฟังต่างก็ปิติยินดีที่หลวงปู่ได้เมตตาแนะนํากระแสธรรมเพราะคนเราทุกวันนี้ลืมไปแล้วว่าเกิดแล้วไม่ตายจึงต่างขวนขวายชิงดีจิงเด่นเอารัดเอาเปรียบมันสารพัด ขาดความข่มใจไม่รู้จักการให้อภัยขาดความเมตตาต่อกันโลกเราทุกวันนี้จึงมีความร้อนระอุเร่าร้อนกระดก่อนในการสร้างความดีก็คงต้องช่วยกันเรียกร้องให้ทุกคนรู้จักการให้อภัยมีเมตตาต่อกันละกันแล้วก็สร้างสารรค์แต่สิ่งที่ดีงามเชื่อว่าโลกนี้จะต้องสวยงามน่าอยู่สืบไปนอกจากนี้หลวงปู่หงยังเป็นครูบาอาจารย์ที่คอยพูดให้เห็น กระทำให้รู้เป็นตัวอย่า ง, ท, งทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติด้วยจิตปรมัดตั้งมั่นให้ลูกหลานทุกคนสร้างความดีหนีความชั่วด้วยการตั้งกองทัพศีห้าตอนนี้หลวงปู่หงกําลังเปิดรับสมัครกองพลทหารศรีห้าหลักกติกาไม่มีอะไรมากไม่จำกัดเพศและวยัยใบสมัครไม่ต้องใช้สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือกายวาจาและใจด้วยการกรองข้อมูลทางวาจาสู่ใจ ว่าขบพระเจ้าจะรักษาศีลห้าปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปู่อย่างเคร่งครัดเท่านี้ก็เป็นการบันทึกข้อมูลแล้วและหลวงปู่ท่านก็รับเป็นลูกศิษย์ผลที่จะได้รับคือบุญกุศลความดีที่ติดตามไปยามมีเหตุขับขันให้ภาวนาณนเมตติหลวงปู่และครูบาอาจารย์ของท่านจะลงมาช่วยคุ้มครองเองนึกคิดประสงค์สิ่งใดก็จะสมใจปรารถนาทุกประการ หลวงปู่มักจะกล่าวเสมอๆว่าเทวดาครูบาอาจารย์เขาช่วยคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ประสบะการณ์ต่างแดนหลวงปูค่คุ้มครองลูกศิษย์ณประเทศเยอรมันได้อย่างไรคงจะเป็นผลพวงจากการที่คุณสุพิชาคงทองสมัครเข้าเป็นกองกําลังพลกองทัพศรีห้าของหลวงปู่กระมังและโดยลําพังแล้วคุณสุพิชาคงทองเป็นสตรีผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือบุคคลอื่นๆแล้วก็มี มีนิสัยเฉพาะตัวอีกอย่างหนึ่งเป็นคนชอบพูดคุยใจคิดยังไงปากก็พูดไปตามที่คิดแล้วก็เมื่อต้นปีได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศเยอรมันซึ่งมีคนไทยเป็นเจ้าของกิจการก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนทั่วไปเมื่อเป็นคนมาใหม่ก็ยอมถูกลองของหรือว่ากลั่นแกล้งจับผิดจากเพื่อร่วมงานพูดง่ายๆก็เหมือนหัวเดียวกระเทียมรีบตนจึงต้องเป็นที่พึ่งแห่งตน แต่ได้ความเป็นคนช่างพูดเห็นสิ่งใดไม่ถูกต้องก็จะพูดกล่าวไปครั้นเวลาพบค่ําจะต้องสวดมนต์ไหว้พระระลึกถึงหลวงปู่ทุกวันฝันเห็นหลวงปู่สามวันติดติดกันในคืนวันที่สี่ได้เกิดเหตุการณ์แปลกกว่าทุกวันเพราะว่าหลวงปู่ได้นํากรรมยากามาปิดปากคุณสุพิชารุ่งเช้าคุณสุพิชาก็โทรเล่าเรื่องให้ฟังพร้อมมากล่าวว่าทำไมหลวงปู่ถึงได้กรรมยากาสําหรับพรมน้ำมนต์มาปิดปากหนูอ่า ท่านจะไม่ให้หนูพูดหรืออย่างไรเป็นที่แน่นอนถูกต้องตามที่คุณสุพิชาเข้าใจว่าหลวงปู่ท่านไม่ต้องการให้พูดเพราะเราเป็นคนใหม่อยู่คนเดียวกับอีกฝ่ายนึงเขารวมมันเป็นหมวดหมู่อย่างไรก็ตามไม้่สิจะไปงัดไม้สูงมันย่อมไม่เป็นผลจะเห็นได้ว่าหลวงปู่นั้นท่านไปได้ทุกประเทศเอเชียยุโรปตะวันออกกลางเยอรมัน ขอเพียงให้ลูกศิษย์เป็นคนดีมีศีลปรูบาอาจารย์ท่านจะคุ้มไปอยู่เมืองไหนประเทศไหนหลวงปู่หงก็ตามไปคุ้มครองได้เหตุการณ์อันนาแปลกประหลาดเกิดขึ้นกับคุณสุเมศซึ่งถูกรอบยิงแสกหน้าแบบเผาขนขณะเดินทางไปตลาดถูกคู่อริที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนนำปืนลูกโม่จ่อยิงเผาขนจนหมดโม่แต่กระสุนไม่ได้ออกจากกระบอกปืนและยังแตกขาปากกระบอกปืนอีกด้วยจากนั้นผู้ร้ายก็วิ่งหนีไป ประชาชนที่อยู่และแวกนั้นต่างตรงรี่เข้ามาขอดูว่าคุณแขวนพระดีอะไรโดยกล่าวกันว่ามีเหรียญของหลวงปู่หงรุ่นขุดสะหลานชายมาจากกรุงเทพมอบไว้ให้พระงสั่งกำชับ ไ, ไว้ว่าให้เก็บไว้ให้ใหดีเพราะเป็นเหรียญรุ่นแรกและก็เคยมีประสบการณ์มาแล้วเมื่อหลังจากวันเสร็จพิธีพุทธาพิเศษโดยตำรวจได้นำเหรียญชุดขุดสะเนื้อสำลิศไปลองยิงดูปรากฏว่าปืนไม่ลั่นแต่พอยก ปืนขึ้นพ้าไกปืนก็ทำงานตามปกติจนถึงลูกที่สามก็ยิงไม่ออกเช่นเดียวกันหลวงปู่ท่านทราบแล้วก็สั่งห้ามประทดัดีแล้วไม่ต้องลองแล้วจะเห็นเองยามคับขันการกระทําเช่นนั้นเป็นการประมาทต่อครูบาอาจารย์ที่หลังอย่าทำอีกเล่นเอาตํารวจคนนั้นหน้าจ้อยไปเลยดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทําไมชาวบ้านเขาจึงพร้อมใจกันยอมนอนคว่ำให้หลวงปู่ท่านเดินบนหลังของพวกเขา ชาวบ้านทุกคนเคารพรักหลวงปู่เสมือนเป็นเทพเจ้าของพวกเขาทีเดียวเพราะไม่ใช่ว่าหลวงปู่หงจะป้องกันภัยให้พวกเขาได้อย่างเดียวแต่หลวงปู่หงแผ่เมตตาปล่อยสัตว์ขุดบอ่อขุดสะสร้างฝายน้ำร้นปล่อยช้างวัวกวเต่างูตภาพสัตว์ทุกชนิดและสั่งห้ามไม่ให้ชาวบ้านทำลายทาลายป่าไม้โดยอบรมสั่งสอนให้เห็นคุณและโทษของการไม่มีป่าไม่มีน้า จะเกิดความเดือดร้อนนานาประการพร้อมทั้งสอนให้ชาว บ, บ้านทุกคนถือศีลห้าห้ามดื่มเหล้าเมายาแล้วครูอาจารย์ของหลวงปู่จะคุ้มครองทุกคนเคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่ก็ประพฤติปฏิบัติตามจึงมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขหลวงปู่ของเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดสุรินได้มรณาภาพลงอย่างสงบด้วยโรคชาราเมื่อวันที่ห้ามีนาคมสองันห้า้อยห้าสิบเจ็ด เวลา10นาฬิกา48นาะทีณโรงพยาบาลบำรุงราชแล้วก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่หลวงปู่หงเกิดวันที่5มีนาคมพศ2460มรณภาพวันที่5มีนาคมพศ2557ซึ่งวันเกิดและวันมรณภาพเป็น nah, วันเดียวกันพอดีสิริรวมอายุได้97ปีบริบูรณ์ สำหรับหลวงปู่หงนับเป็นพระเถระที่มีอายุพรรษาสูงที่สุดรูปหนึ่งของแดนอีสานใต้พระหลังจากบวชเมื่ออายุยี่สิปีท่านอยู่ในสมณเพศมาตลอดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดเช่นมักให้พรแผ่เมตตาและปล่อยสัตว์ทุกชนิดพร้อมกับรณรงค์ให้ชาวบ้านช่วยกันพัฒนาควบคู่กับการอบรมสั่งสอนให้ทุกคนยึดถือในศีลห้า ด้วยเหตุนี้หลวงปู่หงพรมปัญโยจึงได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่และคนต่างถิ่นมานานหลายสิบปีโดยมีการสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลออกมาหลายร้อยรุ่นแล้วก็ทุกรุ่นล้วนได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมากครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจันยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับนัตถิกัมมังสมะพลัง แรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดราย ง, งานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อภูลังกาไหมครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องภูลังกาเมืองรับแลนครพญานาคให้ฟังภูหลังกาเป็นเทือเขาห้าลูกเกาะกลุ่มกันอยู่ใกล้กับบึงโขงหลงแล้วก็ภูวัว อยู่ในท้องที่จังหวัดหนองคายเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอบ้านแพงแต่ว่าในปัจจุบันเป็นพื้นที่ของอำเภอบึงโขงหลงใกล้กับอำเภอเสกาภูรังกาเป็นตำนานอันลือเรื่องเกี่ยวพันกับศาสนาแล้วก็คติความเชื่อปรามปราครับผูรังกามีความลี้ลับอาถรรพ์มาตั้งแต่ดึกดำบันจจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เป็นเรื่องที่พูดยากอธิบายยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนามธรรมา ที่ทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้แต่ทั้งๆ ท, ที่พิสูจน์ไม่ได้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่มีการศึกษาสูงๆเป็นครูเป็นข้าราชการทหารตำรวจและระดับศาสตราจารย์จากต่างประเทศจํานวนไม่น้อยก็ยอมรับว่าเรื่องความลึกลับนามธรรมเนี่ยเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิตที่ต้องรับฟังไว้เพื่อพิจารณาค้นคว้ากันต่อไปจะปฏิเสธเสเลยทีเดียวก็ไม่ได้ ภูลังกาเป็นตำนานเรื่องพระเจ้าห้าพระองค์คือณโมพุทธายะและเป็นเมืองหลวงของชาวบังบทรับแลอันมีเมืองมอ่าพญานาครวมอยู่ด้วยแล้วก็ยังเป็นสนามรบกับกองทัพกิเลสที่กองทัพธรรมของพระอาจารย์มั่นภูริทัตะเถระทรงศิสยานุสิ์ที่เป็นพระสุดงกรรมฐานทุกรุ่นทุกสมัยมารบราฆ่าฟันกับกิเลสตัณหาที่ภูลังกาเนี่ย ไม่เคยเลิกราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พระกรรมฐานที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพเลื่อมใสของมหาชนที่เคยไปบําเพ็ญเพียรอยู่ที่ภูลังกามาแล้วก็คือหลวงปู่เสากันตะศิโลหลวงปู่สิมพุทธาจารุครูบาวังทิติสาโรพระอาจารย์สมชายเขาสุกิมพระอาจารย์ชาวัดหนองป่าพงพระอาจารย์งโงโนนสุระโย แล้วก็ยังมีรูปอื่นๆ อ, อ, อ, อ, อีกเยอะครับตามตำนานพระเจ้าห้าพระองค์นั้นกล่าวว่ากาเผือกเนี่ยได้ตกไข่ห้าฟองที่ภูลังกาวันหนึ่งเกิดลมพายุใหญ่หอบเอาไข่ปลิวไปตามลมไข่นั้นก็กระจัดกระจายไปในสถานที่หลายแห่งต่อมาไข่นั้นได้ฟักออกมาเป็นพระเจ้ากกูสันโทรพระเจ้ากโกนาคมโน พระเจ้ากัสโปรพระเจ้าโคตมโมและองค์ต่อไปก็คือพระศีอริยเมตตยโยที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ห้าในพัทระกับนี้ยังมีความพิสดารแถมไทยอีกว่ากาทั้งหลายไม่กล้าบินผ่านจะต้องถูกอำนาจอาถรรพ์ลึกลับที่ภูรังกาถ้าตัวไหนบินขึ้นไปเนี่ยจะเจอพายุใหญ่พัดพากาตัวนั้น ให้เซทลาปลิวว่อนไปทางป่าเซกาอ่าคือเขตอำเภอเซกาในปัจจุบันนว่ากันอย่างนั้นภู้ลังกาในอดีตเมื่อ50ปีก่อนโน้นเป็นดงหนาป่าทึบกว้างใหญ่ไพสาลชุกชุมได้เสือสิงกระทิงแรกแล้วก็โขลงช้างเถือนแต่ในปัจจุบันนี้ป่าหายหมดแล้วกลายเป็นทุ่งโล่งรกรางแล้วก็ไรนาจะพอมีป่าเหลืออยู่ก็รอบๆภูลังกาบ้างเล็กน้อย พอเป็นยากรศัยเท่านั้นเองอเห็นแล้วก็เศร้าใจรอบๆภูรังกามีวัดป่าตั้งอยู่ประมาณสิบวัดมีทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุทธ์พระสงฆ์องค์เนรูปไหนถ้าบกพร่องในศีลพระวินยัยแล้วจะอยู่ได้ไม่นานต้องมีอันเป็นไปเพราะว่าพระภูมิหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางในแรงมากหลวงปู่ตองถ้ชัยมงคลภูลังกาเล่าให้ฟังว่ามีพระทุดงทรงเครื่องคณะหนึ่ง มาจากทางขอนแก่นขึ้นไปแสวงวิเวกอยู่บนภูลังกาใกล้กับถ้ำชัยยะมงคลเป็นพวกไม่รู้ประสีประสามีวิทยุทรานซิสเตอร์ไปด้วยเปิดเพลงเปิดเทปกันดังสนันสนุกสนานครองจีวรก็ไม่มีสังคติเพราะไม่ได้เอาสังคติมาด้วยหลวงปู่ตองเห็นแล้วก็ได้แต่นึกในใจว่าพระผีบ้าพวกนี้ไม่ได้ฉันข้าวเช้าแน่ๆพรุ่งนี้แล้วก็เป็นจริง เสียงเพลงหมอลำซิ่งจากเทปทรานซิสเตอร์ดังรั่นสนันวันไหวอยู่พักหนึ่งก็เงียบไปเปลี่ยนเป็นเสียงทะเลาะวิวาทกันไม่รู้ทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้วก็พากันหอบข้าวของเครื่องบริวารวิ่งลงจากภูลังกาไปคนละทิศคนละทางวิ่งกันกระเจิดกระเจิงอย่างกับคนบ้าเข้าป่าดงหลงทางอยู่ในป่าเนี่ยไม่ได้ฉันข้าวในวันต่อมาเป็นไปตามที่หลวงปู่ตองว่าจริง พราะหลวงปู่ตองรู้ว่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่พูลังกาเนี่ยต้องเล่นงานพวกพระกรมมรอเหยียบย่ำพระธรรมวินัยคณะนี้แน่ๆเนื่องจากท่านมีประสบการณ์นี่คือความเฮี้ยนความอาถรรพ์ของภูลังกาท่านเจ้าคุณพระราชเมธาการเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีวัดโพธิสมพรซึ่งเป็นวัดธรรมยุทธ์ท่านบอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องพญานาคเรื่องเมืองรับแลเรื่องเหล็กไหลต้องไปหาหลวงปู่ตอง วันนี้ภูลังกาถ้ำชัยมงคลมีหลวงปู่ตองเฝ้าท้ำอยู่กับเนนน้อยชื่อเนนเคนหลวงปู่ตองในท่านอายุหกสิบหกแล้วอย่างแข็งแรงมีวิชาตัวเบาหรือว่าลุกเบาท่านแบกปูนหนักถุงละยี่สิบห้ากิโลกรัมขึ้นไปสร้างพระเจดีย์บนยอดเขาภูลังกาวันละหลายเที่ยวสบายมากถ้าอยากจะรู้เรื่องลึกลับผีสางเทวดาปีศาจยากักษ์มาหรือว่ายาสมุนไพรก็ต้องถามท่านถามหลวงปู่ตอง ถ้าเป็นพระกรรมฐานปฏิบัติธรรมมีศีลเสมอกันท่านถึงจะเล่าให้ฟังเป็นคารวะญาติโยมชาวบ้านท่านจะปิดปากเงียบไม่ยอมพูดเรื่องนี้นะเพราะว่าขืนพูดไปก็จะเป็นความผิดเข้าข่ายอวดอุตริมนุสธรรมอ่านะไปเห็นในสิ่งที่ชาวบ้านก็ไม่เห็นไปรู้ในสิ่งที่ชาวบ้านก็ไม่รู้จะถูกปรับเป็นอาบัติหลวงปู่ตองเนี่ยเป็นคนบ้านน้ำเที่ยงตำบลบ้านทรงอำเภอคำเจอีอีจังหวัดมุกดาหาร เมื่อตอนที่เรียนหนังสือจบป .4 พ่อแม่ก็อพยพครอบครัวหนีความกันดานแห้งแล้งมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บ้านโนนสวนป อ, อยู่ใกล้บึงโขงหลงเขตจังหวัดนนองคายแล้วท่านก็บัพพชาอุปสมบทเมื่อปี2522ตอนนั้นอายุได้47ปีแล้วบวชเมื่อเข้าสู่วัยชาราแล้วบวชที่วัดธรรมทูนุศนออำเภอบึงโขงหลงจังหวัดนนองคาย หลวงปู่ตองท่านเล่าว่าความจริงท่านเลื่อมใสในศาสนามาตั้งแต่เป็นเด็กไปวิ่งเล่นในวัดแล้วครั้นเติบใหญ่ก็ไม่มีวาสนาได้บวชเพราะวฐ า, านะยากจนต้องช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาหาเลี้ยงชีพแบบปากกัดตีนทีบอยู่ทั่วนาตาปีต้องประจนกับลูกธรรมต่างๆทั้งสุขทั้งทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจะมีสุขก็เป็นสุขอย่างแกนแกนแห้งแห้งไปอย่างนั้นเองความทุกข์มันเป็นตัวยืนรงทีเดียวเหมือนแผ่นดิน เป็นที่ยืนที่เหยียบของคนเราถึงแม้จะหนีขึ้นต้นไม้หรือขึ้นไปอยู่บนบ้านมีความสุขก็ต้องมีเหตุให้ลงมาเหยียบพื้นดินทํามาหากินอยู่บนดินนั่นเองแม้กระทั่งตายลงก็ต้องเอาศพฝังดินหรือว่าเผาที่กองฟอนบนดินชีวิตคนเราทุกคนเกิดมาเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยสมมุติว่าเป็นตัวเราของเราอ่าก็พากันหลงในสมมติแข่งกันทํามาหากินไม่รู้จักพอ แก่งแย่งเบียดเบียนกันข่มเหงรังแกกันเขินข่ากันด้วยอำนาจโลภโมโทสันสนุกสนานมัวเมาในลาบยศสรรเสริญความสุขอันไม่จีรังยั่งยืนไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วในที่สุดก็ล้วนต้องเน่าเข้าลงตายไปเอาอะไรไปด้วยไม่ได้สักอย่างร่างกายอันเป็นที่รักยิ่งของตัวเองยังเอาไปไม่ได้เลยตายไปแล้วร่างกายก็เน่าเหม็นกลายเป็นอาหารของปุง๋งหนอนชอนชายกัดกิน หน้าขยะขยงหน้าหว่าเสียวลเลื่อนใครคนไหนคิดว่าตัวเองรูปสวยรูปงามนั้นพอตายลงไปนอนขึ้นอื่อยู่ในโลงก็ต้องเน่าเปื่อยเละเทะเป็นปลร า, ราปราเจ้าอะไรยังไงอย่างนั้นชีวิตคนเราเกิดมาด้วยล้วนหลงผิดอย่างที่พระศาสนาได้กล่าวไว้ว่าการร้องเพลงนะดูไปแล้วก็เหมือนร้องไห้การพอรอนรำเต้นรำดุดเป็นอาการน้องคนบ้า เสียงหัวเราะเฮฮาเห็นเหงือกเห็นฟวันเป็นเหมือนอาการของเด็กทารกอมมือที่ทาอยู่ในบอกหลวงปู่ตองบวชในฝ่ายมหานิกายเป็นพระอยู่ในบ้านในเมืองไม่ค่อยจะถือเคร่งในธรรมวีนัยเท่าไหรนะ่นักเป็นที่รู้กันไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นพระฝ่ายศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมไม่ใช่พระป่าปฏิบัติธรรมกรรมฐานถือเคร่งในทุดงสิบสามข้อ หลวงปู่ตองบวชมาได้สามมันสาก็รู้สึกเบื่อวัดเพราะพระเนนในวัดไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยก็ปล่อยให้ทำประพฤติผิดในพระวินัยไปด้วยพระเนนในวัดมั่วสมกันสนุกสนานมากกว่าที่จะปฏิบัติศาสน ก, กิจท่านกระลึกนึกถึงพระธุดงที่ไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ในป่าสแสวงหาความสงัดเงียบมันเพ็ินเพียนจนได้พบกับความสุขในทางธรรมะท่านก็เลยอยากจะทําอย่างนั้นบ้าง เพื่อจะหาทางหลีกหนีพระเนนในวัดที่ย่อหย่อนในธรรมวินยัยท่านเดินทุดงไปที่ภูลังกาอยู่ห่างจากวัดไม่ไกลเท่าไหร่โดยขึ้นทางด้านบ้านดงบังอยู่ห่างจากถ้ำชัยมงคลออกไปไกลพอสมควรบนภูลังกามีถ้ำมีเงื้อมผาให้เลือกเอาเป็นที่พักบําเพ็ญภาวนามีลานหินกว้างเหมาะที่จะเดินจงกรมดินผ้าอากาศก็ดีลมเย็นพัดเย็นสบาย กลินดอกไม้ป่าก็หอมชื่นใจบรรยากาศสปายะวิเวกเหมาะสำหรับปฏิบัติธรรมมากเมื่อขึ้นมาอยู่บนภูลังกาแล้หลวงปู่ตองก็ปฏิบัติธรรมขั้นอุกฤษถือแข้งในข้อวัดปฏิบัติทุดงสิบสามเหมือนพระป่าทุกประการนั่นก็คือกินน้อยนอนน้อยกินน้อยก็คืออดอาหารฉันแต่น้ำรูปทองเป็นการทดสอบกาลังใจตัวเองว่าจะมีความทรหยอดทนขนาดไหน จะสร้างขันติบารมีได้ไหมกลัวจะเป็นลมตายเพราะอดข้าวหรือเปล่านอนน้อยก็คือจะนอนพักผ่อนเอาแต่เฉพาะตอนกลางคืนไม่นอนมากนอนเพียงคืนละสี่ชั่วโมงเท่านั้นเวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปในการเดินจงกรมสร้างวิริยะความเพียรแล้วก็นั่งสมาธิสงบกายสงบจิตให้จิตได้พักผ่อนเบยปิติสุขในวิหารธรรม เมื่อนั่งสมาธิเสพสุขก็มักจะยึดติดเกิดความเกียดคร้านที่นี่ก็ต้องลุกขึ้นเดินจงกรมสร้างความวิริยะความเพียรขับไล่ความขี้เกียจสรุปแล้วก็คือมีการเดินจงกรมและนั่งสมาธิสลับกันไปทั้งวันแล้วก็เกือบทั้งคืนผลจากการทดลองอดอาหารปรากฏว่าสามารถอดได้หลายวันในวันแรกนี่จะหิวมากพอเข้าวันที่สองร่างกายจะปรับตัวเองได้ไม่หิว ฉันแต่น้ำตัวเบาสบายไม่ง่วงหาวหาานอนเกิดความขยันหมั่นเพียรอย่างแปลกประหลาดไม่อยากหลับนอนอยากจะเจริญภาวนาลูกเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดจากอำนาจสมาธิมันเป็นปิติแรงมากเป็นปิติในธรรมและในช่วงนี้แหละที่ทำให้หลวงปู่ตองได้ประสบเข้ากับมิติเร้นลับกายของอกายโลกจิตของท่านที่เป็นกายวิเวกจิตวิเวกเชื่อมโยงเข้าหาโลกวิญญาณ หรือว่าโลกอันเป็นทิพย์คือโลกของพูดผีปีศาจยักษ์มาร น, นาคครุฑคนทันหรือว่าพวกบังบทรับแลเทพเจ้าเหล่าพรหมทั้งหลายหลวงปู่ตองเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนี้ว่าตอนนั้นประมาณสักทุ่มหนึ่งมืดสนิทอากาศเย็นกำลังสบายๆท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ที่พลรานหินบนภูลังกาเสียงมแมลงกลางคืนจั ก, กจัน่น แล้วก็ไอ้ตัวแม่ไม้ลองในเนี่ยส่งเสียงร้องกล้องกังวานกันไปทั่วขุนเขาท่านกองแหนดูท้องฟ้ามืดตอนนั้นมีดวงดาวเกลื่อนกราดเต็มท้องฟ้าไปหมดเป็นคืนที่น่าดูมากเบิกบานใจเสร็จแล้วเสียงจั ก, กจั่นและแม่ไม้ลองในก็หยุดส่งเสียงกระทันหันหยุดปุ๊บเลยอ่ะเกิดความเงียบสงัดอย่างแปลกประหลาดความมืดกว่าทวีมากยิ่งขึ้นเดินไม่เห็นทางจงกรม เอ๊ะทำไมมันมืดอย่างนี้วันนี้แงนมองฟ้าก็ยังเห็นดาวส่องแสงระยิบระยับไม่ได้มีเมฆฝนปิดบังไว้แต่อย่างใดขณะที่ท่านกำลังยืนงงๆอยู่นั่นท่านจะเห็นแม่ชีนุ่งห่มสีขาวเดินเข้ามาหาทั้งหมดห้าคนนั่งคุกเข่าลงกราบแบบเบญจางคับปิ์ ท่านก็รู้สึกแปลกใจที่มีแม่ชีบนภูหลังกาในยามค่ำคืนก็ใจคอไม่ดีเลยเพราะไม่มีพระเนรหรือว่าลูกศิษย์อยู่ด้วยเลยกลัวจะบาปเป็นอบัตถูกตำหนิติเตียน ต, ต, ตอนนั้นก็ลืมคิดไปถนัดว่าในความมืดเหมือนกับอยู่ในถ้ำอย่างนั้นทําไมจะสามารถมองเห็นแม่ชีทั้งห้าคนได้ถนัดชัดเจนเหมือนอยู่ในเวลากลางวันขณะที่ท่านยืนตัวแข็งทาอะไรไม่ถูกอยู่นั้นแม่ชีผู้เป็นหัวหน้าก็พูดขึ้นบอกว่า หลวงพ่อขึ้นมาปฏิบัติภาวนาบนนี้จะต้องมีวัดปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวิยัยถ้าหลวงพ่อย่อหย่อนในพระวินัยจะอยู่ที่นี่ไม่ได้นะเจ้าคะมีพระสงฆ์องค์เนียนขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วหลายรูปแต่ว่าอยู่ไม่ได้ตอนนั้นหลวงพ่อตั้งสติและได้แล้วขนลุกสู้ขึ้นมาเฉยๆความรู้สึกก็บอกว่าผีแน่ๆเป็นผีเยี่ยชีแต่ว่าไม่กลัวเพียงแต่ขนลุกเท่านั้น เพียงแค่นึกรู้สึกขึ้นมาเท่านั้นเองเสร็จ แ, แล้วหัวหน้าแม่ชีก็พูดชี้แจงพวกเราไม่ใช่ผีหรอกหลวงพ่ออย่าเข้าใจผิดพวกเราเป็นพรหมสมัยเป็นมนุษย์เป็นแม่ชีสําเร็จฌานพรหมน่ะไม่มีเพศหญิงพวกเราเพียงแต่แสดงร่างที่เคยเป็นแม่ชีให้ดูเท่านั้นเองผู้ลังกานเป็นแดนบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ดึกดําบันหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่จะต้องฉันมังสวิรัตขออย่าได้ฉันเนื้อสัตว์นะเจ้าคะ หลวงพ่อก็พูดอะไรไม่ออกแต่จะยืนนิ่งเจ้าว่าถูกสะกดจิตก็ไม่เชิงนึกอยากจะถามแต่ก็ไม่รู้จะถามอะไรในที่สุดแม่ชีลึกลับทั้งห้าคนนั้นก็ลาจากไปทั้งการมาและการไปนี่สวยงามมากย่อตัวลงคุกเข่ากราบแบบเบญจางคับประดิษฐ์ลอยตัวอยู่เหนือพื้นตอนเข้ามาหาแต่ตอนนี้จะถอยหลังออกไปสามก้าวแล้วนั่งคุกเข่าลงกราบลา ตอนลุกขึ้นยืนคล้ายๆลอยตัวขึ้นสง่างามมากไม่เหมือนมนุษย์ลุกขึ้นตามปกติเมื่อแม่ชีทั้งห้าไปแล้วบรรยากาศอันเงียบงนันอาถรรพ์ก็หายไปกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมจักจั่นเรไรก็เริ่มส่งเสียงกระแสลมที่หยุดนิ่งก็พัดมาช่วยชื่นกลิ่นหอมดอกไม้ป่าก็มาอีกแล้วความมืดมิดก็หายไปคลายไปมองเห็นทางเดินจงกรมได้เหมือนเดิม หลวงปู่ตองท่านเป็นคนเชื่ออะไรยากไม่เชื่ออะไรง่ายๆชอบเถียงเรื่องผีสางเทวดาไม่มีจริงเพราะว่าตัวเองไม่เคยเห็นหาว่าคนโบราณแต่งเรื่องผีๆสางๆหลอกให้คนกลัวเพื่อที่จะได้ปกครองกันง่ายๆเท่านั้นแหละแต่แล้วในที่สุดหลวงปู่ก็มาเจอผีแม่ชีเข้าให้ที่ปูหลังกาเป็นการเจอผีตอนเป็นพระกรรมาฐานซะด้วยทีนี้เหมือนถูกล้างสมองครั้งใหญ่ให้หายโง่ ไม่เชื่อก็ไม่ได้แล้วเพราะเห็นอย่างจะแจ้งกับตาเลยได้ยินกับหูด้วยแถมยังถูกผีแม่ชียื่นคำขาดให้ฉันมังสวิรัตถ้าฉันเนื้อสัตว์ต่อไปจะอยู่ภูลังกาไม่ได้ด้วยเหตุ น, นี้ก็ทำให้หลวงปู่ตองต้องเลิกฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้นับได้สิบเจ็ดปีเข้าให้แล้วการฉันอาหารมังสวิรัตก็ทาให้จิตสงบเร็วขึ้น การพิจารณาทำตามหลักไตรลักษณ์ก็ปลอดโปรง่งเข้าใจได้ลึกซึ้งกว่าแต่ก่อนการทดลองอดอาหารทรมานตัญหาความอยากก็สามารถอดอาหารได้ถึงหนึ่งเดือนเต็มๆท่านเล่าถึงตอนนี้บอกว่าวันนั้นทั้งวันเข้าสมาธิเงียบไม่ลุกขึ้นเลยจิตมันนิ่งมันติดใจในรถสมาธิหมูป่าฝูงใหญ่มาหากินใกลๆเสร็จแล้วมันก็ทะเลาะ ก, กันกัดกันอุตรุนหมด อตาตมาก็เห็นแต่ว่าประสาทหูไม่ยอมรับเสียงไม่ได้ยินเสียงรู้ว่ามันกัดกันเท่านั้นเห็นว่ามันกัดกันแล้วจิตก็กลับเข้าไปอยู่ในผวังต่อไปประสาทหูมันดับไม่ยอมรับเสียงแปลกจริงๆมันเหมือนกับไม่ใช่จิตตัวเองจิตเป็นตัวหนึ่งต่างหากแล้วก็ตัวอตาตมาก็เป็นตัวหนึ่งต่างหากจิตกับตัวเรามันแยกจากกัน อาตมานั่งเข้าสมาธิอยู่ทั้งวันเหมือนกนระสือสีเข้าฌานจะลุกขึ้นก็ตอนใกล้ค่ำฉันน้ําแล้วก็เดินจงกรมการอดอาหารเนี่ยทำได้แต่ว่าน้ําจะต้องฉันจะขาดไม่ได้อันนี้เป็นกฎตายตัวสําหรับพระธุดงค์ในป่าที่อดอาหารหลายๆวันเนอย่าให้ขาดน้ําเป็นอันขะดเพราะว่าน้ําช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตเอาไว้อาตมาบําเพ็ญความเพียรอย่างอุกฤษที่พูลังกาหลายเดือน ได้รู้ได้เห็นสิ่งลึกลับมหัศจรรย์หลายอย่างด้วยอำนาจของศีลอำนาจสมาธิที่อาจจะมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องในพระธรรมวินัยหลวงปู่ตองกลับไปจำบรรษาที่วัดเดิมคือวัดตาลเทพมงคลใกล้ๆ ก, กับบึงโขงหลงได้เกิดความคิดว่าจะยับติเป็นพระธรรมยุทธ เพื่อจะได้เข้าสู่สายพระกรรมฐานเป็นพระป่าอย่างแท้จริงครั้นปรึกษากับญาติโยมชาวบ้านก็ไม่มีใครเห็นด้วยเลยชาวบ้านขาอยากจะให้อยู่พัฒนาวัดเดิมไม่เจริญรุ่งเรืองถ้าหลวงปู่ตองไปซะแล้วพระเนนก็จะสึกกันหมดวัดก็จะร้างด้วยเหตุ น, นี้เองก็ทำให้หลวงปู่ตองต้องจำใจทนอยู่วัดนี้ต่อมาถึงห้าปีเป็นหลักใจให้ชาวบ้าน หนักไปทางพิธีกรรมที่ประสงค์องค์เจ้าจะต้องทำเช่นงานบุญต่างๆงานบวชงานศพตลอดจนถึงซ่อมแซมปฏิสังขรกุติสลาโบดวิหารพัฒนาวัดวาอารามอันเป็นงานหนักเมื่อเห็นว่าได้ทำความเจริญให้กับวัดนี้มั่นคงดีแล้วท่านก็ยติเป็นพระธรรมยุทธเข้าสู่สายปฏิบัติกรรมฐานเมื่อปี2530 แต่ว่ายังจำมันสาอยู่ที่วัดเดิมเพราะว่าญาติโยมยังไม่ยอมให้ท่านไปทุดงยู่มาคืนวันหนึง่งยังไม่ดึกนักขนาดที่หลวงปู่ตองนั่งเข้าสมาธิอยู่ที่กุฏิวัดตาลเทพมงคลริมบึงโขงหลงอากาศคืนนั้นค่อนข้างเย็นจนท่านรู้สึกหนาวปรากฏมีลมพัดแรงมาจากบึงโขงหลงจนต้นไม้ใหญ่น้อยนี่เอลู่สู้ซาเหมือนพายุฝนจะมาท่านได้เห็นนิมิตในสมาธิเป็นแสงสว่างสีขาว พุ่งปราดข้ามบึงโขงหลงมาตกลงที่กุฏิที่ท่านนั่งอยู่นิมิตภาพแสงสว่างนั้นได้แปลเปลี่ยนไปเป็นร่างผู้ชายคนหนึ่งผมเกรียนคล้ายๆทิศศึกใหม่นุ่งขาวห่วมขาวกิริยาท่าทางเรียบร้อยสำรวมลักษณะอุบาศกผู้มีบุญได้เดินเข้ามายกมือไหว้แล้วก็แนะนำตัวเองว่าเออเราคืออาจารย์วังอยู่ถ้ำชัยมงคลบนภูลังกาเวลานี้ เราไปเกิดเป็นพรหมอยู่บนพรหมโลกเราอยากจะให้ท่านไปอยู่ถ้ำชัยมงคลภูลังกากล่าวแล้วก็จะเดินหายไปหลงปูตองได้พิจารณาแล้วเห็นว่านิมิตนี้เป็นเพียงจิตสังขารปรุงแต่งธรรมดาเหมือนกับคนนอนหลับแล้วฝวันไปก็ไม่ควรจะยึดถือเป็นเรื่องจริงจังครั้นต่อมาอีกหลายวันก็เกิดนิมิตภาพนี้อีกขณะนั่งสมาธิจิตสงบปิญญาณอาจารย์วังซึ่งเป็นพรหมก็มาชวนให้ไปอยู่ถ้ำชัยมงคลภูลังกาเป็นครั้งที่สอง แต่หลวงปู่ไม่สนใจเพราะถือว่านิมิตต่างๆเป็นอุปสรรคในการเจริญภาวนานิมิตเป็นเพียงภาพล่อภาพหลอกภาพ ล, าพ ล, าพลวงขั้นต่อมาอีกประมาณสิบห้าวันก็เกิดนิมิตในสมาธิอีกเป็นภาพอาจารย์วังนุ่งขาวห่วมขาวมาหาเป็นครั้งที่สามพอมาถึงก็ถามว่าท่านปั้นพระพุทธรูปได้ไหมหลวงปู่ตองก็ตอบในสมาธิบอกว่าเออเกเคยปั้นมาแล้วแต่ไม่เก่ง เราจะให้ท่านขึ้นไปอยู่ถ้ำชัยมงคลบนภูรังกาไปปั้นพระพุทธรูปหลายองค์มีเจดีย์ธาตุอยู่บนยอดภูรังกาใส่อัฐิธาตุของเราแต่เวลานี้เจดีย์ธาตุนั้นได้ถูกคนร้ายใจบาปทุบทิ้งปนปี้ไปหาสิ่งของเงินทองเราต้องการให้ท่านช่วยสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่ด้วยนิมิตรภาพของอาจารย์วังบอกกล่าวแล้วก็หายไปอีกคราวนี้หลวงปู่ตองก็ชักเอใจสงสัย เพราะว่านิ้มิตรอาจา ร, รย์วังมาหาอย่างมีความมุ่งหมายขึงขังจริงจังเป็นการออกคําสั่งให้ทําเลยทีเดียวบ่งบอกถึงอํานาจบังคับัญชาดูแล้วน่ากลัวหากขัดขืนสงสัยจะเกิดเรื่องแน่หลวงปู่ตองจึงได้ออกสืบถามชาวบ้านว่าอาจารย์วังภูลังกาน่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไงก็ได้ความว่าพระอาจารย์วังทิติสาโรเป็นพระกรรมฐานผู้มีชื่อเสียงเลื่องลืออยู่ถ้ำชัยมงคลบนยอดเขาภูลังกา สมัยปี2480ถึงปี2496เกือบ20ปีท่านเป็นสิทธิ์คนสำคัญของหลวงปู่เสากันตริโลแล้วต่อมาได้พบกับหลวงปู่มั่นภูริทัตเถระจึงได้เป็นสหธรร ม, มิกกับพระอาจารย์ดังๆในสมัยนั้นเช่นพระอาจารย์พั้นอาจารย์รูพระอาจารย์สีหูเขมมโกพระอาจารย์อ่อนยานาสิริเป็นต้นชาวบ้านนิยมเรียกท่านว่าครูบาวังสิทธิ์สาคัญสาคัญของครูบาวัง หรือว่าอาจารย์วังเนี่ยมีหลายรูปอาทิเช่นพระอาจารย์วันอุตมโมแห่งภูเหล็กสกลนครพระอาจารย์ชาวัดหนองป่าพงอุบลราชธานีหลวงปูงง่โง่นวัดพระพุทธบาทเขารกุกสะพานหินจังหวัดพิจิตร พ, พระครูอดุลธรรมพานเจ้าคณะอำเภอศรีสงครามนครพนมเป็นต้นพระครูอดุลธรรมพา น, นเป็นพระเพียงรูปเดียวที่รอดตายเมื่อคราวเรือล่มในบึงโขงหลง มีพระกรรมฐานภูลังกาจมน้ําถึงแก่มรณาภาพสามรูปคือพระอาจารย์ปุ่นพระอาจารย์ทองและพระอาจารย์ทองดีเรือล่มคราวนั้นเป็นเรื่องโด่งดังมากเมื่อปี2499ใกล้กึ่งพุทธกาลชาวบ้านเล่าลือกันว่าพญาอือลือผีเงือกคือพญานาคบึงโขงหลงเป็นผู้เอาชีวิตพระกรรมฐานภูลังกาพระอาจารย์วังเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในทางกรสินนภิญญาเป็นพระทูดงกรรมฐานมีฤทธิ์มาก พระอาจารย์พุท ธ, ธานิโยวัดป่าสารวันตอนที่ยังไม่มรณาภาพเคยเล่าให้ศรัทธาญาติโยมคณะธรรมทานทัวฟังเมื่อหลายปีมาแล้วว่าคราวหนึ่งพระเนนแล้วก็เถนชีที่ขึ้นไปปฏิบัติธรรมอยู่บนภูลังกาได้รับความลําบากกันมากเพราะว่าขาดสนอาหารบินธบัดแล้วก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอพาพด้วยโรคภัยไข้ป่าบ้างแพ้อากาศบ้างพระอาจารย์วังได้บอกให้พระภิกษุสัมเนรตาเถรแหละแม่ชีคือพ่อขาแม่ขาว พากันรีบเดินไปก่อนส่วนองค์ท่านได้นั่งลงขวางทางเสือไว้ฝูงเสือเห็นท่านก็พากันนั่งลงบ้างพระอาจารย์วังทาอย่างนี้อยู่หลายครั้งทวงเวลาไว้เพื่อให้คณะพระเนเนเถรชีเดินทางพ้นป่าใหญ่ระยะทางสิบกกิโลเมตรให้ไปถึงหมู่บ้านที่ปลอดภัยต่อจากนั้นพระอาจารย์วังจึงได้เดินทางกลับอูลังกาโดยมีฝูงเสือติดตามต้อยๆไปเหมือนสุนัขที่จงรักภักดีต่อเจ้าของ พระอาจารย์พุทธนิโยสรุปว่าทำไมฝูงเสือจึงได้จงรักภักดีต่อพระอาจารย์วังคำตอบก็คือพระธุดงกรรมฐานอย่างพระอาจารย์วังนั้นมีอำนาจจิตแรงกล้ามากโดยเฉพาะมีเมตตามากจะเข้าสมาธิระดับลึกมากอยู่ทุกวันคืนแล้วแผ่เมตตาไปทั่วทุกสารทิศอันมีทิศเบื้องบนเบนืบ้องล่างทิศเหนือทิศใ ต, ต้ตะวันออกตะวันตกทั่วทุกโลกธาตุพบภูมิไม่มีขอบเขตเรียกว่าแผ่เมตตาเจโตวิมุตติ การแผ่เมตตาเจโตวิมุตตินั้นก็คือต้องเข้าสมาธิให้ได้ระดับเจตุทะฌานเพื่อให้บรรลุภาวะดวงจิตหลุดพ้นจากกิเลสเรียกว่าเจโตวิมุตต์ประเภทยังไม่หลุดพ้นอย่างเด็ดขาดแต่ว่าหลุดชั่วคราวด้วยอำนาจพลังจิตโดยเฉพาะด้วยอำนาจกําลังฌานสี่คือกิเลสทั้งหมดได้ถูกอำนาจอัปปนาสมาธิกดข่มไว้หรือว่าทับไว้เหมือนก้อนหินใหญ่ทับย่าเอาไว้อย่างนั้นตลอดเวลาที่อยู่ในฌานสี่นั้น เรียกว่าวิขมพนะวิมุตติการแผ่เมตตาเจโตวิมุตติมีอนุภาพมากเป็นกระแสคลื่นจิตตานุภาพชุ่มชื่นเยือกเย็นพูดผีปีศาจยักษ์มารเทวดาพรหมคนทนันนาคและมนุษย์ตลอดถึงสิงสารศาสดุร้ายทั้งหลายเมื่อได้กระทบสัมผัสกระแสเมตตาเจโตวิมุตติแล้วจะบังเกิดความรู้สึกชุ่มชื่นเย็นกายเย็นใจอิ่มเอิบเบิกบานปิติ เหมือนดังได้เสวยความสุขอันเป็นทิพย์สุดวิเศษจะมีไมตรีจิตมิตรภาพรักใคร่เคารพนับถือผู้ทรงศีลที่แผ่เมตตาให้นั้นไม่กล้าคิดทำร้ายแต่ประการใดเลยพระอาจารย์วังได้มรณาภาพไปนานแล้วตั้งแต่ปี2496นาพอนับถึงปี2534 ซึ่งเป็นปีที่หลวงปู่ตองได้นิมิตเห็นพระอาจารย์วังนั้นเป็นเวลายาวนานถึงสามสิบปดปีทําให้หลวงปู่ตองเข้าใจว่านับตั้งแต่พระอาจารย์วังมรณาภาพไปเหตุใดจึงไม่สแสวงหาคนที่มีบุญวาสนาบา ร, รมีให้มาปฏิสังขรถ้ำชัยมงคลภูลังกาทําไมปล่อยให้เวลาผ่านไปถึงสาสิบปดปีจึงมาบอกให้ท่านไปบุรณะทั้งๆ ท, ที่ท่านก็เป็นเพียงพระบ้านนอกธรรมดาไม่มีบุญบา ร, รมีอะไรเลย แต่ด้วยความยำเกรงพระอาจารย์วังซึ่งเป็นวิญญาณมาสั่งให้ไปอยู่ถ้ำชัยมงคลหลวงปู่ตองจึงจาใจเดินทางขึ้นไปภูลังกาทำการสํารวจถ้ำชัยมงคลก็ได้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าเจดีย์ธาตุบนยอดเขาภูลังกาที่บรรจุอธิธาตุของพระอาจารย์วังนั้นได้ถูกพวกคนร้ายใจบาปทุบทําลายพังทลายลงมาเหลืออยู่เพียงฐานเจดีย์เท่านั้น อัธิธาตของพระจันทร์วังตกกระจาดกระจายในบริเวณนั้นทำให้หลวงปู่ตองเกิดความรู้สึกสลดสังเวชยิ่งนักครั้นเมื่อไปดูถ้ำชัยมงคลก็พบสภาพถ้ำที่เสื่อมโทรมเต็มไปด้วยหยักย่าไยแมง ม, มุมพระพุทธรูปหลายองค์ที่พระจันทร์วังปั้นไว้ถูกคนร้ายใจบาปจับกลิ้งไว้กับพื้นก็มีที่ถูกขุดเจาะทำลายก็มีคนร้ายคงจะค้นหาเหล็กหลในองค์พระพุทธรูป ก็ยิงทำให้หลวงปู่ตองเกิดความเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งว่าโอ้หนอคนเราทำไมถึงได้ใจร้ายใจต่ำสามถึงขนาดนี้กล้าทำลายปูชนียวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนาไม่เกรงกลัวบาปกลัวนรกมหาอเวจีหลวงปู่ตองได้บอกกับตัวเองบอกว่าถ่ำชัยมงคลก็ดีผูลังกาก็ดีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆ จิตสัมผัสทำให้เราขนพองสยองกล้าวอยู่เป็นระยะที่นี่เป็นอาสมสถานปฏิบัติธรรมของครูบาอาจารย์มาตั้งแต่อดีตไม่สมควรจะปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าเศร้าหมองเราจะต้องบูรณะปฏิสังขรณ์ที่นี่ให้สำเร็จให้จงได้วันนั้นหลวงปู่ตองจึงพักค้างคืนในถ้ำชยมงคลพอเช้าก็นั่งทําสมาธิภาวนาได้ไม่นานวิญญาณพระอาจารย์วังก็มาหาอีกลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็น นุ่งขาวผมขาวเหมือนเดิมลนะ่ะวิญญาณพระอาจารย์วังก็พูดบอกว่าอัฐิธาตุเราที่ตกอยู่กระจัดกระจายนั้นเมื่อท่านเก็บรวบรวมไว้แล้วก็ให้เอาบรรจุใส่ไว้ในเจดีย์อย่างเดิมถ้าท่านสงสัยอะไรให้ไปถามพระครูอดุลธรรมภานที่วัดศรีวิชัยบ้านศรีวิชัยอำเภอศรีสงครามพระครูอดุลสมัยเป็นสมณเณรเคยอยู่กับเราที่ถ้ำชยมงคล น, นี้นิมิตภาพพระอาจารย์วังบอกกล่าวแล้วก็เดินออกจากถ้ำหายไป หลวงปู่ตองก็เดินทางไปหาพระครูอดุลธรรมพันธ์ในวันต่อมาแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่ตัวประสบให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบท่านได้ยินแล้วก็พิศวงงงงันไม่อยากจะเชื่อตอนเองเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิมาตั้งแต่เป็นสามเณรน้อยจนกระทั่งเป็นพระอายุพรรษาแก่เท่าถึงวันนี้ยังไม่เคยเห็นวิญ ญ, ญาณพระอาจารย์วังมหาเลยท่านก็ถามว่าเออท่านตองจํารูปร่างหน้าตาพระอาจารย์วังที่เห็นในสมาธิได้แน่เหรือครับ ผมจำได้ติดตาพระครูอดุลธรรมพานก็ลุกขึ้นไปในห้องหยิบรูปถ่ายพระอาจารย์วังมาส่งให้หลวงปูงป่ตองดูเหมือนรูปนี้ไหมครับหลวงปู่ตองได้เห็นรูปถ่ายพระอาจารย์วงังแล้วก็ตะลึงขนพองสยองกล่าวรีบวางรูปถ่ายลงแล้วก็กราบรูปถ่ายด้วยความเคารพเลื่อมใสเพราะวิญญาณพระอาจารย์วังที่มหานั้นเป็นคนคนเดียวกันกับรูปถ่ายนี้จึงได้กราบเรียนให้พระครูอดุลธรรมพานทราบตามนั้น ท่านฟังแล้วก็อัศจรรย์ใจขนลุกไปทั้งตัวเหลียวซ้ายแหลขวาเข้าใจไปว่าวิญญาณพระอาจารย์วังจะต้องติดตามหลวงปู่ตองมาด้วยพระครูอดุลก็บอกว่าผมเมื่อขนลุกไปหมดแล้วท่านพระอาจารย์วังอาจจะมาอยู่ในห้องนี้แล้วก็ได้นะครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองทําให้หลวงปู่ตองเกิดความเลื่อมใสพระอาจารย์วังมีความเชื่ออย่างปราศจากข้อสงสัยว่าวิญญาณพระอาจารย์วังมีจริง เป็นเทพเจ้าชั้นสูงอยู่พรหมโลกมาวนเวียนอยู่ถ้ำชัยมงคลภูหลังกาด้วยความห่วงใหญ่ดังนั้นหลวงปู่ตองจึงตัดสินใจมาอยู่ถ้ำชัยมงคลด้วยความเต็มใจเขารบเลื่อมใสในองค์อาจารย์วังอย่างสุดจิตสุดใจทีเดียวหลวงปู่โงนโสรโยท่านเคยเล่าเรื่องของพระอาจารย์วังให้ฟังว่าตอนที่พระอาจารย์วังมาอยู่ที่ถ้ำชัยมงคลภูลังกาใหม่ๆนั้นท่านกดประสบเข้ากับความลึกลับของวิ ญ, ญญาณอย่างแปลกประหลาด เหตุเกิดในตอนหัวค่ําคืนวันหนึ่งขณะที่พระจันทร์วังนั่งเจริญภาวนาอยู่นั้นมีแสงสว่างสาดเข้ามาในถ้ำเป็นแสงเย็นๆเหมือนแสงจันทร์เข้าใจว่าจะเป็นแสงสว่างหรือว่าโอภาษตามปกติธรรมดาเวลาทำสมาธิก็มักจะเกิดขึ้นเสมอแต่ว่าแสงสว่างคราวนี้แรงกล้าขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกรําคาญจึงได้ลืมตาขึ้นก็เห็นคนนุ่งขาวห่มขาวสามสี่คนเดินเข้ามาหาเนิบเนิบดูลอยลอยพี่คน แต่ละคนไม่แก่ไม่หนุ่มรูปร่างหน้าตาก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปแต่ว่าผ่องใสมีสง่าราศีชวนให้สะดุดใจพวกเขานั่งลงกราบอย่างสวยงามแบบเบญจงังคประดิษฐ์คนที่เป็นหัวหน้าก็ได้เอ่ยขึ้นว่าได้เห็นพระอาจารย์วังขึ้นมาอยู่ที่ภูลังกาตั้งแต่วันแรกแล้วเพิ่งจะมีโอกาสมาเยี่ยมเยือนนมาส ก, การในวันนี้ที่แรกพระอาจารย์วังเข้าใจว่าชีพรามหรือว่าพ่อขาวทั้งสี่คนนะเป็นนักปฏิบัติธรรม อยู่ถ้ำใดถ้ำหนึ่งในเทือกเขาภูรลังกาอันกว้างใหญ่พากันด้านด้นมาเพื่อจะมาสนทนาธรรมด้วยแต่ก็คิดผิดไปถนัดเมื่อคนคนนั้นได้กล่าวต่อไปบอกว่าพวกเข า, าไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นโอปติกะหรือว่าวิญญาณมาจากสวรรค์แดนพมโลกมาบำเพ็ญบารมีสแสวงบุญที่ภูรลังกาเพราะเป็นสถานที่สงัดวิเวกและก็ศักดิ์สิทธิ์มานานตั้งแต่ดึกดาบัน พวกเทวดาและพรหมชอบพากันลงมาเยือนโลกเพราะได้เห็นสถานภาพที่แท้จริงของโลกมนุษย์มีสภาวะความทุกขเกิดแก่เจ็บตายที่เห็นได้ชัดเจนมากทำให้เกิดสลดสังเวช ร, รู้แจ้งในธรรมได้ง่ายกวอยู่บนสวรรค์พระบนสวรรค์มีแต่ความสุขสารพัดอันเป็นทิพย์มอมเมาให้หลวงเพลิดเพลินจึงยากที่จะปฏิบัติธรรมให้เห็นแจ้งในความทุกข์ พระอาจารย์วังได้ฟังแล้วก็เกิดความพิศวงก็เกิดความสงสัยว่าตัวเองฝันไปหรือเปล่าชายทั้งสี่ก็ได้กล่าวอย่างรู้วาราจิตว่าพระอาจารย์วังไม่ได้ฝันหรอกพวกเขาเป็นพรหมมาภพจริงๆโดยการแสดงกายหยาบให้เห็นเป็นกรณีพิเศษเพราะมีวาสนาบารมีเคยผูกพันกันมากับพระอาจารย์วังในอดีตจึงสามารถแสดงกายหยาบให้เห็นเป็นมนุษย์ได้นะ พระจานทรย์วังได้ถามว่าพวกวิญญาณหรือที่เรียกกันตามภาษ า, า, าบาลีว่าโอปาติกะนั้นนะ่ะมีกายทิพย์ที่มนุษย์ไม่สามารถจะมองเห็นได้โดยตาเปล่าเวลาจะแสดงกายหยาบให้มนุษย์เห็นจะต้องใช้เวทมนตร์คาถาหรือเปล่าพรมทั้งสี่ก็บอกว่าพวกโอปติกะหรือว่าวิญญาณชั้นสูงเป็นต้นวัตถวดาพรหมที่มีฤทธิ์หรือว่าเคยสําเร็จอัปปนาสมาธิมาก่อนในสมัยเกิดเป็นมนุษย์สามารถแสดงกายหยาบได้พูดได้ ทำเสียงต่างๆทำกลิ่นต่างๆได้ทำที่โล่งแจ้งให้ว่างเปล่าให้เป็นป่าไม้ภูเขาได้ล่องหนหายตัวได้แปลงกายเป็นอะไรก็ได้เมื่อทำไปแล้วก็จะสูญเสียพลังทิพย์ต้องมีการเข้ากรรมคือการรักษาศีลเจริญเทวธรรมแล้วก็พรหมธรรมเพื่อจะเรียกเอาพลังอำนาจทิพย์นั้นกลับมาให้เหมือนเดิมที่พิเศษพิสดารก็ได้แก่พวกปีศาจต่างๆได้แก่ผีเปรต เช่นไมฮิต ท, ทิเปรตแล้วก็เปรตอีกหลายอย่างจำพวกที่มีฤทธิ์เป็นผีปีศาจดุร้ายสแสดงกายหลอกหลอนได้ต่างๆนานาสามารถทำร้ายมนุษย์และสัตว์ได้นั้นมีฤทธิ์เดชได้ด้วยผลกรรมเขาเรียกว่ากรรมมวิปากชาฤทธิ์พวกโอปาติกะหรือว่าวิญญาณต่างๆที่มีบุญน้อยและเทวดาบางพวกที่มีบุญยริษน้อยแต่ว่ามีเทวธรรมดีงามจ ะ, สะแสดงกายหยาบไม่ได้เลย แต่สามารถทํากลิ่นได้เป็นต้นว่าให้มีกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นทูบเทียนกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารและทําไม่เกิดเสียงต่างๆได้เช่นเสียงคว้างปาลาหลังคาบ้านเสียงพูดเสียงร้องไห้คําครวญเสียงหัวเราะเสียงลมพายุเป็นต้นแต่แสดงกายหยาบเป็นตัวตนไม่ได้พวกผีวิญญาณโอปาติกะจําพวกนี้มีจํานวนมากที่สุดในโลกวิญญาณพรมทั้งสี่ได้กล่าวต่อไปอีกว่าภูลังกาเนะี่ยมีห้าลูก เป็นเทือกเขาบริเวณกว้างขวา ง, วางหนาแน่นโดยต้นไม้ใหญ่น้อยเป็นสวนสมุนไพรน า, นานาชนิดมีโอสถทสานวิเศษหายากมากไปด้วยคูหาเถื่อนถ้ำลึกลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับพิสดารทางโลกวิญญาณได้แบ่งภูลังกาเป็นเขตภูมิต่างๆเป็นต้นว่าเขตภูมิของพรหมสำหรับพวกพรหมลงมาบำเพ็ญธรรมในโลกเขตหรือภูมิของพวกพญานาคเขตหรือภูมิของปีศาจอสุรกาย เขตหรือภูมิของพวกรับแลคือพวกบางบทหรือว่าคนทันซึ่งเป็นผีจำพวกหนึ่งที่มีกายหยาบใกล้เคียงกับมนุษย์เรียกว่าอะมนุษย์ผีรับแลมีคุณธรรมสูงถือศีลห้าเคร่งครัดจะเป็นเทวดาก็ไม่ใช่จะเป็นผีก็ไม่เชิงจะเป็นมนุษย์ก็กำกำกึ่งกึ่งครึ่งคึ่งกลางๆเพราะมีฤทธิ์พิเศษล่องหนหายตัวได้และสร้างภพภูมิของพวกตนเป็นบ้านเป็นเมืองอยู่อาศัยได้ แต่เมื่อถึงคราวพวกรับแลสิ้นกรรมหมดอายุไขบ้านเมืองของพวกเขาก็หายวับเป็นอากาศธาตุไปทันทีผู้ผีปีศาจทั้งหลายมีความายำเกรงพวกรับแลมากไม่กล้าตอแยผมเห็นเบียดเบียนอะไรพระจานทร์วังพอใจในคำตอบของพวกพรหมก็ถามว่าที่มาในคืนนี้มีกิจธุระอันใด เมื่อพระอาจารย์วังถามว่าที่มาในคืนนี้มีกิจธุระอันใดพรมทั้งสี่ก็ตอบว่าถ้ำชัยมงคลที่พระอาจารย์วังมาอยู่นี้เป็นเขตของพวกพรมที่ลงมาปฏิบัติธรรมอยู่เสมอจึงอยากให้พระอาจารย์วังเคร่งครัดในธรรมวินยัยอย่าล่วงเกินธรรมวินัยเป็นอันขาดเพราะจะได้รับอันตรายจากพวกพญา น, นาคพวกรับแลหรือว่าบังบทแลว้วก็พวกยักษ์ที่รักษาป่าภูเขาเถื่อนถา้า ห้ามฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิดให้ฉันได้ก็แต่อาหารพรมหรือว่าอาหารมังสวิรัตคืออาหารเจเพราะว่าย่านถ้ำชัยมงคลบนภูลังกาเป็นภูมิหรือว่าเขตบริสุทธิ์ของพวกพรมพระอาจารย์วังเห็นว่าคำขอร้องนี้เป็นเรื่องที่ดีงามไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรการไม่ฉันพวกปลาพวกเนื้อของขาวก็ดีเหมือนกันให้พวกสิทธิ์ที่เป็นพ่อขาวหรืออุบอุบาสกสมณี น, นไปหา หัวเผือกหัวมันในป่ามาขบขันแบบฤาษีชีไพยก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ทุกร้อนอะไรดังนั้นท่านก็ตอบตกลงที่จะทําตามคำขอร้องของพวกพรหมด้วยความยินดีไม่ขัดข้องนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาพวกพรหมอีกหลายองค์ก็ผัดเปลี่ยนกันมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์วังอยู่เสมอท่านบอกพระสหธรรมิกร่วมสมัยเช่นหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนว่า เรื่องของพรหมบนภูทังกาเนี่ยเป็นเรื่องลี้รับพิสดารมากไม่อยากจะเล่าให้ใครฟังเลยกลัวเขาไม่เชื่อหลวงปู่งโนนโสรยโยได้เล่าต่อไปอีกว่านอกจากพระอาจารย์วังจะสามารถติดต่อพวกพรหมจากสวรรค์พรหมโลกท่านยังติดต่อกับชาวลับแลหรือว่าบางบทหรือคนทันได้ติดต่อกับพวกพญา น, นาคได้รวมถึงยักษ์หรืออสูรรากสศได้เป็นปกติ เกี่ยวกับพวกพยานาคพระอาจารย์วังได้ตักเดือนพระเนนที่อยู่ด้วยบนภูลังกาในสมัยแรกๆได้แก่พระอาจารย์โงนโสระโยพระอาจารย์คำพระอาจารย์วันอุตโมสามเณรคำพันก็คือพระครูอดุลธรรมพันเนี่ยสามเณรสุบร น, ส, นสามเณรใสยสามเณรอุทยัยมีความว่าภูลังกาเป็นแดนอาถรรเกี่ยวเนื่องผูกพันอยู่กับภพบภูมิผีสางเทวดาสิ่งลี้ลับมีทั้งฝ่ายดีคือสามมาทิฏฐิและฝ่ายชั่วคือมิจฉาทิฏฐิ ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วจับตาดูพระสงฆ์องค์เนรอยู่ตลอดเวลาว่าจะประพฤติผิดศีลผิดวินัยข้อใดบ้างเรียกว่าเขาคอยจ้องจับผิดถ้าพบว่าพระสงฆ์องค์เนนรูปใดทำผิดเป็นอาบัตินี้เขาจะเล่นงานทันทีเป็นต้นว่าทำให้เจ็บไข้าอาพาธอาจจะทำให้พิการหรือว่าตายก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้พระเนนทุกรูปรักษาะศีลทุกข้อให้เคร่งครัดสัมรวมกายสัมรวมวาจาสัมรวมความคิดให้อยู่แต่ในทางบุญกุศล อย่านึกคิดชื่วชั่วลามกจ ก, กเปรดคึกขนองเป็นอันขาดหลังจากที่พระอาจารย์วางกล่าวตักเตือนแล้วไม่กี่วันก็ปรากฏว่ามีพวกงูจำนวนมากได้เลื้อยเพ่นผ่านอยู่ทั่วไปเป็นต้นว่างูหา่างูจงอางงูสิงดงงูเขียวงูเหลือมงูสีสันแปลกแปลกงูเหล่านี้เลื้อยเข้าๆออกๆถ้ำชัยมงคลทำให้พระเนนหวาดกลัวกันมากแต่งูก็ไม่ขบกัดใคร พระอาจารย์วังได้บอกพระเนรและพ่อขาวว่าห้ามทําร้ายงูห้ามดุดาแต่ให้แผ่เมตตาจิตอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้งูทั้งหลายทุกโอกาสที่พบเห็นหรือเกิดการเผชิญหน้าจิตที่เมตตาของเราจะทําให้งูมีความเป็นมิตรไม่ทําอันตรายเพราะว่างูมีประสาทพิเศษสัมผัสทางใจรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ได้ในจานวนงูทั้งหลายที่ปรากฏมีงูประหลาดตัวหนึ่งชอบเลี้ยวเข้าไปหาพระอาจารย์วังในถำ้ำ บางครั้งในเวลากลางวันบางครั้งในเวลากลางคืนเป็นงูใหญ่ขนาดต้นเทียนพรรษาหรือใหญ่โตขนาดต้นหมากทีเดียวลักษณะแตกต่างจากงูทั่วไปที่ลำคอพังพ่านสีแดงจะแผ่พังพานสายงูเงนแล้วก็พงกคํานับสามครั้งพระเนรและพ่อขาวมีความหวาดกลัวงูใหญ่คอแดงตัวนี้กันมากเพราะบางวันจะปรากฏตัวอยู่ที่พลรานหินกว้างขวางทางเดินจงกรมกลางแจ้ง แผ่พังพานโยกไปโยกมาคล้ายไร่รำบูชาฟ้าดินใครที่เดินจงกรมอยู่ก็รีบแผ่นหนีลืมแผ่เมตตาตั้งสติไม่ทันเมื่อพระเนนเอาเรื่องนี้ไปบอกพระอาจารย์วังท่านก็บอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ใช่งูจริงๆหรอกเป็นงูโอปติกะหรือว่าวิญญาณพญานาค น, นั่นแหละเป็นพวกกายทิพย์อยู่เมืองบาดาลหรือว่านาคพิภพเขาเป็นสัตว์ประเสริฐศักดิ์สิทธิน์ น, น, น, น, นะ เขตภูหลังกาก็ดีบึงโขงหลงก็ดีแม่น้ําสีสงครามและแม่น้ําต่างๆอยู่ในเขตปกครองของพญานาคเป็นมรควิถีทางขึ้นลงนาคพิภพทั้งนั้นพญานาคคอแดงเป็นมิตรกับพระสงฆ์องค์เนรเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาและรักษาพุทธศาสนิกชนผู้อยู่ในศีลในธรรมใครไม่อยู่ในศีลในธรรมประพฤติตนเป็นคนเลวเป็นคนพานขี้โมโหโกรธาพวกพญานาคเขารังเกียจเขาจะไม่พิทักษ์รักษา ตกน้ําก็หลายตายตกไปก็ไม่ตายวอดวายไปนับตั้งแต่นั้นมาพระเนรและพ่อขาวก็ไม่ได้หวาดกลัวพญานาคคอแดงอีกต่อไปเพราะรู้แล้วว่าเป็นญาติธรรมในพระศาสนามีความสนิทสนมกับพระอาจารย์วังอย่างลึกลับน่าอัศาจรรย์นอกจากพญานาคแล้วพระอาจารย์วังยังได้พบปากกับชาวลับแลหรือว่าบางบทเรื่องมีอยู่ว่าหลานชายของพระอาจารย์วังชื่อบวร อยากจะบวชเป็นพระแต่อายุไม่ครบพระอาจารย์วังให้นุ่งขาวห่วมขาวถือศีลแปดเป็นพ่อขาวฝึกปฏิบัติธรรมไปก่อนวันหนึ่งบวรไปสแสวงหาต้นตาลในป่าภูลังกาจะเอามาแกงถวายพระเนรในตอนเช้าบวรหายตัวไปไม่กลับมาเลยพระเนนแล้วก็พ่อขาวได้ออกตามหาจนกระทั่งมืดค่ำก็ไม่พบร่องรอยพระอาจารย์วังนั่งสมาธิดูก็พบว่าบวรไปอยู่กับผู้หญิงชาวลับแลอยู่กินเป็นผัวเมียกันเสียแล้ว เป็นไปตามเหตุปัจจัยบุพวาสนาเก่าบันดานให้มาเจอกันเพราะว่าเป็นเนื้อคู่กันบ้านเมืองของชาวรับแลนั้นคล้ายเงาสะท้อนของบ้านเรือนมนุษย์ตามยุคสมัยในถิ่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตามกฎแห่งวิบากกรรมบ้านเมืองชาวรับแลที่ท่านเห็นในสมาธินั้นเป็นบ้านไต้ถุนสูงหลังคามุงหญ้าและแฝกวาบ้านทํด้วยไม้ไผ่หรือว่าใบตองตึงขัดแต่พื้นบ้านก็ปูไม้กระดานห ย, ยาบ แล้วก็ไม้ไผ่สับชาวบ้านรับแลรผู้มีฐานะดีหรือว่าคุณธรรมสูงก็จะเป็นตึกบกปูนหลังคามุงกระเบื้องบางหลังก็มุงด้วยไม้ส่วนฝาบ้านเป็นไม้ประดิษฐ์เป็นตารางสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมงามเรียบเรียบนะบ้านเมืองชาวรับแลรบบังบทไม่มีคนยากจนไม่มีคนขอทานไม่มีโสเพนีทุกคนมีอยู่มีกินสมฐานะมีการทาไร่ไถนามีสัตว์เลี้ยงวัวควายเป็ดไก่หมูหมาแล้วก็วีหกนกกา เป็นสัตว์โอปติกะอบบยภูมิตามกฎวิบากกรรมอันสลับซับซ้อนชาวลับแลมีคุณธรรมประจำหมู่เหล่าคือถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดพูดปีผีปีศาจ ท, ทั้งหลายรักษาศีลไม่ได้ทําให้ชาวลับแรมเป็นผีพิเศษที่มีอํานาจเป็นที่ยำเกรงของพูดปีผีปีศาจ ท, ทั้งหลายชาวลับแรที่เป็นนักพรตหรือว่าฤาษีจะนุ่งขาวห่มขาวเกล้าผมมวยเรียกตัวเองว่าคุรุฤาษีหรือว่าดาบท ว่วหน้าชาวลับแลได้บอกกับพระจานทร์วังว่าเจ้าหนุ่มบวรเนี่ยมาอยู่เมืองลับแลถูกต้องตามจารีตประเพณีจะกลับออกไปไม่ได้จะต้องดําเนินชีวิตเหมือนชาวลับแลทุกอย่างหากทําผิดกฎจารีตประเพณีก็จะถูกขับไล่กลับเมืองมนุษย์เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้จะให้บวรกลับถ้าชัยมงคลไม่ได้พระจานทร์วังก็อับจนปัญญาไม่รู้จะช่วยบวรได้ยังไงจะธิบายให้ญาติพี่น้องฟังเขาคงจะไม่เชื่อเพราะเมืองลับแลนั้พิสูจน์ไม่ได้ ที่เล่ากันก็เป็นเชิงนิยายประดามปราเอาสาระไม่ได้ญาติพี่น้องก็คงจะเชื่อว่าบวรเนี่ยตกเหวตายหรือว่าถูกเสือถูกงูเหลือมกินไปแล้วมากกว่าัวหน้าชาวรับแล ก, ก็บอกว่าพระอาจารย์จะได้คิดวิตกเป็นทุกข์ไปเลยถ้าใครสงสัยเรื่องบวรไปอยู่เมืองรับแล ก, ก็ให้คนนั้นมาที่ภูลังกานุ่งขาวถือศีลแปดมานั่งสมาธิภาวนาอธิษฐานจิตขอให้เห็นเมืองรับแลอยากจะพบบวรก็จะได้พบสมปรารถนาหายสงสยัย โดยกระผมจะให้คนนำทาอังมารับเข้าเมืองรับแลถ้าไม่กล้าเข้าก็ให้เลือกเอาวิธีออกไปยืนกลางแจ้งในเวลากลางวันหรือว่ารังคืนก็ได้ร้องตะโกนดังๆว่าบาวรอยู่ที่ไหนก็จะมีเสียงของบวรตะโกนตอบออกมาจากเมืองรับแลจะซักถามอะไรก็ได้แต่จะพบตัวบวรไม่ได้พระจานทร์วังได้เล่าเรื่องนี้ให้พระเนนฟังดังนั้นในวันต่อมาพระจานทร์งโนสุรโยกับพระเนนและพ่อขาว ก็พากันไปพิสูจน์ออกไปยืนอยู่กลางแจ้งบนภูลังกาในเวลากลางวันร้องตะโกนเรียกหาบวรก็ปรากฏอัศจรรย์มีเสียงบวรตะโกนตอบมาจากตงไม้ในหุบเขาเมื่อซักถามต่างๆบวรก็ตอบได้ถูกต้องชัดเจนว่าเป็นบวรจริงๆไม่ใช่คนอื่นแอบอ้างแต่ประการใดบวรก็บอกว่าเขาอยู่สบายดีมีความสุขกับเมียสาวชาวรับแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวรับแลก็เหมือนบ้านเหมือนเมืองมนุษย์ทุกอย่างชาวรับแลไม่ใช่ผี แต่เป็นมนุษย์เผ่าหนึ่งที่หายตัวได้กับบังตาได้ทําให้มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ยกเว้นแต่ในกรณีที่ชาวรับแลอยากจะให้เราเห็นถึงจะเห็นได้บวรก็บอกอีกว่าเขาพอใจที่จะอยู่เมืองรับแลไม่อยากกลับมาอยู่เมืองมนุษย์เลยขออย่าได้เป็นห่วงเป็นใยใครได้มาอยู่เมืองรับแลแล้วก็ติดใจเพราะว่ามีความสุขกายสบายใจเป็นแดนทิพย์แดนสุขอธิบายไม่ได้อะมาเห็นเองถึงจะรู้ได้โดยตัวเอง อยู่ต่อมาไม่นานก็มีน่มีคนชื่อสวัสด์เป็นชาวอำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรมานุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดปฏิบัติธรรมอยู่กับพระจันร์วังสวัสด์นี้ถือแข่งในการปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิเอาจริงจังมากก็มักจะเล่าให้คนใกล้ชิดฟังว่าเขาจะเขาไปเที่ยวเมืองรับแรงมาแล้วในตอนกลางคืนแต่ไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้อยู่ต่อมาสวัสด์ก็หายไปโดยไม่บอกกล่าวใคร สิ่งของเครื่องใช้บริขารทุดงก็ยังอยู่ที่ถ้าครบไม่ได้เอาไปด้วยกระเป๋าสตังก็ไม่เอาไปพระจานทร์วังก็บอกกับพระเนรในพ่อขาวและสิทธิทุกคนว่าสวัสด์ไปอยู่เมืองรับแลแล้วชาวรับแลให้ความเคารพเลื่อมใสนักพรตฤศีมุนีในภพภูมินั้นเป็นผู้ชักชวนให้เขาไปอยู่ด้วยเมื่อปฏิบัติธรรมไปจนถึงที่สุดสวัสดีจะเป็นผู้สําเร็จคล้ายๆผู้สําเร็จปลอดหรือพวกวิทยาธรกินผลไม้เป็นอาหาร หรือว่ากินลมกินปราณวาโยธาตมีสภาพกึ่งมนุษย์เทวดาไปไหนมาไหนตัวเบาเดินเทา้าไม่ติดดินเพียงแต่นึกอยากจะเหาะก็เหาะได้ทันทีด้วยอำนาจมหัศจรรย์ของฌานสมาบัติบางทีก็เรียกว่าสิทธาโยคีเป็นโยคีมหัศจรรย์สำเร็จไกลวันภูมิหรือว่าอภิญญาริษชอบไปไ ป, ไ ป, ไปมาๆอยู่ระหว่างพื้นพิภพโลกกับดวงอาทิตย์ หลวงปู่ตองถ้ำชัยมงคลภูลังกามีเรื่องผูกพันกับพญานาคและยชาวรับแลอีกมากมายเป็นเรื่องลึกลับท่านบอกว่าเล่าให้ใครฟังไม่ได้เพราะว่าเป็นความลับของฟ้าดินขืนเปิดเผยไปจะเกิดอาถรรพ์ฟ้าดินลงโทษเอาได้ง่ายๆชนิดคาดไม่ถึงอย่างเมื่อไม่นานมานี้ฟ้าขนองเกิดพายุถลม่มภูลังกาฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาที่หม้อแปลงไฟฟ้าห่างจากหลวงปู่ตองประมาณสองวาท่านสลบไปหลายชั่วโมงจีวรถูกไฟไหม้หมดแต่ไม่ตาย กลับพื้นคืนชีวิตมาได้อย่างเหลือเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพญา น, นาคยังคงมีประจักษ์พยานหลักฐานที่จะนํามาเล่าเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวอาจารย์ยอดจะพยายามถอยนําเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังนะจังหวัดชัยนาธนี้มีชื่อเสียงเนยเรื่องเกี่ยวกับนกนะครับเรื่องเกี่ยวกับนกเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งที่คุณวีบูุ์ เล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องเนี้ยลุงคนหนึ่งชื่อลุงชมตอนที่แกเล่านะ่ะคุณวิบูลตั้งอายุแค่สิบสี่สิบห้าเวลาเนี้ยคุณวิบูลอายุเกือบจะหกสิบอยู่รอมารอแล้วอ่าและด้วยระยะเวลาอันยาวนานก็เลยทําให้คนที่เล่าเนะี่ยคือลุงชมนะ่ะแกะไม่อยู่แล้ว่ะคนเล่าไม่อยู่แต่ว่าเรื่องที่แกเล่ายังอยู่ แกเล่าบอกว่าเมื่อหน้าแล้งปีหนึ่งที่หมู่บ้า น, นแห้งแล้งมากขาดน้ำลําคลองแห้งขอดหญ้าขึ้นเขียวอยู่ในคลองที่ไม่มีน้ำชาวบ้านก็เดือดร้อนกันมากวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านก็เป่าร้องว่าจะขุดบ่อตาน้ำกันเอาไว้ใช้บรรเทาความลาบากเลือกที่ขุดได้แล้วคนเฒ่าคนแก่ก็บอกว่าตรงนั้นเคยเป็นบ่อเก่ามีตาน้าน้าดีไม่เหม็นนะ่ะกินใช้ได้สบายสบาย ไอ้ตรงที่จะขุดนั้นเป็ น, ป น, ปนที่ดินของตาคนหนึง่งต้องไปขอแกก่อนแกจะให้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ว่าผู้ใหญ่บ้านเชื่อว่าแกต้องให้เพราะว่าเพื่อส่วนรวมชาวบ้านตาดำๆมานะตาคนนั้นชื่อตาทิวเป็นคนไม่ค่อยพูดค่อยจาไม่ค่อยคุยกับใครชอบอยู่เงียบๆตามลําพังที่บ้านของตัวเองเท่านั้นเองแต่พอผู้ใหญ่ไปพูดไปกับเพื่อนบ้านอีกสองสาคนตาทิวก็ไม่ว่าอะไรอยากจะขุดก็ขุดชาวบ้านเขาจะได้มีน้ํากินน้ำใช้กัน บริเวณนั้นอยู่ที่หลังหมู่บ้านใกล้ใกกอไผ่และใกล้ใกกับบ้านของตาทิวมีทางเดินอยู่ห่างออกไปไม่มากนะักเหมาะสําหรับชาวบ้านจะมาตักน้ําไปกินไปใช้พอถึงวันนัดหมายชาวบ้านก็มากันเยอะทั้งผู้หญิงผู้ชายต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีมาช่วยกันคนละไม้คนละมือผู้จาหยอกเย้ากันสนุกสนานหัวเราะหัวค่อกันดูคึกคักดีทีเดียวขุดไปจนลึกก็ยังไม่เจอตาน้ํา แต่ไปเจอซากสัตว์ตัวหนึ่งครับก็ตื่นเต้นกันมากรุมล้อมดูกันอย่างตื่นตะลึงดูกันแล้วเออมันเป็นซากนกยักษ์ที่ไม่เน่าไม่เปื่อยผุพังนี่ฮะคนที่ขุดเจอคนแรกในยังหนุ่มพอมือเขาสัมผัสเนื้อตัวมันเขาก็รู้สึกทันทีว่ามันไม่ธรรมดาไอ้ที่ว่าไม่ธรรมดาก็คือมันน่ากลัวรู้สึกถึงอันตรายความยุ่งยากมันจะแวบเข้ามาในสมองของเขาคนนั้น ลุงภัยบุญเนี่แกเป็นคนเอะอะ ผ, ผูกผางแกเกิดความอยากได้ขึ้นมาอย่างกระทันหันแกบอกจะเอาไปขายไม่ใช่แต่ลุงไพัยบุญคนเดียวที่อยากจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของยังมีอีกคนก็คือลุงจอมอยากจะเอาไปไว้ดูเล่นที่บ้านตัวเองในเมื่อเกิดมีคนอยากได้ถึงสองคนก็เกิดการแย่งกันโต้เถียงว่าคนไหนหน่าจะได้เป็นคนครอบครองมันนะแต่ว่า เจ้าหนุ่มคนที่เจอซากนกเป็นคนแรกกลับพูดคัดค้านบอกจะเอามันขึ้นมาเลยฝังมันไปอย่างนี้แหละเพราะว่าอรู้สึกยังไงไม่รู้ไม่ค่อยดีแต่ปรากฏว่าเถียงกันแล้วสู้อีกสองคนนั้นไม่ได้อ่ในหนุ่มคนเดียวท่านั้นที่คัดค้านคนอื่นก็ไปเข้ากับอีกสองคนหมดเรื่องนี้ถึงกำนันกำนันผลตัดสินโดยอ้างหลวงพ่อแก่งอ่าสมภารแก่งจะเอาไปไว้วัดให้เด็กๆแล้วก็คนรุ่นหลังได้ดูกัน หลังจากโตเถียงกันอยู่ไปมาสุดท้ายก็ต้องยอมตามความเห็นของกำนันคือเอาไปไว้วัดช่วยกันหามไปอย่างระมัดระวังไม่ได้ล้างเนื้อล้างตัวให้มาแล้วหามกันไปทั้งดินดินอย่างนั้นแหละลุงไพบูนแกอยากได้แต่พอไม่ได้แกก็แช่งด่าเยียดหยามซากนกอีกขยกะไ อ, นนไอ้นั่นไอ้นี่ด่าว่าเสียเสียห้หายแอบเตะซากนกแล้วถุยน้ำลายใส่ด้วยก็อเอาซากนกไปไว้ที่ศาลา ท้ศ า, าลาใหญ่ว่างอยู่ก็เอาไว้ที่นั่นก่อนแล้วค่อยจัดการอีกทีชาวบ้านก็แห่กันไปดูกันเต็มเลยดูแล้วก็ออกความเห็นกันต่างๆนาน า, นาบางคนบอกว่าเหมือนอีกาเพราะว่าตัวมันสีดําอีกคนบอกเหมือนนกกระวาวเพราะมันก็ดําเหมือนกันแต่มันมีกรงเล็บแหลมคมเหมือนกับพวกนกเหยี่ยวแต่ที่สําคัญนะตัวมันใหญ่ยักษ์ยังกับนกกระจอกเทศอ่าก็เลยเรียกกันว่านกยักษ์ คืนนั้นเจ้าเด็กวัดสองคนอยากรู้อยากเห็นว่ามีเสียงแปลกๆ ก, ก็พากันย่องไปดูไปจุดเทียนสองดูไปดูแล้วก็ไม่เห็นมันมีอะไรสักอย่างพอดีตอนนั้นแมววัดมันไล่ตะครุบหนูหนูหนีไปทางซากนกอ่าปรากฏว่าพอหนูผ่านไปตรงนั้นนกก็งับปรับหนูหายเข้าไปในปากนกเลือดหนูยังติดอยู่ที่ปากนกเลย แล้วฉับพลันไอ้แมวที่วิ่งตามไปเนี่ยเสียงร้องแมวทีเดียวแล้วหายไปเลยออมันจับแมวตัวนั้นกินไปอีกตัวหนึง่งเสร็จแล้วเด็กพอเห็นอย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้แล้วอ่ารีบวิ่งกันเลิดเปิดเปิงลงมาจากศาลาไปหาหลวงพ่ออ่าขึ้นไปหาหลวงพ่อไปบอกว่านก ม, มันกินหนูกินแมวว่างั้น หลวงพ่อทีแรกก็ไม่เชื่อพอดีพระในวัดอยู่ด้วยก็เลยพากันลงมาดูปรากฏว่าไม่มีแล้วเจ้านกสีดำประหลาดตัวนั้นมันหายไปจากศาลายัางไงไม่รู้ข่าวเรื่องนกกินแมวนี่แพร่ไปทั่วหมู่บ้านในระยะเวลาไม่นานวันนั้นใครๆก็ต่างไปที่วัดจะไปดูไปถามอะไรกันอึ้งมีไปหมด่ะ แต่ก็ไม่มีอะไรเหลือเป็นอนุสร์แล้วตรงนั้นมีแต่รอยเลือดของแมวหรือหนูไม่รู้อ่ากับเศษดินอ่าที่ติดปีกนกมาเท่านั้นเองตั้งแต่วันนั้นปรากฏว่ามีแมวหลายตัวหายไปจากหมู่บ้านที่แรกก็แมวต่อมาหมาอ่หายไปโดยไม่มีร่องรอยลุงไพบูลในแช่งด่าเสียงขมงโฉงเฉียงอ่า ว่าไอ้นกผีนกเปรตเจอตัวนะจะทอดกระเทียมพริกไทยเอามากินแก้มเล่าเสียว่าอย่างนั้นจะว่าทั้งเมานะไปเจอกระดูกแล้วก็หัวกระโหลกของหมาตัวที่แกรักเนี่ยที่ไอเสือปรากฏว่ามันกองอยู่ในกอหญ้าอยู่ในป่าร้างที่รกเรือต้นไม้สูงใหญ่แผ่กิ่งก้านปกคลุมน่ากลัวห่างไกลไปจากหมู่บ้านสองกิโลเมตร ลุงไพบูลณ์แกโกรธใหญ่อ่าเจ้าหนุ่มที่เจอซากนกเป็นคนแรกเนี่ยโดนลุงไพบูลณ์พูดพาดพิงว่าเป็นเพราะเขาเลยเรื่องร้ายๆมันถึงได้เกิดขึ้นอ่าหมาเขาถึงจะตายอ่าจะให้เขารับผิดชอบเหตุผลก็คือถ้าหากว่าเขาไม่ไปเจอซากนกมันก็คงไม่เกิดเรื่องร้ายอย่างนี้ไอ้หนุ่มนั่นก็เถียงว่าเขาห้ามแล้วไม่เอาซากมันขึ้นมาเขาเตือนแล้วห้ามแล้วคานแล้วแต่ก็ยังเอาขึ้นมา ทุกคนก็เห็นดีเห็นงามด้วยยกเว้นเขาคนเดียวงานนี้พ่กชาวบ้านก็พากันพูดแย่งนมนะไม่ผิดอ่ะอ่าแต่คนผิดก็คือคนที่ให้เอาขึ้นมานั่นแหละแล้วชาวบ้านหลายคนก็เห็นกันว่าวันนั้นน่ะลุงไพบูลแกะเตะซากนกแล้วก็ถมน้ําลายรถอย่างดูถูกเหยียดหยามแถมเรียกซากนกนั้นว่าไอ้ขยะซะอีกด้วยงานนี้ลุงไพบูลก็เลยไม่พอใจใครต่อใครไปทั่วตามประษาคนพันคนอย่างลุงไพบูลน่ะไม่ยอมหยุดอ่ะ หาชาวบ้านเป็นพักพวกได้หลายคนพากันกล่าวหาหนุ่มนั่นว่าคงจะปลุกวิญญาณ น, นกผีเอว่าเขาไปนั่นทั้งที่หนุ่มคนนั้นไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรเลยเมื่อเกิดความขัดแย้งกันขึ้นก็ต้องมีคนไกลเกลี่ยคนไกลเกลี่ยให้เกิดความปรองดองกันก็คือกำนันผลคนที่ให้เอาซากนกไปไว้วัดน่ะด้านไอ้หนุ่มนั้นไม่มีปัญหานะปัญหาอยู่ที่ลุงไผ่บูนเท่านั้นเองอืม กำนันผลไปพูดไปคุยด้วยลุงไพบุญก็พูดไม่เข้าหูยียวนกวนไปมาเพราะแกไม่พอใจกำนันผลตั้งแต่แรกแล้วที่ตัดสินเรื่องเอาซากนกไปวัดมีเรื่องที่คนเท่าคนแก่เล่าสืบเนื่องต่อกันมาเกี่ยวกับเรื่องนกตัวเนี้ยครับที่มันบินอยู่ในหมู่บ้านกลางคืนแต่ว่าเรื่องมันนานชั่วายุคนมาแล้วน้อยนักที่จะรู้คนที่รู้ส่วนใหญ่ก็ล้มหายตายจากกันไปหมดแล้ว สมภารแก่งท่านก็พอจะรู้เรื่องนี้อยู่บ้างเคยฟังมาตั้งแต่สมัยที่ตัวท่านยังเป็นเด็กแก้ผ้าเล่นดินเล่นซายอยู่คนแก่ๆเขามักจะเล่ากันก็พอจะจําได้บ้างอย่างลางเลือนถ้าไม่มีเรื่องนกยักษ์ขึ้นมานี่ท่านก็คงจะลืมไปแล้วท่านนึกทบทวนก็พอจําได้ว่าเคยมีเรื่องเล่าคนสมัยโบรโบราณเขาจับนกตัวนั้นได้แล้วก็ฝังดินเอาไว้มันจะเป็นนกตัวเดียวกันหรือเปล่าท่านก็ไม่รู้เหมือนกัน ก่อนนั้นท่านยังเคยนึกว่ามันก็แค่เรื่องเล่าให้เด็กฟังนกยักษ์ที่ว่าฟื้นคืนชีพขึ้นมานั้นมันก็บินหายไปไม่มีใครได้พบได้เจอมันอีกเรื่องที่ลุงชมเล่าให้คุณเจริญฟังเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเปล่านี่ไม่รู้่แต่ในตอนที่ฟังเนี่ยแกแกเล่าเนี่ยก็เชื่อว่าแกไม่โกหกอะ่ะพอมาตอนนี้ชักไม่แน่ใจแล้ว แต่ก็ยังคิดว่ามันน่าจะมีเขาลางของความจริงปะพลอยู่บ้างเพราะว่าเรื่องเล่าแต่ละเรื่องก็มักจะมีเขามาจากเรื่องจริงแต่อาจจะเกิดจากความผิดเพี้ยนไปบ้างไม่มากก็ น, น้อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เล่ากันมาปากต่อไปากไม่ได้มีหลักฐานการจดจานเป็นตัวหนังสือเอาไว้เป็นหลักเป็นฐานคนเล่าก็าอาจจะพลั้งเผลอเสริมความคิดความเห็นหรือความเข้าอกเข้าใจาเพิ่มเข้าไปบ้ า, ามงมันก็ย่อมจะคาดเคลื่อนไปได้บ้างเป็นธรรมดาครับ คุณนิคมเอกเป็นคนอีสานแต่ว่าตัวแกมาทํางานกรุงเทพปรากฏว่ามีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นที่หมู่บ้านที่แกเคย อ, อยู่ที่ต่างจังหวัดนั่นปรากฏว่ามีคนตายกันหลายคนเลยในช่วงนั้นข่าวมาถึงหูแกทางโทรศัพท์พี่สาวโทรมาเล่าให้ฟังเล่าโดยความหวาดผวากลัวว่าจะเป็นตัวของพี่เขาบ้างนั่นก็เพราะว่าพี่สาวแกอายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วเป็นพี่สาว คนโตอายุหกสิบกว่ากว่าแต่คนเราเห็นคนนั้นตายคนนี้ตายก็อดที่จะใจหายใจความเสียขวัญกลัวตายไปด้วยไม่ได้รู้เปล่าบ้านเราณนะตายกันจังเลยหมู่เนี้หลายคนนะ่ะคนแ ก, แก่ไม่แก่ก็ตายไม่รู้เกิอดอะไรขึ้นตาขาวก็ตายใหญ่ยยแช่มก็ตายตะเด่นอีกคนนึงป้าแต๋วก็ตายแล้วนะตอนแกนอยู่โรงพยาบาลนะไอ้กวงมันไปเฝ้า เฝ้าไปพฝ้ามาอีท่าไหนไม่รู้ไอ้กวงตายซะเองไม่น่าเชื่อใช่มเออแต่มันเป็นเรื่องจริงนะตายฟุบอยู่ข้างเตียงแม่มัน น, นั่นแหละตายเมื่อไหร่ไม่รู้ป้าแต๋อตอนตื่นมาเช้าเนะี่ยปลุกลูกชายเรียกไอ้กวงไอ้กวงไม่ตื่นนะตัวแข็งทื่อไปแล้วป้าแต๋าร้องไห้ช็อกหายหลังตึงเลยอีกเดี๋ยวเดียวก็ตายตามลูกไปด้วยเห็นไหมละ่ะบ้านเราเนะี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้น ให้ที่แก่ตายนะั้มีไอ้แช่มคนเดียวนะ่ะแก่ๆจนหลงไม่ยอมอยู่บ้านตัวเองแต่ไปนอนบ้านป้าอ่อนรู้ใช่ไหมล่ะว่าเขาไม่ค่อยถูกกันน่ะเออนั่นแหละญาติกันแต่ว่าไม่ลงรอยกันไอ้เรื่องทรัพย์สมบัติปู่ย่าตายายแต่ครั้งไหนก็ไม่รู้ไอย่แช่มเนะ่ยแกเกลียดบ้านนั้นมากเลยไม่ยอมพูดไม่ยอมดีด้วยแต่พอหลงเท่านั้นอนะ่ะหอบเสื่อหอบหมอนไปนอนบ้านเขาเฉยเลยบอกว่าเป็นบ้านของแกส่วน บ้านหลังใหญ่เบ้อเร่เอรของแกนะแกบอกเป็นบ้านคนอื่นเขาถามกันว่าบ้านใครแกบอกว่าบ้านไอ้ป๊อกมันไอ้ป๊อกมันก็น้องชายของแกไงล่ะตายไปตั้งแต่ยังนมนมอะ่ะโดนเขายิงตอนไปเที่ยว ง, งานวัดแล้วก็ไปมีเรื่องมีราวกับเจ้าถิน่นยายแช่มนะตอนที่หลงใหม่ๆแกร้องโวยวายทั้งวันเลยเรียกแม่จ๋าแม่จ๋าแม่อยู่ไหนแม่จ๋าบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยหาบ้านไม่เจอนี่บ้านใครก็ไม่รู้อ๋อนี่บ้านไอ้ป๊อกมัน แล้วบ้านและแม่หายไปไหนก็ไม่รู้แม่เลยอยู่ไหนนะั่นไม่เห็นแม่เลยแม่จะมาหาหน่อยยายแชม่มนะแกได้สมบัติส่วนที่เป็นของน้องแกด้วยมรดกจะยกให้ใครก็ต้องได้กับไอ้อองลูกชายป้าอ่อนก็ส่งเสียให้เรียนแกอุปการะเหมือนกับไอ้องเป็นลูกแกหวังฝากผีฝากไข่พอใหญ่แชม่มหลงไปนอนบ้านป้าอ่อนเขาก็สงสารแกแกก็ดีกับไอ้องมากเลย ถ้าไม่ได้แกนะก็ไม่มีปัญญาส่งลูกเรียนบ้านใหญ่แช่มนะมีพวกของเก่าเยอะถ้วยชามรามไห้เก่าๆสังฆโลกรายครามอะไรก็ไม่รู้ใส่ตู้ใบใหญ่ตั้งเอาไว้ไอ้องมาเยี่ยมบ้านจะไปทําความสะอาดปัดขวาดผุ่นพอโปลุ่น้าขึ้นไปก็แทบพลัดตกบันไดมองไปตู้โชว์ที่มันเคยเห็นเต็มไปด้วยถ้วยโถโอชามนะว่างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยสักชิ้นหนึ่งเกลี้ยงเกลาเลยเหลือแต่ตู้เปล่า ไม่มีใครรู้ใครเห็นอะไรเลยเพื่อนบ้านใกล้ๆก็บอกกันว่าคืนก่อนนะ่ะได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่นานมีรถมาจอดหน้าบ้านก็นึกว่าไอ้องกลับมาก็ไม่ได้สงสัยอะไรไอ้องก็เสียดายเพราะยังไงเสียทั้งหมดนั้นก็ต้องตกเป็นของมันอยู่แล้วแต่กลับมาสูนไปเพราะพวกมิจฉาชีพไปแจ้งความตำรวจเข้ามามาแล้วก็จะไปจับมือใครดมได้ต่อมาไม่กี่วันใยญ่แช่มก็ตายแกนอนหลับแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย ส่วนตาเด่นเนี่ยอ่อนพอเยแช่ยมคงไม่กี่ปีเราแกแข็งแรงก็รู้อยู่แล้วแกชอบหาผักหาปลาของแกไปเรื่อยวันนั้นตอนเย็นเย็นก็ไปลงเบ็ดในทุ่งมืดค่าแล้วก็ไม่กลับมาเขาก็ออกไปตามหากันก็ไปเจอแกนอนตายลืมตาโพลงเลยส่องไฟฉายไปก็ตกใจกลัวกันแทบวิ่งหนีแกโดนใครไม่รู้เอามีดแทงสะพุนทั้งตัวตอนหลังเขาจับไอง่าไปเขาว่ามันเป็นคนร้ายมันแค้นที่ตาเด่นไปด่าแม่มัน ก็ตาเด็นแกเห็นแม่มันเข้าไปในสวนของแกไปสอยมะม่วงเอาไปตั้งตะกร้าใหญ่ตาเด็นเจอเขาพอดีก็ด่าบ้าน้อยก็เถียงว่าไม่ได้ลักมาขอซื้อตังหกแต่ไม่เจอเจ้าของก็กะจะบอกวันหลังตะเด็นก็เลยด่าซ้ําไปอีกไอง้งามันก็เลยเจ็บใจแทนแม่มันมันก็เลยดักฆ่าในทุ่งในเขาว่ากันอย่างนั้นนี่ตํารวจเขาก็ยังสอบกันอยู่เลยผลจะออกมายังไงก็ไม่มีใครรู้ได้ แต่ผีจะเด่นนี่สิหน้ากลัวจังหลอกคนไปหลายคนแล้วพวกหาปลาไม่กล้าไปกันคําๆอ่ะถ้าไปเป็นต้องเจอแกนั่งบงังยืนหันหลังให้บงังบางทีก็เห็นแกกําลังเดินอยู่ข้างหน้าไกลๆน่นเห็นแค่นั้นก็ผวากันแล้วนะบางทีนะแกมาลืมตาปลงใกล้ๆนี่ช็อกเลยตอนนี้กลัวกันหัวหดไปหมดตาขาวอีกคนก่อนนั้นก็เคยมาทําอะไรให้บ้านเราใช่ไหมล่ะก่อนเนี้ยจ้างแกมาตัดต้นไม้มั่งกิ่งไม้มั่ง ให้แกผ่าฟืนที่ตัดนั้นมาหุงข้าวบ้างอะไรบ้างหลังคารั่วก็ให้แกซ่อมให้แกเป็นสารพัดช่างก็หนุ่มๆแกไปทํางานอยู่กับพวกก่อสร้างแกก็ทําเป็นนะสิช่วงหลังๆนี่แกแก่ทําไม่ค่อยไหวปีนป่ายไม่ค่อยคล่องแคล่วเหมือนก่อนก็เลยไม่ได้จ้างแกเวลาแกอยู่บ้านเขาว่าแกก็ทําของแกซ่อมโน่นซ่อมนี่ที่บ้านตัวเองไปเสร็จแล้วพอพออยู่มาวันหนึ่งก็ไม่กี่วันนี้แหละ แกเกิดต้องปีนขึ้นไปปะหลังคาที่มันเป็นช่องโหว่นั่นแหละเพราะลมพายุฝนฟ้าขนองมันพัดเปิดหลังคาแกเป็นช่องเอาถังกสีไปทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้แกก็เลยต้องขึ้นไปทําก็อย่างว่านั่นแหละแกแก่แล้วนี่จะไปแข็งแรงเหมือนเก่าก่อนได้ยังไงมันก็ต้องเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นมาคนไปเห็นอีกทีแกนอนกองอยู่ที่พื้นไปเรียบร้อยแล้วคนที่ไปเห็นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะไอ้เบิร์ตหลานแกนั่นแหละ ให้เบิร์ตตะโกนเรียกคนเสียงลั่นไปหมดเลยตอนนั้นแกยังไม่ตายนะเขาจะเอาแกไปหาหมอแต่แกคงจะรู้ตัวนะแกไม่ไปแกสั่งเสียถึงลูกชายแกไอเก่งให้มันทำตัวดีๆอย่าไปเที่ยวมีเมียไว้ที่โน่นที่นี่คนเขาเจ็บใจเดี๋ยวเขาจะฆ่าจะแกงเอารู้ใช่ไหมล่ะว่าไอเก่งลูกชายแกคนนี้มันมีนิสัยยังไงเจ้าชู้เป็นบ้าเป็นหลังเชียวทาผู้หญิงท้องแล้วก็ไม่ยอมรับหนีไป กี่คนมาแล้วอ่ะขนาดที่บ้านเราเองนี่ปาเข้าไปทั้งสี่คนนะ่ะดูเถอะทั้งที่รู้กันอยู่วันนี้ใส่มันเป็นยังไงผู้หญิงก็ยังอุตส่าห์ไปยอมมนันอีกไอ้นี่มันปากหวานแต่มันร้ายหาตัวจับยากเลยก็แล้วกันไม่มีใครสู้มันได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครอื่นนอกจากผู้หญิง่ะที่มันเกิดไปข้องเกี่ยวกับเขาแล้วพอเขาตายกันมากๆอย่างนี้ก็ชักไม่ไหวแล้วบอกตรงทงว่ากลัว ไอ้นกเข้าแมวเอ้ยนกแสกเอ้ยก็มันคอยจะมาร้องอยู่บนหลังคาร้องทีไรอกใจไม่อยู่กันเนื้อค่ะตัวไม่เจ็บไม่ป่วยก็เหมือนกับว่ามันจะหายใจไม่ออกขึ้นมาซะดื้อๆอย่างนั้นแหละนี่จะเล่าให้ฟังนะไอ้นกแสกมันบินพรอดเข้ามาในบ้านกำลังดูละครกันอยู่ตกใจต้องให้อวัดไล่มันไปมันไม่ยอมไปไหนมันเกาะอยู่ที่คือแล้วก็มองดูฉันนี่ตานี่มันน่ากลัวมากเลยก็บอกไอ้วัดมึงไล่มันไปสิไอ้วัดก็ส่งเสียง อ่าก็บอกให้วัดไปเอาไม้มามันก็ไปคว้าไม่ขวาดดามยาวไม่ถึงมันก็เลยโยนใส่ไม่โดนมันหรอกมันก็ไม่กลัวไม่มองใครเลยอมองแต่ฉันคนเดียวเท่านั้นแหละจ้องคเหมิงแลตามันน่ากลัวที่สุดแล้วเล่าแล้วขวนลุกเกลียวเลยนี่แล้วไงรู้ไหมอ่ฉันก็เลยต้องบอกให้วัดะเอาหนังสติ๊กยิงมันเลยไอ้วัดก็เอาหนังสติ๊กมาใส่ลูกกระสุน ยิงมันขึ้นไปเลยปังโดนหลังคามันตกใจเลยบินหนีออกไปตอนที่ออกไปยังส่งเสียงร้องด้วยตอนเช้าเข้าโรงพยาบาลเลยฉันจับไข้หนักนะ่ะปางตายเหมือนกันมันมาทุกคืนเลยร้องแซก๊กแซก๊แซ ก, ซกอยู่มันวนเวียนบนไปเวียนมาเหมือนกับอยากจะมาเอาฉันไปเขาว่ามันร้ายมากเลยนะพวกนกแทกนกเขาแมวอะไรพวกนี้มันนกผีฉันนักกลัวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วได้ยินมันคืนไหนก็นอนไม่หลับคืนนั้นน่ะ แม่เราอะ่ะจําได้ครับเปล่าอะนกพันอย่างเงี้ยร้องที่ไรแม่ป่วยทุกทีอะคนแถวแถวบ้านเราเขาก็กลัวมันมากเลยเขาถือกันด้วยว่าทํามันไปร้องบ้านใครก็จะพาเรื่องไม่ดีไม่งามมาสู่ฉันก็สวดมนต์ทุกคืนก็บอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางถ้าเห็นไอ้นกพวกนี้มาก็ขอให้ท่านช่วยไล่มันไปไกลๆเลยจะไปร้องที่ไหนก็ไปร้องเถอะป่าเขาลําเนาไพรก็ไปร้องอย่าเที่ยวมาร้องตามบ้านคนเขาเขากลัวกันปราเชิดนะ่ะทั้งเกลียดทั้งกลัวมัน พอได้ยินมันนะบางทีกลัวจนไม่กลัวร้องด่ามันไปเลยส่งเสียงไล่เอตโรเพื่อนบ้านนี่ตกใจกันหมดกลางดึกกลางดืงนนะ่ะถ้ามันมาเมื่อไหร่แกด่าเมื่อนั้นอนะ่ะบางทีเอาท่อนไม้ควเงเข้ไปบนหลังคาแกว่าอีตอนที่ด่ามันหรือว่าตอนเอาไอ้ท่อนไม้โยนใส่มันนะ่ะแกขนลุกเกลียวเกลียวไปหมดพออยู่มาวันนึงหลังจากโกลดด่าไล่มันตอนกลางคืนเช้ามาแกล้มเจ็บเกือบตายทุกคนเลยนะ ที่ตายตายกันนะไม่ไว่ายา่แช่มตะเด็นปัาแตวหรือตาขาวลองถามคนในบ้านแล้วไอ้นกแสกนกเขาแมวเนี่ยมันจะมาร้องที่บ้านก่อนแล้วไม่กี่วันคนบ้านนั้นก็ตายครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่พี่สาวคุณนิคมโทรมาเล่าให้คุณนิคมฟังครับว่ามีเรื่องแปลกๆอะไรเกิดขึ้นที่บ้านของแก ที่ใกล้ๆบ้านยาที่อยุธยาเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดตะบูญตำบลไส่น้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีธิยาเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาเป็นร้อยปีแล้วแล้วต่อมาก็กลายสภาพเป็นวัดร้างมีซากเจดีย์ใหญ่ปรากฏอยู่ชื่อวัดก็เรียกแตกต่างกันไปบางคนก็เรียกวัดเหนือวัดใต้วัดกลางวัดเจดีย์หักอ่า แล้วก็มีคนเฝ้าวัดชื่อตะบูนชาวบ้านก็เรียกวัดตะบูนเมื่อประมาณสี่สิบปีมาแล้วสภาพวัดไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้คือทรุดโทรมมากเวลาชาวบ้านจะเดินทางมาทำบุญจะต้องเดินทางโดยทางเรือเพราะว่ายังไม่มีถนนพระภิกษุจะบินบาตัานก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะคุณปู่ของเพื่อนคุณสมควรเล่าบอกว่าสมัยก่อนวัดตะบูนเนี่ยผีดุที่สุดเลย ตอนที่แม่ของท่านมาขอร้องให้บวชคุณปู่ก็ตอบตกลงทันทีเพราะเข้าใจว่าพ่อกับแม่ต้องการเห็นลูกชายบวชเป็นพระแต่พอรู้ว่าจะต้องไปจำพรรษาที่วัดตะบูนก็ถึงกับเข่าอ่อนอ่าปู่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแม้ว่าปู่จะไม่เคยถูกผีหลอกแต่ยอมรับว่าเป็นคนกลัวผีที่สุดในเวลานั้นพระอาจารย์ปโปรง่งท่านเป็นสมภารวัดตะบูนปู่เคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันพระอาจารย์ท่านมีวิช า, าคม แต่ถึงกระนั้นก็ยังกลัวผีอยู่นั่นแหละวันแรกที่บวชเป็นพระปรากฏว่าสมพันน์ไล่ให้ปู่ไปนอนที่กุฏิหลังเล็กติดกับกดังเก็บศพพอได้ยินอย่างนั้นนหัวใจเกือบจะหยุดเต้นเพราะว่าเคยได้ยินมาว่ากุฏิหลังนั้นทํามาจากไม้หลงผีใครเข้าไปนอนที่กุฏิหลังนั้นจะต้องโดนผีหลอกทุกรายแต่จะปฏิเสธหรือใบเบี่ยงก็ไม่ได้เพราะว่าพระอาจารย์ปโปร่งนี้ทันดุมาก ปู่ก็เลยยอมลงทุนจ้างเด็กวัดให้มานอนเป็นเพื่อนแต่ไม่มีใครกล้าเลยสักรายคุณสมควรก็ถามคุณปู่ผีมันกล้าหลอกพระด้วยเหรอปู่ก็บอกว่าพระบวชใหม่ผีมันไม่กลัวหรอกตรงเงินข้ามมันกลับมีความภาคภูมิใจซะอีกอเราต้องเข้าใจว่าผีไม่เคยกลัวพระนะแต่สิ่งที่ผีกลัวคือวิชาอาคม ระหว่างพระที่ไม่มีวิชาอาคมอะไรเลยกับคนธรมธรมดาธรรมดาแต่มีวิชาอาคมเนะี่ยผีมันก็กลัวคนมากกว่ากลัวพระอีกนะจะบอกให้รู้คืนนั้นปู่นอนไม่หลับมีความรู้สึกเหมือนกับมีคนเดินรอบมุงเวลาได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงนั้นดังมาจากหัวนอนจะปู่ก็ไม่กล้าลุกขึ้นมาดูคืนนั้นก็เลยเป็นคืนที่น่ากลัวมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ปู่ตัดสินใจเรียนวิชาอาคมกับพระอาจารย์โดยเฉพาะวิชาสกปรูดผีปีศาจนั่นแหละ คือเรียนด้วยความกลัวผีอ่ะคุณสมควรก็ถามปู่ว่ามีวิชาสะกดพูดผีปีศาจด้วยเหรอปู่บอกว่าวิชานี่มันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วสมัยพุทธกาลผีตัวไหนหลอกพระสงฆ์ถือว่าเป็นบาปมหันต้องตกนรกหมกไหมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดทีเดียวปรากฏว่าวันนั้นพระอาจารย์ไปกรุงเทพปู่ก็ไปนอนเฝ้าในกุฏิของท่านประมาณสักห้าทุ่มเษมันยังไม่ง่วงก็เลยหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน จนกระทั่งนาฬิกาตีบอกเวลาหกทุ่มก็เลยคิดว่านี่เวลามันดึกแล้วก็วางหนังสือลงจุดทูบเทียนบูชาพระตั้งใจว่าจะเข้าสมาธิปรากฏว่าพอจุดทูบบูชาพระก็เกิดอาการแปลกๆบังคับตัวเองไม่ได้อธิบายยากมากอาการแบบนี้เคยเกิดมาแล้วอญานในตัวนี่บอกบอกว่าผีมันแกล้งผีจะแสดงริษเด็ดถ้าผีจะเอาจริงโดยมากมักจะทําแบบนี้ก่อนคือให้ตกใจมีความหวันว่นหวั่น แต่ว่าเรื่องนี้มันชินซะแล้วโดนมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติว่ารู้อาการพอบังคับให้ขนหยุดลุกไม่ได้ก็เลยนึกในใจว่าเจ้าผีอะไรสักตัวหนึ่งมันคงจะเล่นงานมองไปมองมาก็ไม่เห็นมันมันเก่งเหมือนกันก็เลยพูดดังๆบอกว่าถ้าเก่งจริงก็แสดงตัวให้ปรากฏสิพอพูดจบมันก็แสดงตัวเดินออกมาจากหลังที่บูชาพระเป็นพม่านุ่งสโรงผ้าโพกหัวมายืนอยู่มันก็ ก็บอกว่านั่งลงอย่ามาทำยืนเก๊ๆกลางๆพระอย่างฉันไม่ธรรมดานะถ้าผีดีในะฉันเมตตาหรือว่าฉันบูชาเหมือนกันแต่ถ้าผีไม่ดีเนะี่ยจับสองขาฟาดมาหลายสิบรายแนละ้วขู่ขู่ผีส่งก็เปไปนั่นอ่าความจริงไม่เคยเจ้าผีก็ว่าง่ายยอมนั่งลงกยกมือไหว้ปู่ปู่ถามว่าเห็นฉันเป็นพระหรือเป็นเปรต ผีตัวนั้นก็บอกเขาเห็นท่านเป็นพระถึงได้แสดงอนุภาพลองดูแต่เห็นเป็นเปรตไม่กล้าเข้ามาใกล้หรอกครับผมรังเกียจเปรตปู่ก็เลยบอกว่าแกเป็นผีแล้วไม่ชอบเปรตหรอกเหร อ, ก, หรอ ก, ก็พวกเดียวกันไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกผีน่ะมันมีหลายชั้นพวกเปรตก็มีอสุรกายก็มีพวกสัมภเวสีก็มีแล้วก็เทวดาก็มีภูมิมะเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาพรมอ่าเสร็จแล้วชาวบ้านนะเรียกผีหมดอนะ ปู่ถามว่าแกเคยเป็น่าแกเป็นผีพวกไหนอ่ะเขาก็บอกว่าเขาเป็นอากาศเทวดาถามว่าอยู่ชั้นไหนก็ตอบว่าอยู่ชั้นปรานิมมิตวัสวัตตีก็เลยบอกว่าเทวดาชั้นปรานิมิตวัสวัตตีเนี่ยเขามัได้นุ่งสรงนี่แกนุ่งสรงพวหัวนี่ฉันไม่เชื่อเขาก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อจะแสดงภาพเทวดาให้ดูพูดจบก็กลายเป็นเทวดาสวยมากคราวนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสปู่ก็เลยถามว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง เขาก็บอกว่าหัวกะโหลกผมมาอยู่ใต้โต๊ะบูชานะครับนี่มลล้วง อ, ออกมาหัวกะโหลกสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ปู่ก็เลยดึงหัวกะโหลกออกมาหัวกะโหลกบเบ้อเจ้าโตขวบบาทอีกปู่ถามว่าหัวกะโหลกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขาก็บอกว่าสมัยที่พม่า ก, กับไทยรบกันเนี่ยเขาถูกเกณฑ์ให้มารบแต่ความจริงนะ่ะเขาไม่ได้เต็มใจมาหรอกเมื่อเขาเกณฑ์ก็ต้องมา ถ้าไม่มาก็หมายความว่าตายเจ็ดชั่วโคตรสมัยนั้นมีเกณฑ์บังคับว่าฆ่ากันเจ็ดชั้นหของคนเลยอ่าชั้นบนก็ขึ้นไปถึงทั่วชั้นล่างก็ลงไปถึงหลานเรียกว่าตระกูลนั้นทั้งตระกูลเนี่ยจะไม่มีใครเหลือถ้าขืนไปฝ่าฝืนเมื่อเขาเกณฑ์ให้มารบก็มารบขณะที่มารบก็ตายอยู่ข้างกำแพงเมืองสันบุรีเสร็จแล้วปู่ก็ถามว่าอ่าแก คนมารบ ก, กันเนี่ยเวลาตายมันน่าจะลงนรกทำไมตายไปเป็นเทวดานะเขาก็บอกว่าตามปกติผมเป็นฆราวาสตอนที่ไม่ได้มารบเนี่ยผมเป็นชาวบ้านนะสมัยนั้นพระพุทธศาสนายัางรุ่งเรืองผมอยู่ที่พมา่าเน่ะผมก็นับถือพระพุทธศาสนาเจริญฌานสมาธินะแต่ทีนี้ผมมาเพราะว่าเขาเกณฑ์มาเนี่ยไม่ได้มาด้วยความเต็มใจเขาให้มารบก็ต้องมารบเขาให้ตีก็ต้องตีเขาให้ฟันก็ต้องฟัน แต่ว่าจิตใจของผมนะ่ยผมไม่เคยทิ้งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณละ่ะนึกถึงแต่พระคุณคุณพระคุณเจ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอแล้วตั้งใจไว้ว่างานที่ทํำนี่ไม่ได้ทํำในความเต็มใจอ่าทาไม่ทําตัวคนเดียวตายก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าขืนไม่ทำมาญาติตั้งแต่ญาติเล็กญาติผู้ใหญ่จะตายหมดเรียกว่าโคตรทั้งโคตรจะไม่เหลือคนอื่นที่ไม่ได้มีความผิดก็จะพลอยตาย ก็เลยต้องตัดสินใจมากับเขาผมก็ไม่ได้เต็มใจรบเนะ่ะปู่ถามว่าขณะที่รบนะ่ะฆ่าใครตายบ้างหรือเปล่าเขาบอกว่าผมมาคราวนี้คราวเดียวไม่ทันจะฆ่าเขาหรอกเวลาเขาสั่งให้เตรียมแพงเมืองผมก็นั่งปลุกตัวไอ้คําว่าปลุกตัวนะั้ไม่ได้ปลุกอะไร น, ะนั่งเข้าฌานพอจิตเป็นฌานก็คลายออกมาก็คิดว่าข้าพเจ้าเอ่อถ้าข้าพเจ้าเคยฆ่าหรือว่าเป็นศัตรูกับใครเคยจองล้างจองผลาญใครมา ถ้าหากว่าจะต้องทํากันไปก็ให้ทําเฉพาะถูกคนนั้นแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ตั้งใจจะฆ่าใครหากว่าคนใดที่เขาเคยเป็นศัตรูข้าพเจ้าเคยจองเวรจองกรรมกันมาถ้าเขาฆ่าข้าพ เ, เจ้าตายก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมกันตอนนั้นเขาตีกลองรบเขาก็สั่งให้ปีนกาแพงเมืองก็วิ่งเข้ามาไม่ทันจะถึงกาแพงบถึงข้างคูเนี่ยปรากฏว่าถูกยิงกราดตายไม่ทันได้ตีได้ฟันกัใครจิตใจยังนึกถึงพระ เวลาตายแล้วผมก็เลยไปเป็นเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัตตีตามผลของญาณที่ได้ทำไว้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วปู่ก็ยังไม่กล้า ย, ยืนยันว่าในวัดนี้ยังมีผีหลงเหลืออยู่หรือเปล่าปัจจุบันนี้วัดตบูนเปลี่ยนชื่อเป็นวัดปราสาททองเรียบร้อยนะครับพร้อมกับตำนานความน่าสะพึงกลัวของผีหม่องก็ถูกลบเลือนไปด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องจากอายุธยาครับ มาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังก็เกิดใกล้ๆวัดตะบูนแต่ละเพราะวัดตะบูนมีทั้งผีดีผีร้ายอ่าแตเเเ่เรื่องนี้ผีร้ายครับเป็นตำนานเก่าแก่น่ากลัวเชียวของวัดตะบูนเขาเล่ากันว่านานมาแล้วที่หลังวัดนมีหมู่บ้านเสร็จแล้วมีเด็กหลายคนหายตัวไปอย่างลึกลับพ่อแม่ตามหาก็หาไม่เจอเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้ไม่เจอร่องรอยไม่เจอศพจนเชื่อกันว่าผีเอาตัวไปก็เป็นที่หวาดกลัวกันอย่างมาก ก็มีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งผัวชื่อในทรัพ์วันหนึ่งก็นอนหลับฝันไปว่ามีจอมปลวกใหญ่โตน่ากลัวอยู่ใกล้ๆบ้านตื่นเช้าก็เล่าให้เมียฟังเมียก็สายหน้าไม่เชื่ออ่าหาว่าผัวฝันไม่เข้าเรื่องเขาราวกินมากเขฝันมากที่นี้อยู่มาวันหนึ่งมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อปานใช้หนังสติกยิงอ่านกพิราบยิงโดนมันบาดเจ็บบินหนีมาเด็กก็ไล่ตามเสร็จแล้วก็วิ่งมาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นหนุ่มที่ชื่อในมาศ ในมาดเดินผ่านมาทางนั้นพอดีอ่าคือทางสวนหลังบ้านของสองผัวเมียที่ว่าเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ได้ยินเสียงบุปผปาบบุปผาบอยู่ในซุ้มเชิงเสาวันอ่าหนาไอ้หนาทึบเจในมาก็หันไปดูแต่ไม่เห็นอะไรได้ยินแต่เสียงนกร้องเหมือนกับถูกงูรัดเสร็จแล้วเด็กชายปานคนที่ว่าก็วิ่งหน้าตื่นตามนกมาก็ถามเขาว่าเห็นนกพิราบไหม มันมาตกแถวนี้หรือเปล่าเขาก็บอกไปว่ามีเสียงดังในป่าเนะี่ยเสร็จแล้วเขาก็เดินไปเด็กก็เข้าไปดูอ่ารู้สึกกลัวเพราะมันมีเสียงแปลกๆน่ากลัวก็ถอยหลังไม่ไม่เข้าไปอ่ะรีบวิ่งกลับบ้านแต่ยังไม่ถึงบ้านก็วิ่งไปทันกันในมาสที่กําลังเดินอยู่มาสก็ถามว่าเจอนกไหมเด็กผู้ชายก็เล่าให้ฟังว่ามีเสียงคํารามฮึ้มฮึ่มน่ากลัวมากอ่าในมาสก็ถามว่าเสียงอะไรเด็กก็บอกไม่รู้เสียงอะไรแต่มันน่ากลัวมาก ในมาดได้ยินที่เด็กชายปานเล่าก็หัวเราะเพราะว่าเขาไม่เชื่อเขาคิดว่าเออ่เด็กชายปานนี่หวาดกลัวไปเองมากกว่าที่นี้คืนต่อมาในทรัพย์เจ้าของบ้านนั้นก็ฝันอีกว่ามีจอมปลวกอยู่ในสวนหลังบ้านจริงๆตอนเช้าก็เล่าให้เมียฟังอีกอ่ะเมียก็ว่าผัวฝันอยู่ได้สองคืนสามคืนเออโดยความอยากรู้ในทรัพย์เจ้าของบ้านก็เลยจะไปดูเอง เมียก็ด่าว่าไม่เข้าเรื่องก็ทำให้เขาโมโหเมียก็ปึงปังลงบันไดเกิดพลาดตกลงไปอบาดเจ็บขาบวมเดินไม่ได้สมนำหน้าหาเรื่องใส่ตัวเองอยู่ดีไม่ว่าดีตอนดึกสงัดคืนนั้นในทรับก็ปวดขานอนไม่หลับได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากสวนเหมือนกับเสียงคำรามเหมือนกับคนโกรธจัดนะน่ะเขาก็ผนกผงกหน้ามองเห็นแสงแดงๆสองดวงแต่ละดวงโตเท่ากําปั้นน่ะ ต่อมาก็เห็นร่างสูงใหญ่ดำมืดยังก็ยักยืนอยู่ไม่ห่างจากบ้านเขาก็รู้สึกกลัวมากคล้ายๆมันมองมาทางเขาด้วยก็รีบฟุบหน้าลงไม่ให้มันเห็นสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันทาให้เขานอนไม่หลับจนกระทั่งเช้ า, า, ชาพอตอนเช้าเขาก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ใครฟังก็ได้ยินข่าวร้ายว่าเด็กชายปานหายไปมีรอยเลือดหยดเป็นทางเด็กไม่ได้นอนบนเรือนแต่นอนที่โรงเฝ้าควายนอนอยู่กับตา ตาเขาก็ตกเย็นก็กินกินน้ำตาลเมาเมาแล้วก็หลับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอ่ะชาวบ้านตามรอยเลือดกันไปมันหยดไปทางสวนหลังบ้านในทรัพย์พอเข้าเขตสวนก็หายไปที่นี้ในหนุ่มมาศก็คิดถึงเรื่องที่เด็กชายปานเล่าว่าได้ยินเสียงคำรามในซุ้มทวันก็เลยบอกคนอื่นๆให้รู้ชาวบ้านกลุ่มใหญ่ก็พากันเข้าไปดูก็เห็นว่าในซุ้มนั้นนะมีต้นมะม่วงใหญ่สองต้นคู่กัน เถาวันนี่คลุมถึงกันมะม่วงแก่และต้นสูงใหญ่เชียวภายใต้ซุ้มเถาวันนี่ก็มีจอมปลวกสีดำสูงใหญ่น่ากลัวมากขนาดยังกับภูเขาย่อมๆเลยแล้วที่ทําให้ทุกคนเห็นแล้วตัวชาก็คือมีกองกระดูกอยู่ข้างๆจอมปลวกนั้นด้วยมีหัวกระโหลกเล็กๆของคนอีกหลายหัวซากนกซากหมาซากแมวมีทั้งนั้นเสร็จแล้วมีซากกระดูกที่ยังใหม่ๆอยู่น่น่าจะเป็นของเด็กชายป่าน พอในทรัพย์เจ้าของบ้านนะรู้เรื่องเขาก็เล่าสิ่งที่เขาเห็นเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อนบ้านพังก็ทําให้พวกชาวบ้านลงความเห็นว่าจอมปลวกนี่เป็นจอมปลวกผีสิงแน่ก็เลยพากันไปหาหมอผีมาทําพิธีไล่เสร็จแล้วก็ช่วยกันขุดทําลายเผามันจนสิ้นซากเอาน้ำมนต์มาพรมอ่าเอาพระมาสวดส่วนกองกระดูกนั้นก็นําไปฝังในป่าชานั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆครับเรื่องน่ากลัวเรื่องเล่าชาวบ้านครับ เรื่องแปลกๆเรื่องนี้คุณบัญชาเป็นคนเล่าให้ฟังครับเขาเล่าว่าตอนที่ยายตายเนะ่ะแกยังเป็นเด็กอายุสิบกว่าขวบสมัยนั้นเขาอาบน้ําศพกันทั้งตัวเลยแกก็กลัว ม, มากเมื่อเห็นเขายกร่างยายออกมาจากที่นอนซึ่งยายนอนเจ็บมาหลายเดือนด้วยโรคที่ทําให้ยายเจ็บปวดร้องโวยโว ย, โ ย, โยมาโดยตลอดนักเขยบอกว่ายายนะถูกกุญสัแกไปตามหมอมารักษา หมองอีกแกผมออกเลยทําพิธีเป็นการใหญ่ท่องมนเสียงงึมงําเงึมงิน่ากลัวมากคุณบัญชาดูอยู่พักหนึ่งก็กลัวทนไม่ไหวก็รีบเพ่นหนีลงเรือนไปอยู่ที่ลานนวดข้าวแต่แล้วด้วยความอยากรู้ก็ย่องย่องขึ้นบันไดมาดูอีกก็เห็นแกใช้มีดหมอ ส, สับไปตามเนื้อตามตัวแข้งขาของยายด้วยปากก็ท่องคาถาไม่ขาด ทุกคนนั่งดูกันเงียบกริบเลยไม่ว่าแม่หรือน้าก็ตามตัวของยายเองก็นอนนิ่งกลิ่นธูปวันเทียนเพิ่มความน่าขนพองสยองกล้าวมากขึ้นขณะทำพิธีนี้ก็เป็นเวลาราวๆสี่ห้าโมงเย็นคุณบัญชาก็รู้สึกว่าเย็นวันนั้นมันเงียบมันวังเวงจริงๆทำให้รู้สึกอึดอัดมากเสร็จ แ, แล้วหมอก็บอกว่ามีคนเขาปล่อยของมาพอดียายดวงตกก็มาเข้า แต่ว่าไม่ต้องกลัวได้จัดการเอาของนั้นออกไปแล้วหมอกลับไปลงเรือนไปปุ๊บเดียวยายก็ปวดอีกก็ได้หาหมอรักษาคุณใสมาอีกคนก็ทําพิธีรักษาอย่างเอาจริงเอาจังแต่ยายก็ไม่หายแรกๆพูดกันแต่ว่ายายถูกคุณใสไม่มีใครพูดถึงมะเร็งเลยแต่ตอนหลังคุณบัญชาก็ได้ยินแม่พูดว่ายายเป็นมะเร็ง ยายเป็นคนอ้วนท้วนแก่มากเดินไปไหนก็ใช้ไม้เท้าช่วยค้ำยันประคองตัวนุ่งจงกระเบนเสื้อคอกระเช้าอ่าไปไกลๆถึงจะใช้เสื้อที่มีแขนแกชอบไปคุยบ้านเ ย, ยสมเพื่อนเก่าเพื่อนแกคบกันมาตั้งแต่เด็กเล็กๆบ้านอยู่ห่างกันสามหลังคาเรือนสมัยเด็กก็คงจะเคยวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานก่อนที่ยายจะเดินไม่ได้เนี่ยยายก็ไปคุยบ้านเนี้ยเป็นประจํา ส่วนใหญ่ก็ไปตอนบ่ายๆไปคุยกันที่แคร่เป็นแคร่ไม้อยู่ใต้ต้นมะม่วงเย็นนั่นแหละถึงได้คขำไม้เท้าปุกๆเดินกลับบ้านวันนั้นยายออกมาจากบ้านเยโซมถนนดินสูงกว่าพื้นที่บ้านต้องเดินขึ้นที่ชันยายแข้งขาไม่ค่อยดีก็เกิดล้มก้นกระแทกตัวแก่ใหญ่น้ําหนักมากก็เลยทําให้ผลที่ออกมามันหนักหนา ตั้งแต่วันนั้นยายก็เดินไม่ได้หมดโอกาสไปคุยบ้านเพื่อนเก่าแต่ว่าเพื่อนเก่าอย่างยายโสมก็กระย่องกระยยงมาเยี่ยมมาหาทุกวันแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะยายมัวแต่เจ็บปวดทรมานอยู่แม่และนา้นาๆของคุณบรรชาก็หายามารักษายายทั้งกินทั้งทาใครว่าที่ไหนดีหมอไหนเก่งก็ดันดุ น, ดนไปขอยาไปตามตัวหมอมารักษาหลายหมอมากเลย ที่ขึ้นขึ้นลงลงบันไดบ้านเนี่ยต้มยากันเป็นหม้อห อ, อกินกันเป็นถ้วยถ้วยชามชามเลยละ่ะแต่ว่าไม่ได้ไปโรงพยาบาลคุณบัญชาก็ถามแม่ที่หลังว่าทําไมไม่พายายไปแม่ก็บอกว่าที่จังหวัดนยังไม่มีโรงหมอเพิ่งจะมามีในต่อหลังเสร็จแล้วในที่สุดยายก็จากไปเคารดน้ําศพกันตอนเย็นคุณบัญชายืนดูห่างห่างก็กลัวมาก เห็นคนตายเป็นครั้งที่สองคือศพแรกเนี่ยเป็นเด็กข้างบ้านจมน้ำตายในคลองหน้าบ้านเขาเกิดปีเดียวกับคุณมัญชาคนงมเจอยกศพขึ้นมาจากน้ำในคลองแก้ผ้าล่อนจอนเลยตอนนั้นคุณมัญชาอายุประมาณสักหกเจ็ดขวบแต่ว่าจำติดตาจนกระทั่งทุกวันนี้ภาพยายก็เหมือนกันเขาจับเกนั่งริมชานเรือนเอาหลังพิงระเบียง ให้คนอาบน้ำกันแต่งตัวเสร็จแล้วก็ยกลงโลงกลางคืนก็มีพระมาสวดหลายจบพอพระเลิกสวดกลับวัดหมดก็มีพวกผู้ชายขี้เมามานั่งถือตลับปัรสีคนสวดแบบพระกันบ้างแต่ฟังแล้วเขาสวดกันชุยชวยแฉแฉสนุกสนานกันซะมากกว่าพวกเขานั่งลงตรงที่พระนั่งใกล้ๆ ก, กับโลงศพยายมีตู้พระธรรมตั้งอยู่เบื้องหน้า เขาสวดกันดีๆก็ได้เพราะคนแก่ๆเหล่านี้ต่างก็บวชกันมาแล้วแต่คงจะเป็นเพราะเมาแล้วก็อยากจะให้มันไม่เหงาหงอยซร้อยเศร้าก็เลยสวดกันสุดเวียงออกท่าออกทางไปด้วยคนดูอยู่ก็พลอยหัวเราะสนุกสนานไปด้วยแน่นอนละงานศพนี่เขาก็ต้องมีเล่าให้กินสมัยนั้นก็เหล่าเถื่อนต้มเองมีคนท้มขายชาวบ้านก็รู้กันดีว่าจะไปซื้อที่บ้านไหน แต่ถ้าสปปรสามมิตรมาหลอกถามก็ไม่มีใครบอกให้รู้หรอกพวกที่สวดนี้นอกจากออกท่าออกทางแล้วยังทําเสียงแปลกๆอีกด้วยซ้ำบางทีท่วงทํานองก็ออกไปทางเพลงลูกทุ่งก็มีก็ไม่มีใครว่าอะไรต่างสนุกสนานกันไปหมดทั้งคนสวดคนฟังคุณบัญชามารู้ในตอนหลังว่าการสวดแบบนี้เขาเรียกว่าสวดคฤรืหัสในสมัยก่อนนี้เขานิยมกัน ถือว่าพระสวดแล้วคนก็สวดบ้างเป็นการสวดที่ถือว่าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพด้วยถ้าไม่มีอย่างนี้คนก็กลับบ้านกันหมดบ้านงานศพก็ยังเงียบวังเวงน่ากลัวนอกจากที่เขาสวดคฤรืหัดกันแล้วคุณบัญชาก็เห็นเขาเล่นไฮโลกันด้วยทั้งห้องเรือนข้างในรับตาคนดึกดื่นก็ยังไม่เลิกขึ้นก่อนที่ยายจะตายเนี่ยคือยายสิ้นลมหายใจตอนบ่าย ปรากฏว่าคืนนั้นมีนกแสกมาร้องน่ากลัวมากมันเกาะที่หลังคาโรงควายอยู่ทางตะวันตกของบ้านแล้วมันก็ส่งเสียงแสกแสกหน้าขนลุกยามดึกสงัดอย่างนั้นนะไม่ว่าแม่หรือน้าก็กลัวกันหมดไม่มีใครกล้าเอ่ยปากทักเพราะว่าเขาห้ามทักอยู่แล้วเล่ากันว่าได้แต่มองหน้ากันอยู่ไปมาคุณบัญชาก็ดีใจที่แกนอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็น ถ้าตื่นมาตอนนั้นรับรองว่าแกคงกลัวจนหัวหดแน่เลยแกเคยกลัวผีจนจับไข้ามาแล้วแถวบ้านคุณมัญชาเนเขามีความเชื่อกันมากเกี่ยวกับเรื่องนกแสกนี้เรียกมันว่านกแสกผีเลยทีเดียวคนแกๆเชื่อว่านกนี้จะนำโยมมาทูดมาเอาดวงมิญญาณคนตายมันจะมาเกาะหลังคาหรือว่าต้นไม้ใกล้ๆบ้านแล้วก็ร้องบอกชี้นำโยมมาทูด ว่าบ้านไหนมีคนเจ็บคนป่วยใกล้จะตายบ้างแล้วก็มักจะไม่พลาดซะด้วยรายไหนรายนั้นลงได้นกแสกมาเกาะหลังคาร้องแล้วละ ก, ก็คนเจ็บป่วยก็มีอันจะต้องดวงวิญญาณหลุดลอยออกจากร่างทุกคนไปบางคนเชื่อขนาดที่ว่ายมทูตนะขี่นกแสกมายังบ้านคนป่วยชะตาขาดก็มีเผาศพยายแล้วในตอนเย็นค่ำๆนั้นก็เห็นแม่เอาแป้งใส่ถาดใบใหญ่ เกลี่ยแป้งสีขาวนั้นให้เรียบคุณบัญชาก็ถามแม่ว่าทำอะไรแม่ก็ไม่ตอบคุณบัญชาก็ดูแม่ทำอยู่เห็นแม่เอาถาดไปตั้งตรงที่ยายนอนตายทางห้องเรือนด้านในแล้วแม่ก็พลระออกมาคุณบัญชาถามแม่ว่าเอาไปตั้งทำไมแม่ก็จุปากแม่ให้พูดคุณบัญชาก็นึกรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เขาห้ามพูดนี่แกก็กลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องต้องห้าม ที่คนเฒ่าคนแก่เขาถือกันหรือว่าเขาห้ามกันแก่ก็เลยนิ่งเงียบเสียพอเช้าพวกแม่กับน้าๆก็พากันไปดูถาดแป้งกันมองดูกันอยู่ตั้งนานคุณมัญชาก็ไปดูเขาด้วยได้ยินแม่พูดว่าคล้ายๆดอกบัวนะน้าสาวก็พยักหน้าเห็นพ้องด้วยคุณมัญชาก็มองดูแป้งในถาดที่แม่เกลี่ยเรียบเมื่อค่ำวานนี้ แต่ว่าเช้านี้กลับมีรอยคล้ายๆกลีบดอกบัวอย่างที่แม่ว่าจริงๆตอนหลังได้ยินแม่พูดบอกว่าบางคนนะ่ะมีเป็นรอยเท้าสัตว์เช่นนกหนูเป็ดไก่รอยเหล่านี้บอกให้รู้ว่าคนตายจะไปเกิดเป็นอะไรเกียวกับเรื่องสวดคาลือหัดและถาดแป้งเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ยังมีท้องผิดไหนยังทาอยู่บ้างครับ บ้านยายของคุณประยูนเนี่ยอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาน้ำท่วมทุกปีพอน้ำลดปลาส่วนหนึ่งก็จะติดอยู่ในบ่อในท้องร่องที่เป็นแปลงปลูกพืชผักยายก็จะหาปลาเอาไว้ทำอาหารยายหาปลาได้ตลอดทั้งปีอาหารการกินอย่างอื่นจำพวกเนื้อสัตว์อื่นๆนั้นก็ไม่ค่อยจะได้กินกันจะมีก็เพียงปีละครั้งสองครั้งเท่านั้น ที่ยายจะซื้อเนื้อหมูหรือไก่มาทำอาหารนอกนั้นก็กินปลาเมื่อหน้าน้ำกำลังจะจากไปน้ำลดมากแล้วยายก็จะรีบวางเบ็ดราวในบ่อน้ำแล้วก็ปักเบ็ดไว้ตามข้างท้องร่องยายเอาสวิงช้อนตามใต้กอผักบุ้งก็ได้กุ้งแล้วก็ลูกปลาตัวเล็กๆมาก็เอามาเกี่ยวเบ็ดทำเป็นเหยื่อล่อปลาเอาปลาเล็กไปล่อปลาใหญ่โดยเอาเบ็ดเกี่ยวที่หลังลูกปลา ไม่ว่าจะเป็นปลากระดี่หรือว่าปลาส้อยปลาซายายก็ใช้มันเป็นเหยื่อแต่ยายบอกว่าปลาพวกนี้ไม่แข็งไม่ทนมันตายง่ายสู้ปลากระดี่หรือว่าลูกปลาหมอไม่ได้ลูกปลาที่โดนเบ็ดเกี่ยวหลังมันก็ว่ายไปว่ายมาเมื่อปลาช่อนมาเห็นเข้าก็านึกว่านั่นคืออาหารอันโอชะก็รีบพุบบุบเลยแล้วกลืนกินลูกปลาไปทั้งตัว มันหารู้ไม่ว่านอกจากเนื้อลูกปลาที่แสนอร่อยแล้วมันยังกลืนกินเอาตะขอเบ็ดอันแหลมคมร้ายกาดเข้าไปด้วยยายได้ปลาช่อนตัวโตๆมาหลายตัวแล้วก็ได้มาบ่อยๆเย็นวันนั้นยายก็เตรียมหั่นเครื่องแกงแล้วก็ให้คุณประยูนเนี่ยเป็นคนโคลกบอกว่าจะทำห่อหมกเอาไว้ขายพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าลงเบ็ดได้ปลาช่อนตัวโตๆมาสี่ห้าตัว คุณประยูนก็โขลกน้ำพริกเครื่องแกงมีกลิ่นหอมมันเป็นกลิ่นของสมุนไพรต่างๆกว่าจะละเอียดก็เมื่อยแขนแทบแย่เสร็จแล้วยายก็ปอกเปลือกลูกมะพร้าวแล้วก็ผ่าเป็นสองซี่เอาน้ำมะพร้าวมาใส่ขันให้คุณประยูนกินมีรสหวานนิดๆแล้วคุณประยูนก็เอากระต่ายขูดมะพร้าวมานั่งขูดมะพร้าวจนเสร็จยายก็คันน้ำกระทิได้น้ำกระทิสีขาวแล้ว ยายก็เอาอ่างดินเผาใบใหญ่มาใส่ประชอนที่ยายหั่นไว้เป็นชิ้นๆพริกแกงน้ํากะทิเสร็จแล้วให้คุณประยูนเอาไม้พายมาคนวนไปทางเดียวกันยายบอกว่าเครื่องแกงและน้ํากะทิมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อปลาคุณประยูนก็ทําอยู่นานจนรู้สึกว่ามันมีความข้นมากแล้วยายก็เอาใบตองที่เตรียมไว้ใส่ใบยอแล้วก็ตักชิ้นปลาพร้อมกับเครื่องแกง ใส่ในใบตองแล้วก็หอ่อคุณประยูนก่อไฟเมื่อไม้ฟืนลุกดีแล้วก็เอากระทะใบใหญ่ตั้งใส่น้ําแล้วก็ปิดฝาพอน้ําเดือดยายก็ยกซึ้งที่ใส่หอหมกไว้เต็มขึ้นตั้งบนกระทะเสร็จแล้วก็นึ่งอยู่นานกว่าหอหมกจะสุกก็คําเมื่อไฟฟืนลุกไหม้จนเป็นฐานแดงๆจํานวนมากยายก็ให้คุณประยูนตักใส่ไหมีฝาปิด เอาไว้ใช้ในคราวที่ไม้ฟืนมันแห้งไม่ทันหอมกสุกแล้ววันนี้มีฐานแดงมากกว่าทุกวันจนเต็มไหคุณประยูนก็ถามยายว่าฐานเต็มไหแล้วจะทำยังไงยายก็ถามว่าฐานมันหายแดงแล้วหรือยังหายแล้วยายไม่แดงแล้วอา้าวงั้นก็ยกไปใส่ในปี๊บปี๊บนั่นเป็นปี๊บที่เคยใส่น้ำมันยางน้ามันยางหมดแล้วแต่ก็มีคราบน้ำมันยางแห้งเกาะติดอยู่เกลอดกรัง ยายก็เอามาไว้สําหรับใส่ถ่านคุณประยูนก็ยกไหแต่ไหมันร้อนก็เลยใช้ผ้ามาหุ้มแล้วก็ยกไปเทใส่ปิ๊บแล้วก็ตักถ่านแดงๆที่เหลือในเตาใส่ไหจนหมดเตาคุณประยุนก็คิดว่าเศษถ่านแดงๆเล็กๆที่เหลือมันคงจะดับไปเองเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ปิดประตูหลังบ้านยายก็ปูที่นอนแล้วก็นอนในคุณประยุนนวด โดยเหยียบย่ำจากปลายเท้าขึ้นไปถึงโคนขาแล้วก็ย่ากลับไปกลับมาขาข้างนั้นบงังข้างนี้บ้างจนยายหลับส่วนคุณประยูนนั้นง่วงแล้วแต่ถ้ายายไม่ได้บอกให้ไปนอนก็ไม่กล้าก็เลยต้องทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปบางครั้งก็เคลิมหลับ ท, ทั้งทั้งที่ยังเดินอยู่บนขายายมีผู้คนส่งเสียงดังที่หน้าประตูบ้านยายก็รีบลุกโดยไม่พูดไม่จาเสร็จแล้วก็ไปที่ทางใกล้ประตูครัว คุณประยูนเห็นเปลวไฟกําลังลุกไหม้อยู่ที่ข้างฝาติด ก, กับครัวยายเปิดฝาอุ่งน้ําเอาขันตักน้ําสาดไปที่เปลวไฟนั้นคุณประยูนก็ยืนงงไม่รู้จะทํำยังไงดีที่หน้าประตูก็มีเสียงผู้คนเหมือนพยายามจะพังประตูเข้ามายายพยายามจะดับไฟแต่ยายเกิดพลาดน้ําที่เปียกพื้นเนี่ยทำให้ยายลื่นล้ม ร่างถลไยเข้าไปในกองเพลิงเสื้อผ้าของยายก็ติดไฟลุกขึ้นมาผมเผาก็ไหมไฟ ย, ยายตะเกียกตะกายจะออกมาแต่ขาข้างหนึ่งก็เกิดติดอยู่กับร่องไม้กระดานคุณประยูนทําอะไรไม่ถูกได้แต่ร้องให้คนช่วยยายด้วยพวกที่อยู่ข้างนอกก็ช่วยกันดันประตูคุณประยู์นึกได้ก็เลยรีบไปยกไม้ขัดประตูออกพอประตูเปิดผู้คนทั้งผู้หญิงผู้ชายก็รีบเข้ามาในบ้าน ช่วยกันเอายายออกมาได้แล้วช่วยกันดับไฟแต่ยายนั้นถูกไฟลวกทั้งตัวก็ทนพิษไฟไม่ไหวเสร็จแล้วก็ขาดใจตายในเวลาต่อมาคุณประยูนต้องกลับไปอยู่กับแม่ที่บ้านยายไม่เคยมาหลอกหลอนอะไรเลยจนยายตายได้ร้อยวันตอนเช้าทำบุญกันคืนนั้นที่บ้านน่ยหมาหอนกันใหญ่หอนกันแบบโหยหวนคุณประยูนตื่นขึ้นมากลางดึก ได้กลิ่นหมากพลูที่ยายกินเป็นประจำที่บ้านนี้ไม่มีใครกินหมากพลูเลยแล้วคุณประยูนก็ได้ยินเสียงกุกกักที่ประตูก็มองไปเห็นร่างดำตะคุ่มยืนอยู่อย่างเงียบกริบแล้วก็ได้กลิ่นเหมือนก็เส้นผมและเนื้อหนังไม่ไฟคุณประยูนก็รีบปลุกแม่แม่ตื่นมองไปร่างดำๆนั่นก็หายไปแล้วคุณประยูนคิดว่านั่นจะต้องเป็นยายแน่ๆยายคงจะมาหาเรา เธอก็อยากจะบอกกับยายว่าฉันไม่เคยลืมยายเลยแม้ว่ายายจะดุแต่เธอก็รักยายมากพอพูดถึงยายแล้วก็ให้นึกถึงคนแก่ๆอีกคนหนึ่งคนแก่ๆเนี่ยมักจะลืมนั่นลืมนี่ออกจากบ้านแต่ละทีไม่ได้ออกอย่างสะดวกคล่องใจปิดน้ำหรือยังปิดไฟหรือยังพัดลมละ่ะโหสารพัด ยังยายเตี้ยคนที่หมู่บ้านนี่แกไม่คุ้นเคยกับความเจริญที่เข้ามาอย่างรวดเร็วเมื่อก่อนนี้แกอยู่กับแสงตะเกียงน้ำบ่อน้ำคลองหุงข้าวโดวยเตาไฟไม้ฟืนแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ลูกหลานซื้อเตาแก๊สมาใช้มีถังแก๊สมาตั้งติดไฟทีมดังพรุบแกตกใจนึกว่ามันจะระเบิดแล้วเขาก็พูดกันว่าถ้าใช้ไม่ดีนะเกิดแก๊สรั่วมันตุมตามบ้านช่องพังทิบหายวายวอดหมดไฟลุกท่วมเผาผลาญหมดนะ แกไม่อยากจะไปหยิบไปจับมันเข้าเลยแกบอกว่าใช้ไม้ฟืนอย่างเก่าก็ดีแล้วแต่เด็กๆมันก็ว่าย้ายนี่ไม่ทันสมัยเลยอ่ะหุงข้าวใช้หม้อไฟฟ้าเขาก็ว่าน้าเปียกหรือว่ามือเปียกในไฟมันก็จะดูดเอาแกก็ไม่อยากจะหุงข้าวต้มแกงให้พวกมันกินกันแล้วแ ก, แกแล้วแต่แกก็ยังไม่อยากตายใจเตี้ยก็บ่นอย่างนี้อยู่เสมอแต่แกก็เข้าครัวทุกวัน ตื่นแต่มืดถุงข้าวต้มแกงใส่บาทพระแกเป็นคนใจบุญสุนทานเพื่อนบ้านก็ไม่รู้จะช่วยแกได้ยังไงก็ได้แต่บอกแกบอกวก่าทําไปเถอะระวังระวังเอาหน่อยก็แล้วกันอย่าหลงหลงลืมลืมให้มันมากนักเดี๋ยวไฟฟืนมันจะดูดตายวันหนึ่งเป็นวันศาสยายเตี้ยก็พาร่างเตี้ยวอ้วนของแกออกจากบ้านแล้วก็เกิดนึกได้ว่าลืมปิดพัดลม แกไม่ได้เปิดเองอ่ะหลานสาวมันเปิดแล้วก็ออกจากบ้านไปไม่ได้ปิดแกก็มาพึ่งนกได้ตอนที่เดินออกมาจากบ้านตั้งหลายสิบเก้าแล้วแกก็บอกกับยายเอี้ยงพวกกันที่จะไปฟังเทศที่วัดให้เดินล่วงหน้าไปก่อนเลยเดี๋ยวจะกระย่องกระแยงกลับไปปิดพัดลมที่บ้านก่อนยายเอี้ยงก็บอกว่าเดี๋ยวแกจะนั่งหลบแดดรออยู่ใต้ร่มมะม่วงหน้าบ้านยายหลัดนี่แหละยายเตี้ยก็รีบกลับไปบ้าน ยายเอี้ยงรอพักใหญ่ยายเตี้ยก็ยังไม่ผัวมายายเอี้ยงก็ชักจะรอไม่ไหวก็เลยสั่งคนแถวนั้นเอาไว้ว่าเดี๋ยวแกไปวัดก่อนนะนาแล้วถ้ายายเตี้ยมาถามหาก็บอกด้วยยายเอี้ยงนั่งฟังเทศอยู่ตั้งนานก็ไม่เห็นยายเตี้ยไม่มีแม้แต่เงาแกไม่ได้มายายเอี้ยงจ้อมองหาก็ไม่เห็นเลยหายไปไหนยังไงกันเนี่ยแกใช้ให้เด็กวัดไปดูยายเตี้ยที่บ้านกลัวจะเป็นลมเป็นแรงไปเด็กๆมันก็ห่วงเล่น ไม่มีใครอยากจะไปแกต้องให้ตังค์มันซื้อขนมกินมันถึงได้ยอมไปดูให้พักใหญ่มันก็วิ่งกระหือกระหอบกลับมาบอกหน้าตาตื่นเสียงระล่ำระลักว่ายายยายหายเตี้ยนะ่ะตายแล้วอา้าวทำไมตายอ่ะโดนไฟดูดซะที่คนเขากำลังดูกันเต็มบ้านเลยที่ยายเตี้ยตายก็เพราะปลั๊กพัดลมไฟมันรัว่ว แล้วมือยายเตี้ยก็เปียกๆด้วยแกคงจะล้างมือแล้วขึ้นเรือนไปดึงปลัก๊กหรือว่ามือแกอาจจะเปียกเพราะว่าตักน้ําล้างเท้าก่อนขึ้นเรือนหรืออะไรสักอย่างนะเขว่ากันอย่างนั้นยายเตี้ยโดนไฟดูตายใจแกห่วงจะไปฟังเทศพอตายแล้วก็มีคนเห็นพระเนรในวัดนั่นแหละท่านเห็นเด็กวัดก็กลัวเพราะว่ากลางคืนจะเห็นเงาดําตะคุ่มนั่งพนมมืออยู่หน้าธรรมะ ที่แรกก็ไม่คิดกันว่าเป็นผียญยเตี้ยตอนหลังก็เชื่อว่าใช่เออผีมาฟังเทพหลวงพ่อสงสารดวงวิญญาณใหญ่เตี้ยก็เลยคิดหาวิธีบอกเล่าให้ดวงวิญญาณรู้ท่านไม่ได้บอกเองแต่ให้ลูกหลานของคนตายนะจุดทูบบอกปรากฏว่าหลานหลานลูกลูกของใหญ่เตี้ยเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สลักสําคัญซ้ำยังไม่เชื่อว่าผีหญ่เตี้ยจะมานั่งพนมมือบนศาลาทุกคืน หลวงพ่อนะให้พวกเขามาดูด้วยตาตัวเองพวกเขาก็ไม่มาท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงกับคนพวกนั้นท่านเห็นใจดวงวิญญาณนั้นมากทำให้ท่านนอนไม่หลับจำวัดก็หลับหั บ, หบตื่นตื่นอยู่ตลอดคืนหลายคืนมาแล้วท่านคอยแต่จะนึกว่ายายเตี้ยนั่งพนมมืออยู่บนสลาวันเวลาล่วงเลยไปมันเกือบจะสองวันพระคือเกือบสองสัปดาห์แล้ว ร่างดำตะคุมตะคุมนั้นก็ยังนั่งพนมมืออยู่ที่หน้าธรรมะ ต, ตกดึกคืนหนึ่งพระเนลูกศิษ์วัดสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงหลวงพ่อเทศดังมาจากศาลามืดมืดหมาวัดก็ส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนมีร่างดำตะคุมตะคุ้มนั่งพนมมือหมอบอยู่หน้าธรรมะร่างนั้นนั่งอยู่อย่างสงบนิ่งตามระสาคนแก่ร่างนั้นอ้วนท้วนใหญ่เตี้ยแน่ หลวงพ่อเทศจบกันร่างนั้นก็ก้มกราบแล้วก็หายไปท่านก็ลงจากธรร ม, มา์ลงจากศาลาแล้วก็กลับขึ้นกุฏิไปครับเรื่องกระดานน้างงานศพนี่นะคนเล่าเรื่องนี่ชื่ อ, อในคุณเบิร์ต วันหนึ่งเพื่อนคุณเบิร์ดโทรมาให้ไปงานศพของพ่อเขาที่วัดแถวแถวเทเวศวัดเนี่ยเอยชื่อก็รู้ว่าวัดไหนคือว่ากันว่าต้องมีเส้นมีสายพอสมควรถึงจะเอาศพมาตั้งได้คุณเบิร์ตก็ไปไปร่วมงานศพพร้อมกับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งจนกระทั่งฟังพระสวดเสร็จแขกก็ทยอยกลับ แต่ว่าคุณเบิร์ตกับเพื่อนๆก็ยังคงนั่งคุยกับเพื่อนที่เป็นลูกคนตายสักพักระหว่างนั้นฝนก็ตกลงมาจนกลุ่มคุณเบิร์ก็ยังกลับบ้านไม่ได้ระหว่างที่นั่งรอฝนหยุดอยู่นั้นกลุ่มเพื่อนคุณเบิร์ตก็เกิดความขนองมีคนหนึ่งชื่อเอกพูดทำนองเล่นๆว่าเอองานนี้ไม่ค่อยดีเลยเนาะเลี้ยงแค่เอแคร์ care. ถ้าเป็นงานศพเรานะเราจะเลี้ยงเอสนพี P เลย หลังจากนั้นก็มีเพื่อนอีกคนนึงมองไปเห็นกระดานน่าสะลาคือกระดานที่ไว้ใช้เขียนชื่อคนตายเวลาใครเป็นเจ้าภาพวันไหนอะไรพวกนี้ยนะคือกระดานพวกเนี้ยอ่แทบทุกวัดเนจะไม่มีใครทิ้งช็อกเอาไว้เลยไม่มีแม้แต่เศษที่ตกตามพื้นเวลาเขียนก็มักจะให้เจ้าหน้าที่ของวัดเท่านั้นเป็นคนเขียนเขียนแล้วก็มักจะเก็บช็อกไว้อย่างมิดชิดแต่ว่าเพื่อนของคุณเบิร์ตคนหนึ่งวิ่งหายไปสักพัก แล้วไปหาช็อกได้มาจากไหนไม่รู้แล้วก็เอามาเขียนเล่นเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของคนชื่อเอกแทนที่คนชื่อเอกนี่จะโกรธก็กลับบอกเฮ้ย hey, ึมเขียนนามสกุลกูผิดจริงๆมันต้องแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปแก้ชื่อให้ถูกด้วยการลบตัวกระรันด้วยความคนองที่ยังไม่จบเพื่อนคนนั้นก็เลยเขียนทั้งวันตายวันเผาอ่าในเอกก็ให้ความร่วมมือด้วยความสนุกสนานเล่นตอบอ่า โอ้วันนี้ไม่เอาอะตายวันนี้ไม่เอาเดี๋ยวคนมาน้อยอ่ะตายวันวันนี้ดีกว่านะเสร็จแล้วก็มาดูปฏิทินแล้วบอกเอาวันนี้ดีกว่าวันที่สิบสี่สิงหาแล้วอีกเจ็ดวันก็เผาอ่ะตรงกับวันที่ยี่สิบพอดีแล้วก็ดูปฏิทินเรียบร้อยก็ไม่มีใครคิดอะไรต่างก็คิดกันว่าเป็นเรื่องขำขำแล้วก็ได้เขียนตามที่เอกบอกจนครบมีทั้งชื่อนามสกุลวันตายวันเผาครบทุวน หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ผ่านไปหลายวันคนชื่อเอกก็โทรมาหาคุณเบิร์ตเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงนี้เขาเหนื่อยหลือเกินนอนไม่ค่อยหลับเลยแล้วก็ฝันแปลกๆบ่อยมากเขาจะฝันทํานองว่าจะมีคนมาพาเขาไปที่ไหนไม่รู้คล้ายๆกับวัดที่เคยเป็นงานศพพ่อเพื่อนนี่แหละเขาก็บอกว่าเขาเดินตามคนคนนั้นไ ป, ไปเจอคนมากมายเข้าไปพูดด้วยก็ไม่มีใครคุยกับเขาสักคน เอกบอกว่าฝันทํานองนี้หลายครั้งเบิร์ตก็บอกว่าคงจะทํางานเหนื่อยวันนี้ให้มานอนที่บ้านเดี๋ยวจะเปิดแอร์ให้นอนตอนกลางคืนเอกก็มานอนแล้วตอนเช้าเอกก็ปลุกคุณเบิร์ตตั้งแต่หกโมงเชา้าทั้งที่ธรรมดาแล้วเอกเป็นคนขี้เซ้าแล้วก็ตื่นสายมากเอกเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่นอนหลับรู้สึกเหมือนฝันว่ามีคนมาลากเขาเออกจากเตียงไปไปที่เดิมอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมคือคุยกใกล้ๆก็ไม่มีใครคุยด้วย คราวนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกไม่ดีเลยอ่ะอะก็เลยวิ่งหนีคนที่พาเขาไปจนกระทั่งตื่นในระหว่างที่เล่าคุณเบิร์ตก็ถามว่าแขนไปโดนอะไรมาเพราะว่าเหลือไปเห็นแผลที่แขนเอกเอกก็บอกว่าล้มตอนที่วิ่งหนีมานี่แหละแล้วตอนวิ่งมาก็ใส่รองเท้าสีแดงของแฟนคุณเบิร์ตที่อยู่หน้าห้องไปด้วยวิ่งจนรองเท้าขาดคุณเบิร์ตก็ยังไม่คิดอะไรก็นึกว่าเอกคงจะเพลียอยู่มาวันนึงกลุ่มเพื่อนคุณเบิร์ตก็ไปเที่ยวกันแถวแถวราชดา ซึ่งในกลุ่มนั้นก็มีเอกอยู่ด้วยซึ่งก็ได้ตกลงกันระหวังเบิร์ตกับเอกแล้วว่าคืนนี้เอกจะขับรถให้อ่าแล้วก็จะไปนอนที่บ้านเบิร์ตเพราะว่าเอกจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดื่มอ่ก็จะทําหน้าที่เป็นคนขับให้ระหว่างทางขากลับเบิร์ตก็สังเกตว่าเอกก็เหมือนคนที่เหนื่อยมากๆทั้งๆที่เวลาอยู่กับเพื่อนเอกจะเป็นคนที่เฮฮามากเสร็จแล้วเอกก็บอกว่าวันนี้เขาจะไปนอนกับแฟนดีกว่าเพราะเขารู้สึกไม่ค่อยดี เบิก็ไม่ได้ว่าอะไรจนถึงประมาณตีสี่ในคืนเดียวกันก็มีโทรศัพท์จากแฟนเอกนะ่ะโทรมาหาเบิร์ตมาบอกว่าเอกนะล้มที่หน้าห้องตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลพระรามเก้าเบิร์ตก็รีบไปทันทีแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะเอกเสียชีวิตแล้วหมอบอกว่าเอกมีอาการคือปอดแฟบไปข้างเป็นโรคอะไรสักอย่างแต่ที่น่าแปลกก็คือเอกก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วที่สําคัญวันนั้นมันเป็นวันที่สิบสามสิงหาคมอ่า ก่อนวันที่เขียนในกระดานเพียงหนึ่งวันแต่ตอนนั้นทุกคนก็ยังไม่คิดอะไรเพราะลืมเรื่องกระดานกันไปหมดแล้วในระหว่างที่ทุกคนกำลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องการตายของเอกก็ไม่มีใครนึกถึงเรื่องกระดานที่เคยเขียนเล่นกันเพราะทุกคนต่างลืมไปหมดแล้วเบิร์ดก็กำลังติดต่อกับญาติของเอกเพราะว่าตอนนี้พ่อแม่ของเอกอยู่ที่ออสเตรเลียกันหมดเบิร์ดนึกขึ้นมาได้ว่าเอกมีป้าอยู่คนหนึ่งแถวแถวลาดพร้ า, ราวเบิร์ดก็ติดต่อไป ในระหว่างนั้นเบิร์ตก็พยายามติดต่อหาวัดที่จะเอาศพเอกไปตั้งด้วยแต่ที่แปลกก็คือเบิร์ตหาวัดไม่ได้เลยสักวัดเดียววัดแถวห้วยขวางก็ไปดูมาหมดอ่าบางวัดเบิร์ตก็สนิทกับเจ้าอาวาสแต่ก็ยังไม่ได้เพระเต็มทุกวัดทุกสลาเลยในระหว่างที่เบิร์ตกำลังเครียดอยู่ก็มีโทรศัพท์โทรมาจากป้าของเอกบอกว่าหาวัดได้แล้วเพื่อนของป้าเขาหาให้อ่าก็ถามว่าวัดไหน ที่ป้าบอกมาก็คือวัดเดียวกันกับพ่อเพื่อนที่ตายไปก็คือวัดนั้นแหละที่ไปเขียนกระดานและที่สําคัญสาลาสวดศพสาลาเดียวกันตอนนี้ทุกคนเริ่มคิดถึงเรื่องกระดานแล้วเพราะอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้เพื่อนทุกคนก็มางานศพของเอกก็ได้มานั่งคุยกันถึงเรื่องของกระดานแล้วก็มีการกาหนดวันเผาของเอก ซึ่งก็เป็นวันที่20สิงหาคมปี49จริงๆคือวันที่เอกเป็นคนเขียนกระดานกำหนดเอาไว้ตรงกับที่เขียนไว้เป๊ะเบิร์ดกับเพื่อนๆก็ได้มีการนำดวงของเอกไปดูหมอและแทบทุกที่ที่จะบอกคล้ายๆกันก็คือเอกยังไม่ตายแต่ว่าช่วงนี้จะต้องอยู่อย่างลำบากในระหว่างนั้นเบิร์ดเล่าว่าเอกมาเข้าฝันบ่อยมาก บางทีก็มาเข้าฝันให้เพื่อนที่ยืมเงินเอาเงินมาคืนเอาบางเกงยีนมาคืนบางทียามที่บริษัทที่เอกเอทํางานอยู่ก็เห็นเอกทํางานจนดึกทั้งๆ ท, ที่เอกเป็นคนเช้าชามเย็นชามคือกลับห้าโมงเป๊ะทุกทีแล้วแฟนเบิร์ดก็ถามว่าเบิร์ดเอารองเท้าสีแดงให้ใครใส่ไปทําไมรองเท้าถึงขาดะที่เอกเคยเล่าให้ฟังว่าใส่วิ่งหนีในความฝันเคยมีพระให้ความเห็นเรื่องนี้ว่า เ, เอกอาจจะยังไม่ถึงที่ตาย แมาเขียนในตัวเองตายแล้วก็เลยยังไม่ได้ไปไหนนะ่ะต้องชดใช้กรรมให้หมดก่อนถ้าอยากให้เอกไปดีก็ต้องใช้กุศลแรงคือการบวชเบิร์ต ก, กับเพื่อนๆก็รวมตัวกันลาพักร้อนเสร็จแล้วก็บวชให้เอกจนทุกวันนี้ก็มีบ้างที่เอกมาเข้าฝันแต่ก็น้อยพอเมื่อก่อนนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆคระท่านบุฟังท่านบุฟัง การทําอะไรที่โบราณเขาบอกเป็นสิ่งอปมงคลหรือว่าอุบาทเนี่ยนะครับอย่าไปอุตริริเล่นเข้าเป็นอันขาดทีเดียวนะครับผลมันจะเกิดอย่างเช่นที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับมีหลายหนหลายรายเหลือเกินของคนที่ชอบทําพิเรนฝวาฝืนดื้อดึงกับสิ่งที่ชาวบ้านเขาถือสากันแต่ว่า คนประเภทนี้จะคิดว่าตัวเองไม่ถือเป็นไปไม่ได้แล้วก็เห็นเป็นความสนุกสนานแต่มันไม่จบสนุกหรอกครับมันจบอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของหลวงพ่อสุกปิยาสโรวัดดอนแก้วอำเภอเมืองจังหวัดตากทั้งดูฟังเรื่องนี้แปลก ในโชดมีอาชีพเป็นสัปรเร่อประจําวัดอยู่ที่วัดไทยเหมืองจังหวัดนครสวรรค์สัปเหรอรายนี้มีนิสัยทุจริตเป็นพื้นอาศัยอาชีพของตัวหารายได้พิเศษมาเข้ากระเป๋าด้วยการขโมยโรงศพไปขายครับการนำโลงศพไปขายเนี่ยไม่ใช่ยกขายทั้งโรงในโชติจะนำโลงศพมาตอกเลาะ อ, ออกเป็นแผ่นกระดานแล้วก็นํากระดานโรงศพไปขายอีกทอดหนึ่งโรงศพสมัยก่อนในต่างจังหวัดก็จะใช้ไม้เนื้อดีเช่นไม้สักมาประกอบเป็นโรง แล้วก็ศบสนมากจะนําไปฝังมากกว่าที่จะนําไปเผาหลังจากที่ฝังศพแล้วในโชดก็จะย้อนกลับไปขุดเอาลงขึ้นมาแล้วจัด ก, การถ่ายศพออกจากลงแล้วก็ฝังศพเอาไว้ตามเดิมสําหรับลงนั้นในโชดก็จะเลาะเป็นแผ่นกระดานแบกไปซ่อนไว้รวบรวมได้มากพอสมควรก็จะขนใส่รถบรรทุกเอาไปตระเวนขายได้เงินก็เอาไปสู่ฝิ่นเป็นที่สํารานในโชดก็มยลงศพไปขายด้วยวิธีนี้มันนานไม่มีใครรู้ นำไม้กระดานโลงศพไปขายตามจังหวัดใกล้เคียงเช่นกำแพงเพชรชัยนาทสุโขทัยละตากคนซื้อก็ไม่รู้ว่าเป็นโลงผีก็ยินดีซื้อไว้เพราะสะะัพเพอรโชดขายให้ในราคาถูกวันหนึ่งในโชดเอาไม้กระดานโลงศพไม้สักเนี่ยไปขายแกนายยูโซในราคาแปดิบาทนายยูโซนี่เป็นมุสลิมมีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวแขกเห็นเป็นไม้สักและไม่รู้ว่าเป็นไม้โลงศพก็รับซื้อไว้แล้วก็นำไปให้ช่างไม้ทำเตียงนอน ยงนอนทําเสร็จแล้วก็ยกมานอนคืนแรกนายยูโซก็นังโลตีมาซึ่งเป็นภรยาก็ขึ้นนอนด้วยความสบายอกสบายใจตอนดึกคืนนั้นนอนหลับสนิทก็ถูกลากลนลงมาจากเตียงดังสนัน่นสองผัวเมียตื่นตระหนกตกใจยอยู่ดีๆก็หลน่นลงมาจากเตียงไม่มีใครแกล้งนะก็คิดว่าตัวเองนอนดิน้นก็ขึ้นเตียงไปนอนต่อพอหลับสนิทได้สักพักก็ตื่นอกีกเนื่องจากมีความรู้สึกคล้ายๆใครมาทุบตีร่างกายอย่างรุนแรงทั้งสองคน จะว่าละเมอคิดไปเองก็ไม่ใช่เพราะเนื้อตัวปวดระบมจริงๆเป็นอันว่าคืนฉลองเตียงใหม่อสองผัวเมียมไปกล้านอนหลับสนิททั้งคืนน่ะหลับหตื่นตืนอยู่อย่างนั้นแหละคืนที่สองเหตุการณ์ก็เหมือนกับคืนแรกพราะนอนหลับสนิทก็ถูกลากหลนจากเตียงทั้งคู่แล้วถูกสิ่งลึกลับทุบตีจนระบมระบมนายูโซกนังโรติมาก็นําเรื่องราวประหลาดเนี้ยไปเล่าให้ญาติพี่น้องฟังทุกคนก็เห็นว่าต้องเป็นวิญ ญ, ญาณผีร้ายมาแกล้งแน่ ก็เลยไปเชิญหมอผีอาคมขังมาทําการไล่ผีหลังจากหมอผีมาไล่ให้แล้วแทนที่เหตุการณ์จะกลับคืนเป็นปกติกลับเลวร้ายหนักเข้าไปอีกนอกจากจะถูกลากลนจากเตียงคราวนี้ถ้วยโถโอชามในบ้านอยู่ดีๆก็เหมือนมีคนปัดให้ลนตกลงมาแตกกระจายกลางคืนก็มีเสียงคล้ายโต๊ะตู้ถูกลากเลื่อนไปเลื่อนมาดังโครมครามโครมครามทั้งคืน ทั้งทั้งที่โต๊ะตู้เหล่านั้นก็ตั้งอยู่ที่เดิมทุกคนในครอบครัวในยูโซก็อยู่กันด้วยความหวาดผวาหาความเป็นปกติสุขไม่ได้เบื้องหลังเหตุการณ์น่ากลัวภายในบ้านในยูโซที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากไม้กระดานที่นายยูโซซื้อมาจากนายโชดแล้วเอามาต่อทําเตียงนั่นแหล ะ, ะเพราะว่าไม้สักเหล่านั้นเป็นไม้หลวงผีที่ใส่ศพนางกระถินซึ่งตายเพราะคลอดบุตรแล้วก็ตกเลือดหลังจากนําศพนางกระถินใส่ลงไปฝังในประช้านายโชดก็แอบไปขุดศพเอาลงขึ้นมา อเอาไม้หลวงมาขายต่อให้เรื่องผีอรารวาสิบ้านนายยุโซ่ชาวบ้านร้านตลาดบ้านใกล้เรือนเคียงรู้กันทั่วหลายคนก็แนะนําให้ในายยุโซ่ไปขอความเมตตาจากหลวงพ่อสุขปิยสโรวัดดอนแก้วอำเภอเมืองจังหวัดตากให้ช่วยเนื่องจากหลวงพ่อสุขเป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั่วไปแล้วก็เรื่องลือว่าท่านมีอภิญญาแก่กล้าสามารถช่วยสงเคราะห์ผ่อนใครผู้ประสบอาถรรพ์ลึกลับเลวร้ายเนี่ยได้ ตอนแรกนายยูโซไม่ยอมไปเพราะว่าตัวเ ป, เป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามอ่าแล้วจะไปขอความช่วยเหลือจากพระในพระพุทธศาสนาได้ยังไงแต่ว่าเหตุการณ์เลวร้ายภายในบ้านทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นลาดับจนไม่เป็นอันหลับอันนอนกันทั้งบ้านนายยูโซไปเชิญหมอผีมีอาคมกี่คนกี่คนมาแก้ไขขับไล่ก็ไม่ประสบความสาเร็จซ้ากลับทําให้วิญญาณร้ายอรารวาสหนักยิ่งกว่าเดิมอีก แกก็เลยต้องตัดสินใจเดินทางไปหาหลวงพ่อสุขไปกันทั้งผัวทั้งเมียไปที่วัดดอนแก้วเข้าไปพบท่านก็เล่าเรื่องความเดือดร้อนทั้งตัวให้ฟังหลวงพ่อสุขก็รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่พูดอะไรท่านก็หลับตานิ่งเสร็จแล้วลืมตาก็บอกกันนายยุโซบอกว่าอืมเตียงที่โยมนอนน่ะนะไม้กระดานเป็นไม้ลงผีเจ้าของก็หวงแหนก็จึงได้โกรธแค้นโยมนําเตียงไปถวายวัดท้ายเหมืองเสียเถอะแล้วก็ขุด เอาศพผู้ตายที่เขาฝังไว้ใต้ต้นหูกวางต้นแรกน่ะ น, นะเอามาใส่โรงใหม่แล้วก็ฝังเขาให้เรียบร้อยเรื่องศพของคนตายเนี่ยบอกข้าเจ้าวาดวัดไทยเหมืองให้ท่านจัดการให้เราแค่หาซื้อโรงไปให้ท่านเท่านั้นแหละหากทําอย่างที่อาตมาบอกเรื่องไร้ภายในบ้านก็จะยุติเองนายยุโซและเมียรับฟังหลวงพ่อสุขว่าอย่างนั้นก็เกิดศรัทธาเชื่อถือไม่ลังเลสงสัย เพราะว่าท่านไม่เคยรู้จักกับตัวมาก่อนแล้วก็อยู่นคนละจังหวัดเนี่ยแต่ว่าท่านพูดมันตาเห็นตอนนายยุโซกับเมียจะลากลับหลวงพ่อสุกก็ใช้ได้สายสินผูกข้อมือให้นั้งสองคนแล้วก็ฝากได้สายสินไปให้คนในบ้านทุกคนสั่งว่าให้ใช้ได้ผูกข้อมือเอาไว้จะได้อยู่ดีมีสุขพูดผีจะไม่มารังควานอีกนายยุโซกลับบ้านก็รีบจัดการตามที่หลวงพ่อสุกบอกทุกอย่างอไปกราบเรียนเจ้าอาวาสวัดไทยเหมือง ขอให้ขุดศพที่ฝังใต้ต้นหูกวางขึ้นมาเพราะว่าศพนั้นไม่มีโลงใส่เจ้าเอาไว้ก็แปลกใจเพราะจำได้ว่าตรงนั้นน่ะฝังศพนางกระถิ่นไวแล้วก็ศพก็ใส่โลงเรียบร้อยเมื่อขุดศบนางกระถิ่นขึ้นมาปรากฏไม่มีโล่งจริงๆโดยโล่งศพหายไปเนื่องจากมีคนขโมยนายยูซ้อก็ซื้อโลงมาใหม่ใส่ศพนางกระถิ่นแล้วก็ฝังกลับคืนไว้อย่างเดิมหลังจากนายยูซ้อนำเตียงไม้โลงศพไปถวายวัดไทยเหมืองเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ร้ายๆน่าขนหัวลุกภายในบ้านก็หายไป ความเป็นปกติสุขก็กลับคืนมาสู่ครอบครัวเหมือนเดิมนายยูโซก็ให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อสุขตั้งแต่นั้นส่วนนายโชตสปรเรออยู่มาวันหนึ่งมีคนไปพบศพแขวนห้อยอยู่ก็คือภายในบ้านสันนิษฐานว่านายโชตผูกคอตายสำหรับสาเหตุที่นายโชตปิดชีวิตตัวเองนั้นก็ไม่มีใครรู้แต่เป็นที่เล่าลือกันว่าวิญญาณเจ้าของหลวงศพที่นายโชตขโมยเอาไม้ไปเนี่ยเอาไม้ไปขายตามมาเอาชีวิตนายโชตโดยโดนใจให้ในายโชตผูกคอตายครับ นั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังรายการนี้ก็ทอขอขอบพระคุณคุณอภิญญายมจินดาคุณอาทินุสีดานนคุณภยัยจิตสิทธิพรภัยสารรานปัญญาโพชนาและคุณเพชรเอกกำลังคุณครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับนาขิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกมไม่มี สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคุณโชธนี่มีอาชีพเป็นนักประพันธ์แต่ว่ามีฉายาว่านักเขียนไส้แห้งแต่สามารถยืนหยัดอยู่ในแวดวงน้ำมึกได้อย่างเหลือเชื่อแล้วก็ขยันเขียนเรื่องผีเป็นวักเป็นเวนมีคนถามเขาว่าตลอดชีวิตอันยาวนานของเขานี่เคยเจอผีตัวจริงเสียงจริงมั่งหรือเปล่าคุณโชธบอกว่า ถ้าจะบอกว่าผมนี่แหละผีตัวจริงเชียวละนะรู้สึกว่าจำโม้เกินไปหน่อยเอาเป็นว่าอย่างงี้ผมเคยเจอผีเหมือนกันคือสมัยเพิ่งจะสร้างชื่อในบรรณพภิภพเนี่ยก็ใช้นามปากกาว่าพนมทูปพนมทูปนี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพนมเทียนนะครับพนมเทียนเ็าเป็นอภิมหานักประพัน์ พนมทูบนี้หมายถึงว่าก่อนผมจะเขียนเรื่องเนี่ยผมมักจะอาจุดทูบแล้วก็พนมมือบอกกล่าวผีสางนางไม้ว่าผมจะเขียนถึงพวกท่านแล้วนะใครมีประวัติน่ากลัวยังไงก็จงมาเข้าฝันหรือว่าโดนใจให้คิดพลอดเรื่องออกมาไม่จําเป็นจะต้องมาสแสดงร่างให้เห็นแบบจะจะหรอกพอจุดทูบบอกกล่าวเสร็จก็มักจะมีเรื่องสยองสยองผุดขึ้นในสมองอยู่เสมอ จนกระทั่งวันหนึ่งก็มีเหตุที่ทำให้ผมได้พบเจอประสบะการณ์อันพิลึกพิลั่นเข้ากับตัวเองเรื่องมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีก่อนตอนนั้นผมร่วมทางไปกับขบวนนักบุญที่เขาจะไปทำบุญใหญ่กันที่ชัยนาเจ้าภาพก็มีผู้ติดตามไปเพียบต้องเช่ารถเมล์ถึงสี่คันถึงจะพอกับจำนวนคนสมัยนั้นถนนสายตะลิงชันสุพรรณบุรนะียังไม่มีในโลกหรอก การเดินทางต้องใช้ถนนสายเดิมที่มีอยู่เพียงสองเลนให้รถวิ่งสวนกันได้สองข้างทางยังเต็มไปด้วยป่าดิบป่าโปรง่งแล้วก็เรือสวนไรนาของชาวบ้านขบวนรถนักบุญนี่ก็ใช้ความเร็วระดับปานกลางเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตมันก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนระยะทางไกลามากพอตกเย็นรถนำหน้าขบวนเกิดยางแตกอย่างกระทานหัน รถที่ตามหลังแซงขึ้นหน้าไม่ได้เพราะว่ารถนาขบวนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าภาพก็อัญเชิญไปด้วยเดชบุญมีคนจำได้ว่าตามรายทางที่รถวิ่งผ่านมาไม่ไกลเนี่ยมีร้านปะยางอยู่แห่งหนึ่งรถในขบวนคันหลังสุดก็ขันอาสาย้อนกลับไปตามช่างปะยางมาถอดลูกล้อรถคันหน้าเพื่อจะเอาใส่รถกระบะของช่างไปปะที่อู่ของเขา การปะยางเส้นใหญ่เบ้เริ่มเทิมนี่กินเวลานา น, านพอดูขนาดที่ความมืดเริ่มโรยตัวลงอย่างรวดเร็วทันทีที่ปะยางแล้วเสร็จก่อนตะวันชิงพลบช่างก็เอาลูกล้อใส่เข้าสีเดิมเสร็จสับรถนำขบวนก็วิ่งต่อไปได้แต่ว่าเกิดเรื่องหน่าอัศจรรย์ว่ารถนำขบวนวิ่งไปไม่กี่กิโลเมตรยางก็เกิดระเบิดตามืนมาอีกต้องจันไปตามช่างมาถอดลูกล้อไปปะที่อู่เช่นเคย เดชบุญที่รถมาหยุดที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งผู้โดยสารก็เลยแห่ไปสั่งของกินเต็มร้านระหว่างนั้นมีผู้รู้บอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะว่ารถนำขบวนเนี่ยทำไม่ถูกเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่กลางคันรถท่านจึงลงโทษพอให้รู้สำนึกถ้าย้ายท่านไปไว้ที่บาะหน้าสุดในความขลุกคลักทั้งหมดนี่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตกลงก็นิมนต์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไว้บนเบาะหน้าของรถคันที่สอง แล้วก็วิ่งนำขบวนรถที่เหลือไปพักค้างแรมที่โรงพักในตัวอำเภอซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสิงห์บุรีเนื่องจากเจ้าของร้านก็ต้มบอกว่าโจรผู้ร้ายกำลังอาลวาดหนักมักจะดักปล้นรถเมโดยสารตอนกลางคืนอยู่เสมอส่วนรถนำขบวนคันเดิมเมื่อปะยางเสร็จก็ให้รีบตามไปสมทบที่สถานีตำรวจโดยด่วนผมเองในปีนั้นยังหนุ่มชะกัน เปิดโอกาสให้บรรดานักบุญรุ่นอาวุโสได้นั่งโต๊ะเก้าอีก้กินอาหารกันตามสบายส่วนผมก็ซื้อเหล้าถือติดมือไปนั่งดื่มบนแคร่ไม้ไผ่ห่างจากหน้าร้านออกไปประมาณสักสามสิบเมตรซึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งสวมชุดดำนั่งซดเหล้าอยู่ก่อนแล้วมองแต่ไกลก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มรูปร่างสูงเพราะว่าแคร่ตัวนั้นตั้งอยู่ใต้ร่มมะขามต้นมะฮือมาแผ่กิ่งใบร่มคลุมไปหมด พอนั่งแค่เดียวกันมันก็ต้องเสียวนากันตามประษาคอทองแดงที่ชอบหาอะไรมาพูดคุยแก้เหงาเจ้าถิ่นก็ถามว่าเองทำอาชีพอะไรผมก็บอกไปตามจงว่าเป็นนักเขียนไส้แห้งส่วนใหญ่เขียนเรื่องแนวผีสางนางไม้เป็นหลักเจ้าถิ่นก็หัวร่อราบอกไส้แห้งอดีแล้วมันจะได้ไม่พุงพลุยผมก็เลยถามแม่มั่งว่าแล้วพี่ละครทามาหากินอะไรท่าทางองอาจมีสงหาราี แม่ทีนี้เจ้าถิ่นชุดดำหัวร่อร่าเลยบอกอาชีพของข้าคือมหาโจรชื่อเสือกลัดเคยได้ยินรึเปล่าผมก็หัวเราะร่วนอยะาพอนึกว่าพี่แกพูดเล่นให้ขำก็ถามพี่แกไปอีกว่าเอาแล้วตอนเป็นโจรเคยออกปล้นบ่อยไหมเนี่ยข้าเจาซับไปแล้วกี่รายนะครับคราวนี้เจ้าถิ่นชุดดำสดเหล้าต้มเองไปอึกใหญ่ก่อนที่จะสาธยายเรื่องที่ผ่านมา คนมือชั้นเสืออย่างข้านะีย่ยาถามได้น้ำเสียงดูหมินนะเดิมทีข้าก็เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่วันนี้สายนักเลงไม่กลัวใครคราวหนึ่งถูกคนใส่ความเอาข้าเข้าคุกทั้งที่ข้าไม่ได้ทำผิดกฎหมายข้าแค้นใจมากก็เลยแหกคุกออกมาฆ่าไอ้คนปากสกรปรกบุกยิงกระหน่ำมันตอนมันนั่งอึอยู่โปง้งเดียวตายคาสุวมและสมกับความสกรปรก หลังจากนั้นข้าก็ประกาศตัวเป็นไอเสือออกปล้นเดียวมีปืนกระบอกเดียวเป็นเพื่อนตายปล้นหลายครั้งจนมีหมายจับไปติดตามโรงพักทั่วประเทศความดูเดือดเลือดพล่านของข้าน่สร้างความนิยมยกย่องในหมู่ทรชนคนร้ายจนแห่มาฝากตัวเป็นลูกสมุนนับไม่ถ้วนสามารถเปิดเป็นชุมโจนใหญ่ที่ตำรวจและโจนด้วยกันต้องเกรงขามชั่วโมงนั้นแผ่นดินเมืองสิงชัยนาะสุพรรณบุรี สถานวันไหวไปด้วยฤทธิเดชของโจรกศเสือกลัดพี่กลัดพูดเป็นจริงเป็นจังยังกับเรื่องจริงเจ้าน ะ, อะเอ็งจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแท้แต่ใจของเอง็งข้าเห็นจากการที่เอ็งเป็นนักเขียนมีเรื่องแปลกๆก็อยากจะเล่าให้ฟังเป็นหวั่นหูข้าเล่าถึงตรงไหนห่ะอ๋อตรงที่แผ่นดินสถานสะเทือนเพียงแค่ได้ยินชื่อเสือกลัดใช่ไหมความเกรียงไกรของข้าเนี่ยทําให้เสือเยี่ยม ขุนโจร น, นมกระเดื่องมาสมัครเป็นลูกสมุนมือขวาน้องสาวของมันคือนางส้มขอมาสวามีพักยอมเป็นเมียหัวหน้าชุมโจนแถมเกลี้ยกล่อมลุงป้านาอาในหมู่บ้านให้ทำตัวเป็นสายของโจรอีกด้วยเมื่อคนทั้งหมู่บ้านแห่งนั้นสมัครใจเข้าด้วยกันกับโจรคนท้องถิ่นอื่นและหมู่บ้านใกล้เคียงก็เหงื่อท่วมกบาลเพราะว่าใครยากดีมีโจรคนที่เป็นชาวบ้านด้วยกันย่อมรู้ดี ชาวบ้านที่ร่ำรวยขั้นเศรษฐีมั่งมีทรัพย์ก็เลยต้องขายที่ขายบ้านย้ายทินฐานไปอยู่ในตัวเมืองซึ่งปลอดภัยกว่ายกเว้นพวกที่ยากจนคนแคนแทบไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้ออันนี้ไม่ยอมย้ายไปไหนเพราะว่าลาพังไม่ต้องถูกโจปรปล้นก็แทบจะอดอยากตายอยู่แล้วให้พวกหลังนี่แหละที่ช่วยให้หมู่บ้านแต่ละแห่งไม่กลายเป็นหมู่บ้านร้างเพียงไม่กี่ปี โจร ก, ก็ของข้าก็สร้างบา ร, รมีได้เหนือกว่าโจรเกือบทุ ก, กก็แถมหัวหน้าใหญ่ยังมีแม่เสือสาวงสงเสน่ห์ที่ขุโนโจรอื่น ก, ก็อื่นต้องอิจฉาตาร้อนแต่พวกมันอิจฉาได้ไม่ น, น้นข้าก็นำบริวารไปเก็บขวาทีละป ก, กสอง ก, ก็เพราะถือมติว่าข้าชั่วช้าสา ม, มานได้คนเดียวใครจะมาเบ่งบา ร, รมีแข่งกับข้าไม่ได้ถ้าให้เชื่อฟังก็ต้องไปเบ่งในเมืองผีซึ่งข้าก็ยกเว้นไม่ตามไปเอาเรื่องเอาราวอีก ขุนโจรก็เล่าประวัติชีวิตอย่างคลึกครื้นอารมณ์ดีมีมุกตลกแจมเป็นระยะระยะฟังแล้วไม่เครียดสามารถจิบเหล้าไปพลางนั่งฟังไปพลางกระทั่งพระทิตตกดินอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวที่สุดก็เหลือโจรกกใหญ่ๆอยู่แค่ไม่กี่กกเจว่าไปก็เท่ากับค่าช่วยตำรวจปราบผู้ร้ายทางอ้อมเนี่ยชาวบ้านร้านตลาดก็ไม่ต้องอกสันขวัญแขวนเกินไปเพราะขาับพลนอย่างใจดีไม่ฆ่าเจ้าทรัพย์ ยกเว้นแต่จะฮึดสู้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าจำเป็นต้องส่งไปเมืองผีเพื่อไม่ให้เจ้าทรัพย์รายอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างผิดกับโจรกกเล็กกกน้อยคนละประเทศเลยไอหอกพวกนั้นปล้นข้าผมขืนทารุนโหร้ายทำเสียสถาบันโจรปนปี้หมด จนชั้นดีนะ่ะโคตต้องปล้นแต่พองงามเหลือเงินให้เจ้าทรัพย์เอาไว้ตั้งตัวได้ถ้าเสือกปล้นจนเจ้าทรัพย์เหลือแต่กางเกงในฝืนทุนไม่ได้อีกแล้วต่อไปโจนจะปล้นใครได้อีกอ่ะจนรุ่นข้าเวลาจะปล้นแต่ละครั้งมีการส่งใบบอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนเสมอว่าจะปล้นวันนั้นวันนี้ถ้าฮึดสู้ก็เตรียมคนเตรียมอาวุธให้พรักพร้อมจะได้เล่นสงครามเลือดกันให้สนุกแต่ถ้ายอมโดยดีให้ปักธงขาวไว้ที่กระไดหน้าบ้าน ข้าจะยกพวกไปปล้นแบบอารุ่อรวยท่อยทีท่อยอาศัยไม่เอาจนหมดตัวเหลือไว้ให้มีติดกระเป๋าเกือบครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่เพื่อวันหน้าวันหลังลืมตาอ้าปากได้จะได้แวะมาปล้นอีกอยู่มาวันหนึ่งเสือเยี่ยมพี่เมียของข้าแล้วก็เป็นรองหัวหน้าโจร เขาไปช่วยผู้ชายพนเนจรคนหนึ่งให้พ้นจากการโดนนักเลงรุมกระทืบแล้วก็พามาอบรมวิชาโจรไอ้หมอนี้มันชื่อไอ้ยิ่งแต่ปอดลอยไม่ยอดยิ่งสมชื่อเลยให้ฝึกชกมวยกับสมุนโจรก็สอนไม่ขึ้นเอาแต่ปอดลอยลูกเดียวข้าก็เลยมีส่วนแบ่งให้น้อยกว่าคนอื่นๆเพราะมันถนัดแต่งานสุจริตไม่ปรับปรุงตัวเองให้เยี่ยมหาเหมือนกับสมุนโจรรายอื่น อาศัยว่ามันขยันทำงานบ้านช่วยซักผ้ากวาดบ้านเข้าครัวเบาแรงเมียเข้าไปได้เยอะเสือยิ่งนี่เป็นชาวกรุงเก่ามันเล่าให้กับฟังว่าครอบครัวถูกโจรกกเสือเดชฆ่าล้างตระกูลโชคดีที่มันติดผู้หญิงคืนวันที่ถูกต้นมันแวบออกไปจีบสาวก็เลยรอดตายมาได้อย่างอุดหวิดมันร่อนเร่พเนจรเพื่อจะหาทางล้างแค้น แต่นรกหรือสวรรค์บันดาลก็ไม่รู้ทําให้มันมาโดนนักเลงรุมเหยียบม้ามที่เมืองสิงห์ถ้าไม่ได้เสือเยี่ยมยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือป่านนี้ลงไปนอนเล่นในหลุมนานแล้วมันก็เลยทดแทนคุณด้วยการสมัครเข้าเป็นสมุนโจรกกของข้าซึ่งเป็นแล้วลาออกไม่ได้ลาออกหรือว่าคิดหนีจากชุมชนมีโทษสถานเดียวคือถูกส่งไปลงนรกคราวหนึ่งข้าจัดหนักด้วยการยกพวกเขาปล้นร้านทองกลางตลาดในตัวเมือง ซึ่งอยู่ห่างโรงพักหลายสิบกิโลเมตรคาดไม่ถึงว่าจะเจอของแข็งเข้าให้ฝ่ายร้านทองเขานำกําลังคนมาจากไหนไม่รู้ต้านทานอย่างเหนียวแน่นระดมยิงจากที่ซุ่มเป็นหาผลเป็นครั้งแรกที่ข้าต้องร้องตะโกนว่าเอ้ยไอเสือถอยทั้งที่ยังปร้นไม่สำเร็จไม่เท่านั้นทางฝ่ายร้านทองยังติดตามไล่ล่าอย่างเอาเป็นเอาตาย คนข้าต้องร้องบอกสมุนโจนในกรมหัวหลบวิถีกระสุนอย่างชนิดต่ำสุดยิ่งต่ำขนาดลงไปถึงเมืองนรกได้ยิ่งดีเพราะอำนาจการยิงของฝ่ายตรงข้ามมันเหนือกว่าฝ่ายโจนบานตะเกียงเลยทีเดียวแล้วตกลงว่าพี่ล่าถอยได้อย่างปลอดภัยไหมละ่ะงานใหญ่คราวนั้นข้า ย, ยกพวกไปสิบแปดคนมือชั้นพระการทั้งสิน้นแต่ม่องเท่งไปง่ายๆกว่าครึ่งเพราะถูกลอบยิงตอนหลบหนี ข้ารู้ทันทีที่หนีรอดกลับถึงชุมโจรได้ว่าในหมู่โจนต้องมีหนอนบ่อนไส้ส่งข่าวให้ร้านทองรู้ล่วงหน้ามันถึงได้แจ้งให้ตำรวจมาดักเล่นงานพวกข้าอย่างเจ็บแสบข้าก็ประกาศต่อหน้าชุมโจรหากจับได้ว่าใครเป็นสายให้ทางการเขาจะจับมันผ่าท้องเอากันไก่ตัดไส้ทิ้งวันละหนึ่งนิ้วตัดไปเรื่อยๆจนพอไส้ทุกขอดจะหมดไปจากพุงกะทิหลังจากวันนั้นเป็นต้นมา ความเคลื่อนไหวของข้าต้องรับสุดยอดไม่บอกให้ใครรู้เพราะว่าตอนนั้นเริ่มระแวงรองหัวหน้าโจนก็คือเสือเยี่ยมซึ่งไม่ได้ร่วมปล้นร้านทองตอนเสือเยี่ยมสมัครเข้าร่วม ก, ก๊กมีกาลังคนติดตามมาด้วยมันอาจต้องการเป็นใหญ่แทนข้าก็าได้ฝ่ายเสือเยี่ยมก็รู้ว่าข้าเริ่มแครงใจในตัวมันมันก็เลยหันหน้าเข้าปรับทุกอนังโจรเมียของข้าซึ่งเป็นการคิดผิดอย่างมหัน นาทีหน้าสิวหน้าขวานข้าไม่เชื่อใจใครแม้แต่เมียตัวเองซ้ายังมีบริวารแอบฟังแล้วนำมาบอกข้าว่าเสือเยี่ยมน่ะคิดจะแยกตัวไปตั้งชุมโจนใหม่ด้วยเหตุนี้เสือเยี่ยมจึงหายสาบสูญไปจากโลกอย่างลึกลับคนเดียวที่พอจะคาดเดาอะไรได้ก็คือเมียข้าแต่ก็น้ำท่วมปากพูดไม่ออกบอกไม่ถูกได้แต่โศกเศร้าร้องไห้ภูมิภายในที่รักตาคน สมุนคนสนิทของเสือเยี่ยมก็พอจะคาดดาวถูกว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็หาทางล้างแค้นแทนลูกพี่ศึกภายในก๊กของข้าก็เลยระเบิดขึ้นฝ่ายหนึ่งเป็นสมุนเก่าของเสือเยี่ยมอีกฝ่ายเป็นลูกสมุนรุ่นแรกๆที่ติดตามข้ามาตั้งแต่ต้นหญิงกันระเบิดเถิดเทิงต่างฝ่ายต่างล้มตายเป็นใบไม้ร่วงลงท้ายฝ่ายเสือเยี่ยมลงหลุมไปหมดเกลี้ยงเลยฝ่ายข้าก็เหลือกําลังแค่ไม่กี่คน แทบจะเป็นการล่มสลายของชุมชนที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรก็ว่าได้แต่ก่อนที่สมุนเอกของเสือเยี่ยมจะสิ้นใจมันบอกความลับอย่างหนึ่งให้ข้ารู้ว่าหนอนบอนไส้ตัวจริงก็คือเสือยิ่งไอเสือที่ว่าไร้น้ํายาไอนี่เองที่ส่งข่าวให้ตํารวจมาดักซุ่มตอนปล้นร้านทองเสือเยี่ยมยังเคยปรับทุกกับน้องสาวเรื่องนี้เออเสียดายที่ข้าระแวงเกินเหตุ ตอนนั้นเสือเยี่ยมก็เลยตัดสินใจแยกตัวจนเรื่องบานปลายถึงขั้นฆ่าแกงกันครั้งใหญ่ส่วนเรื่องที่สมุนเอกของเสือเยี่ยมสู้ตายกับข้าก็ไอเสือยิ่งอีกนั่นแหละเสียมเขาควายให้ชนกันยุแยงตะแคงรั่วว่าถ้าข้าคิดจะเก็บสมุนเสือเยี่ยมให้สิ้นซากก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่พวกมันจะต้องสู้ตายถวายชีวิตสิ่งที่รู้จากปากคนใกล้ตายเนี่ยมักจะเชื่อถือได้เต็มร้อย เพราะว่ามันไม่ต้องการผลประโยชน์อะไรอีกแล้วข้าก็เลยเรียกเสือยิ่งออกมาพบใต้ต้นมะขามใหญ่ต้นที่เรากําลังนั่งสดเล่ากันอยู่นี่แหละถามมันอย่างลูกผู้ชายเรื่องที่ข้ารู้จากสมุนเอกเสือเยี่ยมนะ่ะเป็นความจริงหรือเปล่าคําวันนั้นเสือยิ่งท่าทางหน้าเกรงขามผิดกว่าเดิมเป็นคนละคนมันบอกว่าถึงแม่พี่กัดจะเป็นขุนโจรสามจังหวัดที่สร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านตลอดมา แต่ว่าพี่ก็เมตตาเอ็นดูฉันเหมือนกับน้องชายแท้ๆแผ่นดินสามจังหวัดนี่อาบชุ่มไปได้วยเลือดสดๆที่พี่าศาสตร์มันนองปะตพีทีเดียวมันเป็นเลือดของราษดอนตาดำๆที่หากินทางสุดจริตต่อให้ฉันไม่ใช่ร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งรองสารวัตรฝ่ายปราบปรามฉันก็ทนเห็นโจนรร้ายมาลอยนวลอยู่เหนือเงื้อมือกฎหมายไม่ได้บุญคุณนะ่คงจะต้องไปชดใช้กันชาตินะ คืนนี้ฉันให้โอกาสพิกดัดดวลปืนกันตัวต่อตั ว, ตวใครดีใครอยู่ใครพรลาดก็ไปเมืองผีมันก็บข้ามีปืนอยู่ในสองหนังข้างเอวเป็นนาทีทองที่ขาจะได้กําจัดหนอนบอนไส้ให้สินสากข้าก็ยืนจังกล้าอยู่ใต้ร่มมะขามตรงที่นั่งสดเล้าอยู่ตอนนี้ละ่ะเจ้าตารวจหนุ่มคนนั้นก็ยืนอยู่ห่างออกไว้ประมาณริมถนนพริบตานั้นก็มีเสียงกำปนาดเหมือนฟ้าผ่าดังขึ้นนัดหนึ่ง ขาเพิ่งกระชากปืนพกสั้นออกจากซองหนังอยู่ๆก็เสียปราบที่กลางหน้าผากร่างสุดทวบเหมือนถูกขวานจามหน้าผากนี่เป็นรูกลวงโบมันสมองปนเลือดสดๆไหลยเยิ้มออกมาจากรูนั่นไอ้ตำรวจตัวแสบมันชักปืนไว้ยังกระจรวดทั้งที่แสดงตัวเป็นคนขี้ขลาดตลอดมาแสดงว่ามันเป็นเสือซ่อนเล็บถูกส่งมาทลายชุมจนโดยเฉพาะ เรื่องเล่าของขุนโจรจบลงอย่างเหนือความคาดวันจะว่าเสือกลัดหักมุมตอนจบพลิกแปลงให้เหนือการคาดเดาก็น่าจะใช่ด้วยนาทีนี้ร่างผอมสูงในชุดดำดูเหมือนมีแสงสว่างเรืองๆเหมือนตัวหิ่งห้อยทำให้มองเห็นในความมืดตอนพลบคำ่ำผมมองเห็นที่กลางหน้าผากของเขามีรูกลวง โ, บโบเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแสดงว่าถูกยิงเข้ากลางแสกหน้าจริงๆ มันสมองก็เลือดสีแดงเถือกไหลเปรีออกมาจากรูกระสุนแต่ว่าเสือกลัดยังนั่งเล่าเรื่องต่อไปอีกทั้งที่กลายเป็นศพไปแล้วนี่ไงอ่ะเรื่องผีๆสางสางที่นักเขียนอย่างเองอยากจะได้ยินกับหูตัวเองข้ารอเวลานำเรื่องมาเปิดเผยหลายสิบปีแล้วพึ่งจะศบโอกาสเหมาะก็คําวันนี้ข้าตายสมกับความโฉดชั่วทาให้วิญญาณตกค้างเป้าแต่วนเวียนอยู่ตรงนี้ ไปผุดไปเกิดตามเวลานูเวรเหมือนกับผีอื่นๆไม่ได้สักทีเบื่อจะตายอยู่แล้วเองลองเอาไปเขียนให้คนเขาอ่านเผื่อว่ากูศลผลบุญที่สามารถทําให้คนเราเชื่อเรื่องเวียนไหวาตายเกิดจะช่วยให้ข้าได้ไปเกิดใหม่ถึงจะตกนรกหมกไหมก็ยังมีเวลาได้เกิดใหม่ไม่ใช่อยู่อย่างจำเจ จ, ำเจําเจตรงนี้ตั้งหลายสิบปีมันเอื้อมระอาเหลือเกินกล่าวขาดคําร่างผอมสูงในชุดดําก็หายวับไปกับตา เป็นการยืนยันว่าผมนั่งคุยกับผีตัวจริงเสียงจริงซ้ำยังเป็นผีที่มีความเป็นมายิ่งใหญ่ในฝ่ายมิจฉาชีพทำเอาขนลุกเรียวก่าวสั่งหั ว, หวจะดเท้าแต่ไม่ถึงขั้นตกใจจนสติแตกเนื่องจากผีเสือกลัดไม่มีเจตนาจะหลอกหลอในให้หวันหนีดีฟอสิ่งที่เกิดขึ้นมีเพียงตกใจจนตัวสั่นเป็นเจ้าข้าวเดินตัวแข็งพลาจากแค่ไม้ไผ่ใต้ร่มมะขามย้อนกลับไปที่ร้านข้าวต้ม เวลานั้นช่างเจ้าของอู่เพิ่งจะนำลูกล้อรถที่ปะยางเสร็จเรียบร้อยมาใส่เข้าที่เดิมทุกชีวิตในบริเวณนั้นสามารถขึ้นรถโดยสารเดินทางต่อไปได้แล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุยางแตกอะไรอีกมีแต่ความทรงจำเรื่องผีขุนโจรติดค้างอยู่ในสมองของผมจากคืนนั้นถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาตั้งหลายสิบปีมาแล้วครับ โอกาสที่ผมได้นำเรื่องผีขุนโจรใหญ่เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเชื่อว่าเสือกลัดเนี่ยคงจะได้รับอา น, นิสงส์ผลบุญได้ไปเกิดใหม่สมใจตามที่ตั้งความปรารถนาเอาไว้ครับเรื่องแปลกๆนี้เกิดขึ้นที่มหาชัยครับนางบัวนี่เป็นลูกจ้างอยู่ที่โรงหล่อพระ มีสามีชื่อนายประภาสทำงานอยู่ด้วยกันมีบ้านพักคนงานให้พักอยู่หลังโรงงานด้านหลังนี่จะเป็นคลองแยกมาจากแม่น้ำท่าจีนก็มีเพื่อนคนงานห้าหกคนมีนายทดคนเดียวที่ยังเป็นโดูดนอกนั้นก็มีครอบครัวกันแล้วเวลาวันหยุดทุกวันอาทิตย์ก็จะหาปลาฆ่าเยียกินกันแถวป่าปรงป่าจากหลังโรงงานในเหียชุกชุม หาเก็บผักบุ่งยอดกระถินตำลึงมาประกอบอาหารชีวิตก็มีความสุขดีมีการดื่มกินกันทุกวันหยุดโรงหล่อนี่ใช้คนงานไม่มากมีแค่แปดคนทั้งลูกชายเจ้าของโรงงานที่มาช่วยในการหล่อมาช่วยคุมช่วยดูแลวันนี้นายประภาส ช, ชวนลูกชายเจ้าของโรงงานมากินเหล้าที่บ้านพักคนงานเออเจ้านายครับ วันนี้ขอเชิญมาทานเล่ากับพวกผมหน่อยสิครับมันเป็นวันเกิดผมครับผมซื้อหงไว้ตรมนึงเอาไว้ให้เจ้านายครับลูกเจ้าของโรงงานก็บอกว่าฉันกินเล่าของพวกแกไม่เป็นหรอกพวกแกกินกันเถอะเดี๋ยวฉันเอารีไปกินเองว่าแต่มีกับแกลมเปล่ะประภาษก็บอกว่าเออเออมีครับมีปลาช่อนต้มยำแล้วก็ผัดเผ็ดตับภาพครับ ความจริงไม่ใช่ตาภาพหรอกมันเป็นเนื้อเฮียประาพาสโกโหกว่าเป็นตภาพอ้าวแล้วแกเอาตาภาพมาจากไหนเน่ะประาพาสถูกถามก็อั้มอึง่งตอบตะกุกตะกักเออคือพอดีมีคนเขาเอามาขายอ่ะครับก็เลยซื้อเอาไว้สองตัวลูกเจ้าของโรงงานก็พยักหน้าแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยจะเห็นใครมาขายนาตภาพเนี่ยเห็นเขาว่าแถวบางน้ําจืดเนี่ยเขาเลี้ยงกัน สงสัยคนที่เอามาขายเนี่มันขโมยมาเปล่าอ่ะตัวเจ้าของบ่อเนี่ยเขาคงไม่มาขายหรอกประพาดก็บอกว่าคงอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวนายไปนะครับเออเ อ, อ, เ, อ, อเดี๋ยวตามไปพระพาดก็รีบมาบอกเพื่อนเพื่อนแล้วก็บอกเมียว่าอย่าบอกนะว่าเป็นผัดเผ็ดเฮียอ่าให้บอกว่าเป็นตะภาพนะนายสมนึกก็พูดขึ้นมาไอพาดนี่มึงบังอาจหลอกเจ้านายให้มากินเฮียนะมึงบาปนะเว้ย ปรพาธก็บอกบาปบาป้าบอลอะไรเขาเป็นคนกินคนที่จะบาปก็คือคนที่ช่วยกันฆ่าเหี้ยแหละชวนเขามากินนะคนกินไม่บาปลอกอ่ะให้กินเหี้ยซะบ้างนะบนเก่งชมัดเจ้าทุกคนก็หัวเราะชอบใจที่เจ้านายโดนหลอกให้มากินเหี้ยเมื่อลูกชายเจ้าของโรงงานมาก็เอาเหล้ามาด้วยเหล้าหงทองที่เตรียมไว้พวกลูกน้องก็ต้องกินเอง เห็นเจ้านายดื่มเหล้ายีหา่ห้อแพงขวาก็พากันอยากจะลิ้มลองเจ้านายก็เหมือนจะรู้ใจก็บอกว่าพวกแกคงจะไม่เคยกินเหล้ายี่ห้อนี้ใช่ั้มทุกคนก็บอกแทบจะพร้อมกันไม่เคยอ่าไม่เคยกินมันแพงครับไม่กล้าซื้อกินหรอกครับเงินมันน้อยกลมหนึ่งอะทำงานทังสองทั้วันลูกชายเจ้าของโรงงานก็บอกว่ายี่ห้ออื่นอะแพงวันนี้ก็มีแต่ว่าฉันชอบยี่ห้อนี้มันรสชาติดี พวกแกลองชิมกันดิฉันอนุญาตฉันกินไม่หมดหรอกนะถือว่าเป็นของขวัญให้ประภาสมันทุกคนก็ดีใจก็รีบรปริ้นผสมน้ำแข็งโซดาโอ้โหเจ้านายรสชาติมันนุ่มมันหอมจริงๆคนงานหลายคนก็บอกรสชาติดีบรรดาเมียเมียทุกคนก็มาดื่มกินกันด้วยประภาสเลื่อนจานผัดเหี้ยให้เจ้านาย ออลองชิมหน่อยสิครับมันอร่อยนะครับเนื้อนี่กรุบกรุบจ้ลูกชายเจ้าของโรงงานก็ตักกินแกไม่เคยกินตะภาพหรอกพอได้กินผัดเทียก็ติดใจบอกอร่อยเออนี่วันหลังถ้ามีมาขายอีกก็ผัดเผือด้วยนะซื้อมาเท่าไหร่ด้วยฉันจะจ่ายเงินให้เองทุกคนก็ยิ้มการดื่มกินวันนี้มันช่างมีความสุขที่ทาให้เจ้านายพอใจก็พากันดื่มมั่วทั้งเหล้าสีเหล้าขาว เจ้านายกลับไปก่อนก็พากันเมาปลิ้นไปตามๆกันอยู่ต่อมาประภาสกับเพื่อนก็เห็นว่าในคลองเนี่ยมีปลาชะโดตัวใหญ่อยู่สองตัวมีปลาลูกครอกเตียงเล็กๆว่ายกันเป็นกลุ่มตามพ่อตามแม่มันประภาสก็เอาชมวกแทงได้มาตัวหนึง่งกดปล้ำกันแทบตายขว่าจะจับมันได้ส่วนอีกตัว น, น่ะหนีไปได้เมื่อจับชะโดตัวใหญ่ได้บัวซึ่งเป็นเมียก็บอกว่า เอามาต้มทำน้ำยากันดีกว่าเพราะว่าเนื้อปลาชะโดมันมีรสชาติจืดชืดเอามาทำน้ำยาเข้าเครื่องแกงจะดีกว่าไปทำอย่างอื่นนะทุกคนก็เห็นด้วยก็พากันลงขันซื้อขนมจีนพร้อมกับผักเอามามากกะว่าพอที่จะได้กินได้ทั้งวันน้ำยาปลาใส่ปลาราผสมเนื้อปลาชะโดต้มตัวใหญ่ได้มอเบรอร์และกินกันอย่างอิ่มหมีปริมาณ ค่ำนั้นก็พากันนอนวันนี้ไม่ได้กินเหล้าเหมือนวันอาทิตย์อื่นเพราะว่าเงินยังไม่ออกแล้วก็มัวแต่จับปลากันคืนนั้นประพาดก็ฝันเห็นปลาชโดมันอยู่ตรงข้างตัวที่เขานอนมึงฆ่ากูทําไมลูกกูยังเล็กกูจะไม่อภยัยพวกมึงใครที่ช่วยมึงจับมันจะต้องตายเสร็จแล้วเฮียอีกเป็นสิบตัวก็คลานเต็มห้องความฝันนี่เหมือนจริงมากอนะ ในฝันนั้นประพาสเหลียวซ้ายแลขวาจะลุกขึ้นไปเอาฉมวกมาแทงปลาชโนแต่เหี้ยหลายตัวก็จ้องมองตวัดหางจะคว้ า, วาประพาสเขาก็เลยชะงักรู้สึกกลัวก็เลยนั่งลงหยิบมีดพกแทงลงที่คอปลาชโนแต่ร่างของปลานั้นหายวับไปมีดที่ปักลงโดนพื้นปูนอย่างจังประพาสตกใจตื่นก็ใจชื้นขึ้นมาว่ามันเป็นแค่ความฝัน แต่ในมือของเขายัางกำ ม, มีดไว้นัน่นบัวได้ยินเสียงมีดกระทบพื้นก็ตกใจตื่นเช่นเดียวกันมีอะไรเหรอพี่พี่ฝันเห็นปราชโดกระเฮียเสร็จแล้วประพาสก็เล่าความฝันให้บัวฟังคิดมากกับพี่มันก็แค่ความฝันต่อมาหลังเลิกงานห้าโมงเย็นนิดเมียของเพื่อนร่วมงานก็บอกให้ผัวไปซื้อปลากระกป๋องกมาม่าให้หน่อย ให้ไปซื้อที่ร้านใหญ่หน้าปากซอยซื้อมาม่าเป็นลังจะถูกกว่าร้านในซอยผัวก็ขับรถเครื่องจะไปซื้อของให้ก็ปรากฏว่ามีเมียเพื่อนร่วมงานอีกคนนึงขอซ้อนไปซื้อของด้วยครูใหญ่ก็ยังไม่กลับนิดก็ชัดจะโมโหร้านไกลแค่สองสามกิโลก็บนกับบัวมันไปถึงร้านไหนกันนะป่านนี้ยังไม่มา บ, บัวก็บอกว่าก็ ที่ช้าเนี่ยคงจะเป็นเพราะอีแมมมันไปด้วยหรือเปล่าอ่ะอีแมมนั้นคงจะเลือกซื้อหลายอย่างนิดก็บอกว่าถ้าจะใช่อีเนี่ยมันชอบเดินดูของสักพักยามที่เฝ้าหน้าโรงงานก็บอกว่ามีคนมาบอกว่าผัวของนางนิดกับนางแม่มเนี่ยถูกชนอยู่ใกล้ๆกับร้านค้าทุกคนได้ยินก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากก็รีบซ้อนรถเครื่องออกไปดูรถร่วมกตันอยู่ รถตำรวจรถพยาบาลมากันครบปรากฏว่าทั้งสองตายคาที่เพราะขับตัดหน้ารถกระบะคงจะคิดว่าจะพ้นรถกระบะน้ําหม้อน้ําแตกไปไหนไม่ได้เขาบอกเบรกไม่ทันจริงๆต่างก็พากันเศร้าใจญาติคนตายก็นําศพกลับบ้านนอกที่เหลืออยู่ก็ไม่มีใครไปร่วมงานได้แต่ช่วยเงินไปคนละไม่เท่าไหร่พวกนั้นคงยังไม่กลับมาอีกแล้ว เสร็จ แ, แล้วไม่นานก็มีคนใหม่มาสมัครอีกสี่คนตามที่ประกาศไว้ที่หน้าโรงงานเป็นหนุ่มสดทั้งสี่คนมาจากอุดรมาหางานทาที่นี่กันคนงานที่เหลืออยู่ไม่กี่คนก็ดีใจที่มีเพื่อนร่วมงานมาอยู่แทนผัวเมียสองคู่ที่กลับบ้านไปไม่มีใครบอกเรื่องคนเก่าถูกรถชนตายอาทิตย์นี้ประพาสมายืนสู่บุรีอยู่ริมคลองมันร่มรื่นดีมีต้นลาพูลาแพนให้ร่มเงา ก็เห็นปลาชะโดตัวใหญ่ไหวไปไหวมาก็นึกถึงความผ่อนก็คิดแคนว่ามึงอาฆาตกูดีนักเดี๋ยวกูจะเอามึงมาทําน้ํายาอีกตัวประพาดบอกกับบัวแล้วก็เพื่อนร่วมงานคนเก่าบอกว่าเอ้หาพริกหาเครื่องแกงทําน้ํายาปลาเข้าเดี๋ยวกูจะจับปลาชะโดมาทําน้ํายาจะได้เลี้ยงเพื่อนใหม่ด้วยบัวก็บอกว่าแม้ปลายังไม่ได้เลยจะให้ตําน้ําพริกรอ เกิดไม่ได้ปลามาก็เกอ้อกันพอดีประพาศก็บอกว่าไม่เก้อรักแปบ๊บเดียวน่ะเสร็จแนะ่ไอเตีย้ยมึงมาช่วยกูทีเจ้าเตี้ยเพื่อนร่วมงานก็ถามว่าจะให้ช่วยอะไรมึงเอาตะแกรงย่างปลามาแล้วเอาสายไฟถอดออกจากแท่นปลัก๊กปูะโยงกับตะแกรงช็อตปลาเว้ยคราวนี้แหละมึงตายยกรังแนะ่ทั้งสองก็ช่วยกันเมื่อต่อเสร็จก็บอกกับเมียของเตี้ย ว, ว่าเสียบไว้ให้ที ประพาธก็เดินถือไม้ที่ผูกติดเตะแกรงไปที่ริมตะลิงปรากฏว่าท่าไหนไม่รู้เกิดลื่นตกน้ําเตี้ยก็รีบคว้าตัวเพื่อนไว้โดยลืมไปว่าประพาธเนี่ยถือตะแกรงที่มีกระแสไฟตกลงไปในน้ําด้วยร่างของคนทั้งสองถูกไฟช็อตตายเพื่อนร่วมงานที่มาใหม่คอยดูผลงานก็ตกใจวิ่งไปถอดปลัก๊กแต่ว่าช้าไปทั้งสองตายขาคลอง ปลาชโดตัวใหญ่นะั้นไม่มีใครเห็นมีแต่ปลาตัวอื่นแล้วก็ลูกปลาชโดนั้นลอยตายกันเกลื่อนทุกคนร้องไห้ระงมบัวเนี่ยถีบครกติดตามเครื่องแกงน้ำยากระเด็นเท่าแก่พอทราบเรื่องก็มาดูรวมทั้งลูกเท่าแก่ด้วยก็มาดูเมื่อแจ้งให้ตารวจทราบแจ้งมูลนิธิแล้วศพก็ถูกพาไปชนะสูตรก่อนที่จะมอบให้ญาตินาศพไปประกอบพิธีทางศาสนา บัวและเมียของเตี้ยก็เสียใจมากจะไม่ขอกลับมาทํางานที่นี่อีกส่วนสีน่น่มที่มาใหม่นั้นถึงจะกลัวผีแต่ก็ทนอยู่ยามก็เล่าว่ามีคนตายถึงสี่คนแล้วเขาว่ากันว่าเพราะไปกินน้ํายาปลาชโดมันอาฆาตอย่าไปกินไปจับมันมากินไปนั้นขาดเจ้าของโรงงานก็ช่วยค่าทําศพไปคนละหมื่นเหมือนเหมือนกับสองศพแรก แต่ว่าคราวนี้เท่าแกจัดทำบุญที่โรงงานแล้วก็มาพรมน้ำมนต์ให้ที่หอพักคนงานแล้วก็ทำพิธีเรียกวิญญาณประพาสกับนายเตี้ยให้ขึ้นจากน้าไปอยู่วัดเพราะว่าทางญาติของประพาสและเตี้ยเนี่ยไม่ได้มาทำพิธีเท่าแกก็ติดประกาศรับคนงานอีกสี่คนแล้วก็กำชับคนเก่าห้ามเล่าเรื่องคนตายให้คนใหม่ฟังเดี๋ยวจะกลัวไม่กล้าอยู่ แต่ความลับก็ไม่มีในโลกเมื่อเล่าเข้าปากคนงานที่รู้เรื่องกับเหตุการณ์ที่จับปลาชโดมาทําน้ํำยาก็อดเล่าให้คนมาอยู่ใหม่ฟังไม่ได้ทุกคนไม่มีใครกล้าไปจับปลาในคลองอีกแล้วดังนั้นพวกตัวเฮี้ยทั้งหลายก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีใครมาไล่จับมันกินเหมือนกับคนงานชุดก่อนอีกเลยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมมาจันยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับนัตถิกรำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจันยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องประสบการณ์การปฏิบัติธรรม ของหลวงพ่อจารันพิตะธรรมโมวัดอัมพรวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่ท่านได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องตายแล้วไปไหนซึ่งเป็นเรื่องของลูกศิษย์ของท่านชื่อนายวิโรธท่านบอกว่านายวิโรธเนี่ยปฏิบัติได้ดีมากเล่าไม่ดื่มบุรีไม่สูบเป็นคนไม่คลองแวะกับอบายามุกเลยนายวิโรธเนี่ยมีแฟนคนหนึ่งเป็นคนจังหวัดเดียวกัน เขารักกันมากเมื่อเรียนจบแล้วนายวิโรธก็สอบบรรจุได้เป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยครูเชียงรายส่วนแฟนของนายวิโรดนี่เขาสำเร็จปวชเรียนต่อปวสแล้วก็ลาออกไปทำงานที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดพะเยาต่อมาเมื่อปี2526เขามีโครงการอบรมกันที่วัดอัมพวันอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ท่านอธิบดีสมพรเทพสิทธาประธานสภายุวพุทธิกสมาคมผู้จัดการอบรมได้เชิญรัฐมนตรีคือร้อยตำรวจโทชาญมานูธรรมมาเป็นประธานในพิธีเปิดจะนำเครื่องบินมาลงที่นี่อาจารย์สมเดชมุงเมืองซึ่งเคยมาเข้าค่ายพัฒนาจิตใจที่จังหวัดอำพวันสมัยเป็นนักศึกษาปกสสูงต่อมาเรียนสาเร็จปริญญาโท เป็นอาจารย์วิทยาลัยครูเชียงรายอาจารย์สมเด็จก็ชวนนายวิโร์ว่าไปไหมนายวิโรธก็บอกว่าไปแน่เพราะว่าเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วมันทราบสูงใจเหลือเกินอาจารย์สมเด็จก็เลยบอกให้ในายวิโรธไปเป็นวิทยากรแล้วก็ช่วยควบคุมนักศึกษาที่วัดอัมพวันนายวิโร์ก็บอกว่ายินดีมากเสร็จแล้วนายวิโรธก็ได้ไปชวนแฟน คือกั ล, ลยานี่ให้มาอบรมด้วยแต่กั ล, ลยาปฏิเสธบอกว่าคุณไปก่อนเถอะเอาไว้แก่คราวคุณย่าคุณยายซะก่อนแล้วค่อยไปกั ล, ลยาไม่สนใจไปนายวิโรธก็เตรียมกระเป๋าสองลูกมีเป้มีกระติกน้ําร้อนน้ําเย็นพร้อมพอดีจะต้องไปเล่นกีฬาแล้วถึงจะมาเขาก็เตรียมกระเป๋าเรียบร้อยตั้งใจมั่นจะไปแน่ มีศรัทธาร้อยเปอร์เซนจะมาอบรมที่อำมพวันโดยวันที่21ตุลาคม2526ตอนนั้นห้าวันห้าคืนเนี่ยจะนำนักศึกษามาประมาณร้อยสองร้อยคนพอถึงวันที่16ตุลาคมก่อนจะถึงกำหนดจะไปวัดอำมพวันห้าวันในวิโรธขี่จักรยานยนต์ไปรับแฟนให้แฟน้อนท้ายมา เดชะกฎแห่งกรรมดนบันดาลให้รถชนในวิโรธตายคาที่แฟนก็ไปตายที่โรงพยาบาลวิโรธตายนี่ชนิดหัวเละไส้ทะลักมอเตอร์ไซค์พังแฟนตายวันรุ่งขึ้นคือวันที่สิบเ็ดตุลาคมญาติตั้งศพที่วัดในหมู่บ้านโดยแยกกันของใครของมันไม่ได้ตั้งรวมกันพอตายแล้วนายวิโรธเล่าว่วา เขาตั้งสติของเขาดีเขาออกมายืนพิจารณาสังขารของเขาว่าหัวเละใส่ก็ออกไปแล้วแล้วเขาก็มายืนเขามีสติครบนี่ไม่ใช่ว่าศพตายแล้ววิญญาณจะอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวญาติโยมจะเข้าใจผิดและเวลาที่ใส่หีบลงเข้าแล้ววิญญาณคงจะอยู่ในโลงศพนะไม่ใช่เขายืนยันมาอย่างนี้เขาเล่าว่าเขาก็ตามไปยังที่ตั้งศพของเขา ตอนที่อาบน้บําศพเขาก็ยืนดูหัวเลอะๆละ้วก็ดูสังขารของเขาอาบน้ําศพตามประเพณีนเขาก็รู้หมดเสร็จแล้วก็เอาศพใส่หีบตั้งบําเพ็ญกุศลพระก็เริ่มสวดบําเพ็ญกุศลมีการสวดพระอภิธรรมอาตมาก็ถามว่าพอตั้งศพแล้ววิญญาณไม่อยู่ตรงนั้นเหรอเขาบอกว่าไม่ได้อยู่รักบางทีเราเคาะลงบอกว่าแม้ออกมาพระจะสวดแล้ว แม่ออกมาทานอาหารเสียอันนี้เก็ะเคาะกันไปอ่ดีเหมือนกันเป็นการกระตันอยู่รู้คุณแต่ที่จริงแล้ววิญญาณออกมาแล้วหาได้อยู่ที่ร่างนั้นไม่แล้วความจริงเป็นอย่างนี้ในที่สุดพอตั้งศพเรียบร้อยดีแล้ววิญญาณนายวิโรธก็มาถึงนี่ทันทีนีน่ี่หมายถึงที่วัดอัมพวันวิญญาณนายวิโรธมาถึงวัดอัมพวันญาติโยมโปรดฟังนะ จิตเตสังกิริตเถทุกขติปฏิกังขาถ้าจิตเศร้าหมองแล้วตายเนี่ยเราเป็นทุกขะติเป็นที่หวังได้คือไม่ได้ไปดีอะจิตเตอสังกิริตเถสุขติปฏิกังขาแต่ถ้าจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขตินี่เป็นที่หวังได้อ่คอตตอ า, า, าออคือต้องไปที่ดีแน่นอนจิตไม่เศร้าหมองนะ จิตคนเรานี่มันจะไปไม่ติดไฟแดงไม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแหละที่เดียวถึงเลยอย่างโยมนั่งหลับตานึกถึงบ้านนี่ถึงเลยนึกถึงที่นอนเราก็ถึงเลยนึกถึงครัวก็ถึงเลยเหมือนอย่างโยมนั่งพักอยู่ที่นี่จะไปที่หอฉันรับประทานอาหารมันก็ไม่เลี้ยวหยุดตรงนอนตรงนี้ไม่ไม่มันจะถึงเลยนั่งเก้าอี้ตรงไหนก็ถึงตรงนั้นแหละมันเป็นแบบนั้นจริงๆ แล้วในที่สุดนายวิโรธก็มาถึงวัดอัมปวันในวันที่16ตุลาคม2526นั่นเองพอดีก็มีการอบรมนักศึกษาวิทยาลัยครูเทพสตรีแล้วก็ปิดการอบรมกันในวันนั้นที่หอประชุมมีเก้าอี้อบรมทั้งวิชาการมีปฏิบัติกรรมาฐานน้อยยังไม่ได้ปฏิบัติกันเค้่งครัดอะไรสมัยนั้นคือเมื่อพศ2526 ปฏิบัติยังไม่เคร่งครัดแต่ก็มีโตะ๊ะมีเก้าอี้พอวิทยาลายัยครูเทพสตรีอบรมเสร็จออกไปแล้วก็ทำความสะอาดกันตอนนั้นมีพระภิกษุปริญญาโทรูรปหนึ่งปริญญาตรีรูปหนึ่งมาบวชสิบห้าวันไม่ได้สนใจมาเจริญกรรมฐานหรอกต้องการจะมาบวชพักผ่อนดูหนังสือจะไปอเมริกาจะไปต่อปริญญาเอกไม่ได้มานั่งกรรมฐานอาตมาก็บอกว่า นี่คุณต้องการจะไปเรียนหนังสือต่อก็ควรจะนั่งกรรมาฐานเสียจะได้ไปเรียนสำเร็จมีปัญญาดีเขาก็บอกว่าโอ้ยผมไม่สนใจหรอกผมจะดูหนังสือจะต้องเดินทางไปอเมริกา อ, องค์ที่ว่าปริญญาตรีก็เหมือนกันแบบเนี้ยแต่เขาขยันดีมาช่วยขวาดตอนนั้นยังไม่มีพรมที่มีพรมปูเพราะว่าคุณแม่สิริกรินชัยพาพวกโยมมา ในรายการยัวพุทธิกะสมาคมก็เลยมีพรมปูให้นั่งก็ได้อานิสงค์ขึ้นก็นั่งกวาดโน่นกวาดนี่ที่พรมไม่มีก็ใช้เสื่อปูเอาแล้วก็เอาเก้าอี้ตัง้งเมื่อเอาเสื่อออกนี่ฝุ่นมันเยอะแยะก็ทําความสะอาดกันปัดกวาดอะไรกันทํานองเนี้ยอาตมาก็นั่งบนเก้าอี้พระปรินญาโทรปริญญาตรีก็มาช่วยกันกวาดอยู่ใกล้ๆตอนเย็นมากแล้ว พวกที่เลิกอบรมเขาก็กลับกันไปแล้วสักประเดี๋ยวมาแล้วนายวิโรธถือกระเป๋ามาสองลูกเป้ ก, ก็วางอยู่มากราบอาตมาอาตมาก็ถามว่าเอามายังไงกันเนี่ยเขาก็บอกว่ามาอบรมครับอามาอบรมอะไรยังไม่ถึงเวลาอีกตั้งหลายวันเริ่มวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมปีสองหกเนี่ยนี่มันเพิ่งสิบหกตุลาเท่านั้นมายังไงเออ กับผมวิโรธครับหลวงพ่อจำได้ไหมครับผมจำได้สิครับกายครับคาอ่าก็ผมมาอบรมไงครับผมนั่งเจริญสติปัฏฐานสี่นั่งน้อยแต่ผมก็กลับไปนั่งที่บ้านผมสนใจมากครับจะมาตอนเนี้ยผมก็บอกบอกกับอาจารย์สมเดจมุงเมืองเอาไว้บอกว่าต้องมาแน่ถึงยังไงก็มาแล้วผมก็อุตส่าห์ไปชวนแฟนเสร็จแล้วเขาก็เล่าถึงเรื่องนางสาวกาัญาแฟนเขาให้ฟัง เขาบอกว่าเขาไม่มาหรอกครับผมก็ต้องมาคนเดียวแล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมื่อวันที่สิบหกตุลาคมเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ออกแฟนซ้อนท้ายไปถูกรถชนแล้วก็ตายแล้วอาตมาขอแทรกตรงนี้นะที่บอกว่าตายอยู่กลางถนนรถชนแล้วก็วิญญาณอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่จริงเสมอไปหรอกคนที่จะอยู่เฝ้าตามถนนหนทางคือพวกสัมภเวสีพวกไม่มีสติ คนที่ไม่ได้ฝึกอะไรไว้เลยตายที่ไหนก็มักจะหาที่อยู่ที่ไปไม่ได้ไม่ได้สร้างบุญกุศลไว้เรียกว่าสัมภเวสีตัวตายด้วยอำนาจโลภะเป็นเปรตเป็นอสุรกายถ้าตายด้วยอำนาจโทสะส่วนมากเป็นโยมผู้หญิงเคียดแค้นกับสามีเรื่องชู้สาวทีนี้ก็ไปเป็นผีดิบสิอ่าสำหรับอสุรกายตายด้วยอำนาจโลภะมันก็จะเป็นสัมภเวสี มันก็เฝ้าที่อยู่กองนั้นแหละยกตัวอย่างค่ายบางราจันในจันหนวดเคี้ยวขุนสันพันเรืองเป็นต้นอย่าลืมนะที่ค่ายบางราจันน่ะตายด้วยอำนาจโทสะกำลังรบพุ่งชิงชัยกำลังมีอำนาจโทสะต่อต้านกันก็เลยล้มหายตายตายแล้วเหี้ยนมาเมื่อสมัยก่อนน้นใครจะไปเอาไม้แดงที่วัดโพกาวนไม่ได้นะ และน้ำสระหลวงพ่อพระอาจารย์ธรรมโชติใครจะไปตักไม่ได้เอาไปใส่กาในการะเบิดเลยอาจารย์ธรมรมโชติเนี่ยทำไมได้เป็นอาจารย์อยู่ที่วัดโพก้าต้นเป็นพระอยู่วัดเขาขึ้นอำเภอเดิมบางนังบวชทางบางราจรันนี่ก็าไปนิมนต์ให้ท่านมามาอยู่วัดโพก้าต้นมาช่วยท่านไม่ได้คนบ้านนั้นสมผานของท่านชื่ออาจารย์คงวัดโพก้าต้นนี่อาตมารู้ประวัติ ก็เลยว่าอาจารย์ธรรมโชต์เน่เป็นเจ้าของวัดโพก้าวต้นที่จริงไม่ใช่อาจารย์ธรรมโชต์ท่านเก่งทางฌานท่านเก่งหลายอย่างอะไรทำนองนี้โยมจำไว้ด้วยตายด้วยอำนาจโทสะมันจะต้องเฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละเฝ้าแล้วก็เฮียนดุด้วยนะอ่าใครไปเอาของไม่ได้ตายเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เฮียนละในเวลาการต่อมาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสร้างค่ายขึ้นมาแล้วก็ถวายพระราชกุศล ในหลวงเสด็จมาทั้งสี่พระองค์มีการสร้างตัดลูกนิมิตถวายพระราชะกุศลเลยวิญญาณก็ไปเกิดแล้วอ่ะไม่เฮียนละอาจารย์วิโรจน์นะบอกว่าหลวงพ่อผมไม่ใช่สามพาเวสีอ่ะไอตอนคุยกับผีเนี่ยเห็นกันหลายคนนะไม่ใช่โลกประสาทนะพระก็เห็นเห็นกันหมดกำลังทำความสะอาดเป็นที่น่าสังเกตว่ารู้ว่าเขาเป็นวิญญาณยังไงอ่ะ ตอนที่มานั่งคุกเขา่าอาตมาไม่รู้หรอกว่าเขาเข้ามาตอนไหนเพราะว่าพระละมัวแต่ขวาดกันมาถึงมานั่งแล้วก็เข้ามาทางหน้าหอประชุมมากราบเบญจางครับประดิษฐ์สามหนนั่งแล้วก็รายงานตัวเลยบอกว่ากระผมมาจากเชียงรายครับหลวงพ่อจาได้ไหมวิโรษครับอ้าวก็ใครจะไปจาได้นักศึกษาตั้งเป็นร้อยๆในจาไม่ได้หรอกก็บอกว่าจาได้ครับ้ายครับขา ผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อไงครับมานั่งเจริญสติประฐานสี่ยังไม่ครบอ้าวแล้วทำไมมาถึงก่อนกำหนดวันเขาล่ะเขาจะเข้าวันที่ยี่สิบอดตุลานี่เพิ่งวันที่สิบกเท่านั้นเองผมตายไปแล้วครับมีพระอยู่องค์หนึ่งกำลังกวาดอยู่ดีๆพอได้ยินเอาไม้ขวาดวางนั่งเลย พอได้ยินว่าผมตายแล้วครับนี่นั่งกันเลยเออเอา้าวตายไปแล้วก็ผีอสิโยมอย่าเข้าใจผิดนะาตาโบแล้วมีมือใหญ่ๆนะเป็นผีโทรทัศน์ผีลิเกจําไว้ผีลิเกมันออกมาอย่างเงี้ยอ่ามาอยู่ในวัดนี่ไม่ต้องกลัวผีตาโบเนี่ยอาตอมาก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผีเหมือนกันตาโบแล้วทําผมยาวๆมือใหญ่ๆนั่นผีลิเกใส่หน้า ก, กาก แน่นอนที่สุดเลยถามได้ความรู้อีกเยอะแล้วพระก็นั่งฟังกันมีพยานหลักฐานอยู่ครบพระปริญญาโทรปริญญาตรีก็เริ่มสนใจตอนนั้นอาตมาก็ถามว่าคุณมายังไงเขาก็เลยกราบเรียนว่าหลวงพ่อครับผมขอเรียนถวายว่าผมตั้งใจมั่นใจเลยผมมาครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วผมจเจริญกรรมาฐานแล้วผมก็ซึ้งใจแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้ขั้นตอนครับตอนนี้ผมมาเจ็ดวันเจ็ดคืนอาจารย์สมเด็จจะให้ผมเป็นวิทยากรควบคุมนักศึกษาแล้วก็เอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษอีกด้วยและผมก็พอดีถูกรถชนตายในวันนี้แล้วผมก็รีบมาก่อนกระเป๋าที่ผมมาเนี่ยครับผมเอามาหมดเลยอ่ะก็อมองไปก็เห็นมีที่ใส่น้ำร้อนน้ำแข็งคล้ายๆเป้ทหารอาตมาก็ถามว่าเอาศพตั้งไว้ยังไงแล้วแฟนคุณอยู่ที่ไหน เขาก็บอกว่าอยู่อีกวัดหนึ่งคนละตำบลคนละที่ครับไม่ได้ตั้งรวมกันอ้าวก็ตายไปแล้วน่าจะอยู่ที่หีบศพทำไมถึงมาอยู่ทางนี้ล่ะเขาบอกว่าไม่จริงหลวงพ่อไม่จริงอย่าเชื่อว่าตายไปแล้วต้องอยู่ที่หีบศพเวลาจะสวดก็บอกเวลาจะกินข้าวก็บอกก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งนั้นละครับอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นสวดพระอภิธรรมสวดสังฆะใครจะฟังลราคุณคุณไม่อยู่ฟัง เขาก็บอกว่าหลวงพ่อครับสวดให้ญาติที่มีชีวิตอยู่เขาฟังผมไม่ต้องไปฟังหรอกพวกเราจำไว้นะเผื่อจะไปยังงั้นบ้างจะอยู่ฟังหรือเปล่าในอันนี้เรื่องจริงอาตมาก็ซักไซไล่เลียงว่าไม่น่าจะสนเทอะไรแล้วก็มันเป็นกฎแห่งกรรมอันสำคัญอาตมารู้เรื่องก่อนแล้วก็เลยเล่าเรื่องให้อาจารย์สมเด็จเขาฟังไว้ก่อนมันมีความหมายนะประเดี๋ยวจะอ่านจดหมายให้ฟังอีก มีรูปถ่ายด้วยตอนนั้นเขาก็รายงานบอกว่าหลวงพ่อครับจิตวิญญาณเนี่ยมันถึงเลยนะครับแล้วเขาก็อธิบายพระปริญญาโทนั่งฟังอ้าปากหัวเลยผมต้องมาเจริญวิปัสนาแน่เพราะผมตั้งใจแล้วครับหลวงพ่อเพราะเวลาในโลกมนุษย์มีค่าหลือเกินพระปริญญาโทฟังก็นั่งนึกปีโตเอ้ยเราก็มาบวชเราก็ไม่ได้ขอกรรมาฐาน ขนาดเป็นผีแท้ๆมันยังมาเจริญกับมาฐานเลยวันนั้นพระปริญญาโทรปริญญาตรีก็เลยได้อบรมพร้อมกันไปด้วยก็นับว่ามีประโยชน์ดีเหลือเกินอาตมาบอกสวดพระอภิธรรมในหน่าจะได้ฟังนะจะได้กุศลเขาบอกว่าหลวงพ่อครับไม่จริงหรอกสวดให้ญาติพี่น้องฟังสวดให้คนเป็นฟังแต่วิญญาณนั้นนะไปสู่สถานแน่นอนคิดดีไปทางดีคิดไม่ดีไปทางไม่ดี แต่กระผมคิดมาก่อนนานแล้วว่าจะมาเป็นวิทยากรที่นี่แล้วก็ตั้งใจว่าจะมาปฏิบัติต่อเพราะคราวที่แล้วปฏิบัติเต็มที่เพียงสองคืนเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นวิทยากรก็มาผสมกันมากมายการปฏิบัติก็น้อยลงไปแต่ผมก็สูงใจแล้วครับหลวงพ่อครับกระผมอ่อนใจเหลือเกินหลวงพ่อหาที่พักให้ผมหน่อยครับพักที่ไหนนะครับแล้วก็ผมขอปวาวรณาด้วยนะครับ มีอะไรเรียกใช้ได้ตอนนั้นพระนั่งเป็นแถวเลยอ่าอาตมาก็บอกว่าไปดูเถอะกุฏิข้างโบสถ์ล่องไปทางใต้และที่ไหนว่างก็ไปมีพระองค์หนึ่งก็พูดขึ้นบอกหลวงพ่ออย่าให้พักกุฏิผมนะคือพระองค์นั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่ผีหรือคนอ่าแต่ว่าพระปริน ญ, ญาตรีนะก็บอกว่า ผมไม่เชื่ออาจจะเป็นคนติดยาเสพติดอาจจะมาหลอกลวงเราแล้วก็ขอพักแล้วก็มาลักของเราอ้าวท่านก็คิดของท่านไกลดีอืมเสร็จแล้วในวิโรธก็บอกว่าผมขอพักก่อนครับหลวงพ่ออ่อนใจเหลือเกินหลวงพ่อครับหลวงพ่อทราบไหมครับนักศึกษาจะมาถึงที่นี่เมื่อไหร่อาตามาก็เอาเอกสารมาดูแล้วก็บอกว่าห้าโมงเย็นเขาจะมาทานอาหารเย็นที่นี่เขาก็บอกอีกบอกหลวงพ่อเชื่อผมไหมครับต้องมาดึก อย่างน้อยต้องถึงห้าทุ่มทีเดียวอ่าสามทุ่มนี่อาจจะมาไม่ถึงหรอกครับเพราะอะไรเชื่อผมเด้อครับเขาจะไปดูเขื่อนที่จังหวัดตากพานักศึกษาไปเป็นร้อยร้อยคนกว่าจะมาถึงต้องมืดค่ำแน่นอนนะครับขอหลวงพ่อกรุณาได้บอกแม่ครัวด้วยบอกว่าอย่าเพิ่งทําเลยคํามืดมๆเถอะกับข้าวร้อนๆดีเขาจะได้ทานอร่อยเออผีมันยังรู้ดีกว่าเรา คือถ้าทําตอนห้าโมงเย็ น, นีนข้าวปลาบูดหมดนะเขาก็บอกว่าหลวงพ่อเชื่อผมเนะครับเขาจะมาดึกเขาจะดูเขื่อนยังวัดปากก่อนเขาบอกว่าเชื่อผมอย่างเดียวหลวงพ่อผมแน่นอนกว่าหลวงพ่อผมอ่อนใจจังเลยผมขอพักหน่อย啊หลวงพ่อจะให้พักที่ไหนครับเขาบอกว่าเขาอ่อนใจมาตั้งแต่รถชนญาติโยมจําไว้นะว่ารถชนเขาแล้วเขาออกมายืนได้ในเขาฝึกสติของเขามา เขาบอกหลวงพ่อครับถ้าผมไม่มาฝึกไว้บ้างผมคงเลเพราดพลาดาไปไหนแล้วผมตั้งใจเตรียมกระเป๋าเตรียมเครื่องใช้ไม้สอยครบในระยะห้าวันที่มาอบรมพอสมควรแล้วที่ผมมาก่อนเนื่องจากรถชนพร้อมกับภรรยาแฟนผมอา่าที่ทํางานธุรการที่อําเภอแล้วผมก็สอบบรรจุครูได้แล้วที่วิทยาลัยครูเชียงรายครับผมขอพัก หลวงพ่อเรียกผมใช้ได้นะครับจะให้ทำอะไรก็บอกนะครับเออเ อ, อไม่เป็นไรงั้นพักตามใจชอบเถอะเสร็จแล้วก็ชี้กุฏิให้ไปเขาก็กราบสามหนกราบเสร็จแล้วก็เอาเป้สะพายเดินออกไปดูเขาเดินเหมือนกับลอยไปบนพรมเลยเหนือพรมหนึ่งนิ้วอ่าเท้าไม่ถึงพื้น น่าสังเกตก็คือตาคว่ำแววตาไม่มีสังเกตง่ายๆตาไม่มองตาเราอ่ะยิ้มแห้งๆก้มมองพื้นเรื่อยเลยพอเดินออกไปแล้วพระเกลียวเลยออกไปก็หายไปตรงวิหารหลวงพ่อโตวิหารหลวงพ่อโตเมื่อก่อนนี้ยังไม่ได้สร้างเป็นสารเทวดาที่ต้นพิกุลพ่นเสร็จแล้วมาชวนแม่ชีสวดมนต์ต้นศัตบรญญัตอยู่ตรงนี้ยาวยี่สิบว่า หลวงสมาวนวรรณกิจอดีตอธิบดีกรมป่าไม้มาที่นี่เสร็จแล้วบอกว่าหลวงพ่อต้นไม้ต้นนี้เนี่ยอายุแปดร้อยปีครับต้นนี้มันยาวถึงยี่สิบวาอาตมาเห็นว่าต้นพิกุลโค่นล้มไปแล้วเทวดาหนีไปแล้วนะเดี๋ยวเทวดาที่ต้นนี้หนีอีกก็จะโค่นทับโบสถ์พังหมดโบสถ์ไม่พังก็ลงกุฏิอาตมาไม่กุฏิอาตมาก็หอประชุมพัง ก็เลยต้องโค่นเสียโค่นแล้วเป็นยังไงโค่นแล้วชาวบ้านก็ขอไม้ไปมีเสียงไปร้องครางที่บ้านเขาต้องเอาไม้มาคืนก็เป็นที่รู้กันทั่วไปของบ้านนี้ละ่ะเทวดาไปเที่ยวร้องก็เลยต้องปลูกสารไว้ให้อันนี้เรื่องจริงที่มีมาแล้วมาเดี๋ยวนี้ก็สร้างเป็นวิหารให้สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีท่านปรมน้ำมนตผลสุดท้ายพระก็วิ่งตามออกไป ไปเปิดกุฏิดูหมดเลยแม่ชีก็แตกตื่นไปเปิดดูหมดก็ไม่มีไม่มีกระเป๋าพระปริญญาตรีปริญญาโทรก็บอกหลวงพ่อรับกรรมาฐานยังไงอผียังมาต่อมาถึงวันที่นักศึกษามาวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมสอง6ห้ารอยี่สิบหกพอหกโมงเย็นไฟฟ้าดับหมดเลยที่อื่นไม่ดับอะดับที่วัดอำมพวันที่เดียวและตอนนั้น สุนัขในวัดนี้ไม่มีเลยไม่รู้มาจากไหนหอนคืนยังรุ่งเลยอาตมาก็ให้พระเอาเทียนไปจุดตามห้องน้ําห้องซ้วมใช้เทียนไขเพราะว่าไฟฟ้าไม่ติดไม่รู้จะทํายังไงนักศึกษามาถึงดึกกว่ากําหนดจริงๆเสียงรถแปดแปดแปดตรงตรงตามที่ผีบอกเลยเออเราถ่ายสู้ผีไม่ได้เมื่อเข้ามาถึงก็บอกอาบน้ําก่อนเดี๋ยวค่อยทานข้าวเขาก็บอกหิวจังเลย อาถ้าหิวก็กินก่อนนี่เอาไว้อาบน้ำทีหลังก็เลยรับประทานอาหารกันก่อนเสร็จแล้วก็ประถมนิเทศเพราะว่าพรุ่งนี้ร้อยตำรวจโทชานมนูธรรมจะมาตอนนั้นอธิบดีสมพรเทพสิทธาเป็นประธานสภายุวพุทธิกะมีคุณอํานวยอินทรพูติมีหลายท่านพวกนั้นรู้หมดเขาจะมากัน พอดีตอนเช้ารับโทรเลขจากจังหวัดแจ้งความให้ทราบว่าร้อยตำรวจโทชานมนูรร ม, มาไม่ได้น้ำท่วมกรุงเทพต้องไปช่วยรัศดร อ, อธิบดีสมพรเทพสิทธาก็เลยเป็นประธานแทนพอทานอาหารเสร็จอาบน้ำเสร็จอัตมาก็เรียกคณะอาจารย์มามีอาจารย์สมเด็จมุงเมืองและอาจารย์หญิงอีกสามคนพระปริญญาโทก็อ่านบันทึกที่ได้บันทึกไว้ให้ฟังคณะ อาจารย์น้ำตาร่วงเลยจริงตามนี้ทุกประการอาจารย์สมเด็จบอกว่าหลวงพ่อครับพอเปิดอบรมแล้วผมขอฝากนักศึกษาไว้ผมจะไปงานชาปนกิจศพของอนายวิโรธในวันที่ยี่สิบสามตุลาคมเนี้ยก็เลยให้เอาบันทึกไปพิมพ์แจกในวันงานศพนั้นด้วยนี่ระยิโยมทั้งหลายโปรดถามวิทยาลัยครูเชียงราย นี่อาจจะมาก็บอกเขาไปก่อนบอกไม่ตายตรงโน้นเน่ยจะต้องไปตายที่เขื่อนทําให้คณะอบรมมาไม่ได้คือถ้ามาจะต้องจมน้ําตายก็เลยรถชนตายซะมันสะดวกดีและเขาได้มาก่อนมาคอยอยู่ที่นี่เออก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันเล่าเรื่องวิญญาณรายงานตัวเนื่องจากว่าในวีโรจน์นี่เขาได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้วสติเขาจึงดี อาตมาก็ถามเขาที่เขามาเนี่ยบอกว่าปวดมากไหมเขาก็บอกว่าหลวงพ่อแวบเดียวว่าผมไม่รู้เรื่องเลยแล้วผมก็มายืนอยู่อย่างนี้ละครับแล้วไปพูดกับใครใครเขาก็ไม่พูดด้วยเขาไม่เห็นเราอะอย่าลืมนะคนละพบคนละชาติน่ะมันมองไม่เห็นสัมผัสกันไม่ได้หรอกการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานนี่ไม่เฉพาะแต่มนุษย์ผีก็เจริญได้ ยกตัวอย่างแม่กาหลงมาเจริญกรรมาฐานที่วัดเดี๋ยวนี้ยังอยู่ด้วยนะเขานึกจากคำว่าเปรตมาเป็นเทพได้เป็นเทพธิดาได้ทันทีไม่มีการปฏิสนธิมาอยู่ที่วัดนี้นี่เรื่องของวิญญาณรายงานตัวทำให้มีพยานหลักฐานอาตมามีรูปถ่ายดูด้วยอ่าได้ผลเลยได้สำเร็จญาณสิบหกเลย ทำไมถึงรู้ว่าสัมเบตยานสิบหกเขาได้แสดงออกมาอย่างไรญาติโยมจำไว้ให้ได้คนที่ได้โสรถยานยานสิบหกเนี่ยจะต้องเป็นรูปนี้เลยจะต้องกรรมฐานได้ถึงจุดนี้และไม่ใช่ว่ามนุษย์เราจะมาเจริญกรรมฐานเท่านั้นวิญญาณทั้งหลายก็มาเจริญกรรมฐานได้เทพเทวดาทั้งหลายก็มาเจริญกรรมฐานได้เหมือนกัน ที่นี้มาพูดถึงเรื่องผีในวัดวร่างท่านบุฟังว่าพูดถึงวัดเนี่ยเรามักจะนึกถึงบุญมากกว่าบาปนึกถึงพระมากกว่าผีแต่ในวัดเนี่ยไม่ใช่จะมีแต่บุญกับพระฝ่ายเดียวมันเหมือนกับเหรียญเดียวกัน่ะอ่าคือในวัดมีทั้งบุญทั้งบาปในวัดมีทั้งพระทั้งผีอ่าว่างั้นวัดวารา ม, มื่อราวห้าสิบปีก่อนใช่จะมั่งมีด้วยสิ่งก่อสร้างเหมือนสมัยนี้ เมื่อตอนที่คุณามาลัยเนี่ยยังเป็นเด็กวัดวัดในหมู่บ้านก็มีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะไม้ตะเคียนต้นตาลโดยเฉพาะไม้ตะเคียนท้ายวัดเป็นที่กลัวของพวกเด็กวัดแล้วก็พระน้อยคือสา ม, มเณรกันมากส่วมในวัดแต่ก่อนมักจะอยู่ท้ายวัดเขาไม่ขุดไวใ้ใกล้ๆกุฏิวิหารเพราะมันเหม็น แม้แต่ในพระพุทธพจน์ยังมีบทหนึ่งที่กล่าวว่าคูดเนี่ยแม้เล็กน้อยก็เหม็นนะเพอซะสวมสมัยนั้นเป็นสวมหลุมไม่ใช่สวมซึมเวลานั่งถ่ายมองลงไปเอ๊อืมสยองต้นตะเคียนที่ท้ายวัดมันก็ช่างเหมือนผีเหลือเกินเนี่ยมองกลางวันมันไม่เหมือนอะแต่กลางคืนเหมือนเหมือนกับผีตัวใหญ่ยืนง้ำคำ้าเนี่ยกลางค่าคํากลางคืนน่ะปวดถ่ายขึ้นมาเป็นเรื่องหนักใจเหลือเกินจะแอบถ่ายใกล้ใกล้กลุฏิก็ไม่ได้เพราะมันเหม็นอย่างว่าละ่ะ พอปวดที่มาสักคนหนึ่งก็จัดกระบวนการทับคนใหญ่โตเดินทางไปซ่วมกันน่ะอาโวกเวกโวเวเออะกันยังงจะไปรบถ้าเป็นเนนก็ยังค่อยังชั่วหน่อยเพราะอาจจะเกณฑ์เด็กวัดเข้าทับง่ายถ้าหากว่าเป็นเด็กวัดโตๆมาอยู่วัดสักสองสาปีก็ยังง่ายอยู่เพราะเกณฑ์เอาพวกเด็กวัดใหม่ๆเข้าขบวนไปได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเป็นเด็กใหม่นี่สินะชวนใครไปเป็นเพื่อนก็ชักยากลําบากเหลือเกิน อ่บางทีก็ต้องต่อรองว่าเดี๋ยวถ้ามึงปวดขี้มังกูไม่เป็นเพื่อนมึงนะนะถึงจะได้เพื่อนไปมีอยู่คราวหนึ่งคุณมาลัยยังเป็นเด็กวัดน้อยอยู่อ่าเนนรูปนึงปวดถ่ายก็มาเกณฑ์เกณฑ์เด็กวัดไปส่งส่งเนนเข้าห้องส้วมไปแล้วทีนี้เด็กข้างนอกก็จ้อยซอเอาเสียงเป็นเพื่อนดิ ใครคนหนึ่งมันกวาดไปฉายวู้ไปวู้มาก็ส่องไปโดนตาอะไรไม่รู้อยู่ในพุ่มไม้ตะเคียนเห็นกันหลายคนอ่าเอ๊อาจจะเป็นตาอีเห็นเป็นแมวโพรงหรือว่าฮอนกู่ก็ได้แต่สําหรับเด็กยามนั้นมันเป็นอะไรอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากผีพอหลุดปากได้ก็แหกปากร้องโวยวายอ่ามึงวิ่งกูวิ่งแข้งขามีเหมือนกับเป็นสิบ เกะกะขีดขวางอะไรก็กล้าวล้มโกลมหงายเจริดเปิดเปิงเนนอยู่ในห้องส้วมออกไม่ได้เพราะว่าใสา่กรอนแล้วลืมลืมลืมว่าจะถอดวิธีไหนเนนร้องว้ากวา ก, วา ก, วากเหมือนหมูอยู่ในซ้วมมาแลวะวนะบุญยังดียังไม่เผือพัดตกหลุมส่วมไปนะเสร็จแล้วแตกตื่นมาถึงกุฏิแล้วยังได้ยินเสียงเนนร้อนถึงทุพี่คือหลวงพี่ต้องไปรับเอาเนนกลับออกมาจากส้วม ผีที่อยู่ต้นตะเคียนทายวัดเนี่ยเข้าใจว่าเป็นทายตะเคียนที่จริงผีชนิดนี้ไม่มีในสะระบบผีล้านนาหรอกเป็นผีของทางภาคกลางที่ว่าเผยแพร่ขึ้นไปแต่ถึงกระนั้นก็ยังอุตส่าห์เก็บมากลัวอย่าว่าแต่พทายตะเคียนในขนาดผีแม่นาคพระโขนงอ่าที่ในหนังนปรียารุ่งเรืองเล่นนั่นก็กลัวอ่าไม่ใช่ผีท่างเหนือสักหน่อยผีทั้งเขาแดคกูล่าก็กลัวสมัยนั้น โรงหนังมีแล้วที่ตลาดอำเภออยู่ไกลจากหมู่บ้านไปสักสามสี่กิโลเมตรหนังใหญ่ๆอย่างพวกแด็กูล่าเบนเฮอร์แอนซิอะไรทำนองนี้มาเคยฉายนะตอนนั้นโรงหนังบ้านนอกสมัยนั้นแต่อย่างน้อยชื่อเสียงเรียงนามของหนังผีพวกนั้นก็ผ่านมาถึงหูของเด็กกันละนั่นแหละอาจจะผ่านปากแ อ, อ, อนุ่มโกโก้ในหมู่บ้านที่ได้ไปเรียนหนังสือในตัวเมืองแล้วก็กลับมาเล่าสู่กันฟังในหมู่บ้าน ทีนี้เด็กได้ยินเสียงผีแดกคล่าก็กลัวกันใหญ่ได้ยินเขาว่าผีผร้ดังมันกลัวกระเทียมเด็กก็เลยแอบเอากรีบกระเทียมยัดใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋าอังเกงเอาไว้ตอนนอนอ่กลัวแดกคล่าผีในวัดอีกชนิดหนึ่งที่เด็กกลัวกันก็คือเปรตที่จริงเปรตกับผีเป็นคนละพวกแต่ก็มักจะเรียกรวมกันไปว่าผีเปรตเปรตมีหลายจําพวกใครสนใจก็ไปเปิดดูใจภูมิพระร่วงอะ ที่พรรณนาถึงเปรตเอาไว้ว่าเปรตลางจำพวกตัวเขาใหญ่ปากเขาน้อยเท่ารูเข็มนั้นก็มีเปรตลางจำพวกผอมหนักหนาเพื่ออาหารจะกินบอมีได้แม้นว่าจะขอดเอาเนื้อน้อยหนึ่งก็ดีเลือดหยดหนึ่งก็ดีบอมีได้เลยเท่าว่ามีแต่กระดูกและหนังพอกกระดูกภายนอกอยู่ใส่ หนังท้องนั้นเหี่ยวติดกระดูกสันหลังและตานั้นลึกและกลวงดังแส้งควักเสียผมเขานั้นยุ่งรุ่ยร่าลงมาปกปากเขามาดว่าผ้าน้อยหนึ่งก็ดีจะมีปกปิดกายเขานั้นก็หายบอกนี้ได้เทียนย่อมเปลือยอยู่ชั่วตัว ต, วตนตัวเขานั้นเหม็นสาบ พ, พึงเกลียดนักหนาแลเขานั้นเทียนย่อมเดือดเนื้อร้อนใจเขาแลเขาร้องไห้ร้องครางอยู่ทุกเมื่อแล เพราะว่าเขาอยากอาหารนักหนาแลฝูงเปรดทั้งหลายนั้นเขายิ่งหาแรงบอบม่ได้เขาย่อมนอนหงายอยู่ไสเมื่อแลฝูงเขานอนอยู่แลหูเขานั้นได้ยินประดุดเสียงคนร้องเรียกเขาว่าสู่ทั้งหลายเ อ, อ๋ยจงมากินข้าวกินน้ําแลฝูงเปรดทั้งหลายนั้นเขาได้ยินเสียงดังนั้นเขาก็ใส่ใจว่ามีข้าวมีน้ําจึงเขาจะลุกไปหากินไส้ก็ยิ่งหาแรงบอบม่ได้ เขาจะชวนกันลุกขึ้นต่างคนต่างก็ล้มไปล้มมาและบางคนล้มควม่ำบางคนล้มหงายแต่เขาทนทุกข์อยู่ฉันนั้นหลายคาบนักแลสาเหตุแห่งการเป็นเปรตในท่านอธิบายไว้ตอนหนึ่งว่าเปรตเหล่านี้ใส่เมื่อเป็นคนอยู่นั้นมัริษยาท่านเห็นท่านมีดูมิได้เห็นท่านยากไร้ดูแคลนเห็นท่านมีทรัพย์สินจะใข้ได้ทรัพย์สินเทียนย่อมริ กระทำคนที่จะเอาสินท่านมาเป็นสินตนแลตรณีมิได้ให้ทานครั้นว่าเห็นเขาจะให้ทานตนย่อมห้ามปรามมิให้เขาให้ทานได้แลช่อเอาทรัพย์สินสงมาไว้เป็นประโยชน์แก่ตนคนจำพวกนี้แหละตายไปเกิดเป็นเปรตอยู่ที่ร้ายนักดังนั้นทุกตนแหละครับนั่นก็เป็นเรื่องของเปรตในวัดเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเปรตมักจะอยู่คู่กับวัด วัดไหนไม่มีเปรตเขาว่าเป็นวัดตั้งใหม่ยังไม่มีคนตายคาไอันนี้ไม่ใช่ตายคาวัดนะครับหมายถึงว่ายังไม่มีคนที่เกี่ยวข้องกับวัดนั้นตายลงไปเช่นอ่าตุ๊เจ้าพระนายคนเฒ่านอนวัดพ่อออกแม่ออกศรัทธาชาวบ้านและปู่นานอาจารย์หรือว่ามัรคนายกวัดพวกนี้ตายแล้วมีสิทธิ์เป็นเปรตทั้งนั้นหากคนพวกนี้ลักเอาของวัดวามาเป็นของตัว ถึงจะโลภหรือโกงโดยฉลาดช่อฉนแยบโยนยังไงก็ไม่พ้นตายแล้วก็ต้องเป็นเปรตพ้นจากภูมิของเปรตจึงค่อยไปเสเวยวิบากเป็นสัตว์นรกอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อของเฉพาะชาวล้านนาหรอกเป็นความเชื่อโดยทั่วไปของชาวพุทธสายเทราวาตคนพื้นเมืองจะไม่วอแวร์ข้องแวะข้าวของวัดรางเพราะกลัวอาเพศอาถรรกลัวขดใหญ่อุบาหลวงกลัวพระพุทธรูปที่พบเห็นนั้นอาจจะมีสักองค์ที่กลายเป็นผี แต่ว่าฝรั่งนี่มันไม่คิดอย่างนั้นฝรั่งมันอยู่นอกระบบความเชื่อแบบพื้นเมืองฝรั่งมันมองเห็นความงามก็มักจะเก็บเอาไปไว้ที่เมืองของเขาคนรุ่นหลังได้ยินได้ฟังอย่างนี้ก็เสียดายบางคนผ่านโกรธผีเงา่าเขามูลของตัวเองว่าไม่รู้จักหวงแหนดูแลสมบัติล้ำค่าอ่าอันนี้ก็ไม่ถูกไม่ค่อยเป็นธรรมต่อคนรุ่นก่อนนักครับเพราะของชิ้นเดียวกันมองด้วยสายตาต่างกันอาจจะเห็นต่างกันก็ได้นะครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจันยอดครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับสัพเพวะนิขิปัสสันติภูตาแปลว่าสัตว์ทั้งปวงจากท่อทิ้งร่างไว้ในโลกสัตว์ทั้งมวลท่วนหมดสลดจิตสละสิตร่รางรัก ลงตักใสว่าของเราของเขาไม่เอาไปทิ้งเอาไว้ดาระดาษกลาดแผ่นดินเกิดกับตายวายวอดไม่รอดพ้นกลับเวียนวนเกิดผุดไม่สุดสิน้นอายุสั้นพลันตายวายชีวินร่างทิ้งดินทอดไว้ไม่ใหญ่ดีพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลอดีตจเจ้าวาดวัดฆามกรูดแลกกวีเอกจังหวัดระยองประพันธ์ครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีเรื่องแปลกๆเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่เพชรบูรณ์ครับต้นไม้ที่ว่านี่ชาวบ้านเขาต่างหวาดกลัวเวลาผ่านไปมาก็ไม่อยากจะมองมันไม่มีใครอยาก่านนะแต่มันก็จำเป็นไม่มีทางอื่น และเมื่อพวกเขาขับรถมาถึงแถวแถวนั้นก็จะพากันระมัดระวังในการขับขี่เป็นอย่างยิ่งแม้แต่คนที่เดินด้วยสองขาตัวเองก็ยังไม่ค่อยจะอยากไว้วางใจมันเลยพวกเขาเชื่อกันว่ามันเป็นต้นไม้ที่มีแรงดึงดูดอันพิลึกฉุดรั้งให้คนเข้าไปหามันชนิดที่ว่าไม่ทันรู้สึกตัวเลยทีเดียวมันเป็นต้นมะกอกครับมันสูงใหญ่ใช่ไหมต้นเนี้ยสูงใหญ่พอสมควรมีลูกเปรียปร้ยวๆฝาดๆ เอาไปใส่น้ำพริ ก, กินได้แต่ไม่ค่อยมีคนไปเก็บมเพราะกลัวมันจริงๆแล้วเขากลัวมันจนจนแม้แต่เวลากลางวันก็ยังไม่มีใครไปหลบแดดในร่มเงาของมันช่วงโคลนโคลนลำต้นนั้นเต็มไปด้วยร่องรอยบาดแผลก็คือเปลือกหลุดล่อนหายไปนั่นก็เป็นเพราะมันโดนรถหลายคันพุ่งชนจนยับเยินทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แม้แต่จักรยานก็ยังไม่ไายพุ่งเข้าใส่มัน ก็อย่างที่บอกกันแหละรากขาว่ามันส่งแรงดึงดูดสูงมากออกมาแล้วดึงดูดเอารถเหล่านั้นให้พุ่งเข้าหารถราเหล่านั้นผังยับเยินรถแต่ละคันที่เกิดอุบัติเหตุที่โคนต้นมะก อ, อกต้นเนี้ยคนขับมักจะเอาชีวิตมาทิ้งไว้ด้วยบางครั้งแถมด้วยผู้โดยสารที่มาด้วยกันอุบัติเหตุแต่ละครั้งจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งชีวิตเส้นสองเวอรเขาเชื่อกันว่ามันดึงดูดให้เข้าหาเพื่อดูดเอาดวงวิญ ญ, ญาณไปว่างั้น เส้นทางช่วงนั้นไม่ได้เป็นทางโค้งแต่อย่างใดมันก็เลยไม่น่าเกิดเรื่องร้ายๆบ่อยๆมะกอกต้นนั้นมันก็แค่ยืนต้นอยู่ตีนไหล่ทางอ่าป่าทางนั้นน่ะแถวๆนั้นน่ะกลางคืนน่ากลัวไม่มีแสงไฟให้ความสว่างเลยพอเกิดเหตุร้ายขึ้นมาทีหนึ่งพวกชาวบ้านในละแวกใกล้กับต้นมะกอกก็พากันจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์โจดขานกันส่วนใหญ่ก็จะว่าที่มันเกิดเหตุไม่ดีไม่งามขึ้นบ่อยๆนั้น มันเกี่ยวกับต้นไม้นั้นมีผีสิงหว่างั้นพวกเขาเชื่อกันว่าจะต้องมีดวงวิญ ญ, ญาณสิงอยู่ในต้นมะกอกอย่างแน่นอนเพราะเกิดที่ไรมีคนตายทุกทีนอกจากนั้นยังเชื่อกันว่ามันเป็นแบบตัวตายตัวแทนคือพอดวงวิญ ญ, ญาณที่สิงอยู่อยากจะไปจากต้นไม้ก็เลยหาวิญ ญ, ญาณผีตายโหงดวงใหม่มาสิงสู่อยู่แทนก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุไม่สิ้นสุดแต่ชาว บ, บ้านบางคนก็ไม่เชื่อเรื่องต้นไม้ผีสิงหรือว่าดวงวิญ ญ, ญาณ เขามองไปว่าถนนอาจจะลื่นหรือไม่คนขับก็อาจจะเมาจนคลองสติไม่อยู่หรือว่าคนขับอาจจะง่วงนอนจากจนเกิดหลับไปในระหว่างขับรถมาถึงช่วงนั้นแต่มันก็มีเหตุการณ์แปลกๆด้วยนั่นก็คือเสียงหมาหอนครับคืนก่อนจะเกิดเหตุรายจะต้องมีเสียงหมาละแวกนั้นส่งเสียงเ่าหอนกันหหยหวนแล้วบางทีก็ได้กลิ่นควันทูบควันเทียนด้วยบางทีได้ยินเสียงพระสวดในยามดึกสงัดดังอยู่แถวๆนั้นแหละ มีคนหนึ่งบอกว่าได้ยินเสียงร้องหวยหวนเสียงผู้หญิงบ้างเสียงผู้ชายบ้างเอาแน่ไม่ได้แต่ที่แน่ๆอีกไม่เกินสามวันหลังจากเหตุการณ์แปลกๆนี่จะต้องเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงตรงนั้น่ะลุงขวัญแกเป็นสัปเหร่ออยู่ที่วัดแกเล่าว่าคืนนึงจักรยานแกเสียแกเดินผ่านแถวนั้นตอนดึกมากกลับจากวัดผ่านไปก็ได้ยินเสียงคนคุยกันแกก็หยุดฟังเสียงดังมาจากทางต้นมะกอกแกมองไปมันมืดก็ไม่ค่อยจะเห็นอะไร เสียงเหล่านั้นคุยกันจอกแจกฟังไม่ได้สับจับความไม่ได้เลยมีหลายเสียงมากทั้งผู้หญิงผู้ชายได้ยินแล้วแกขนลุกรีบสาวเท้าเดินผ่านไปพอแกเล่าเรื่องนี้บางคนก็ว่าแกเมาก็เลยหูเพี้ยนไปแกก็ยืนยันมาคืนนั้นแกไม่เมาไม่ได้แต่เล่าไม่เตยดเดียวช่วยพระท่านทํางานล้างขัดถูศาลาใหญ่อ่อนเพลียงไม่หลับไปที่ศาลาพอตื่นตอนดึกก็เดินกลับบ้าน จักรยานยางมันแห้งก็เลยต้องเดินย่ำต๊อกป่าความมืดทิ้งจักรยานไว้ที่วัดไม่ได้จูงมาด้วยในทองนะมีลูกชายชื่อสุเทพเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใหญ่อทองบอกลูกชายให้จัดการอะไรสักอย่างกับต้นมะกอกต้นนั้นนะ่ะเพราะว่าทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแกสงสารชาวบ้านที่ต้องมาล้มตายอยู่เรื่อยๆแกพูดกับลูกชายว่าถ้าไม่มีต้นมะกอกอ ก, ก็คงยังไม่เกิดเหตร้าย เพราะว่ารถแต่ละคันที่แล่นมาดีๆมันจะต้องพุ่งชนโคนต้นมะกอกทั้งนั้นน่ะถ้าไม่มีต้นมะกอกอยู่ตรงนั้นรถมันก็พุ่งไปไม่ชนอะไรมันก็จะไม่เกิดล้มตายกันขึ้นมาก่อนที่ยายทองจะเกิดความคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแกสูญเสียน้องชายไปคนหนึ่งที่ต้นมะกอกผีสิงนี่แหละน้องชายยายทองชื่อบุญธรรมเขาขับมอเตอร์ไซค์พุ่งชนปรากฏว่าคอหักตายคาที่เลยเขาขับมาตอนดึกสงัดกลับจะไปเฝ้าสวนไม่เมา น้องชายแกคนดีไม่กินเหล้าไม่สูบยาทำตัวดีมาตลอดแกรักน้องชายคนนี้มากแต่เขาก็ต้องมาตายทิ้งลูกเมียเอาไว้เบื้องหลังให้ต้องลำบากลำบนกันลูกชายได้ฟังแม่แล้วก็หารือกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เพื่อนบ้านหลายคนว่าจะเอาอยัางไงกันดีคุยกันแล้วคนที่เห็นด้วยมีเพียงไม่กี่คนน่ะส่วนใหญ่ลกลัวกลัวกันซะเสมมากพอใหญ่ทองรู้ว่าเขาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกันแกก็เลยพูดกับลูกชายว่าอีกหน่อยมันคงตายกันหมดหมู่บ้าน และแกก็บอกว่าที่แกอยากให้โค่นเสียเพราะแกห่วงลูกหลานจะต้องสองเวอร์ชีวิตไปอีกเสียน้องชายไปคนหนึ่งแล้วแค่นั้นก็เสียใจมากพอแล้วยายทองไอ้แกตัวผอมๆแต่ก็แข็งแรงไม่มีโรคภัยแค่เจ็บประจำตัวแกเดินจากบ้านไปมองๆดูต้นมะกอกบ่อยๆมันอยู่ไม่ห่างจากบ้านแกนักเดินแป๊บเดียวก็ถึงแกบอกว่าลูกชายแกอยากจะโค่นมันด้วยตัวของแกเอง ลูกชายก็ห้ามบังแม่อย่าไปทําอย่างนั้นนะมันจะล้มทับเอาต้นมันใหญ่โอบไม่รอบเชียวเขารู้ว่าแม่ไม่มีทางทําได้ไม่ว่าจะใช้เลื่อยหรือว่าใช้มีดใช้ขวานพันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆใหญ่ทองไปคาดะเน ด, ดูว่าแกคนเดียวจะทําไหวไหมเสร็จแล้วก็กลับมาบอกลูกชายว่าแกคงทําไม่ไหวอ่ะแกก็เลยออกปากจ้างคนข่าวนี้แพร่ออกไปไม่มีใครรับงานนี้กลัวอาถรนต้นมากออกกันหมด มีคนเตือนแกให้ระวังจะโดนอาถรรพ์แต่แกก็ไม่เจอเหตุจะไร้แต่อย่างใดก็เลยมีคนพูดว่ายายทองเนี่ยเกเป็นคนดวงแข็งจริงๆใยายทองยังไม่ละความพยายามแกก็เที่ยวไปเที่ยวมาแกไปยืนจ้องมองมันเกือบทุกวันคืนหนึ่งลมพายุพัดแรงจัดแกได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังมาจากแถวต้นมะกอกทําให้แกนึกขึ้นมาได้แกจุดธูปบอกเล่าดวงวิญ ญ, ญาณ น, น้องชายแล้วก็บรรดาดวงวิญ ญ, ญาณที่ต้องตายหัวงไปเพราะต้นมะกอก ให้วิญญาณเหล่านั้นช่วยกันโค่นต้นมะกอกนั้นเสียเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังไม่ต้องสังเวยชีวิตต่อไปอีกพวกเขาเหล่านั้นและวิญญาณจะได้หลุดพ้นไปผุดไปเกิดสักทีราวกับดวงวิญญาณเหล่านั้นรับรู้เสียงกรีดร้องดังระงมในท่ามกลางลมพายุเสียงกิ่งไม้ต้นไม้หักผงผางเสียงโค่นล้มฟาดพื้นดังสนั่นโครมคลืนไม่น่าเชื่อว่าต้นมะกอกนั่นจะโค่นล้มจมกองอยู่กับพื้นดิน จะด้วยจิตอันมุ่งมั่นของยายทองหรือจะด้วยแรงลมหรือจะด้วยแรงเหล่าดวงวิญญาณหรือจะด้วยความบังเอิญก็ไม่มีใครรู้ได้ยายทองนิมนพระมาสวดถอนอาถรรพ์ต้นมะกอกแล้วก็สวดส่งเหล่าดวงวิญญาณมันก็น่าแปลกครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเหตุการณ์อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็หายไปสนิทเลยครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งอ่าเป็นเรื่องผู้ชายคนหนึ่งที่ไปทํางานที่แถวแถวภาคเหนือ แล้วไปเจอเรื่องนี้เข้าคือเข้าไปหากินที่นั่นก็เพราะว่ามีพักพวกเขาหายไปจากหมู่บ้านทีหนึ่งหลายหลายเดือนพอคิดถึงบ้านก็กลับมาเยี่ยมเสียทีเอาเงินมาให้แม่เขาด้วยเขาเป็นช่างปลูกปลูกบ้านสร้างบ้านใครๆเรียกเขาว่าช่างเคนอ่าชื่อในเคนียนทำงานพันยังนี้มาตั้งแต่ตัวกระเปียกพอมีเรี่ยวแรงจะยกจะหยิบช่วยอะไรได้ก็เริ่มทำงานนี้แล้ว ก็มันก็ด้วยความจําเป็นนั่นแหละเพราะว่าบ้านเขามันยากจนข้นแค้นสัเห ล, ลือเกินการเกิดมาลืมตาดูโลกของคนเรานี่มาเลือกที่ไม่ได้อ่ะอ่าคุณนิสาที่เล่าเรื่องเนี้ยเคยถามเขาว่าถ้าเขาเลือกได้เขาจะไปเลือกเกิดในท้องแม่ที่มั่งมีเงินทองไหมเขาสายหน้าเขาบอกว่าเขามาเกิดในท้องแม่คนนี้เขาก็ไม่ได้น้อยเนื้อต่ําใจอะไรถึงยังไงแม่ก็เป็นแม่ที่ดีพ่อก็เป็นพ่อที่ดีทั้งพ่อทั้งแม่ก็รักเขา แม้ว่าตอนนี้พ่อเขาจะไม่ได้มีชีวิตอยู่อีกแล้วก็ตามอ่าเขาก็บอกว่าถ้าผมไปเกิดในท้องแม่คนอื่นผมจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันช่วงนั้นตัวเขาเองอายุสามสิบห้าปีเขาทำงานแล้วก็พักอยู่บ้านหลังนั้นด้วยเพื่อนของเขารับเหมาซ่อมแซมบ้านหลังนี้จากเจ้าของที่เป็นคนมีเงินซื้อบ้านเก่าๆหลังนี้แล้วซ่อมเพื่อจะขายกินกำไรอีกทีหนึ่งเขาไม่อยากจะรบกวนเพื่อนก็เลยนอนที่บ้านหลังนั้นแหละ ที่ไปซ่อมมาแหละซึ่งเพื่อนก็ชวนนี่เขาไปพักที่บ้านแต่เขาปฏิเสธเพราะเกรงใจเพื่อนเพราะบ้านเพื่อนนะมีคนอยู่กันหลายคนแล้วแล้วอีกอย่างก็ไม่ใช่บ้านของเพื่อนเองแต่เป็นบ้านของพ่อตาแม่ยายซึ่งมีเขยมีสะใภ้คนอื่นๆพักอยู่ในชายคาเดียวกันด้วยคืนแรกก็ยังไม่มีอะไรแต่พอนอนค้างได้สามสี่คืนก็ทักจะมีอะไรแปลกๆที่ว่าแปลกก็คือนอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงใครคนนึงพูดอยู่ข้างหู เสียงนั้นมันดังก็ไปในความหลับไหลจนต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรก็หลับต่อไปคืนต่อมาก็ได้ยินอีกก็ ต, ตื่นอีกเสียงจับความเสียงนั้นพูดไม่ได้ว่าพูดว่ายังไงแต่ครับพายครับพราว่าเป็นเสียงของผู้หญิงซึ่งมีอายุมากแล้วเสียงสันส่นๆแหบๆเขาก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็พูดว่างั้นนอนปิดประตูห้องให้ดีเดีย๋ยวจะโดนยายแกล้มา่ะเสร็จแล้วเขาก็หัวเราะขำ แต่แล้วพอคืนต่อมามันมีสิ่งที่ทําให้เขานิ่งเฉยไม่ได้เพราะว่าคราวนี้ไม่ได้มีแต่เสียงแต่มีอย่างอื่นด้วยเขาหลับไปแล้วพักใหญ่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเดิมมาแหละพอตื่นมาก็มองไปทางปลายเท้าเขาก็เห็นว่าที่ปลายเท้านะ่ะมีกลุ่มควันนะหนาๆสีขาวลอยอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ในลักษณะของร่างคนมันลอยปั่นป่วนหมุนวนอยู่ไม่ยอมไปไหนเขานึกว่าตัวเองฝันก็หยีกแขนก็เจ็บก็รู้ว่าไม่ได้ฝัน เขาได้ยินเสียงดังออกมาจากกลุ่มควันเป็นเสียงที่เขาเคยได้ยินนะใช่แน่ๆเลยอ่าต้องช่วยฉันนะถ้าไม่ช่วยฉันฉันไม่มีวันได้ไปปุดไปเกิดฮะฉันอยู่ที่บ้านสวนข้างหลังนั่นอยู่มานานแล้วไปดูหน่อยสิฉันอยู่ที่นั่นแหละเสร็จแล้วจู่ๆกลุ่มควันนั้นก็ลอยออกไปทางหน้าต่างพอได้สติก็รีบลุกไปมองดูก็เห็นกลุ่มควันหายลอยไปทางป่าหลังบ้านแถวนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้ครุมหน้าจะเป็นสวน พขนอนไม่หลับเลยคืนนั่นเพราะว่ามันแปลกประหลาดมากพอเช้าเพื่อนมาก็รีบเล่าให้ฟังเพื่อนก็ฟังอย่างแปลกใจเช่นเดียวกันเพื่อนก็ถามว่ากลุ่มควันลอยไปทางไหนก็ชี้ให้เพื่อนดูเพื่อนก็เลยชวนไปดูกันแถวแถวนั้นพอบุกป่าพากันไปไปเจอเอาบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งซุกซ่อนอยู่ในป่ารกที่น่าจะเป็นสวนเก่าแก่ทำไมเขาไปใกล้ๆไม่เห็น อ, ะอ่ะบ้านนั้นปลูกเตี้ยก็เลยถูกต้นไม้บดบังหมด เห็นสภาพบ้านแล้วคนนึกรู้กันเลยว่ามันเป็นบ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่มานานแล้วก็คุยกันว่าจะเข้าไปดูดีหรือไม่ดีเพื่อนก็บอกมาแล้วก็ดูซะหน่อยแต่ก่อนจะเข้าไปใกล้ๆบ้านก็เรียกเจ้าของซะก่อนเพื่อให้แน่ใจจริงๆว่ามันเป็นบ้านร้างปรากฏว่าเงียบกริบนะไม่มีเสียงใครก็เลยพากันเข้าไปใกล้ๆก็เห็นชัดว่าบ้านนี่ไม่สูงอะ่ะเดินวนจากข้างนอกเข้าไปก็ได้ไม่ต้องเข้าไปข้างในบ้านได้อย่างได ข้างฝาเป็นไม้หลังคา ม, มุงด้วยสังกะสีหน้าต่างเปิดอยู่ก็มองเข้าไปอยากใ่เต็มไปหมดขี้ฝุ่นก็เต็มบ้านเลยถท้ไม้เลื้อยก็เลือเล้อยเข้ามาในบ้านด้วยทีแรกก็ไม่เห็นอะไรปิดปกติแต่มองให้ดีอีกทีก็เห็นอย่างหนึ่งที่ทําให้มองหน้ากันว่ามันอะไรกันนะปรากฏว่ามีซากมนุษย์นอนอยู่ที่พื้นกระดานจมอยู่ในกองฝุ่นได้อยากใหญ่ระโยองระยาง ท่านั้นเองพากันถอยกลูดออกมาจ่ายหายจควม่มโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบชาวบ้านแถวนั้นพอรู้ข่าวก็พากันมาดูซากโครงกระดูกนั้นเป็นผู้หญิงเชื่อกันว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามปีมีสร้อยคอทองคำเส้นเล็กๆคล้ลคองติดคอชาวบ้านบอกถึงได้รู้ว่าคนตายชื่อนางสีวันอายุประมาณเจ็ดสิห้าปีคนแถวนั้นเขาเรียกแกว่ายายสีแกอยู่ที่บ้านเล็กนั้นคนเดียวแกไม่มีลูกแต่ว่ามีหลาน แต่หลานก็ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ชาวบ้านไม่เห็นแกนมานานแล้วน่าจะราวๆสามปีก็นึกว่าแกคงไปอยู่กับหลานหลานของแกแล้วก็ไม่มีใครสนใจโดยปกติแกอยู่ของแกเงียบๆ เ, เก็บตัวไม่ค่อยสูงเสียงกับใครแล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งกับใครด้วยแกอาจจะป่วยแล้วก็ไม่มีใครช่วยพาแกไปรักษาก็เลยป่วยจนตายหรือไม่ก็คงจะนอนหลับแล้วไหลาตายไปเลย หมดลมแล้วไม่มีใครมาพบเจอศพก็เลยกลายเป็นซากที่แห้งไปตามวันเวลาที่ผ่านไปดวงวิญญาณน้องแกคงจะห่วงซากศพที่นอนแห้งติดกระดานก็เลยบอกกล่าวให้คนได้รับรู้เพื่อให้ช่วยแกและครับเมื่อปีพศส4 9 6ครับ ทางจังหวัดระยองได้อนุมัติให้สร้างทางสายสุขุมวิทเข้าตำบลปากน้ำประแสอยู่ห่างจากตัวอำเภอแกลงจังหวัดระยองไปประมาณหกกิโลเมตรถนนสายนี้มีความยาวทั้งหมดสิบกิโลเมตรการก่อสร้างเส้นทางสายนี้ได้เริ่มลงมือสร้างในปีนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีจนกระทั่งตัดมาถึงกิโลเมตรที่สองกว่า เหตุการณ์ที่ทุกคนไม่สามารถจะลืมเลือนได้ก็เกิดขึ้นเมื่อช่างสำรวจได้ปักหมดุดแนวถนนเสร็จลงนายทวินหัวหน้าคนงานอายุ30ปีถูกเรียกตัวไปพบเมื่อป ร, กรากฏว่ามีต้นตะเคียนอายุประมาณ20ปีขึ้นอยู่ตรงกลางถนนที่จะตัดพอดีเขารับคำสั่งไปปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้วก็รีบไปสั่งการให้คนงานทำการโค่นตะเคียนนั้นเสีย แต่ปรากฏว่าไม่มีคนงานคนไหนกล้าที่จะปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทุกคนให้เหตุผลว่าการตัดโคน่นต้นตะเคียนนั้นคนโบราณเขาถือว่าเป็นการลบหลู่ต่อเจ้าแม่ตะเคียนที่สถิตยอยู่ภายในต้นอย่างแรงหากขืนใครก็ตามไม่เชื่อและกระทำการลบหลู่โดยการตัดโค่นหรือว่าทำลายต้นตะเคียนลงไปก็จะก่อให้เกิดเหตุอาถรรพ์ขึ้น ดีไม่ดีอาจจะต้องชดใช้กันด้วยชีวิตเลยทีเดียวลุงพันซึ่งเป็นคนงานสูงอายุคนหนึ่งก็อบอกปฏิเสธคําสั่งของนายทวินเช่นเดียวกับคนงานทั้งหมดก็ไม่มีใครกล้าทําตามคําสั่งสักคนทําให้นายทวินได้เกิดความโมโหเป็นอย่างมากเดินหัวฟัดหัวเวียงไปรายงานให้ผู้จัดการทราบเมื่อผู้จัดการทราบเรื่องอย่างนั้นแทนที่จะหยุดฟังข้อท้วงติงของบรรดาคนงานถึงความเชื่อดังกล่าว กลับกำชับให้ในายถวินจัด ก, การโค่นต้นตะเคียนนั้นลงให้ได้โดยแนะนําว่าหากไม่มีใครกล้าลงมือตัดหรือโค่นก็ให้ใช้รถแทรกเตอร์ไปทําการดันให้ถอนรากถอนโคนไปเสียนายถวินก็ลาผู้จัดการกลับออกมาแล้วก็รีบตรงไปหานายหวานซึ่งเป็นคนขับรถแทรกเตอร์เพื่อสั่งการตามคําแนะนําของผู้จัดการเมื่อนายหวานรับทราบภารกิจที่ตนจะต้องกระทํา ตอนแรกก็แบ่งรับแบ่งสู้ไม่กล้ารับปากเสียทีเดียวแต่คั้นเมื่อถูกนายทวินพาไปนั่งเลี้ยงเล่ากันในตัวอำเภอแกลงความกลัวก็ค่อยๆถูกบันทอนให้ลดลงแต่กระนั้นก็ยังไม่กล้าตกปากรับคำอยู่ดีนายทวินพยายามทั้งปลอบทั้งขู่ให้ในายหวานจัดการกับตะเคียนต้นนั้นอยู่เป็นเวลานานจนหมดเหล้าไปสองขวดนายหวานถึงได้ยอมตกลง โดยมีข้อแม้ว่าเขาจะเป็นผู้แนะนำวิธีใช้รถอยู่ข้างๆให้นายถวินเป็นผู้บังคับรถด้วยตนเองจากนั้นทั้งสองต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านเพื่อจะนอนเอาแรงไว้ทำงานในวันรุ่งขึ้นขณะที่นายถวินกำลังนอนหลับอย่างสุขสบายภายในบ้านพักของตอนนั้นเขาก็ฝันเห็นผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งมาปรากฏอยู่ไม่ห่างหญิงสาวคนนั้นได้พยายามพูดจาหวานล้อม แถมขอร้องวิงวอนแล้วตบท้ายด้วยการข่มขู่นี่นายทวินฉันขอเถอะนะอยากโค่นฉันทิ้งเลยฉันไม่ต้องการสร้างบาปกับใครนะบอกให้พวกเขาตัดทางเลี่ยงออกไปซะเถอะเพราะถึงแม้จะโค่นฉันแล้วก็อย่าหวังที่จะสร้างทางข้ามไปได้ฉันเตือนแค่นี้แหละเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจสิ้นคําหญิงสาวคนนั้นก็พลันอันตราธานหายไป นายถวินจึงตกใจตื่นลุกขึ้นนั่งมองฝ่าความมืดไปรอบๆห้องนอนแต่ก็ไม่พบอะไรเลยนอกจากความมืดและความเงียบสงัดของบรรยากาศยามดึกเท่านั้นเมื่อรู้ว่าการปรากฏตัวของหญิงสาวผู้นั้นเป็นเพียงแค่ความฝันนายถวินก็ล้มตัวลงนอนหลับต่อแล้วก็หลับสนิทโดยไม่ได้ฝันอะไรอีกเลยรุ่งเช้านายถวินตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำงานตามปกติความฝันเมื่อตอนกลางคืนก็แวบเข้ามาในความคิด หญิงสาวนะ่ะอายุประมาณสักยี่สิบใบหน้างามยังกระจันเพลินแต่งกายแบบคนโบราณหผมสบายสีชมพูคำพูดของหล่อนเป็นเชิงขอร้องอยู่ในทีนั้นมันยังกังวลอยู่ในจิตสำนึกของเขาอยู่ตลอดเวลาความจริงแล้วเขารู้ดีว่ามันหมายถึงอะไรแต่คนอย่างเขานี่ลองตั้งใจแล้วไม่มีอะไรมาหยุดความตั้งใจของเขาได้กระทั่งตกตอนสายของวันนั้น นายหวานก็นำรถแทรกเตอร์แบบดีหมาถึงบริเวณต้นตะเคียนนายถวินนั่งคู่มาด้วยท่ามกลางคำซุบซิบของพวกคนงานพอมาถึงบริเวณใต้ต้นตะเคียนนายถวินก็เปลี่ยนมานั่งประจำที่คนขับแทนนายหวานให้ในายหวานคอยแนะนำควบคุมอยู่ข้างๆจากนั้นรถแทรกเตอร์ก็เริ่มเคลื่อนเข้าหาต้นตะเคียนอย่างช้าๆเสียงโครมครืนกรีด เสียงแรกเกิดขึ้นเมื่อใบมีดของรถกระแทกเข้ากับต้นตะเคียนเสียงต่อมาเป็นเสียงร้องแสดงความเจ็บปวดดังออกมาจากต้นตะเคียนและเสียงสุดท้ายเป็นเสียงต้นตะเคียนที่ถูกตัดขาดเหนือพื้นดินประมาณหนึ่งฟุตโค่นล้มลงพรานนั้นเองท่ามกลางความประหลาดใจกับเสียงกรีร้องที่ดังออกมาจากต้นตะเคียนต้นนั้นก่อนจะล้มคืนลงท้องฟ้าที่เคยมีแดดจ้าก็กลับมืดคลึ้มลงเหมือนจะมีฝนตก ลมกันโชคอย่างรุนแรงเหมือนกนจะรับรู้การล้มของตะเคียนต้นนั้นและจากนั้นเพียงครู่เดียวท้องฟ้าก็กลับสว่างดังเดิมหลังจากทำการโค่นต้นตะเคียนสำเร็จลงเรียบร้อยแล้วนายถวินก็รีบกลับไปรายงานให้ผู้จัดการทราบและได้รับคำชมต่างๆนาน า, นาจากผู้เป็นนายทำให้เขารู้สึกกระยิ่มแล้วก็ล้ำพองกับผลงานของตนเองเป็นอย่างยิ่ง โดยทุกอย่างหลังจากนั้นก็ดูเป็นปกติดีไม่มีทีท่าว่าจะเกิดเหตุเพศภัยอะไรเกิดขึ้นตามที่บรรดาคนงานต่างหวาดกลัวกันนายถวินก็พูดให้คนงานหลายหลายคนได้ฟังว่าไม่เห็นจะมีอะไร ร, ระบาดโหมกระอแค่ต้นไม้ต้นต น, นึงมันจะเอาปัญญาที่ไหนมาทำคนได้เห็นไหมผมไม่เห็นเป็นอะไรเลยทีหลังเนี่ยพวกแกอย่า ก, กลัวในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้หน่อยเลยดูฉันเป็นตัวอย่างก็แล้วกัน านายทวินพูดแบบเนี้ให้หลายๆคนฟังหลังจากโค่นล้มต้นตะเคียนมาได้สามวันแล้วก็สั่งให้คนงานขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับที่พักหลังจากเสร็จสิ้นงานตามปกติในตอนเย็นรถคันนั้นเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ตอนหลังมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตั้งอยู่พวกคนงานขึ้นบนกระบะหลังส่วนนายทวินก็นั่งคู่กับคนขับตอนหน้า ขณะที่รถกำลังวิ่งผ่านตอตะเคียนที่ถูกโค้นลงไปเมื่อสามวันก่อนก็ปรากฏว่ารถได้เกิดพลิกคว่ำลงตรงตอตะเคียนพอดีคนงานที่นั่งมาต่อหลังพร้อมเครื่องไฟและคนขับไม่เป็นอะไรกันเลยแต่นายถวินซึ่งนั่งอยู่ภายในเก๋งกลับกระเด็นออกมานอกรถกระบะรถล้มทับตรงหน้าอกพอดีโดยมีตอตะเคียนรองอยู่ข้างล่างทาให้ร่างของเขาขาดออกจากกันทันทีตรงบริเวณระดับหน้าอก สร้างความสังเวชให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้มีหลายคนนึกถึงตอนที่ต้นตะเคียนถูกนายทวิลใช้รถแทรกเตอร์ดันตัดขาดมันช่างคล้ายกันอย่างน่าอัศจรรย์ใจสารขนาดเล็กได้ถูกสร้างขึ้นในวันต่อมาคนงานไม่ยอมทําทางข้ามต่อตะเคียนส่วนทางบริษัทก็ยังคงยืนยันจะสร้างตามเดิมแต่ในที่สุดก็ต้องทําถนนอ้อมต่อตะเคียนต้นนั้นออกมาจนได้ เมื่อเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งได้เกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกสามวันต่อมาคนงานได้พบศพของนายหวานถูกใบพัดของรถแทรกเตอร์คันนั้นตัดคอขาดกระเด็นรถมอเตอร์ไซค์ของเขาล้มอยู่ข้างๆสภาพศพดูช่างน่าสยดสยองสุดประมาณไม่มีใครรู้ว่าทำไมนายหวานจะต้องขี่รถผ่านทางนี้ในเวลากลางคืนทั้งๆที่บ้านของแกอยู่ในตัวอาเภอ คนงานทุกคนจึงต่างโจทย์จันกันว่าการตายปริศนาของนายหวานครั้งนี้คือผลพวงของการที่เขามีส่วนร่วมในการตัดโค่นต้นตะเคียนนั่นเองด้วยเหตุนี้จึงมีการสร้างศาลเพิ่มขึ้นอีกศาลหนึ่งตรงใกล้ๆกับศาลแรกบริเวณที่นายถวินเสียชีวิตลุงปลังคลายเกิดซึ่งมีบ้านพักอยู่ตรงข้ามกับศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองตั้งอยู่ข้างทางสายสุขุมวิทปากน้ำประแสบอกว่า สารที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนะก็มาจากพวกที่นับถือท่านล่ะครับท่านดังไม่บบาทีเดียวบางคนมาจากจังหวัดไกลๆโดยเฉพาะเรื่องคดีความต่างๆมาบนบานสารกล่าวท่านส่วนมากจะไม่ผิดหวังฮะอบางคนก็บอกท่านเคยให้หวยด้วยเรื่องเกณฑ์ทหารก็ไม่เลวนะพวกเด็กๆแถวนี้ไม่เคยอดกันดอกพวกขนมนมเนยนะมีคนเอามาว่ายอยู่เรื่อย พานุ่งบาหอมก็มีคนถวายท่านเรื่อยละพวกเล่าเป็ดไก่อ่าก็จะเป็นพวกผู้ใหญ่ใครไม่มีก็ไปขอท่านได้ท่านไม่เคยหวงแต่แปลกพวกที่สร้างทางท่านไม่ยอมช่วยใครเลยคงจะโกรธที่ทําให้ท่านเดือดร้อนในท่านเยี้นมากทีเดียวถึงเดี๋ยวนี้ก็เถอะไม่ค่อยมีใครกล้าขี่หรือว่าขับรถคนเดียวผ่านสารน้องท่านในตอนกลางคืนกันหรอกท่านชอบปรากฏตัวมารําอยู่หน้ารถให้เห็นอยู่บ่อยๆ ผมเองก็เคยเห็นท่านทั้งหลายครั้งจนเดี๋ยวนี้ชินซะแล้วครับนี่ก็คือคำยืนยันของคนที่อยู่ในพื้นที่ชื่อลุงปรังครับลุงปรังบอกว่าท่านอาจจะดุสำหรับคนที่ทำลายท่านแต่สำหรับผู้ตกทุกข์ได้ยากไปขออะไรท่านท่านก็มักจะให้อยู่เสมอนะครับ เรื่องแปลกๆวันนี้ครับนายสาโรธพื้นเพ บ, บ้านเดิมเขาอยู่จังหวัดเลยแต่ว่าเหตุที่ต้องระเหเร่ร่อนมาพำนักอยู่ที่ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลก็เนื่องจากทางบ้านเกิดเขานายสาโรธนี่นอกจากอาชีพทำนาแล้วอาชีพเสริมอย่างอื่นก็แทบจะไม่มีให้ชาวบ้านทําพอเกิดอืที่จะสามารถทําให้เลี้ยงจุนเจือครอบครัวได้ ผลก็คือเมื่อหมดหน้านาชาวบ้านในละแวกเดียวกันในสาโรธต่างก็พากันออกไปขายแรงงานอย่างจังหวัดอื่นๆตามแต่ในหน้าจะถางานจะติดต่อให้ขึ้นชื่อว่าลูกอิสานแล้วไม่มีคำว่าหนักไม่เอาเบาไม่สู้นสาโรธมาทำงานที่สตูลยามใดที่เขาไม่มีงานหรือว่าว่างเว้นจากงานประจำเขาก็มักจะทุนรายจ่ายด้วยการออกไปส่องกบส่องเขียดมาประกอบอาหาร ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการที่จะประหยัดรายจ่ายได้วิธีหนึ่งการที่นายสารวออกไปส่องกบส่องเขียดแล้วได้กลับมาครั้งละพอสมควรทุกครั้งที่ไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดเพราะว่าจังหวัดสตูลเนี่ยประกอบด้วยชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ชาวมุสลิมมีความเชื่อว่าการรับประทานสัตว์ป่าสัตว์จำพวกเลื้อยคานหรือแม้กระทั่งจำพวกกบเขียด น, นั้นผิดหลักศาสนาดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่สัตว์ที่ว่ามาทั้งหมดจะไม่ถูกล่าเป็นอาหารในสังคมของเขา วันหนึ่งขณะที่ฝนพรมตั้งแต่เช้าตรู่ฟ้าครึ้มไปด้วยเมฆฝนพื้นดินก็ช่ำแฉะไปด้วยน้ำงานก่อสร้างของนายสาโรธก็ไม่สามารถจะทำได้พวกคนงานในแคมป์หลายคนต่างก็นั่งกอดข่าวเจ้าจุกกันอย่างเบื่อเบื่อนายสาโรธเองก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเพื่อนร่วมชะตาเดียวกันน่ะเนั่งอัดบุหรี่เข้าปอดเสร็จแล้วแวบหนึ่งความคิดก็ผ่านเข้ามาในสมองถ้าวันนี้ฝนพรมตลอดจนถึงค่า กางคืนในกบเขียดมันออกจะมาหาคู่ผสมพันธุ์กันเกลื่อนทุ่งหากเขาได้ออกไปส่องมันก็คงจะได้มากพอกินแล้วก็อาจจะมีเหลือไปขายร้านอาหารป่าเป็นรายได้อีกทางด้วยพอใกล้ค่าในสารูดก็จัดแจงเตรียมอุปกรณ์ในการส่องกบอันประกอบไปด้วยฉมวกที่ทําจากก้านล้อรถจักรยานไฟฉายแล้วก็ตะข้องใบใหญ่เขาก็คิดในใจอย่างกระหิมว่ายังไงยังไงคืนนี้เขาคงได้แบกตะข้องกลับบ้านกันหลังแอนแน่ เพราะเขาเล็งหมายที่ไปไว้แล้ว่ะมันเป็นทุ่งนาร้างชายป่าละเมาะไม่ห่างจากแคมป์ของเขาเท่าไหร่นักตอนนั้นเวลาเกือบจะสองทุ่มแล้วฝนขาดเม็ดไปแล้วแต่ว่าฟ้ายังฉ่ำมาด้ละอองน้ําก็มองไม่เห็นดาวแม้แต่ตัวเดียวเขาจัดการเรื่องอาหารเรียบร้อยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนายสาโรุก็เดินดุ่มออกไปยังที่หมายเท้าทั้งสองก็เปลือยเปล่าไม่ได้ใส่รองเท้าเพื่อความสะดวกในการเดินลุยน้ํา ไฟฉายในมือก็สาดส่องไปข้างหน้าช่วงสั้นๆเขาให้เหตุผลในการที่ไม่ส่องไฟฉายไกลๆก็เพราะไม่ต้องการให้กบเขียดมันรู้ตัวแล้วก็อีกอย่างก็คือจะได้มองเห็นเส้นทางที่จะเดินได้อย่าทนัดเป็นการระวังงูงเงียเ้ยวเคี้ยวขอไปในตัวด้วยเท้าเปล่าทั้งสองข้างของนายสาโรุธก็ย่ำไปบนคันนาที่ปริ่มน้าพอเลยป่าละเมาะได้สักครู่หนึ่งเขาก็มาถึงที่หมาย นายสาโรสก็รู้สึกว่าคืนนี้ท้องฟ้ามันช่างเต็มไปได้วยเสียงกบเขียดที่แข่งกันร้องระ ง, งมจนผิดสังเกตแต่ก็ช่างมันเถอะถ้ามันมีมากจริงจะได้ไม่เสียเที่ยวที่อุตส่าห์ลุยน้ำลุยท่ามาปรากฏว่าผิดความคาดหมายตลอดเวลาที่นายสาโรสสาดส่องไฟทั่วผืนนาอันเจิ่งนองไปด้วยน้ำฝนสายตาของเขามองไม่เห็นกบแม้แต่ตัวเดียวย่อมว่าแต่กบเลยเขียดเล็กเขียดน้อยก็ปลอยหายหัวไปด้วยนายสาโรสเริ่มจะมีความหงุดหงิดแล้ว ไอ้ครั้งจะกลับบ้านมือเปล่าก็ใช่ที่ก็ลองเดินหาต่อไปอีกนิดเผื่อจะเจอเหยื่อเคราะไรเขาบังแต่ก่อนที่เขาจะล้มเลิกความพยายามทันสายตาของเขาก็ขวาดไปเจอบางอย่างที่เขากำลังตามหาเขามันก็คือกบตัวเข่งที่หมอบนิ่งอยู่บนคันนาในสาโรธกะน้าหนักกบตัวนี้ด้วยสายตามันคงไม่ต่ำกว่าหนึ่งกิโลแนะมันเป็นกบตัวโตที่สุดตั้งแต่เขาเคยเจอมา เขาก็ค่อยๆย่องเขาหาเหยื่ออย่างระวังมากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังแล้วก็ทําให้มันหนีไปจะดูมันว่ากบตัวนั้นมันจะรู้ถึงการมาของเขาดีแต่ว่ามันก็ยังหมอบนิ่งไม่ขยับตัวไปไหนฉมวกในมือก็ถูกเงื้อขึ้นสุดแขนหมายจะให้มันพุ่งใส่เป้ายังไม่ทันที่ฉมวกอันแหลมคมจะถูกปล่อยจากมือในสาโรสสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําตัวนั้นก็กระโดดหนีไปห่างจากที่เดิมสองสามเก้านายสาโรจชะงักไปชั่วครู่แต่ก็ไม่วไยจะติดตามมันต่อไป ทุกอย่างก็เหมือนครั้งแรกนายสาโรธก็ทําแบบเดิมไม่ผิดเพียนซึ่งผลออกมาก็เหมือนเดิมเช่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคนกษัตริย์ครึ่งบกครึ่งน้ําตัวนั้นมันเหมือนเด็กๆที่กําลังเล่นไล่จับกันมากกว่าที่จะเป็นการตามล่าหมายเอาชีวิตเกือบยี่สิบนาทีที่เขาจดจ้องกระกบตัวใหญ่นั้นความโมโหเดือดก็ขึ้นจดสูงสุดทุกครั้งที่เขาจะพุ่งฉมวกออกไปมันต้องโดดหนีไปทุกครั้งเหมือนกับมันอ่านใจของเขาออก เขาทำอะไรไม่ได้มากนักนอกจากขบเคี้ยวเคี้ยววันด้วยความโกรธแต่การหนีของกบตัวดังกล่าวนี่ก็ดูเหมือนจะมีจุดสิ้นสุดเมื่อมันมาหยุดอยู่ที่โคนมาพราวต้นหนึ่งชายป่าละเมะในสารวจสวมัวจะตามมันอยู่จนลืมสังเกตไปว่าขณะนี้เจ้ากบมันได้นำเขามาเกือบจะเข้าไปในป่าแล้วทีนี้แหละมึงกูจะไม่ให้มึงหนีไปไหนแล้วเขานะขบกรามด้วยความแค้นมือที่กำฉมวกแน่นอยู่ ก็กลับกระชับให้มันแน่นหนักเข้าไปอีกเหมือนกับกลัวว่ามันจะหลุดมือไปไปฉายในมือก็ส่องจับไปยังร่างของมันที่หมอบนิ่งไม่ไหวติงในสารวุฒตัดสินใจปล่อยอาวุธในมือแบบไม่ต้องเงื้อง่าเหมือนกับที่ผ่านมาคราวนี้มั่นใจว่าเหยื่อของเขาคงจะหนีไม่พ้นคมฉมวกอย่างแน่นอนยังไม่ทันที่คมฉมวกจะแทรกผ่านเข้าเนื้อมันพลันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อกบตัวที่นอนสงบนิ่งอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเมื่อสักครู่กลับกระโดดแผลวขึ้นต้นมะพร้าวแล้วหายเข้าไปในบริเวณยอดเขาได้แต่ส่องไฟมองตามอย่างงงงงไม่นึกว่าเหตุการณ์ที่จะเป็นไปได้นี่จะเกิดขึ้นกับเขาเขาก็ทําอะไรไม่ถูกใช่ว่าทุกอย่างมันจะจบลงแค่นี้แล้วเสร็จแล้วยอดมะพร้าวมันก็งูเยนไปมาเหมือนมีมือยักจับโยกเล่น คราวนี้ในสารวดประจักษ์แก่สายตายแล้วว่าสิ่งที่เขาประสบมามันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเท่านั้นนะเร็วเท่าความคิดภายฉายแลยตะข้องก็ถูกสลัดทิ้งอย่างไม่แยแสสับท้าวิ่งออกไปชนิดเรียกว่าเร็วที่สุดเท่าที่เคยวิ่งได้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกทิ้งไว้เบื้องหลังจะมีแต่วิญญาณและชีวิตแต่วความทรงจาที่เขากลับนำกลับไปเท่านั้นแหละ เช้าวันใหม่นายสาโรธก็มาทํางานด้วยอาการง่วงเงียผิดปกติจนเป็นที่สงสัยกัคนคุมงานพอคนคุมงานสอบถามเขาก็ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เขาเจอมาคนคุมงานซึ่งเป็นคนในพื้นที่ก็เลยอธิบายสาเหตุของการเกิดเรื่องกับเขาในคืนที่ผ่านมาเอยที่ป่าลําเาะที่เองผ่านไปนะ่ะจริงๆแล้วมันเป็นป่าชา้าหรือที่คนอิสลามเขาเรียกกูโบ ตามปกติค่ําคืนมันไม่มีใครกล้าเดินผ่านไปแถวนั้นหรอกจะมีเองนี่แหละเป็นคนแรกที่หลังถ้าอยากจะกินกบบอกข้านี่ใครจะพาเองไปเอาที่มันไม่ต้องวิ่งให้เหนื่อยคนคุมงานเขาก็ย้าวเล่นแต่สําหรับนายสาโรธแล้วมันคงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วละ่ะสําหรับการออกไปซองกบอืมแม่รอดกลับมาได้ก็บุญเต็มทีแล้ว